สุวิชาโนภวังโหติแปลว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญทุวิชาโนปราภูผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อมผู้รู้ดีเท่านั้นเขาสันเสริญย่อมเจริญล้ำเลิศประเสริฐหลายเพราะรู้ดีทำดีไม่คลี่คลายหาอุบายมุ่งทำแต่กรรมดีเมื่อกอบกรรมทำดีไม่มีทุกข์เจริญสุขสร้างสมอุดมรี ยิ่งได้สุขสุขเสริมเพิ่มทวีเพราะรู้ดีปลอดภัยใครจะปานผู้รู้ชั่วความชั่วเป็นตัวเชื่อมให้ซามเสื่อมจากสุขทุกสถานเพราะความรู้ชั่วชั่วเหมือนตัวมนันคอยล้างผลาญคุณงามและความดีสิ้นคุณงามความดีทวีชั่วเข้าพันผัวดีหายสลายหนีเพราะรู้ชั่วชั่วพาเป็นราคี ไม่มีดีนําไปฝ่ายเจริญสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์ยอดจะเล่าให้ท่านผู้ฟังถึง เ, เรื่องที่ว่ารู้ชั่วแล้วมันจะได้ดียังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องของอาถรรพ์ความขลังของคาถาอาคมอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะว่าที่จะเล่าเรื่องนี้ก็เพราะไปเห็นเด็กสัก เด็กๆมันสักถ้าสักเอาสวยเอางามมันก็ไม่เป็นไรนแต่ว่าถ้าไปสักเพื่อที่จะให้เกิดความขลังความเฮี้ยนขึ้นมานี่นะอันนี้ขอเตือนไว้เดี๋ยวเอาเรื่องนี้เตือนนะครับคือเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับบิชาเสือสมิงมันมีคาถาอาคมเป็นสื่อในการประจุ ค, ความขลัง วิชาเสือสมิงคือวิชาจำแรงแปลงกายจากสภาวะของมนุษย์ไปสู่สภาวะของสัตว์เดรัจฉานคือเสือโคร่งก็เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดของวิชาสยศาสตร์วิชาหนึ่งนอกจากจะแปลงกายเป็นเสือโคร่งล้วยังมีวิชาแปลงกายเป็นสัตว์อื่นๆได้เหมือนกันเช่นเป็นหมูป่าเป็นจระเข้เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ๆซึ่งการจำแลงแปลงกายเป็นสัตว์ดุร้ายขนาดใหญ่หลายชนิดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเล่าอย่างเลื่อนลอยปราศจากหลักฐาน เพราะว่ามีหลักฐานยืนยันเป็นที่แน่ชัดว่าผู้สำเร็จวิชาแบบเนี้ยสามารถทำได้จริงเช่นที่วัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีตยาสมัยที่หลวงพ่อปานโสณันโทเป็นเจ้าอาวาสวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมานอนหมดสติอยู่ที่ชายตะลิงหน้าวัดในสภาพเปลือยกายล่อนจอนเลยเด็กวัดวิ่งกระหืดกระหอบมาเรียนให้หลวงพ่อปานทราบ ท่านก็สั่งให้นําคนแปลกหน้าคนนั้นขึ้นมาที่หน้ากุติหลังจากทําความสะอาดเนื้อตัวแล้วก็หาเสื้อผ้ามาสวมใส่ไม่ให้เป็นที่อุจจาระผู้ชายแปลกหน้าคนนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่ใช่คนพื้นเพนอยู่บ้านนั่นอยู่ในละแวกใกล้เคียงวัดบางนมโคหลวงพ่อปานท่านประถมพยาบาลจนฟื้นคืนสติแต่ปรากฏว่าเป็นคนสติ ฟ, ฟั่นเฟือนจดจาอะไรไม่ได้เลยสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนก็ตอบไม่ได้ มีอาการเมื่อคนบ้าบางครั้งก็มีอาการคลุ้มคลั่งบ่นบ้าเพ้อเจ้อไม่เป็นเรื่องไปแราวหลวงพ่อปานเวทนาท่านก็ทําน้ำมนต์รักษาให้แล้วก็กล่าวสั้นๆแต่เพียงบอกว่ามันเรียนวิชาจราเะเข้หมายถึงวิชาจําแรงแปลงร่างเป็นจรเข้ผู้ชายแปลกหน้าลึกลับคนเนี้ยอาจจะแปลงกายเป็นจรเข้ตามเวทมนต์ที่ตัวเองเรียนสมัยนั้น แต่จะว่าด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เกิดคืนร่างเดิมไม่ได้ก็ต้องลอยล่องตามลําน้าเรื่อยมาจนกระทั่งถึงหน้าวัดบางนมโคแล้วก็เกิดมนเสื่อมร่างกายก็เลยคืนสภาพเป็นมนุษย์อย่างเก่าหรือว่าอาจจะเนื่องจากเป็นวาสนาของผู้ชายคนที่ว่าที่จะรอดพ้นจากวิบากอาถรรพ์ของสยมนตราอันเป็นเดรชนวิชาก็ทําให้มาคืนร่างที่วัดบางนมโคซึ่งมีหลวงพ่อปานเป็นจเจ้าวัด หลวงพ่อปานท่านนี้เป็นพระอภินยาอีกองค์หนึ่งภูมิจิตภูมิธรรมของหลวงพ่อปานนี่บรร ล, ลุสูงลำ้ำเกินกว่าสามัญชนจะอย่างรู้ได้อิทธิแห่งจิตตานุภาพของท่านช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเจ็บป่วยจากริดร้ายแห่งคุณสายสารพัดซึ่งไม่มีทางรักษาด้วยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็ท่านก็มาช่วยช่วยรอดพ้น แล้วก็ส่วนใหญ่จะรอดเว้นแต่เป็นผลอันเนื่องจากวิวบากกรรมหนักหนาของตัวเท่านั้นน่ะที่ท่านไม่อาจจะช่วยไว้ได้สําหรับผู้ชายลึกลับคนนี้หลวงพ่อปานทําการรักษาด้วยน้ำมนต์ระยะหนึ่งอาการทางจิตฟัน่นเฟือนก็ทุเลาเบาบางลงกระทั่งรู้ตัวว่าเป็นใครมาจากไหนเขาก็เล่าเรื่องตัวเองกราบเรียนหลวงพ่อปานให้ท่านทราบแล้เวเล่าให้หลวงพ่อฟังแต่เพียงรูปเดียวแล้วหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ปีปากบอกให้ใครฟังอีก ต่อมาผู้ชายคนนี้ก็กราบลาหลวงพ่อปานจากไปสําหรับกรณีของชายลึกลับมาปรากฏที่ชายตะลิงหน้าวัดบางนมโคนี่ยังไม่ชัดเจนนักในเรื่องวิชาแปลงตัวเป็นจระเข้แต่ที่ชัดเจนมีพยานย ร, รู้เห็นหลายสิบคนว่ามนุษย์สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นจระเข้ได้ก็คือการแสดงฤทธิ์ของหลวงปู่สุขเกสโรวัดปากคลองมะขามเท่าตบาบลมะขามเ่าอเาเภอวะสัสิงจังหวัดชัยนาท เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นต่อหน้าพระพักของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เวลานั้นกรมหลวงชุมพรเป็นสิทธิ์หลวงปู่ศุขแล้วหลวงปู่สุขก็ถามพระองค์ว่าอยากจะเห็นคนกลายเป็นจอร์เขคไหมเสด็จในกรมทรงตอบว่าอยากเห็นหลวงปู่สุขก็ถามบรรดาทหารที่ตามเสด็จว่ามีใครรับอาสาทดลองก็มีพลทหารชื่อพลทหารจ็อกรับอาสาหลวงปู่สุขก็ นำทุกคนไปที่สระใหญ่ในวัดสเสด็จในกรมก็สเสด็จตามไปด้วยเมื่อถึงริมสระหลวงปู่ศุขก็เอาเชือกเส้นใหญ่มามัดไว้ที่เอวของพลทหารจอกแล้วก็สั่งให้นั่งพนมมือปลายเชือกก็ให้ทหารหลายคนถือเอาไว้ส่วนท่านยืนบริกรรมคาถาอยู่ด้านหลังครู่หนึ่งท่านก็ถีบพลทหารจอกหัวทิ่มตูมลงไปในสระร่างพลทหารจอกจมหายไปใต้น้ําแต่พอโผล่ขึ้นมาอีกครั้ง ร่างของพลทหารจอ ก, กลับกลายเป็นจร์เคตัวใหญ่ท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของทุกคนที่มองเห็นแม้แต่เสด็จในกรมก็แทบจะไม่เชื่อพระเนตรของท่านเองเจร์เขตพลทหารจอร์ตฟาดถางตุมตามตุมตามมาไหว้ไปรอบศรโดยมีทหารบนบกดึงรังเอาไว้ไม่ให้จร์เขตจมหายไปเมื่อแสดงอิทธิฤทธิอันเหลือเชื่อเป็นที่ประจักษ์สมควรแล้วหลวงปู่สุขก็เข้าไปในไปเอาบาดใส่น้ำมนในกุฏิ กลับมาที่ขอบสระแล้วก็ราดน้ำมนต์ลงไปที่จระเข้พร้อมกับบอกให้ทหารที่รั้งเชือกไว้ปล่อยเชือกจระเข้ผลทหารจ็อกก็หายลงไปในน้ําพระโผล่ขึ้นมาก็ปรากฏเป็นผลทหารจ็อกหนังเดิมพอไต่ขึ้นมาบนบกแล้วสเสด็จในกรมทรงถามว่าตอนเป็นจระเข้น่ะมีความรู้สึกยังไงพลทหารจ็อกทูลถวายว่าเขาไม่เห็นตัวเองเป็นจระเข้แต่อย่างใดมองดูมือแขนตัวเองก็เป็นปกติ ก็เป็นคนเนี่ยไม่ได้เป็นจระเข้เพียงแต่มีความรู้สึกว่ากําลังมันแข็งแรงผิดปกติก็ว่ายน้ําเล่นอย่างสนุกสนานพอเหลือบมองขึ้นมาเห็นคนที่อยู่บนฝั่งแสดงกิริยาการตื่นเต้นก็ยังรู้สึกแปลกใจไม่รู้ว่าทําไมทั้งเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องมหัศจรรย์อันเหลือเชื่อจากวิชาแปลงตัวเป็นจระเข้ของหลวงปู่สุเกสโรวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาธนะซึ่งเป็นปรากฏการต่อหน้าเบื้องพระพักของสเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือทีนี้มาคุยเรื่องเสือสมิงไอวิชาเสือสมิงเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับคุณสมบูรณ์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยตอนนั้นเป็นลูกศิษย์วัดพักอาศัยอยู่กับหลวงนาที่วัดทาริพุนชยัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวัดนี้เป็นวัดใหญ่ที่สุดของจังหวัดมีพระเนนเยอะที่กุฏิติดกับกาแพงวัดด้านแม่น้ากวงมีหลวงพี่รูปหนึ่งชื่อหลวงพี่บุญเยน็น หลวงพี่รูปนี้ผอมหน้าตาท่านก็ธรรมดาธรรมดาแต่ในตาดุมากเวลาสบตากับท่านคุณสมบุ์ไม่อยากจะประสานตาด้วยเลยในความรู้สึกบอกได้แต่เพียงว่าตาหลวงหลวงพี่บุญเย็นนี่แข็งกร้าวแล้วก็ดุร้ายไม่มีความเป็นมิตรแม้แต่น้อยหลวงพี่บุญเย็นองค์นี้เพิ่งมาอยู่เมื่อตอนเข้าวรรษาพร้อมกับพระเพื่อนท่านรูปหนึ่งชื่อหลวงพี่อินถา แล้วเวลาออกพรรษาหลวงพี่บุญเย็นกับหลวงพี่อินถาเนี่ยจะท่องเที่ยวทุดงไปได้วยกันคุณสมบูรณ์ทราบมาว่าหลวงหลวงพี่บุญเย็นเนี่ยเรียนวิชาเสือเย็นหรือว่าเสือสมิงหากสําเร็จจะสามารถแปลงกายเป็นเสือได้คุณสมบูรณ์รับฟังแล้วก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพร้อมกันนั้นก็คิดว่าไม่รู้จะเรียนวิชาเสือสมิงไปทําไมเป็นคนก็ดีๆอยู่แล้วเรื่องอะไรจะพยายามไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกก็ไม่รู้ เท่าที่คุณสมบูรณ์สังเกตดูหลวงพี่บุญเย็นเนี่ยไม่สูงสิงกับใครเลยเช้ามืดจะออกไปบินธบัติพอกลับมาก็ฉันในบาทรูปเดียวมือเดียวส่วนเวลาที่เหลือตลอดวันนะท่านจะอยู่แต่ในกุฏินั่งท่องมนคาถาอาคมมองท่านเงียเ้ยสำหรับหลวงพี่อินฐานั้นแม้ว่าท่านจะเคร่งในการปฏิบัติคือมักจะหลบไปนั่งสมาธิและเดินจงกรมข้างๆโบสถ์หลังเก่าที่ปล่อยทิ้งร่างเกือบทั้งวันตอนกลางคืน ท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้จนดึกดื่นแต่ว่าท่านก็ยังมีอัศยาศัยกับพระเนนอื่นๆนะแม้แต่คุณสมบูรณ์ที่เล่าเรื่องเนี้ยซึ่งเป็นเด็กวัดอยู่ตอนนั้นบอกว่าเวลาเดินผ่านท่านก็ทักทายอยู่เป็นประจำเย็นวันหนึ่งพระเนนที่อยู่กุฏิใกล้ๆกับที่พักของหลวงพี่บุญเย็นต่างโกรกตกใจหลวงพี่บุญเย็นเกิดอาการวิปริตขึ้นในกุฏิของท่านคุณสมบูรณ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่วิ่งตือไปดูเหตุการณ์ แล้วก็ได้พบกับความน่ากลัวเวลานั้นหลวงพี่บุญเย็นอยู่กลางห้องกำลังอยู่ในท่าคลานแต่ว่ายกหัวเข่าพลืนเยี่ยวคอมองซ้ายมองขวาชา้ชาๆแล้วก็เสียปากแยกเขี้ยวทำเสียงขู่คำรามเหมือนเสียงเสือไม่มีผิดในตาของท่านที่ขวาดมองพระเนนเด็กวัดที่มางงดูนี่คุณขวางเขียวปัดเหมือนตาเสือไม่มีผิดหลวงพี่บุญเย็นคลานถอยหลังไปที่มุมกุฏิซึ่งบินดี มันเป็นห้องโลง่งๆใช้สองมือที่กลางนิ้วเกรงเป็นตะขอนี่ตะ ก, กุยกับพื้นกระดานอย่างแรงหน้ากลัวเล็บจะฉีกแล้วก็ขู่คำรามไม่ขาดเสียงบางครั้งก็ทําท่าตะกายจะขึ้นทางฝาท่าทางหลวงพี่บุญเย็นขนาดนั้นเหมือนเสือไม่มีผิดเลยเวลานั้นหลวงพี่อินถาไม่อยู่ซะด้วยพวกที่มุงดูเหตุการณ์ก็มีพระเนนรนุ ม, ห, นมหลายรูปก็ไม่รู้จะทําไงดีคุณสมบูรณ์ได้ยินว่าการที่หลวงพี่บุญเย็นเป็นอย่างนี้ เนื่องจากบริกรรมคาถาวิชาเสือเย็นหรือว่าเสือสมิงจนของขึ้นพระอาวุโสก็บอกให้สิทธ์วัดไปตามหลวงพี่อินถามาแก้ไขเชื่อว่าหลวงพี่อินถาหน้าจะอยู่แถวแถวหลังโบสถ์เก่าเด็กวัดวิ่งไปดูแล้วอ่าพอเด็กวัดวิ่งไปหลวงพี่บุญเย็นก็แสดงอาการจะตะกายออกไปาทางหน้าต่างซึ่งถ้าท่านเกิดออกไปนอกกุฏิได้คงจะวุ่นวายเป็นเรื่องใหญ่พระนุ่มๆก็บอกให้ช่วยกันจับหลวงพี่บุญเย็นไว้ก่อน แล้วก็กรูนเข้าไปจับตัวอ่าแต่หน้าประหลาดหลวงพี่บุญเย็นสลัดแขนขาพื้เดียวพระหนุ่มๆสองรูปน่ยกระเด็นออกมาเลยไม่รู้ว่าหลวงพี่บุญเย็นเอาเดี่ยวแรงมาจากไหนคราวนี้พระหนุ่มก็บอกให้พระเนรรูปอื่นๆมาช่วยกันให้หมดเลยทั้งพระทั้งเนรห้าหกรูปถัลันน่ยเข้าไปรุมจับตัวหลวงพี่บุญเย็นพร้อมกันแต่ละรูปก็ล่ำสารสูงใหญ่พอหลวงพี่บุญเย็นเท่านั้นอ่ะแยกย่ากันจับแขนขาวไว้นั่น แต่หลวงพี่บุญเย็นก็ดิ้นสะบัดตัวอย่างแรงไม่กี่ทีพระหนุ่มเนนน้อยก็เด็นไปคนละทางสองทางคุณสมบูรณ์บอกไม่เชื่อว่าหลวงพี่บุญเย็นจะมีพร ะ, ะกําลังมากมายถึงเพียง น, นี้พระเนนก็ไม่ยอมแพ้ ง, ง่ายๆพอตั้งหลักได้ก็กรูนเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นใหม่อีกแต่ว่าไม่สามารถจะหยุดยั้งการอารวาสของหลวงพี่บุญเย็นได้เลยพร้อมกันนั้นก็ทําให้หลวงพี่บุญเย็นเพิ่มความดุร้ายมากขึ้นกว่าเกา่า ดวงตาหลวงพี่บุญเย็นวาวโรธส่งเสียงขู่คำรามกราดเกลียวมากขึ้นทุกทีสองครั้งแล้วที่พระเนนสี่ห้ารูปที่ล่ำสันแข็งแรงเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นไม่สำเร็จโดนเวียงออกมากระเด็นล้มระเนรนาศพระเนนก็ชักอยงแยงเหมือนกันเลยถอยมาจับกลุ่มปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีตอนนั้นหลวงพี่บุญเย็นคู่คารามตั้งท่าสู้เต็มที่ ก่อนที่พระเนนจะตัดสินใจบุกเข้าไปจับตัวหลวงพี่บุญเย็นเป็นครั้งที่สามหลวงพี่อินฐาก็มาถึงพอดีท่านขอทางเข้าไปจนยืนอยู่หน้าสุดแล้วก็ขอร้องพระเนนให้ถอยออกไปห่างๆจากนั้นท่านก็เข้าไปที่วางอัฐบริขารส่วนตัวของท่านก็หยิบขวดใส่น้ำมนต์ขึ้นมาเทน้ำมน์ใส่ขันพลาสติกที่ใช้ล้างหน้าบริกรรมคาถาพึมพำครู่หนึ่งแล้วก็เป่าลงไปที่น้ำมนสามครั้ง เสร็จแล้วหลวงพี่อินถาก็ถือขันน้ำมนต์รงไปยังหลวงพี่บุญเยน็นที่กําลังคลานอยู่เทน้ำมนต์ลดลงไปบนศรีรษะหลวงพี่บุญเย็นจนหมดขันทันทีที่น้ำมนต์กระทบศรีรษะหลวงพี่บุญเย็นก็มีอาการเหมือนกับหมดเรี่ยวหมดแรงในทันทีทันใดกิริยาซึ่งคลานอยู่ก็สุดโยบลงไปฟุบกับพื้นเหยียดแขนเหยียดขานอนหลับตาแน่นิ่งอย่า ง, งไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็ดูมันจะหลับสนิททีเดียวหลวงพี่อินถาก็หันมาบอกพระบอกเนนบอกว่า เออเดี๋ยวต้องข อ, อนิมนต์ทุกท่านออกไปก่อนนะครับหมดเรื่องหมดราวแล้วเดี๋ยวปล่อยให้ท่านบุญเย็นนอนพักสักครู่ตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับพระเนนที่เข้ามามุงดูก็ทยอยออกจากกุฏิไปส่วนคุณสมบูรณ์เองก็ขออาสาเอาผ้ากิริยวเช็ดน้าที่นองพื้นกระดานให้หลวงพี่อินถาก็อนุญาตระหว่างที่คุณสมบูรณ์เช็ดพื้นหลวงพี่อินถาก็เข้าไปประคองประคองครึ่งลากครึ่ง เอาตัวหลวงพี่บุญเย็นได้ขึ้นไปนอนบนเสือท่านเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าอาบเนี่เช็ดหน้าเช็ดตัวซึ่งเปียกน้ําให้กิริยาที่หลวงพี่อินถาแสดงต่อเพื่อนเห็นได้ชัดว่าท่านห่วงใยแล้วก็สงสารเพื่อนอย่างจริงใจหลวงพี่บุญเย็นนอนหลับไปนานเกือบชั่วโมงถึงได้ตื่นพระเนนที่มาเยี่ยมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านท่านก็บอกสั้นๆบอกไม่รู้เสร็จแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกก็เลยไม่มีใครกล้ารบกวนซักถามอะไร หลวงนาของคุณสมบูรณ์ เ, เป็นพระอาวุโสพรรษาที่สุดในคณะท่านเจ้าอาวาสมอบหมายให้ปกครองดูแลพระเนนและเด็กวัดในคณะทั้งหมดเมื่อมีเรื่องหลวงพี่บุญเย็นอาลาวาดแปลกๆหลวงนาก็เลยให้คุณสมบูรณ์ไปเชิญหลวงพี่อินฐามาพบเพื่อสอบถามเรื่องราวเนื่องจากเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์อื้อเฉาไปทั้งวัดเมื่อหลวงพี่อินถามาพบหลวงนา คุณสมบูรณ์ถึงคอยรับใช่ยอยู่ใกล้ๆพอพลอยรับรู้เรื่องราวที่หลวงพี่อินถาเล่าถวายหลวงน้าท่านเล่าบอกว่าท่านเป็นคนจังหวัดอุดรบวชในมหานิกายแต่ว่าฝักใฝ่เรื่องปฏิบัติมากกว่าศึกษาทางปริยัติธรรมก็ออกท่องเที่ยวทุดงไปเรื่อยๆกระทั่งมาพักที่สำนักสงแห่งหนึ่งอยู่ในเขตอำเภอเถินจังหวัดลำปางแล้วก็ได้มาพบกับหลวงพี่บุญเย็นที่นั่นก็เกิดถูกอัตยาศัยกันก็ชวนหลวงพี่บุญเย็นออกทุดงเพื่อปฏิบัติธรรม อีกประการหนึ่งที่หลวงพี่อินถารู้สึกสงสารหลวงพี่บุญเย็นก็คือหลวงพี่บุญเย็นได้รับการถ่ายทอดวิชาเสือเย็นหรือ ว, ว่าวิชาเสือสมิงมาโดยรู้เท่าไม่ถึงกันแล้วก็พยายามถอนวิชานี้ออกจากตัวแต่ก็ทําไม่ได้เมื่อไหรที่ควบคุมอาถรรพ์วิชาเสือเย็นเอาไว้ไม่ได้มันก็จะแสดงฤทธิ์อย่างที่ปรากฏให้เห็นรู้กันทั่วจําเป็นจะต้องมีคนช่วยเอาน้ำมนต์ที่ทําเตรียวไว้ในรถศรีรษะอาถรรพ์มันถึงจะสลายไป ลหลวงน้าท่านก็ถามว่าทําไมต้งไปเรียนวิชาไัยาศาสตร์ซึ่งเป็นเดรัจฉานวิชาอย่างนั้นหลวงพี่อินถาก็บอกว่าเท่าที่หลวงพี่บุญเย็นท่านเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นหลวงพี่บุญเย็นยังไม่ได้บวชกําลังเป็นวัยรุ่นชอบทางคาถาอาคมครอบครัวของหลวงพี่บุญเย็นทำไร่อยู่บนเขาตัวหลวงพี่บุญเย็นก็ไปรู้จักกับกระเลียงเท่าคนนึ่งกเรเลียงเท่าคนนี้ปลูกกระท่อมอยู่ในป่าคนเดียวนานๆ กระเรียงเท่าจะเข้ามาขอข้าวโพดแห้งไปแช่น้ำต้มกินหลวงพี่บุญเย็นก็ให้ไปได้วยความสงสารทุกครั้งที่กะเรียงเท่ามาพบหลวงพี่บุญเย็นนแกจะหิ้วเนื้อสดๆมาฝากเสมอเป็นเนื้อเก่งบ้างเนื้อกวางบ้างหรือว่าบางคราวก็เป็นเนื้อหมู ป, ป่าหลวงพี่บุญเย็นก็ถามตกากะเรียงเอาอะไรไปล่าสัตว์ยิงสัตว์เพราะไม่เห็นแกมีอาวุธอะไรกะเรี่ยงเท่าก็ไม่ยอมตอบเฉยใช้ไปพูดเรื่องอื่นเสีย ในระยะหลังๆมีข่าววัวควายชาวบ้านถูกเสือโคร่งตัวใหญ่เข้ามากัดแล้วก็ลากเขาไปกินทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวเสือมากเนื่องจากชายป่าแถบนี้ไม่เคยปรากฏมีเสือเข้ามาอารวาดเลยในเวลาเดียวกันเมื่อกะเรียงเท่ามาหาหลวงพี่บุญเยน็นแกจะเอาเนื้อวัวเนื้อควายมาฝากหลวงพี่บุญเย็นถามว่าเอาเนื้อพวกนี้มาจากไหนตากะเรียงก็บอกว่าพวกของแกแบ่งให้ก็เลยเอามาฝากต่อว่าอย่างนั้น ต่อมากระเลียงเท่าบอกหลวงพี่บุญเย็นว่าแกมีวิชาอาคมดีอยากจะถ่ายทอดให้แกหลวงพี่บุญเย็นเพราะถ้าไม่มีใครสืบต่อวิชานี้มันก็จะสาบสูญหายไปหลวงพี่บุญเย็นมีนิสัยชอบทางคาถาอาคมอยู่แล้วก็ยินดียอมเป็นศิษย์เพื่อจะได้รับการถ่ายทอดวิชาดังกล่าวแต่เมื่อถามกะเรียงเท่าว่าวิชานี้มีความแขังแล้วก็คุณวิเศษทางไหนแกกลับไม่ยอมบอกตรงๆ ต, ตอบแต่เพียงว่าเรียนสําเร็จเมื่อไหร่ก็จะรู้เองแกว่าอย่างนั้น นับตั้งแต่วันนั้นกะเรียงเท่าจะมาพบหลวงพี่บุญเย็นทุกเ็ดวันเพื่อสอนคาถาด้วยวิธีบอกคาถาให้ทีละคำซึ่งต้องใช้ความทรงจําอย่างเดียวหลวงพี่บุญเย็นใช้เวลาเรียนคาถาประหลาดจากกะเรียงเท่านานถึงสองเดือนถึงได้เรียนจบซึ่งในคาถาทั้งหมดนมีคาถาแก้อยู่ด้วยบทหนึ่งในวันที่ตากะเรี่ยงมาสอนคาถาบทสุดท้ายได้นําเอาเนื้อสดมาด้วยชิ้นหนึ่ง แล้วก็ให้หลวงพี่บุญเย็นกินก็ไปให้หมดโดยบอกว่าถ้าไม่กินเนื้อชิ้นนี้ความขลังและคุณวิเศษของอาคมจะไม่สำเร็จผลหลวงพี่บุญเย็นก็ยอมกินกะเรียงเท่าเห็นหลวงพี่บุญเย็นกินเนื้อจนหมดก็ยิ้มแย้มเบิกบานด้วยความดีใจแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้สูหคือผู้ที่สืบเชื้อสายจากข้านะวิชาของข้าเขาจะไม่สูญหายไปจากโลกนี้แล้วละ่ะ หลังจากหลวงพี่บุญเย็นท่องคาถาอาคมที่รเรียงสอนจนจำขึ้นใจหลวงพี่บุญเย็นก็มักจะปลีกตัวเข้าไปในป่าสงัดเงียบแล้วก็ท่องคาถาที่มีความยาวคราวละร้อยแปดคาบการท่องคาถาวนเวียนซ้ำซากนับร้อยครั้งเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการสร้างสมาธิให้กล้าแข็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เ, เวลาผ่านไปหลายเดือน หลวงพี่บุญเย็นก็รู้สึกตัวว่าถูกอาถรรพ์อาคมเข้าครอบงำเพราะว่าเกิดความลุ่มหลงอยากจะบริกรรมคาถานี้อย่างงมงายเวลาอำนาจของอาคมแสดงอนุภาพมันจะรู้สึกมีพระกำลังเพิ่มพูนขึ้นอย่างประหลาดพร้อมกันนั้นก็อยากจะกินเนื้อสดสดชุ่มเลือดอย่างรุนแรงความรู้สึกอย่างหลังเนี่ยที่ทาให้หลวงพี่บุญเย็นอยากจะเลิกบริกรรมคาถานี้แต่ก็ทาไม่ได้ กลายเป็นว่าฤทธิ์อาคมน่ะมันมีอำนาจเหนือกว่าการบังคับบัญชาตัวเองของตนไปซะแล้วระหว่างที่หลวงพี่บุญเย็นกําลังหลงไหลายในคาถาอาคมของกระเหลี่ยงเท่าชาวบ้านแถบชายป่าก็กําลังเผชิญกับความหวาดกลัวเสือโครง่งเสือโคร่งตัวใหญ่เพราะมันได้กลายเป็นเสือกินคนไปแล้วชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าโดนเสือจู่โจมสังหารไปแล้วถึงสองคนทีแรกมันก็กินบัวกินควายกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่อมาก็มากินคน ผู้เคราะห์รายรายล่าสุดเป็นเด็กอาวัวไปเลี้ยงที่ชายทุ่งคราวนี้เสือกินคนออกมาจากเขตป่าบุกเข้าตะปบกัดเด็กจนตายคาที่สภาพศพเด็กเลี้ยงบัวนี่น่าสยดสยองเพราะยับเยินไปทั้งตัวแต่แปลกที่สุดไม่มีร่องรอยถูกเสือกัดกินคล้ายๆกับเสือต้องการฆ่าด้วยความคลุ้มคลั่งเท่านั้นชาวบ้านที่เป็นพรานก็เลยวางแผนล่อเสือให้เข้ามาติดกับโดยนําลูกวัวไปผูกไว้ที่ชายป่า เสร็จแล้วก็ผูกห้างบนต้นไม้ใกล้ๆกับที่ผูกลูกวัวตัวนายพรานก็ปีนขึ้นไปอยู่บนห้างพอค่ํา ม, มืดลงลูกวัวก็ตะเบ็งส่งเสียงร้องหาแม่มันดังลั่นป่าแล้วร้องไม่หยุดเสียงร้องของลูกวัายาวยา้ยวยนให้เสืออดใจไม่ได้ตอนดึกคืนนั้นเสือก็ตรงมาที่ลูกวัวพอเสือโดดเข้าต่อปบลูกวัวพรานที่จ้องปืนคอยทีอยู่แล้วก็ยิงเปรียงกระสุนถูกเขาที่สําคัญแต่เสือไม่ตายขาที่ บาดเจ็บกระเซาอกระเซิงหนีไปได้พรานก็ยังไม่กล้าลงจากห้างตอนกลางคืนก็คอยจนเช้าฟ้าสว่างแล้วถึงได้ลงมาตามพักพวกออกไปตามรอยเลือดของเสือเจ็บไปทันทีพวกพรานตามไปไม่นานก็พบกระสิ่งเหลือเชื่อนั่นก็คือสุดทางที่รอยเลือดหยดเลี่ยราดแทนที่จะพบกระเสือนอนตายอยู่กลับกลายเป็นกะเหลี่ยงเท่านอนสิ้นใจตายในสภาพเปลือยกายทั้งตัวที่หน้าอกมีแผลถูกยิงทะลุออกสีข้าง แล้วก็ที่ทําให้ผู้พบเห็นตื่นกะลึงพึงเพลิดก็คือตลอดร่างของตากะเรียงนี้มีรอยจางๆเหมือนลายเสือผ่ากรอนพาดตลอดตัวข่าวกะเรียงเท่าเป็นเสือสมิงแพร่ออกไปตลอดแถบถิ่นที่อยู่เนะี่ยเมื่อหลวงพี่บุญเย็นรู้ข่าวนี้ก็ตกใจก็หวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะว่าเพิ่งแน่ใจว่าวิชาคาถาอาคมที่กะเรียงเท่าถ่ายทอดให้ตัวก็คือวิชาเสือสมิงหรือวิชาเสือเย็นนี่เอง แม้จะรู้ความจริงอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงเนื่องจากอาถรรพ์ของวิชามันครอบงําตัวเองจนไม่สามารถจะสลัดตัดทิ้งออกไปได้หลวงพี่บุญเย็นก็ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุหวังจะได้บา ร, รมีของคุณพระรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองตนให้พ้นจากอํานาจวิชาชั่วร้ายนี้แต่ถึงจะคล้องผ้ากาสาวะพัดเป็นพระภิกษุหลวงพี่บุญเย็นก็รู้ว่าอาถรรพ์ของวิชาเสือสมิงเน่ยยังคงอยู่แล้วก็มีอํานาจเหนือจิตใจจนไม่อาจจะต้านทานได้ หลวงพี่บุญเย็นก็ออกทุดงไปเพียงลำพังเนื่องจากไม่ต้องการให้พ่อแม่ญาติพี่น้องตลอดจนชาวบ้านรู้ว่าตัวเองมีวิชาเสือสมิงระหว่างที่เดินธุดงไปตามป่าเขาแนวไพรก็แวะเข้าไปพักที่สำนักสงฆ์ที่ว่าเนี่ยก็บังเอิญพบกับหลวงพี่อินถาซึ่งกำลังเดินทุดงเหมือนกันก็เข้าไปพักที่สำนักสงฆ์แห่งเดียวกันพูดคุยกันเป็นที่ถูกอัธยาศัยหลวงพี่บุญเย็นก็เล่าเรื่องที่เรียนวิชาเสือสมิงมาเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ แล้วก็กําลังได้รับเคราะหกรรมจากวิชานี้ให้หลวงพี่อินถาฟังหลวงพี่อินถารับรู้อย่างนั้นก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจก็ร่วมทางไปกับหลวงพี่บุญเย็นเพื่อจะได้ช่วยเหลือเพราะในระยะหลังๆหลวงพี่บุญเย็นมีอาการคลุ้มคลั่ง บ, บ่อยๆซึ่งหลวงพี่บุญเย็นจะทําน้ำมนต์แก้ฤทธิอํานาจวิชาเสือสมิงใส่ขวดเอาไว้เมื่อเกิดอาการคลุ้มคลั่งหลวงพี่อินถาก็จะใช้น้ำมนต์แก้เนี่ยลดที่ศรีรษะอาการดังกล่าวก็จะหายไปหายไป เรื่องราวของหลวงพี่บุญเย็นซึ่งหลวงพี่อินฐาเล่าให้หลวงนาคุณสมบูรณ์ฟังอยู่มีอยู่แค่นี้ซึ่งหลวงนาก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้หลวงพี่อินฐาก็กราบเรียนหลวงนาในตอนท้ายบอกว่าออกระผมกับพระบุญเย็นก็พยายามสืบหาผู้มีวิชาทางสายศาสตร์ชั้นสูงเพื่อจะขอร้องให้ท่านถอนวิชานี้ออกไปจากตัวพระบุญเย็นเสียทีแต่เดินทุดงไปทั่วก็ยังไม่เจอใคร รู้วิธีถอนอาหันวิชาเสือสมิงได้ครับตั้งใจว่าจะออกบรรษาแล้วนี่จะลองข้ามชายแดนเข้าไปทางคำเหมนอาจจะมีวาสนาได้พบกับอาจารย์เก่งๆสักคนตลอดระยะเวลาสามเดือนที่เข้าบรรษาหลวงพี่บุญเยนาาเ็นอารวาสเพียงครั้งเดียวจนกระทั่งออกบรรษาแล้วหลวงพี่บุญเย็นกับหลวงพี่อินถาก็ออกทุดงไปด้วยกันอีก เวลาผ่านไปสามปีคุณสมบูรณ์เรียนอยู่ชั้นมัธยมหกโรงเรียนเมทีวุฒิกรซึ่งอยู่ในบริเวณวัดหาริพุนชัยแล้วก็ยังอาศัยอยู่กับหลวงนาเหมือนเดิมเข้าพรรษาปีนั้นหลวงพี่อินฐาย้อนกลับมาที่วัดหาริพุญชัยอีกครั้งเพื่อมาขออนุญาตท่านจเจ้าอาวาสจำพรรษาแต่มาคราวนี้ไม่มีหลวงพี่บุญเย็นมาด้วยหลังจากหลวงนาจัดหากุติให้เข้าพักเรียบร้อยแล้ว คุณสมบูรณ์ก็เข้าไปรับใช้ท่านเนื่องจากท่านเป็นพระอาคันตุกะแล้วก็เคยรู้จักสนิทสนมมาก่อนเมื่อคุณสมบูรณ์ถามถึงหลวงพี่บุญเย็นว่าทำไมไม่มาด้วยกันหลวงพี่อินถาก็มีหน้าสลดลงบอกว่าหลวงพี่บุญเย็นมรณภาพแล้วหลวงพี่อินทาเล่าเรื่องหลวงพี่บุญเย็นให้ฟังว่าเมื่อออกทุดงไปด้วยกันในปีนั้นก็ขึ้นไปทางภาคอีสาน แล้วก็สแสวงหาผู้มีวิชาเพื่อจะขอให้ถอนวิชาเสือสมิงหรือว่าเสือเย็นนี่ออกไปจากตัวหลวงพี่บุญเย็นไปพบผู้มีวิชาคนหนึ่งก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังเมื่อท่านทราบว่ากะเรียงเท่าเอาเนื้อสดให้หลวงพี่บุญเย็นกินท่านก็ว่าคงจะแก้ยากเสือแล้วละ่ะเพราะว่าเนื้อสดก้อนนั้นน่ะคงจะเป็นเนื้อคนที่ตากะเรียงแปลงกายเป็นเสือไปฆ่ามาการที่กินเนื้อมนุษย์เข้าไปเนี่ย มันทำให้อาถันเข้าไปฝังอยู่ในเลือดเนื้อยากที่จะถอนออกไปได้ไง่ายๆท่านก็แนะนำให้ลองข้ามไปทางเขตขเขมรเสาะหาผู้มีวิชาสูงกว่าท่านมาช่วยแก้ไขระหว่างกำลังเดินทางเข้าไปในแผ่นดินขเขมรวิชาเสือสมิงก็แสดงฤทธิ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลวงพี่บุญเย็นพยายามใช้อาคมสะกดยังไงก็เอาไมา่อยู่น้ำมนต์แก้อาถันแทบจะหมดอานุภาพเลยทีเดียว ทำให้หลวงพี่บุญเย็นนะ่ะทุกข์ใจมากแล้วที่ร้ายที่สุดก็คือเวลาอำนาจอาคมวิชาเสือสมิงเข้ามาครอบงำหลวงพี่บุญเย็นจะมีความรู้สึกคลุ้มคลั่งอยากจะสังหารหลวงพี่อินถาซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของท่านแล้วก็กัดกินแทบจะระ ง, งับเอาไว้ไม่ได้นะแต่หลวงพี่บุญเย็นนะ่ะเคยบอกว่าท่านจะไม่ยอมไม่เกิดอันตรายแก่หลวงพี่อินถาอย่างเด็ดขาดท่านเคยพูดไว้อย่างนั้น คืนหนึ่งขณะเดินข้ามภูเขาสูงแต่ข้ามไม่พ้นก็เลยต้องหยุดพักปักกรดบนสันเขาใกล้ๆกับเหวลึกดึกคืนนั้นอาถรรพ์วิชาเสือสมิงก็เข้าครอบงำหลวงพี่บุญเย็นอีกหลวงพี่บุญเย็นคลุ้มคลั่งอารวาดสพฤกิริยาของเสือหลวงพี่อินถาใช้น้ำมนแก้ราดรสิษะยังไงก็เอาไมา่อยู่ก่อนที่หลวงพี่บุญเย็นจะเข้าทำร้ายเพื่อนรักของท่านตอนนั้นความรู้สึกตัวที่ท่านเหลืออยู่เพียงนิดเดียวเนี่ย ก็ทำให้ท่านตัดสินใจยุติความเลวร้ายทั้งหมดด้วยการวิ่งไปที่ขอบเหวลึกแล้วกระโดดลงไปทันทีตอนเช้าหลวงพี่อินถาพยายามไต่ลงไปที่ก้นเหวลึกก็พบว่าหลวงพี่บุญเย็นมรณาภาพไปแล้วในสภาพกระดูกหักไปทั้งตัวที่น่าอาัศจรรย์ก็คือตลอดลำตัวมีรอยปูดนูนออกมาเหมือนลายเสือไม่มีผิดแสดงว่าครั้งนี้อาถรรพ์ของวิชาเสือสมิงแผ่อนุภาพถึงขั้นสูงสุด หากหลวงพี่บุญเย็นไม่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเสียก่อนก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันบางทีชีวิตของหลวงพี่อินถาก็อาจจะถึงวาระสุดท้ายก็ได้นี่คือเรื่องราวของวิชาแปลงกายซึ่งเป็นวิชาทางไสยศาสตร์ชั้นสูงที่คุณสมบูรณ์ผู้เล่าเรื่องนี้รับรู้มาจะเห็นได้ว่าอาถรรพ์อันน่ากลัวของวิชานี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่หลงผิดเล่าเรียนและมองไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยสําหรับผู้ซึ่งเรียนสําเร็จคือสําเร็จไปแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นยังไงอ่า มีหน้ำซ้ายัางจะไปก่อบาปสร้างเวรกรรมไม่แก่ตัวเองโดยใช่เหตุเป็นเรื่องเหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นเรื่องจริงที่น่าอาัศจรรย์เป็นเหตุการณ์สำคัญอ่าเป็นเรื่องของวิชาการซึ่งไม่น่าจะไปเรียนไปรู้มันเพราะมันมีแต่ให้โทษเรื่องราวของเสือสมิงเนี่ย อาจจะคล้ายกับนิยายปรามปราคือไม่ค่อยจะมีความน่าเชื่อสักเท่าไหร่แต่บนความเชื่ออันเลื่อนลอยนี้เองปรากฏว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งมีความเชื่อว่าเสือสมิงเป็นเรื่องจริงและทุกวันนี้เสือสมิงก็ยังมีอยู่ในเรื่องนี้ชาวอำเภอเขาสมิงซึ่งอยู่ในจังหวัดตราดได้มีตำนานเล่าขานตำนานนั้นต่างกับนิยายปรามปราคือตำนานนัมีความน่าเชื่อถือมากกว่า ท่านที่เดินทางไปจังหวัดตราดจะต้องผ่านอำเภอเขาสมิงซึ่งเป็นชื่อของภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งตามตำนานกล่าวว่าแต่กกอนเขาแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของผู้ชายคนหนึ่งที่มีวิชาอาคมเก่งกล้ามากจนสามารถแปลงร่างให้เป็นเสือได้ชาวบ้านเขาเรียกพ่อปู่สมิงขาวเนื่องจากชายผู้นี้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมอยู่ในจิตใจแล้วก็ไม่กินเนื้อเป็นอาหาร เมื่อเขาได้กลายร่างเป็นเสือสมิงก็เป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อเป็นอาหารพ่อปู่สมิงขาวคนนี้อาศัยอยู่ในภูเขาคนเดียวโดยใช้เถาวันใหญ่ซึ่งเรียกกันว่าเถาสบ้าโหนตัวทอดจากยอดเขาข้ามแม่น้ำตราบแล้วทอด ต, ตัวต่อไปยังต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแทนสะพา น, นเป็นประจำปัจจุบันมีเหลือแต่เพียงต้นยางใหญ่พอจะเป็นร่องรอยเท่านั้นเอง ในเวลาต่อมามีชาวจีนกลุ่มหนึ่งได้พากันเดินทางไปตัดไม้เพื่อจะต่อเป็นเรือสำเภาขนาดใหญ่พวกเขามาจากบ้านสีบัวทองตำบลวังตะเคียนซึ่งอยู่เลยเขาลูกนี้ออกไปอีกชาวจีนเหล่านี้ได้เข้าไปตัดไม้ต่อเรือสำเภาอยู่ในป่าริมแม่น้ำตราดเป็นเวลาหลายเดือนจึงเสร็จเมื่อต่อเรือสำเภาใหญ่เสร็จก็ช่วยกันลากสู่แม่น้ำตราดเพื่อจะนาเรือกลับไปบ้าน พวกเขาล่องเรือมาตามลำ น, น้ําตราดผ่านมาถึงเขาสะบ้าใหญ่ที่เสือสมิงเคยโหนข้ามบังเอิญเสากระโดงเรือก็ไปติดกับเขาสะบ้าใหญ่ก็ทําให้ล่องเรือต่อไปอีกไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นนายสัมภาหัวหน้าใหญ่ก็สั่งให้ลูกน้องขึ้นไปตัดถวัรออกไปเสียจากลําน้ําเพื่อว่าเรือสัมภาจะได้แล่นผ่านไปได้คั้นผู้ชายที่เป็นเสือสมิงนั้นกลับมาก็ไม่สามารถจะข้ามลําน้ําไปยังฝั่งตรงกันข้ามได้อีก ด้วยอำนาจแห่งเวทมนต์เสือสมิงเมื่อรู้ว่ามีใครมาตัดถาวันก็ตามไปพบเรือสำเภาใหญ่ของพวกชาวจีนกําลังเล่นไปตามลําน้ําตาดถึงบ้านโปรงเรือของพวกชาวจีนก็เกิดล่มลงเป็นเหตุให้ชาวจีนที่อยู่ในเรือเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดต่อมาคนทั้งหลายก็เลยเรียกภูเขาเล็กๆแห่งนี้ว่าเขาสมิงมาจนบัดนี้ ในเวลานี้ก็ยังพอมองเห็นซากของเรือสำเภาดังกล่าวจมอยู่ในลําน้ำตราดบริเวณที่เป็นบ้านปรงจากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่นี้ก็ทำให้ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเรื่องราวของพ่อปู่สมิงขาวนี่น่าจะมีเขาโครงความจริงอยู่บ้างเรื่องราวของพ่อปู่สมิงขาวเป็นที่สนใจของคนทั่วไปมีอดีตตำรวจคนหนึ่งซึ่งเคยอยู่ที่โรงพักเขาสมิง เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ย้ายมาประจําที่นี่ก็เคยได้ยินเรื่องราวของปู่เจ้าสมิงขาวมาบ้างเหมือนกันแต่ในเวลานั้นยอมรับว่าไม่เชื่อแล้วก็ยังคิดว่าเป็นความงมงายของชาวบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเพื่อนๆมาเยี่ยมแต่แล้วแกก็ซื้ออาหารมาทํากินที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าอยากจะไปยิงนกแกก็บอกว่าแถวนี้ห้ามยิงปืนเพราะอยู่ในเขตป่าสงวนยิงปืนมันมีความผิดผมเป็นตํารวจในพื้นที่อย่าทําให้หนักใจเลย ซึ่งเพื่อนก็เหมือนจะเข้าใจขณะที่พวกเขากําลังนั่งกินข้าวอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งเสียงปืนดังมาจากหลังบ้านแกกับเพื่อนๆก็รีบวิ่งไปดูปรากฏว่าเพื่อนคนนั้นกําลังเอามือปิดที่ใบหน้าซึ่งโชกไว้ด้วยเลือดก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าอาการค่อนข้างหนักก็มารู้ทีหลังว่าเพื่อนคนนั้นแอบเอาปืนกันมาด้วยในขณะที่ทุกคนกําลังนั่งกินข้าวบนบ้านเขาแอบไปยิงนกบนขาวสมิง ปรากฏกระปากระบอกปืนเกิดระเบิดตาข้างหนึ่งบอดสนิทส่วนตาอีกข้างก็เห็นเพียงลางๆส่วนใบหน้านเป็นแผลเวอะแวะสัตว์ทุกชนิดบนเขาสมิงไม่ไว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือว่าสัตว์ใหญ่ตามความเชื่อของคนโบราณพวกสัตว์เหล่านั้นล้วนเป็นบริวารของเจ้าปู่สมิงขาวทั้งสิน้นดังนั้นใครอย่าไปทําอันตรายไม่ได้เป็นอันขาดในเรื่องเนี้ยชาวบ้านต่างรู้กันดี แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากที่ไม่เชื่อแล้วก็แอ บ, บเข้ามาล่าสาัตว์บนเขาสมิงปรากฏว่าผู้ที่มาทําอันตรายบริวารหลวงพอ่ อ, พอปู่สมิงขาวนี่ก็มักจะเจอกับเรื่องราวที่ร้ายรๆเป็นต้นว่ารถคว่ําเป็นเหตุให้คนบาดเจ็บทั้งคันรถที่เบาวหน่อยก็คือเดินหลงป่าตลอดทั้งคืนแล้วต้องเจอกระเสือตัวใหญ่มากซึ่งเป็นภาพลวงตาอันเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของพ่อปู่มีลุงคนนึงซึ่งเป็นคนเก่าวคนแก่ของเขาสมิง ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องราวของเสือสมิงว่าเป็นเรื่องจริงออสมิงด้ ว, ว่าเสือสมิงนั่นเชื่อกันว่าเป็นคนมีวิชาแก่กล้าจนร้อนวิชากลายเป็นเสือแต่บางตำราก็บอกว่าเดิมทีเสือสมิงเป็นเสือธรรมดาต่อมาได้กินเนื้อคนก็เกิดติดใจแล้วก็รอบสังหารคนกินเป็นอาหารเรื่อยมาวิญญาณของคนที่ตกเป็นเหยื่อก็มาเข้าสิงอยู่ในเสือตัวนั้น ทำให้มันกลายเป็นเสือผีหรือว่าเสือสมิงในบางครั้งเสือสมิงอาจจะแปลงร่างเป็นคนเดินสวนทางกับพวกชาวบ้านแต่พอเดินคล้อยหลังก็กลับกลายร่างเป็นเสือแล้วก็ตรงเข้าสังหารเหยื่อทันทีคติความเชื่อของพวกพรานเมื่อเวลานายพรานเมียท้องแก่นี้เขาจะห้ามไปป่าล่าสัตว์หรือว่าห้ามไปค้างไปนั่งห้างดักยิงสัตว์เพราะว่าเสือสมิงอาจจะแปลง แปลงเป็นคนเข้าไปบอกว่าเมียกำลังจะออกลูกหรือบางทีก็แปลงเป็นตัวเมียเขานั่นแหละมาตามนายพรานพูดเป็นสามีถ้าหากว่านายพรานป่าหลงเชื่อแล้วลงมาจากห้างที่ขัดไว้บนต้นไม้เสือสมิงมันก็จะกลับร่างเป็นเสือแล้วก็เล่นงานนายพรานทันทีเสือสมิงน่มันสามารถแปลงกายได้จริงแล้วก็ยังมีกลวิธีหลอกล่อให้คนตกเป็นเหยื่อสารพัด วิธีป้องกันและจัดการกับเสือสมิงและเวลาที่เมียท้องแก่คือห้ามนายพรานเข้าไปค้างอ้างแรมในป่าหากผู้ค้างดักสัตว์ยิงอยู่ในป่าแล้วเกิดมีคนมาตามให้โยนไม่ขีดให้คนนั้นลองจุดดูถ้าหากว่าเป็นเสือสมิงแปลงกายมามันก็จะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าลูกกระสุนปืนธรรมดาไม่สามารถจะทาอันตรายพวกเสือสมิงได้เลย การฆ่าจะต้องใช้กระสุนเงินที่ผ่านการลงอาคมแล้วเท่านั้นส่วนในเรื่องของพ่อปู่เขาสมิงแต่บางคนก็เรียกพ่อปู่สมิงขาวเนี่ยถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนทั่วไปให้ความเคารพ บ, บูชาผู้ใดจะมาทำอันตรายสัตว์ป่าซึ่งอยู่บนเขาสมิงไม่ได้เป็นอันขาดเพราะว่าพวกมันล้วนเป็นบริวารพ่อปู่พวกที่มีอาชีพหาของป่าก่อนที่จะเดินทางเข้าป่าก็จะต้องนำผลไม้มาเส้นไหว้ท่านแต่ว่าห้ามใช้เนื้อสัตว์เด็ดขาด บารมีความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่ก็จะช่วยคุ้มครองให้การเดินทางตลอดปลอดภัยครับเรื่องราวของพ่อปู่สมิงขาวอาจจะเป็นเพียงตำนานเล่าขานหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในอดีตนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถตอบได้เว้นแต่ว่าท่านจะไปประสบกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองครับพูดถึงสถานที่แปลกๆเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปวัดหน่อนะครับวัดตาบูน ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศสุธยาเป็นวัดเก่าแก่สร้างมานานแล้วต่อมาได้กลายสภาพเป็นวัดร้างมีซากเจดีย์ใหญ่ปรากฏอยู่ชื่อวัดนี่เรียกแตกต่างกันไปเป็นต้นว่าวัดเหนือวัดใต้วัดกลางวัดเจดีย์หักเพราะว่ามีเจดีย์หักปรากฏอยู่ในวัดเมื่อคราวเป็นวัดร้างนมีคนเฝ้าวัดอยู่คนหนึ่งชื่อตะบูลชาวบ้านเขาก็เลยเรียกวัดตาบูล เมื่อประมาณสี่สิบปีมาแล้วสภาพวัดไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้คือสุดโสมมากเวลาชาวบ้านจะเดินทางมาทำบุญจะต้องเดินทางโดยทางเรือเพราะว่ายังไม่มีถนนถพระภิกษุจะบินธบาตก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะปู่เพื่อนของคุณ น, นิกรเนี่ยเล่าบอกว่าสมัยก่อนในวัดตะบูนผีดุที่สุดเลยตอนที่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 แต่ถึงกระ น, นั้นก็ยังกลัวผีอยู่นั่นเองวันแรกที่บวชเป็นพระปรากฏวาสุพานไล่ให้ปู่ไปนอนที่กุฏิหลังเล็กติดกับโกดังเก็บศพเวลานั้นหัวใจเกือบจะหยุดเต้นเพราะได้ยินมาว่ากุฏิหลังนั้นทามาจากไม้โลงผีใครเข้าไปนอนไปต้องโดนผีหลอกทุกรายจะจะปฏิเสธหรือว่าบ่ายเบี่ยงก็ไม่ได้เพราะอาจารย์โปร่งนี้ท่านดุมาก ปูก่ก็ยอมลงทุนจ้างเด็กวัดให้มานอนเป็นเพื่อนแต่ไม่มีใครกล้าเลยสักรายหนึ่งอ้าวแล้วผีมันกล้าหลอกพระด้วยหรือปู่พระบวชใหม่อ่ะผีมันไม่กลัวหรอกตรงกันข้ามอะมันกลับมีความภาคภูมิใจซะอีกที่จะหลอกพระเราต้องเข้าใจว่าผีนะั้ไม่เคยกลัวพระนะแต่สิ่งที่ผีกลัวก็คือวิชาอาคมระหว่างพระที่ไม่มีวิชาอาคมใดๆเลยกับคนธรมธรมดาธรรมดาแต่มีวิชาอาคมเนี่ย ผีมันกลัวคนซะมากกว่าคืนนั้นปู่นอนไม่หลับมีความรู้สึกเหมือนมีคนเดินรอบมุง้งบางเวลาก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงนั้นดังมาจากหัวนอนแต่ปู่ก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาดูคืนนั้นจึงเป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดเลยมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ปู่ตัดสินใจเรียนวิชาอาคมกับพระอาจารย์โดยเฉพาะวิชาสะกดพูดผีปีศาจอ้อาว แล้วปู่มีวิชาสะกดพูดผีปีศาจได้เหรอวิชาเนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วสมัยพุทธกาลผีตนใดหลอกพระสงฆ์เนี่ถือเป็นบาปมหันต้องตกนรกหมกไหมแต่ไม่ได้พูดได้เกิดแล้วละ่ะอ่าสําหรับเรื่องผีหลอกพระเนี่ยครับอพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยท่านบวชพระก็เคยโดนผีหลอกเหมือนกันอ่าวันนั้นพระอาจารย์ไปกรุงเทพ ท่านไปนอนเฝ้าในกุฏิของอาจารย์แล้วประมาณสักห้าทุ่มเศษมันก็ยังไม่ง่วงก็เลยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านจนกระทั่งนาฬิกาตีบอกเวลาหกทุ่มก็เลยคิดว่าเออนี่เวลามันดึกแล้วก็วางหนังสือลงจุดทูปเทียนบูชาพระตั้งใจว่าจะเข้าสมาธิสักครู่หนึ่งประมาณสักตีสองก็จะนอนแต่ปรากฏว่าพอจุดทูบบูชาพระก็เกิดอาการแปลกๆบังคับตัวเองไม่ได้อธิบายยากมาก อาการแบบนี้ท่านเคยเกิดมาแล้วยานในตัวบอกว่าผีมันแกล้งผีจะแสดงฤทธิ์ถ้าผีจะเอาจริงโดยมากมักจะทําแบบนี้ก่อนคือทําให้ตกใจกลัวแต่ว่าเรื่องนี้มันชินมาสําหรับท่านแล้วโดนมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งถือว่าเป็นเรื่องปกติก็รู้อาการเมื่อบังคับให้ขนหยุดลุกไม่ได้ก็เลยนึกในใจว่าเอ๊ะเจ้าผีอะไรสักตัวนี่มันคงจะเล่นงานมองไปมองมาก็ไม่เห็นมันมันเก่งเหมือนกัน ก็เลยพูดดังๆบอกว่าถ้าเก่งจริงแล้วก็แสดงตัวให้ปรากฏสิพอพูดจบมันก็แสดงตัวเดินออกมาจากหลังที่บูชาพระเป็นผพีพม่านุ่งสโลงผ้าโพหัวมาด้วยยืนอยู่ก็บอกว่านั่งลงสิอย่ามาทํายืนเก๊ๆกลางๆพระอย่างฉันไม่ธรรมดานะถ้าผีดีนี่ฉันเมตตาหรือว่าฉันบูชาเหมือนกันแต่ถ้าผีไม่ดีในจับสองขาฟาดมาหลายสิบรายแล้วนะขู่ผีส่งเข้าไปนั่นอ่าความจริงไม่เคยทําใครหรอก เจ้าผีก็ว่าง่ายยอมนั่งลงแล้วยกมือไหว้อ่ก็ถามว่าเห็นท่านเป็นพระหรือเป็นเปรตผีตอนนั้นก็ตอบว่าเห็นท่านเป็นพระถึงได้แสดงอนุภาพลองดูถ้าเห็นเป็นเปรต่ผมไม่เข้ามาใกล้หรอกผมรังเกียจเปรตท่านก็เลยบอกว่าอ่ะก็ตัวแกเป็นผีแล้วไม่ชอบเปรตเหรอผีกับเปรตไม่ใช่พวกเดียวกันเหรอเขาก็บอกว่าผีนั้นมันมีหลายชั้นพวกเปรตก็มีอสุรกายก็มีพวกสัมภเวสีก็มี มีภุ ม, มะเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาหรือพรหมเขายกประโยชน์ให้เป็นผีหมดล่ะอ่าเออเขาพูดดีเหมือนกันท่านก็ถามว่าแกเป็นผีพวกไหนล่ะเขาก็เลยบอกว่าเป็นผีพวกอากาศเทวดาถามว่าอยู่ชั้นไหนก็บอกว่าอยู่ชั้นปรานิมิ ต, ต ว, วัสตสวรรค์ก็เลยบอกว่าเทวดาชั้นนั้นนะเขาไม่ได้นุ่งสรงนะแกนุ่งสรงพวกหัวจะไม่เชื่อหรอกเขาบอกว่าทําไมเชื่อเดี๋ยวจะแสดงภาพเทวดาให้ดู พูดจบก็กลายเป็นเทวดาสวยมากคราวนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสปู่ก็เลยถามว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาก็บอกว่าหัวกะโหลกผมได้อยู่ใต้โต๊ะบูชาครับนิมนต์ล้วงเอาออกมาหัวกะโหลกในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อ่าท่านก็เลยดึงเอาหัวกะโหลกออกมาหัวกะโหลกบเบ้อเลยเต้าฟาบาทอีกท่านก็ถามว่าหัวกะโหลกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาก็บอกว่าในสมัยที่ประเทศพม่า ก, กับประเทศไทยรบกันเนี่ยเขาถูกเกณฑ์มารบ แต่ความจริงไม่ได้เต็มใจจะมารบหรอกเมื่อเขาเกณฑ์ให้มาก็ต้องมาถ้าไม่มาก็หมายความว่าตายเจ็ดชั่วโคตรสมัยนั้นเขามีเกณฑ์บังคับอ่าว่ากันถึงเจ็ดชั่วโคตรเลยชั้นบนขึ้นไปก็ถึงโทษแต่ชั้นล่างลงไปก็ถึงหลานเรียกว่าตระกูลนั้นทั้งตระกูลจะไม่มีใครเหลือแล้วถ้าเกิดหนีทหารขึ้นมาเมื่อเขาเกณฑ์ให้มารบก็มารบขณะที่มารบก็มาตายอยู่ที่ข้างกำแพงเมืองสันบุรีแล้วก็ถามอ ท่านก็ถามว่าแกมารบเนี่ยรบเวลาตายมันน่าจะลงนรกแล้วทาไมตายไปเป็นเทวดาเขาก็บอกว่าตามปกติผมเป็นคารวถเนี่ยผมเป็นชาวบ้านนะสมัยนั้นพระพุทธศาสนายังรุ่งเรืองผมก็นับถือพระพุทธศาสนาเคยเจริญชานที่ที่ที่มานี่ก็ได้การเกณฑ์ น, นี่แหละไม่ได้มาด้วยความเต็มใจเขาให้มารบก็ต้องมาเขาให้ตีก็ต้องตีเขาให้ฟันก็ต้องฟัน แต่ว่าจิตใจของผมเนะี่ยผมไม่เคยทิ้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณเลยนึกถึงคุณพระคุณเจ้าคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่อยู่เสมอก็ตั้งใจไว้ว่างานที่ทํานี่ไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจทํำด้วยความจําใจทําไมทําอ่าตัวคนเดียวตายไม่เป็นไรแต่นี่ญาติตั้งแต่ญาติเล็กจนถึงญาติผู้ใหญ่จะตายหมดเรียกว่าโคตั้งโคต์จะไม่เหลือคนอื่นที่ไม่ได้มีความผิดเขาก็จะพลอยตายก็เลยตัดสินใจมากับเขาผมไม่ได้เต็มใจรบ ปู้ถามว่าขณะที่รบนะฆ่าใครตายบ้างหรือเปล่าเขาก็บอกว่าผมมาคราวนี้คราวเดียวไม่ทันจะฆ่าใครเลยเวลาเขาสั่งให้เตรียมแผงเมืองผมก็นั่งปลุกตัวไอ้คำว่าปลุกตัวเนี่ยไม่ได้ปลุกอะไรหรอกนั่งเข้าฌานพอจิตเป็นฌานก็คลายออกมาก็คิดว่าถ้ากับพระเจ้าเคยฆ่าหรือว่าเป็นศัตรูกับใครเคยจองล้างจองผลานใครมาถ้าทากันไปอ่าก็ให้ทาเฉพาะถูกคนนั้น แต่ว่าขพเจ้าไม่ได้ตั้งใจฆ่าใครถ้าหากว่าคนใดที่เขาเคยเป็นศัตรูกับขพเจ้าเคยจองเวรจองกรรมกันมาถ้าเขาจะฆ่าขพเจ้าตายก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมกันเมื่อเขาตีกรองรบเขาก็สั่งให้ปีนกำแพงเมืองเขาวิ่งเข้ามาไม่ทันจะถึงกำแพงพอถึงข้างคูก็ปรากฏว่าถูกยิงกราดตายไม่ทันได้ตีได้ฟันใครจิตใจยังนึกถึงพระเวลาตายแล้วผมก็เลยไปเป็นเทวดาชั้นปาราิมิตวัตวัตตี ตามผลของอยานที่ได้ทำไว้ครับนั่นก็เป็นเรื่องของผีในวัดที่เกิดขึ้นที่วัดตะบูนนะครับปัจจุบันนี้วัดตะบูนเปลี่ยนชื่อเป็นวัดปราสาททองเรียบร้อยแล้วพร้อมกับตำนานความน่าสะพึงกลัวผีหม่องนี้ก็ได้ถูกลบเลือนไปด้วยเช่นเดียวกันครับ มีเรื่องแปลกๆที่พระอาจารย์สุรินชนะโชคเนี่ปัจจุบันศึกนะครับอ่าท่านเลาใหฟังว่าสมัยเมื่อท่านเป็นพระนี่ท่านเป็นพระนักเทศการเป็นพระนักเทศนี่จะต้องเตรียมพร้อมทุกวินาทีตั้งแต่การซ้อมเทศแล้วก็หัวข้อทำในการเทศให้เหมาะสมกับเตุที่เขานิ ม, มนต์มาเช่น มัติกาก็เทศเรื่องของความตายความทัดพรากและความดีงามของผู้วายชนถ้าเป็นงานบุญมหาชาติก็ต้องแหล่เป็นกันไปถ้าเป็นงานแบบว่าปุจฉาวิสัชนาก็ต้องเตรียมโต้คารมกันให้มันรู้ดำรู้ดีกันไปไม่ได้เอาไปเอาตายหรอกแต่เป็นการวัดกกินกันระหว่างพระนักเทศสองสำนักที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนแต่ต้องมาประชันผีปากในการเทศ ท่านเล่าว่าที่ได้ประสบมาเมื่อเป็นพระนักเทศก็คือการได้สัมผัสกับเรื่องราวของวิญญาณที่อำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองท่านจำชื่อวัดไม่ได้เพราะว่ามันผ่านมาสี่สิบกว่าปีแล้วอ่าคือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ามีโยมเข้ามาหาอ่าแล้วเขาก็มาบอกว่าเ อ, อท่านมาหาครับ ท่านรับกันเทศหน่อยเถอะวัดสแสวงหาเขาต้องการให้มีการเทศปุูชาวิสชนาท่านมหาองค์หนึ่งแล้วก็พระจากวัดมหาธาตุองค์หนึ่งทางวัดมหาธาตุเนี่ยก็เป็นนักธรรมก็เรียกว่าเป็นธรรมกถึกเอกหากเจอท่านมหาคงจะสนุกครับญาติโยมก็อยากจะฟังกันมากท่านก็เลยรับนิมนต์นี้เปิดดูคิวก็ปรากฏว่าว่างแต่ว่าวัดสแสวงหากับวัดราชชิตที่ท่านอยู่เนี่ย ต้องไปค้างคืนคืนหนึ่งทางวัดแสวงหาเขาก็ต้องถวายค่าปัจจัยค่ารถไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้เดินทางไปได้ทันการเดินทางก็ต้องอาศัยรถของโยมพรมขนายกที่จะไปเยี่ยมญาติอำเภอแสวงหาแต่ว่าคนละทางกับวัดแสวงหาคือท่านจะต้องไปลงเดินเท้าเข้าไปตอนนั้นก็ตกค่ําพอดีมีไฟฉายอยู่ดวงหนึ่งก็ฉายนําทางไปเพราะว่าถามทางจากชาวบ้านเขาแล้ว เขาก็บอกชัดเจนให้ลัดทุ่งตรงนี้สังเกตตรงนั้นแต่พอเอาเขาจริงจริงมันเดินมืดนะเดินข้างแรมเดินไปก็ชักจะวกวนไอ้ครั้นจะเดินต่อไปก็ไม่น่าจะเป็นการดีเพราะมันเปลี่ยวแล้วก็โคตรเคี้ยวมากก็เลยมองหาวัดเพื่อจะได้พักแรมคือพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ค่อยไปอ่า วัดสแสวงหาเมื่อสามสิบปีก่อนนี้กลางคืนของทุ่งสแสวงหานั้นเปลี่ยวแล้วก็มืดมากแต่ท่านก็เดินมาจนเห็นแสงตะเกียงวอมแวมอยู่ที่เบื้องหน้าเออวัดนี่นะวัดอะไรก็ไม่รู้ได้การแล้ว อ, อ่าเข้าไปดีกว่าพอถึงหน้าวัดก็เห็นมีพระภิกษุรูปนึ่งกำลังเดินอยู่กลางทางที่จะเข้าวัดท่านก็เลยใช้ไฟฉายสองตัวเองแล้วก็ส่องไปที่พระองค์นั้นสลับกันจนท่านหยุดเดินเสร็จแล้ว ท่านก็เดินจำอ้าวอ้าวไปจนกระทัง่งทันพระรูปท่านพระรูปนั้นท่านก็หันมายิ้มแต่ยิ้มของท่านนี่แหมมันจืดชื่อร้ายชีวิตชีวาแล้วเกินแถมจีวรยังเ่าวคร่ำคร่ามีกลิ่นอับอับด้วยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะมีเพื่อนร่วมทางก็ดีแล้วเสียงภิกษุชราท่านก็บอกว่าจะมาขอจำวัดลัซิตาวัดแสวงหาเขามีงานนี่นะคงจะไปงานที่นั่นนะสีใช่ไหมละ่ะ ถ้าทางเป็นนักเทศนนี่คงจะมีหวีปากน่าดูละใช่ไหมล่ะเออไม่ไม่ไม่อย่างนั้นหรอกครับก็ได้น้ำลายไอปากครูบาอาจารย์สอนก็เลยพอเทศได้ครับพอถึงกุฏิที่จำวัดของพระภิกษุชราพอดีท่านก็ไถ่มือให้ไปนอนบนกุฏิของท่านท่านก็บอกกับพระอาจารย์สุรินบอกว่าฉันเป็นเจ้าอาวาสชื่อชื่อพัน์ เรชะปุญโยยินดีให้ที่พักนะพอขึ้นไปข้างบนแล้วท่านจะเอาว่าก็เปิดประตูให้เข้าไปจำวัดที่ในห้องก็มีเตียงเก่าๆอยู่หลังหนึ่งนอนที่นี่แหละคุณเตียงเก่าของฉันเองแหละท่านสุนินก็กล่าวคําขอบคุณก่อนจะเดินไปนั่งบนเตียงปลดย่ามจากบ่าวักนาฬิกาปลุกมาตั้งเวลาปลุกไว้เพื่อจะได้ไม่สายไม่รู้ว่าจากวัดนี้แล้ว ไปอีกไกลหรือเปล่าก็ไม่รู้ก่อนจะกลับออกไปท่านจะเอาวาาจะบอกอีกไม่ต้องเกรงใจนะนอนเถอะฉันนะ่ยนอนมาจะครบร้อยวันแล้วตอนนี้ไม่ได้นอนแล้วถ้ามีคําสั่งย้ายก็เป็นอันว่าไปที่อื่นทระสุรินเองก็ประหลาดใจในคําพูดของท่านจะเอาว่าเหมือนกันแต่ไม่ได้เฉลียวใจอะไรพอหลวงพ่อเจ้เอาวาาออกไปแล้วก็ส่วนมน ก่อนจะล้มตัวลงนอนเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้มารู้สึกตัวก็ตอนที่มีเสียงเปิดประตูมีเสียงคนเดินเข้ามาลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นแต่เงาตะคุ่มตะคุมเดินเข้ามาพระสุรินทร์ก็ฉายไฟดูพอแสงไฟฉายพุ่งไปกระทบกับร่างนั้นพระสุรินทร์ก็ขนหัวลุกเกลียวเพราะมันทะลุไปติดช้างวาด้านหลังแทบไม่น่าเชื่อแต่ไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่และทุกอย่างก็เป็นปกตินะ เออฉันเข้ามาดูว่าคุณจําวัดสะดวกไหมเพราะว่าเตียงมันค่อนข้างจะแคบแล้วก็ยังเก่าอีกด้วยปุ่นก็มากกลัวจะรําคาญเท่านั้นแหละอ่าไม่เป็นไรครับผมมันชินแล้วนักเทศเนี่ยฮะเขานิมนต์ไปไหนก็ต้องไปเลือกไม่ได้ครับแม้แต่ที่นอนก็เหมือนกันผมก็เลยนอนหลับสบายมากครับเออดีแล้วน่าๆผมมันเป็นนักธรรมไม่ค่อยได้เทศหรอกศึกษาธรรมแล้วก็สอนญาติโยม เพียงวันพระแล้วก็วันสําคัญเท่านั้นแหละเวลาที่มีก็นั่งวิปัสนาคนที่วัดนี้ก็แปลกพอถึงเวลาดีๆกันก็มาช่วยกันทํานโน่นทํานี่พอถึงเวลาไม่ดีก็พากันละทิ้งไปหมดแม้แต่ฉันเองเขาก็ทิ้งเอาไว้ยอย่างนี้อ่ะทําไมเป็นอย่างไ้นนะครับวัดก็ออกจะใหญ่โตชาวบ้านก็ทําไมไม่ดูแลแล้วผมไม่เข้าใจไม่ใช่วัดหรอกคุณเป็นสํานักสงฆ์ ฉันมาบุกร้างถางเอาจนกระทั่งมีกุฏิขึ้นหลายหลังแต่ตอนหลังนี่เขากลับหาว่าฉันยุ่งกษีกาทําตัวไม่ดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเป็นอย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่ฉันเองก็พร้อมให้เขาพิสูจน์นะอ้าวแล้วทําไมก็ทํากับหลวงพ่ออย่างนั้นล่ะครับคือที่ดินพ่อแม่เขายกให้แต่ว่าทางลูกเขาอยากได้คืนแต่ฉันก็บอกว่าเจตนาพ่อแม่ของเขานะต้องการให้ฉันสร้างเป็นวัด ถ้าหากว่าฉันเอาเงินแล้วย้ายหนีไปเจ้าของที่ดินที่เขาสุกจากกองบุญที่เขาอุทิศที่ดินให้สร้างสำนักสงฆ์มันก็จะหมดลงพวกคุณไม่นึกถึงมั้งเหรอแล้วหลวงพ่อทำยังไงอะครับฉันก็ทนสู้สิเพราะเขากล่าวหาโดยเอาผู้หญิงสติไม่ดีให้แอบมาอยู่ในกุฏิของฉันตอนที่ฉันออกไปกินนิมนต์พอกลับมาตอนดึกไม่ทันได้ดูก็เปิดกุฏิเข้าไปจะจาวัดผู้หญิงบ้านนั่นแก้ผ้ามาผัวพันฉัน พวกเขาก็พาชาวบ้านมาดูแล้วก็บอกกันต่อไปว่าฉันนปะประราชิกแล้วก็ลงเอยยังไงล่ะครับชาวบ้านก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าฉันบริสุทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งก็หาว่าฉันประราชิกร้องเรียนไปถึงเจ้าคณะตำบลให้มาสอบสวนเจ้าคณะตำบลดูแล้วก็ตัดสินให้ฉันบริสุทธิ์เขาก็ร้องไปถึงเจ้าคณะอำเภอให้สอบสวนฉันอีกฉันก็ชนะอีกโอ้น่าสงสารหลวงพ่อมาก ทำไมไม่ไปอยู่ที่อื่นนะครับจะดีกว่ามาอยู่อย่างนี้เป็นผมน่ยเพ่นไปนานแล้วเออคนอะไรใจดําเป็นบ้าเลยไปไม่ได้เราก็รับปากเขาไว้แล้วแล้วที่ดินฉันก็รับอนุโมทนามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างถ้าไปฉันก็ผิดคําพูดอ้าวแล้วหลวงพ่อจะอยู่ได้ยังไงละครับในเมื่อเขาก่อกวนอยู่อย่างเนี้ยอยู่ได้สิก็ชาวบ้านเขาก็ยังมาทําบุญไปบิณฑบาตเขาก็ยังใส่บาตร คนพวกนั้นยังอยู่ดีแล้วหลวงพ่อพวกที่เล่นงานหลวงพ่อก็อยู่ดีสิคุณก็มันมีพักพวกมากนี่นะมันก็มาก่ อ, อ ก, กวนเรื่อยแหละเอา้าแล้วหลวงพ่อจะทํำยังไงต่อไปครับก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะฉันหมดหน้าที่ในการทําแล้วหลวงพ่อกําลังจะหนีไปใช่ไหมครับเนี่ยเปล่าไม่ได้หนีก็สํานักสงฆ์ของฉันเนี่ยฉันก็จะต้องปกครองต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด อ้าวคนไหนหลวงพ่อบอกหมดหน้าที่แล้วใช่หน้าที่ในดินแดนของมนุษย์น่ะหมดแล้วแต่หน้าที่อื่นยังไม่หมดหน้าที่อะไรก่ะหลวงพ่อก็หน้าที่ปกป้องที่ดินที่เขาถวายไงล่ะไม่ให้พวกนั้นมายึดเอาไปฉันแอบไปยกไปถวายให้เจ้าคณะอําเภอให้ท่านหาพระมาปกครองดูแลส่วนฉันจะเป็นเพียงผู้อาศัยฉันมาจากต่างถิน่นพวกพร้องก็ไม่มี ให้พระท้องถิ่นนี่แหละปกครองสำนักสงฆ์แทนคงจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากท่านเจ้าคณะอำเภอท่านก็เห็นดีด้วยทุกอย่างอ่ะก็เป็นนั้นมาหลวงพ่อก็เลยกลายเป็นพระลูกวัดของสำนักสงฆ์ใช่เป็นอย่างนั้นนะเรื่องมันก็คงจบแต่ว่าพวกนั้นไม่จบมันแคงเคืองที่ฉันไปถวายที่ให้กับเจ้าคณะอำเภอแทนที่จะรับเงินพวกมันแล้วไปเสีย มันก็เลยตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะทำให้ฉันพ้นไปจากสำนักสงฆ์แต่ว่าพวกมันน่คิดผิดีแสดงว่าท่านเล่นงานพวกมันเปิดไปหมดแล้วหรือไงครับใช่พวกนั่นไม่กล้ามาวอแวะกับสำนักสงฆ์นี้อีกแม้แต่เดินเฉียดก็มายังไม่กล้าเลยสาธุหลวงพ่อนี่เก่งจริงๆสำนักสงฆ์จะต้องกลายเป็นวัดในที่สุดยางไรละหากผมช่วยเหลืออะไรได้ก็บอกเลยนะครับจะให้ผมมาเทศ ปุชาวิสชนากับหลวงพ่อก็ได้เออขอบใจขอบใจมากแมมชวนคุยจนค่อนแจงแล้วคุณรีบจำวัดเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไกลท่านสุรินก็เข้าจำวัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากหลวงพ่อออกไปแล้วคราวนี้นอนจนได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกก็ลืมตาตื่นแต่พอรู้สึกตัวก็แทบจะบ้าปรากฏว่าที่นอนอยู่ทั้งคืนเป็นวาโลงผีที่มีปุ่นจับเกลเลย มองไปด้านหน้ามีแจกันดอกไม้แห้งกระถางทูบวางอยู่ด้วยมองไปด้านข้างก็เห็นขาตั้งรูปหลวงพ่อที่มาคุยกับท่านเมื่อคืนเนี่ยตั้งอยู่นี่นี่แสดงว่าท่านนอนบนโลงผีแล้วก็ถูกผีหลอกท่านควายามได้ก็วิ่งออกจากห้องพอออกมาก็เจอญาติโยมที่กําลังเข้ามาด้านในอา้าวท่านมานอนในนี้ได้ยังไงกันครับเนี่ยนิมนต์ไปที่กุติเจ้าสํานักสงฆ์นั่นครับจะได้สงน้ําทํากิจให้เสร็จฉันเช้าที่นั่นเลย พวกผมก็กําลังจะมานํำลหลวงพ่อไปตั้งทําพิธีชาปนากิจตอนเย็นนี่แหละครับเก็บไว้นานร้อยกว่าร้อยวันแล้วจะต้องทําชาปนากิจเสียทีไอคนบาปมันยิงท่านตายแต่ว่าพวกมันก็ไม่รอดนะครับคนยิงก็ตายห่วงพวกพี่น้องก็ตายไปตามๆกันหมดที่ดินตกเป็นของสูงครับอันนี้เรื่องทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของคุณสุรินชนะโชดนะคร บรรยายเหตุการณ์ไว้ตั้งแต่สมัยเมื่อท่านเป็นพระนะครับคุณสุรินนี่อยู่ตำบลลาดคิดอำเอภอผักไห่จังหวัดพระนครศรียาประสบมาเมื่ อ, อด้วยตัวเองครับสมัยเมื่อตอนท่านเป็นพระเมื่อวันมาคบูชา ปีพุทธศักราช2505พระอาจารย์สุทัศน์โกสโรท่านเริ่มออกจาริกธุดงโดยมีเพื่อนสหธรรมิกอีกรูปหนึ่งก็คือพระภิกษุบัญญัติขอร่วมทางไปด้วยพระภิกษุสองรูปมุ่งตรงไปนมัสการพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนอื่นจากนั้นก็จาิกต่อไปอยังวัดชายนาไปถึงวัดชายนาแล้วก็เข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์ลีธรรมธโร แล้วก็ขอถวายตัวเป็นสิทธิ์เมื่อพระอาจารย์ลีสนทนาสอบถามถึงจุดประสงค์และความตั้งใจที่จะมาเป็นสิษธท์ของท่านแล้วท่านก็ยินดีรับพระอาจารย์สุทัศน์และพระภิกษุบัญญัติไว้ตั้งแต่บัดนั้นวัดชายนาเวลานั้นยังรกเรือด้วยพงหญ้าและป่าชัดต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นครึมหนาแน่นไปทั่วธรณีสง เลยจากเขตวัดคือป่าเบญจบพรรณซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าเช่นงูจงอางงูเหา่างูเหลือมและหมูป่าชุกชุมด้านหลังวัดเป็นเขตปา่าช้ามีทั้งศพที่วังไว้และศพที่เผาไปแล้วป่าช้าวัดชายนาตามปกติมีบรรยากาศน่ากลัวชวนให้พรั่นพรึงเพราะไม่เพียงแต่เงียบสงัดวังเวงยังปกคลุมด้วยละเมะไม้และเถาวัลย์ดารดาดดไปทั่ว เขตประชาวชัยนาเป็นสถานที่ซึ่งไม่มีใครอยากจะกล้ามไกลเข้าไปใกล้ดังนั้นก็เลยเป็นที่ซึ่งพระอาจารย์สุทัศน์พอใจใช้เป็นบริเวณสําหรับปฏิบัติธรรมในเวลากลางวันและกลางคืนเนื่องจากไม่มีใครเข้าไปวุ่นวายรบกวนท่านก็ยึดเอาบริเวณติดกับเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นที่นั่งสมาธิและเดินจงกรมเพราะว่าเป็นที่ราบเรียบเสมอกันไม่ไกลาจากเชิงตะกอนก็ยังมีสารากล่าวอีกหลั้งหนึ่ง ซึ่งพออาศัยหลบฝนเป็นการชั่วคราวได้หากมีฝนตกลงมาในเวลากลางคืนแทบทุกคืนพระอาจารย์สุทัศน์จะออกจากกุฏิของท่านซึ่งอยู่ค่อนไปทางบริเวณหลังวัดไปยังปา่าช้าบริเวณเชิงตะกรเพื่อจเจริญธรรมกรรมฐานบางคืนท่านจะปฏิบัติตลอดคืนได้อารุณเมื่อไหร่ก็จะกลับกุฏิเตรียมตัวออกครัวจรบินทบาดพร้อมกับพระเนน ร, รูปอื่นๆบางคืนก็จะอยู่แค่เที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งตีสอง จากนั้นก็จะกลับกุฏิมานั่งสมาธิต่อจนได้เวลาอันสมควรแล้วจึงจะพักผ่อนนอนหลับตลอดเวลาที่พระอาจารย์สุทัศน์เข้าไปบำเพ็ญธรรมจเจริญสมาธิในป่าช้าไม่เคยปรากฏมีเหตุการณ์อะไรสอบไปในธรรมนองว่ามีการแสดงของผู้ผีปีศาจหรือว่าวิญญาณที่อาจจะหลงวนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มารกบกวนท่าน เหตุที่พูดผีปีศาจสงบเงียบอยู่ในภพภูมิของตนเท่าที่ผ่านมาอาจจะเนื่องจากพระอาจารย์สุทัศน์จะกลวดน้ําและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณทั้งหลายทุกวันหลังจากเจริญวิปัสสนากรรมฐานเสร็จแล้วในแต่ละวันกุศลกรรมที่ท่านแผ่ออกไปไม่มีประมาณอย่างนั้นคงจะทําให้วิญญาณทั้งหลายได้รับความชุ่มเย็นเป็นสุขขึ้นก็ได้พวกเขาจึงไม่มาวุ่นวายให้ท่านได้รับความเดือดร้อนแม้แต่น้อยระหว่างที่ท่านกระทําความเพียรอยู่นั้น พระจันลีได้เฝ้าสังเกตดูอย่างเงียบๆตลอดเวลาและมองเห็นว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้มีปฏิปทาอย่างไรวันหนึ่งพระจันลีก็เรียกพระจาย์สุทัศน์มาหาแล้วก็กล่าวเตือนบอกว่าเ อ, อการเจริญวิปัสสนาก็เพื่อความหลุดพ้นจะต้องปล่อยวางอุปาทานความยึดถือยึดมั่นอย่าไปยึดถือยึดมั่นอีกต่อไปการที่คุณกรวดน้ําและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้พวกวิญญาณทั้งหลายอยู่ทุกวัน ทำให้จิตต้องคุณยังยึดมั่นอยู่ในกามาวจรภูมิคือยังห่วงกังวลถึงความสุขและความทุกข์ของผู้ที่อยู่ในภูมิกามาวจรอยู่ถ้าคุณต้องการจะก้าวขึ้นสู่ขั้นโลกุตระภูมิคุณจะต้องไม่ห่วงกังวลกับสิ่งเหล่านี้จะต้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ด้วยการปัดอุปาทานทิ้งไปให้ได้คําเตือนของครูบาอาจารย์คือพระอาจารย์ลี ทำให้พระอาจารย์สุทัศน์ฉุก ค, คิดขึ้นมาได้ว่าตัวยังยึดติดอยู่ในอุปาทานจริงๆความยึดมั่นถือมั่นเป็นความตัวตน่ความเป็นตัวตนอยู่อย่างนี้ย่อมขัดขวางทางไปสู่มรรคผลนิพพานโดยตรงดังนั้นพระอาจารย์สุทัศน์ก็เลยก้มกราบน้อมรับคําเตือนของท่านพระอาจารย์ลีเพื่อนําไปปฏิบัติสืบไปคืนต่อมาเมื่อพระอาจารย์สุทัศน์ไปที่ป่าช้าเพื่อปฏิบัติธรรมก่อนจะเริ่มจเจริญสมาธิภาวนา ท่านก็กำหนดจิตบอกกล่าวแก่วิญญาณทั้งหลายว่าการที่อาตมาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาก็เพื่อต้องการพ้นทุกข์สู่แดนพระนิพพานดังนั้นนับแต่นี้อาตมาจะหยุดส่งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นเพื่อจะระงับหยุดยั้งไม่ยึดติดกับอุปาทานใดๆกุศลนั่นเกิดจากอาตมาจเจริญภาวนาวิปัสสนานี้ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดมาอนุโมทนาเอาเองเถอะ หลังจากอธิษฐานจิตออกไปอย่างนั้นแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ก็ไปนั่งที่เชิงตะกอนซึ่งท่านใช้เป็นที่นั่งภาวนาทุกคืนเมื่อนั่งกำหนดจิตผ่านไปได้สักครู่หนึ่งก็เกิดความผิดปกติขึ้นมานั่นก็คือมีกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายๆกลิ่นจากศพซึ่งกำลังขึ้นอืดเ น, น่าเวะโชยมาตลบอบอวนบริเวณที่ท่านนั่งอยู่ยิ่งนานกลิ่นเหม็นเน่าก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ กระทั่งพระอาจารย์สุทัศน์ไม่อาจจะสงบจิตรวมสู่สมาธิได้ท่านสงสัยว่าอาจจะมีสุนัขไปขุดคุ้ยหลุมศพหลุมใดหลุมหนึ่งแล้วก็ลากเอาศพซึ่งกาลังเน่าอืดขึ้นมากินก็เลยทำให้เกิดกลิ่นเหม็นกระจายคลุ้งอย่างนี้ก็ลุกขึ้นแล้วก็ใช้ไฟฉายเดินส่องดูไปทั่วบริเวณป่าช้าแต่ก็ไม่พบเห็นอะไรดังที่คิดท่านก็กลับมานั่งที่เดิมกลิ่นเน่าเหม็นร้ายกาดรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ และกลิ่นชวนให้คลื่นเหียนเหล่านั้นประหนึ่งจะพุ่งมาอบอวนอยู่ที่อาจารย์สุทัศน์เป็นจุดเดียวซึ่งท่านก็เริ่มจะรู้แล้วว่าสาเหตุที่เกิดกลิ่นเน่าเหม็นนี้สืบเนื่องมาจากอะไรและในเสี้ยวเวลาต่อมาก็มีเสียงกรีดร้องหวยหวนดังมาจากม่านมืดซึ่งครอบคลุมป่าช้านั้นตอนแรกเป็นเสียงวีดร้องเพียงเสียงเดียวต่อมาก็เป็นเสียงอันชวนสยองใจแท่ระงมมาจากทุกทิศ หลุดมีผู้คนจำนวนมากกำลังคร่ำครวญหวยให้พร้อมๆกันท่านก็สำรวมจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อเสียงอันน่ากลัวนั้นเพราะท่านรู้แล้วว่าเสียงเหล่านั้นเป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเหล่าวิญญาณทรมานซึ่งสิงสู่วนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มานานแสนนานแล้วเหตุที่พูดผีวิญ ญ, ญาณส่งเสียงสยดสยองหลอกหลอนท่านเนื่องจากมีความไม่พอใจที่ท่านจะยุติการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นเอง หากว่าเป็นผู้หนึ่งผู้ใดที่ไม่ใช่พระอาจารย์สุทัศน์มาตกอยู่ท่ามกลางเสียงร้องหหยหวนเช่นที่ท่านเผชิญอยูอ่เห็นทีคนผู้นั้นคงจะเพ่นหนีตเตลเิดเปิดเปิงไปนานแล้วสำหรับท่านแม้ว่าจะเกิดความรู้สึกวันไหวแต่ก็สามารถข่มระงับเอาไว้ได้เมื่อท่านเห็นว่าพูดผีวิญญาณในป่าช้ามไม่ได้ผ่อนทาวความเกลียวกราดลงแม้แต่น้อยท่านก็ประกาศไปยังวิญญาณซึ่งถูกอำนาจทวารซครอบงาเหล่านั้นว่า วิญญาณทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิน้นจงอย่ามาเบียดเบียนอาตมาเลยเวลานี้อาตมากําลังปฏิบัติธรรมเพื่อชําระกิเลสตัณหาอุปาทานมุ่งหวังพระนิพพานเป็นที่หมายผู้ใดมีเจตนาขัดขวางผู้ปฏิบัติพุทธธรรมด้วยมิจฉาทิฐิผู้นั้นย่อมได้รับ บ, บาปเวรอันหนักหนาสาหัสยิ่งเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาในกุศลนั่นเนื่องจากอาตมาปฏิบัติสมรธรรมครั้งนี้ด้วยเถิด ประกาศออกไปอย่างนี้แล้วแทนที่พูดผีวิญญาณทั้งหลายจะเกิดความเข้าใจและเกิดปิติยินดีไปด้วยพวกนั้นกลับไม่ปรารถนาบุญอื่นนอกจากบุญกุศลที่ท่านแผ่เมตตาให้เท่านั้นเสียงกรีดร้องชวนสยองขวัญก็ยังคงดังระงมอยู่ที่เดิมกลิ่นเน่าเหม็นก็ยังอวนตลบไม่ได้ลรรถราเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านก็จําใจต้องข่มจิตสํารวมสติให้ตั้งมั่นอยู่ในกิจของตนลุกขึ้นเดินจงกรมไปเรื่อยๆ ได้ยินเสียงชั่วร้ายนั้นก็คิดเสว่าเป็นเสียงสัมผัสกลิ่นอันเน่าเหม็นก็คิดเสว่าสักแต่ ว, ว่าเป็นกลิ่นท่านก็พยายามต่อสู้กับภาวะซึ่งทนได้ยากดังกล่าวจนกระทั่งถึงรุ่งเช้ากลิ่นเน่าเหม็นและเสียงโหยหวนจึงได้จางไปในที่สุดหลังจากที่ออกจากป่าช้าแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ท่านก็รับรู้ได้อย่างหนึ่งว่ามีจิตใจเบิกบานอาถรรพ์ผิดไปขวดิมการที่อดทนต่อความกลัว สามารถควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดคืนอันเลวร้ายเท่ากับเป็นการทดสอบพิสูจน์จิตใจอีกระดับหนึ่งและบัดนี้ก็ได้ประจักษ์แล้วว่าจิตที่ยึดเหนี่ยวมั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยอย่างแน่แน่อันตรายใดๆก็ไม่อาจจะกล้ำมกลายได้ค่ำ ข, ของวันต่อมาพระอาจารย์สุทัศน์ก็ไปยังป่าช้าหลังวัดชายนาเพื่อปฏิบัติภาวนาเช่นเดิมในคืนนี้ท่านคาดเดาไม่ได้ว่าจ ะ, ะเผชิญกับอะไรบ้าง แต่ก็ตั้งใจว่าแม้จะระ จ, จนภัยกับสิ่งเลวร้ายอย่างไรก็ตามท่านจะไม่ยอมถอยหนีไปนันขาดขณะที่พระอาจารย์สุทัศน์กำลังเดินจงกรมเหล่าพูดผีวิญญาณร้ายก็เริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์อีกนั่นก็คือส่งกลิ่นเน่าเหม็นฉุนเฉียวคลุ้งตลบอบอวนไปทั่วบริเวณเดินจงกรมอึดใจต่อมาก็มีเสียงกรีดร้องหุยหวนดังแซ ส, สนันมาจากรอบทิศ แต่ท่านก็ควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่พิจารณากลิ่นและเสียงเหล่านั้นว่าไม่มีจริงๆไม่มีตัวตนไม่อาจจะตั้งอยู่คงทนได้นานไม่ว่ากลิ่นและเสียงอันชั่วร้ายจะโถมกระหน่ำเข้ามาเพียงใดท่านก็เดินจงกรมต่อไปอย่างสงบเมื่อพูดผีวิญญาณเห็นพระอาจารย์สุทัศน์วางเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนพวกมันก็เลยไม่เพียงแต่รบกวนรังควานภิกษุผู้ซึ่งปฏิบัติธรรมได้กลิ่นและเสียงเท่านั้น คราวนี้ถึงกับปรากฏตัวเป็นรูปร่างในอัตภาพดั้งเดิมนั่นก็คือรูปกายของอสุภะน่าเกลียดหน้ากลัวเกินกว่าจะบรรยายบางตัวหัวขาดแขนขาดบางมีบังก็มีลำตัวสูงโยงเหนือยอดไม้บางก็มีเนื้อตัวบวมฉุมีน้ำเหลืองไหลโสมกายแต่และรูปกายหน้าขยะขแ ย, ยงหน้าเกลียดหน้ากลัวเหลือจะกกล่าววิญญาณร้ายพวกนั้นแสดงตัวรายล้อมรอบตัวพระจาสุทัศน์ หลายรูปกายมายืนขวางทางเดินจงกรมประหนึง่งไม่ยอมให้ท่านปฏิบัติธรรมต่อไปอีกพระอาจารย์สุทัศน์ท่านยอมรับว่าเกิดความประวันท่านพึงขึ้นมาแม้พยายามจะใช้สติควบคุมจิตบอกกับจิตว่ารูปกายของพูดวิญญาณเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาไม่มีตัวตนจริงๆแต่อารมณ์ของจิตมันไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังเอาเสียเลยจิตมันบอกว่ากลัวเหลือเกินกลัวจนไม่อยากจะอยู่ต่อไป แต่ว่าพระอาจารย์สุทัศน์ไม่ยอมให้จิตบังคับบัญชาตามที่มันต้องการท่านกําหนดเอาคำภาวนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้อมใจระลึกยึดมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นที่สูงสุดแล้วย่างเท้าก้าวเดินไปตามทางจงกรมคิดแต่เพียงว่าถ้าพูดผีวิญญาณที่จะ ง, งานขวางทางอยู่บนทางจงกรมจะทําร้ายถึงตายก็ขอยอมตาย ต, ายตรงหน้าที่นี้จะไม่ยอมหนีไปไหนท่านก้าวเดินต่อไปโดยสงบเมื่อร่างร้ายเห็นท่านไม่หวั่นกลัวอะไร พวกมันก็กลับเป็นฝ่ายถอยหนีไปเองระหว่างที่ท่านเดินจงกรมไปกลับอยู่นั้นผู้ผีวิญญาณทั้งหลายก็พยายามแสดงอาการหลอกหลอนท่านต่างๆนานาแต่แต่ว่าไม่เป็นผลแต่อย่างใดรั้นเดินจงกรมครบกำหนดแล้วท่านก็นั่งสมาธิกำหนดจิตให้ดิ่งสู่ความสงบไม่รับรู้ภาวะภายนอกที่จะมารกระทบอะไรทั้งสิ้น เมื่อพระอาจารย์สุทัศน์ถอนจิตออกจากสมาธิปรากฏว่าเป็นเวลารุ่งสางพอดีภายในบริเวณป่าช้างเงียบสงัดปราศจากเสียงกรีร้องโหยหวนไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งตลบอีกต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพอิทธิอำนาจของเวทมนต์คาถาแห่งวิชาศยศาสตร์เนี่ย เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็เป็นความน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังมีผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของมิจฉาวิชานี้ปรากฏอยู่เนืองๆวิชาศยาศาสตร์มีแนวทางอยู่สองสายคือสายดำกับสายขาวการเล่าเรียนศึกษาวิชาแห่งใสนี้ไม่ว่าจะเรียนทางสายดำหรือว่าสายขาวจะต้องผ่านขั้นตอนแรกให้ได้เสียก่อนนั่นก็คือ ฝึกจิตให้เกิดสมาธิกระทั่งจิตมีพลังกล้าแข็งจากนั้นก็น้อมรับเอเวทมนต์คาถาตามแนวทางที่ประสงค์จะเรียนมาฝึกปฏิบัติศยาศาสตร์สายขาวคือแนวทางวิชาช่วยเหลือคนศยาศาสตร์สายดําคือแนวทางวิชาทําร้ายคนแล้วก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่ศยาศาสตร์สายดําซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นวิชาทางชั่วร้ายโดยตรง เพราะว่าแก่นแท้ของวิชาแนวทางนี้คือการใช้อิทธิฤทธิ์ไปทำร้ายคนเริ่มกันตั้งแต่ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆจนถึงมีอาการหนักหรือว่าทำไม่ฟันเฟือนเสียสติแล้วก็ทำไม่ถึงตายไปเลยเป็นเจตนาฆ่าคนครบถ้วนทั้งกายวาจาใจซึ่งถือว่าเป็นกรรมหนักตายไปเมื่อไหร่ก็มีหวังลงนรกอเวจียอย่างแน่นอน แม้จะรู้ทั้งรู้ว่ามีผลสุดท้ายร้ายกาดรุนแรงถึงเพียงนี้ก็ยังมีคนยินดีจะขอศึกษาเล่าเรียนคือพร้อมจะลงนรกตกเอเวจีอย่างไม่กลัวเกรงผู้ที่มีวิชาไสายศาสตร์มนดำในทางชั่วร้ายจะสังเกต ร, รู้ได้ไง่ายเพราะคนพวกนี้จะมีราศีมนหมองผิวหน้านี่ดำเกรียมไม่มีความสง่าแจ่มใสใดๆทั้งสิน้นยิ่งมีวิชาแก่กล้าใบหน้าก็ยิ่งดำคล้ำอย่างเห็นได้ชัด บุคคลประเภทนี้มักจะมีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตมีโทสะรุนแรงอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายยิ่งเป็นวันธรรมสวรรวันพระวันโกนนี่จะมีอารมณ์พลุ่งพล่านร้อนรุ่มเป็นทวีคูณเนื่องจากวิชาสยดำเนี่ยไม่ผิดกับเปลวไฟซึ่งพลังอันร้อนร่าว้ายกาศนี้เมื่อไม่ได้ล้างผลาญคนอื่นมันก็จะย้อนมาเผาไหม้เจ้าของเสเอง เหตุนี้หมอผีผู้มีวิชาสายดำก็เลยต้องปล่อยวิชานี้ออกไปแม้วจะไม่มีเจตนามุ่งร้ายต่อใครเป็นการจำเพาะเจาะจงแต่พลังอำนาจอันร้ายกาดก็สามารถทำอันตรายผู้เคราะห์ร้ายที่บังเอิญมาขวางทางได้ดังนั้นคนโบราณท่านถึงห้ามเอาไว้ว่าถ้าได้ยินเสียงหรือว่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดปกติในยามค่ำคืนอย่าทักอย่าถามเป็นอันขาดเพราะของจะเข้าตัว หมายถึงกุญสายชั่วร้ายถึงหมอผีปล่อยออกไปเพื่อไม่ให้เข้าตัวเองที่เรียกกันว่าลมเพลมพัดจะเข้าร่างผู้ทักผู้ถามสำหรับเรื่องราววิชาเสายศาสตร์ซึ่งเป็นสายดำที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเ ร, เ, เรื่องจริงครับเกิดขึ้นมานานแล้วที่อำเภอพระประแดงที่โรงเลื่อยแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่ครัวประจำโรงเลื่อยเนี่ยเป็นหญิงไม้วัยกลางคนอายุ45ปีชื่อหนังน้อมแม่ครัวคนนี้มีนิสัยเรียบร้อยขยันเอาการเอางานดีแล้วก็อยู่ในโรงเลื่อยแห่งนี้มาหลายปีแล้วที่โรงเลื่อยนี่มีญาติใกล้ชิดเจ้าของโรงเลื่อยเข้ามาทำงานเป็นชายหนุ่มอายุ ป, ประมาณสัก25ปีเป็นหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีฐานะทางครอบครัวก็เข้าขั้นมั่งคั่งแม่ครัว เกิดมีใจปฏิพัตต่อชายหนุ่มคนนี้ก็ทำตัวสนิทสนมเอาใจอย่างออกหน้าออกตาตอนแรกๆชายหนุ่มก็วางตัวเฉยๆไม่ได้สนใจยายดีเกินเลยอะไรเพราะว่าวัยและฐานะนี่แตกต่างกันมากแต่ต่อมาอีกไม่นานชายหนุ่มที่ชื่อสุชาติคนนี้ก็เริ่มผันแปร ى, เปลี่ยนไปคล้ายกับเริ่มมีใจชอบพอรักใคร่แม่ครัวซึ่งแก่คราวอาคราวณนะ จากนั้นก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะมีความสัมพันธ์กันเกยเลยล้ําลึกเข้าให้แล้วแม่และพี่น้องของนายสุชาติก็เตือนนายสุชาติให้ถอนตัวออกมาเสียจากความผูกพันที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามีความแตกต่างห่างไกลกันมากไม่เหมาะสมในทุกวิถีทางแต่คําเตือนด้วยความหวังดีเหล่านั้นดูเหมือนไม่มีความหมายอะไรเลยนายสุชาติก็ยังแสดงความรักใคร่ลุ่มหลงนางน้อมอ่า หลงสเสน่ห์แม่ไม้อายุมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดแม่และพี่น้องจึงต้องทำการขัดขวางเพื่อยุติความสัมพันธ์ดังกล่าวนางน้อมแม่ครัวก็รู้ตัวว่าตัวเองถูกกีดกันให้เลิกราไปจากชายหนุม่มซึ่งนางเองก็ย่อมตระหนักดีว่าคงจะไม่อาจต้านทานกระแสของการขัดขวางอย่างรุนแรงได้ทว่าแม่ไม้น้อมก็ไม่ได้แสดงอะไรออกมาคงทำตัวเป็นปกติไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง นังน้อมก็เอาผลไม้ใส่ตะกร้าใหญ่เอามาให้คนขับรถบอกว่านายสุชาติเนี่ยเป็นคนจัดหามาให้เอาไปให้แม่แล้วก็คนในบ้านกินคนขับรถก็นําผลไม้กลับไปบ้านอบ้านของเจ้าของโรงเลือ่อยซึ่งแม่และพี่น้องของนายสุชาติเนี่ยอยู่อาศัยอยู่ผลไม้เหล่านั้นก็มีกล้วยหอมกําลังสุกเหลืองเต็มมุ้ยส้มเขียวหวานลูกใหญ่แล้วก็ยังมี กระป๋องโกโก้ยี่ห้อไมโลกับนมข้นใส่ตะกร้ามาด้วยขณะที่คนรถยกตะกร้าใส่ผลไม้มาให้บังเอิญที่คนในบ้านกําลังนั่งพูดคุยกันแม่ก็ยิบหยิบผลไม้แจกจ่ายให้กินกันทุกคนบางคนที่รับไปก็ปอกเปลือกกินทันทีในจํานวนคนที่ได้รับแจกผลไม้ก็มีหนูอ้วนอยู่คนหนึ่งหนูอ้วนคนนี้มีสักเป็นหลานแล้วก็เป็นภรรยาของคนขับรถ ซึ่งมีอายุมากแล้วหน่อยเป็นคนมีใจฝักใฝ่เรื่องคาถาอาคมและเคยเล่าเรียนมาเมื่ออายุมากขึ้นก็ปฏิบัติสมาธิกรรมาฐานทุกวันเมื่อหนูอ้วนรับเอาส้มเขียวหวานมาถืออยู่ในมือก็ถึงกระสะดุงเธอเกิดสังหอนขึ้นมาว่าส้มในมือและผละไม้อื่นๆจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่ก็ร้องห้ามทุกคนไม่ให้กินทุกคนก็ตกใจเพราะมีความเชื่อในความสามารถเหนือธรรมดาของหนูอ้วนอยู่แล้ว สำหรับคนที่กินผลไม้เข้าไปแล้วก็ยิ่งตกใจามากกว่าเพื่อนหนูอวนก็หยิบเอามีดสเตนเลตขึ้นมาท่องคาถาเสกลงไปที่มีดแล้วก็พนมมือขอบารมีครูบาอาจารย์และเทพพรหมช่วยกำจัดสิ่งไม่ดีให้ออกไปพ้นตัวจากนั้นก็ผ่าส้มแบะออกเป็นสองสี่เมื่อทุกคนเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กลางผลส้มต่างก็ตื่นระหนกไปตามๆกัน เพราะว่ากลางผลส้มซึ่งถูกผ่าออกเป็นสองซี่มีเข็มเย็บผ้าเล่มหนึ่งเสียบอยู่หนูอ้วนก็หยิบกล้วยหอมมาอีกลูกหนึ่งแล้วจัดการผ่าออกมาดูในลักษณะเดียวกันกลางกล้วยหอมที่ผ่าแบกออกมามีขนเพชรหรือว่าขนในที่ลับอยู่หนึ่งเส้นขนอุบาทเส้นนั้นจะเข้าไปอยู่ในกล้วยซึ่งไม่ได้ปอกเปลือกได้อย่างไรเป็นปริศนาซึ่งไม่มีใครตอบได้ คราวนี้ก็แตกตื่นเนีทั้งบ้านไม่มีใครกล้าแตะต้องผลไม้ในตะกร้าแม้แต่คนเดียวหนูอ้วนก็เอาผลไม้มาผ่าดูทุกลูกก็พบว่าส่วนมากมีเข็มแล้วก็มีขนเพชรวังอยู่คราวนี้จึงมาสืบสาวราวเรื่องให้แน่ชัดว่าผลไม้ตะกร้านี้ใครเป็นผู้ฝากมาให้โทรศัพท์ไปถามนายสุชาติเขาก็ไม่รู้เรื่องยืนยันว่าเขาไม่ได้ฝากผลไม้อะไรไปให้เลยเรื่องจึงแดงขึ้นมาว่า แม่ม่ายน้อมเนี่ยเป็นคนส่งผลไม้ใส่ตะกร้ามาให้โดยตัวเองสำหรับเจตนาที่ส่งผลไม้มาให้เห็นทีจะไม่ใช่โดยความปรารถนาดีแนะ่เพราะว่าเธอเองก็แข็งเคืองที่ฝ่ายครอบครัวของนายสุชาตินี่รังเกียจเดียดฉันแล้วก็พยายามขัดขวางทุกวิถีทางและวนายสุชาติก็เริ่มห่างเหินไม่สนใจใหญ่ดีเหมือนเดิมอีกหมดเรื่องผลไม้ไปแล้วทีนี้ก็มาคล้องใจกระป๋องไมโล ก็ลองเปิดฝาดูเห็นแผ่นดีบุกที่ปิดด้านในไม่มีรอยฉีกขาดอะไรแต่เพื่อความแน่ใจก็ฉีกแผ่นดีบุกออกแล้วก็เทผงไมโลทั้งหมดลงบนกระดาษขาวเมื่อเคียรผงไมโลดู ก, ก็พบว่ามีขนเพชรปนอยู่ในผงไมโลหลายเส้นนอกจากนั้นก็ยังมีเกร็ดผงสีดำคล้ายๆผงฐานหรือว่ากระดูกเผาไฟปะปนอยู่ด้วยคราวนี้ก็พากันงุนงองอีกเพราะว่าแผ่นดีบุกเนี่ยปิดสนิทไม่มีรอยฉีขาด แต่ขนอุบาทกับผงดำๆกลับเข้าไปอยู่ปะ ป, ะปนกับผงไมโลได้ยังไงครอบครัวของสุชาติก็เลยนำผลไม้และผงไมโลไปที่สำนักของเทพพรหมแห่งหนึ่งท่านผู้ประทับทรงก็ทำการรดน้ำมนให้แก่ทุกคนส่วนคนที่กินผลไม้เข้าไปแล้วเกิดอาการวิงเวียนแปลกๆหลังจากรดน้ำมนแล้วอาการก็หายไปแม้ว่าที่สำนักเทพพรหมก็จะไม่ชี้ชัด หรือว่าบอกกล่าวว่าเป็นการกระ ท, ทําทางคุณไสยแต่ก็เชื่อกันว่าแม่น้อมแม่ครัวแม่ม้ายเห็นทีจะใช้อํานาจลึกลับทางไสยศาสตร์เล่นไม่ซื่อเขาให้แล้วส่วนจะไปจ้างวานผู้มีวิชาสายดําให้ทําอย่างไรนั้นไม่มีทางทราบได้และตอนสุดท้ายของเรื่องนี้จะจบแบบไหนคนที่เขาเล่าเรื่องนี้เขาไม่ได้ระบุไว้นี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิชาไสยศาสตร์ประเภทสายดําอีกเรื่องหนึง่ง แม้พลังอำนาจของวิชานี้จะยังไม่แสดงอิทธิฤทธิ์เต็มที่แต่ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าวิชาชั่วรายนี้มีจริงครับทีนี้ก็มาเรื่องของสขาวครับอาจารย์เลาะเนี่ยเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีวิชาคมในด้านศาสตร์ลีบลับนี้แกเป็นคนไทยเชื้อสายแขกอาจารย์ลเลาะนี่ตั้งสำนักอยู่แถวแถวตลาดพรานนกฝางทนบุรีเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้ว ในยุคโน้นย่านพานนกยังไม่เจริญเหมือนในสมัยนี้ผู้คนก็ยังไม่คึกคักไม่มีใครรู้ว่าอาจารย์เลาะเป็นคนที่ไหนแล้วก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรบ้านของอาจารย์เลาะ อ, อยู่ใกล้ๆกับบ้านของดาราดาวตลกุกหญิงร่างใหญ่คนหนึ่งที่นักดูหนังในสมัยก่อนคงจะจำเธอได้เธอชื่อศรีสละทองทาราอ่า ฉะนั้นนอกจากลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เลาะจะเป็นชาวบ้านธรรมดาในละแวกนั้นก็ยังมีพวกดาราบางคนที่แวะมาเยี่ยมเยียนคุณศรีสละมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์เลาะอยู่หลายคนทีเดียวอาจารย์เลาะนี่เรื่องชื่อในด้านเมตตามหานิยมไล่พูดผีปีศาจแล้วก็เลี้ยงกุมารทองอัตราค่าครูหรือค่าบริการอาจารย์เลาะนี่ไม่เรียกร้องแล้วแต่ศรัทธาฉะนั้นก็เลยเป็นที่พึ่งของคนยากจนที่มีปัญหาอยู่เสมอเสมอ อาจารย์เลาะนี่เป็นชายวัยสูงอายุที่ยังดูแข็งแรงเขาเล่ากันว่าแกมีวิชาดีกินว่านก็เลยดูอ่อนว้แล้วก็คล่องแคล่วตอนนั้นคุณนิยมที่เล่าเรื่องนี้ยังเป็นเด็กอยู่อายุสักสิบประมาณสักสิบสี่ปีสนใจเรื่องทางด้านนี้ประกอบกับมีบ้านอยู่ติดกับสำนักอาจารย์เลาะแล้วก็สนิทกับลูกๆของแกก็เลยเข้านอกออกในบ้านอาจารย์เลาะอยู่เป็นประจา แล้วก็ได้เห็นได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มีผู้คนมาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์เลาะอยู่เสมออาจารย์เลาะเลี้ยงผีเรื่องเนี้ยกุนยมได้มีโอกาสเห็นกับตาวันหนึ่งมีลูกเศิษฐีคนหนึ่งพาผู้หญิงวัยกลางคนสองคนมาหาอาจารย์บอกความประสงค์ว่าเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดวงเวียนใหญ่ข า, ขายไม่ดีอยากจะมาหาของดีไปช่วยจะเอาอะไรล่ะเอาสาริกาหรือกุมารทองเอากุมารทองค่ะ แต่ว่าดิฉันไม่เคยเลี้ยงก็จะลำบากแล้วก็จะมีอันตรายหรือเปล่าล่ะคะไม่เป็นไรหรอกเขาเลี้ยงไม่ยากหรอกคือกุมารทองเนี่ยเขาเป็นวิญญาณที่ชดใช้กรรมมาแล้วรอที่จะไปเกิดพูดง่ายๆคือเขาอยู่ในขั้นเทพวิญญาณเหล่านี้ไม่ดุร้ายไม่มีโลกโกรธหลงมีแต่อยากจะสร้างกรรมดีเพื่อจะได้ไปเกิดแต่บอกซะก่อนนะเขาอาจจะอยู่กับเราไม่นาน อาจารย์เองนะไปเชิญเขามานะไม่ได้ไปบีบบังคับขมเหงเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ต้องถามความสมัครใจเขาซสยก่อนว่าอยากจะไปอยู่กับขุนหรือเปล่าว่าแล้วอาจารย์ก็นำไม้ที่แกะสลักเป็นรูปเด็กผมจุกซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นไม้จันมีลักษณะยาวประมาณนิ้วหัวแม่มือเท่านั้นมาแช่ลงในถูน้ำซึ่งมีรูปร่างคล้ายขวดแต่ว่าปากกว้างจากนั้นก็นั่งบริกรรมคาถาเป็นภาษาแขกอ่า หน้าประหลาดรูปสลักไม้ซึ่งครั้งแรกลอยอยู่บนผิวน้ำเพราะมีน้ำหนักเบาอยู่ๆเมื่ออาจารย์ท่องคาถาจบกุมารทองไม้จันก็จมดิ่งสู่ก้นถูด้วยความเร็วเหมือนก้อนเหล็กตกน้าอย่างนั้นเลยแล้วอาจารย์เลาะก็เอ่ยขึ้นมาบอกว่าไปอยู่ช่วยแม่เขาหน่อยนะสงสารเขาจะไปหรือไม่ไปะน ะ, ะคุณนิยมก็นั่งจ้องตามไม่กระพริบเลยปรากฏว่ากุมารทองไม้แก่นั้นลอยขึ้นมาอยู่กลางถู แล้วก็ทำกระตุกกระตุกเหมือนกับคนพยักหน้าทุกคนในที่นั่นก็ประหลาดใจไปตามกันเป็นอันว่าแม่ค้าคนนั้นได้กูนกุมารทองไปโดยที่ไม่เสียสตังเลยเพราะอาจารย์สงสารแถมกำชับด้วยว่าไม่ต้องให้อะไรเขาทานนะเพราะกุมารพวกนี้เขาอิ่มทิพในขวดที่ใส่กุมารทองมีน้ำมันจันซึ่งปลุกเสกธาตุดินน้ำลมไฟเอาไว้แล้วถ้าต้องการจะให้เขาช่วยก็ร้องเรียกเขานะ หญิงแม่ค้าคนนั้นก็กลับไปแล้วคุณนิยมก็ไม่รู้ว่าเธอการค้าดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าไม่เจอกันอีกเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่น่าตื่นเต้นสะพึงกลัวก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาเชิญอาจารย์ไปไล่ผีหลังวัดรว่วงซึ่งไม่ไกลาจากบ้านอาจารย์นักคุณนิยมก็ตามไปเป็นลูกศิษย์ด้วยข้อมูลที่ได้มาก็คือชายหนุ่มคนนึงมีอาการคล้ายผีเข้ากําลังอารวาดอยู่หลังจากไปเล่นเตะฟุตบอลใกล้ที่เก็บศพ เมื่อตอนที่ทุกคนไปถึงชายหนุ่มคนนั้นอายุเราเรายี่สิบปีในกำลังทําท่าจะปิงเข้ไปบนหลังคาบ้านของตัวเองเสียงพ่อแม่ญาติพี่น้องตะโกนให้ลงเงินเจียวจ้าหมดถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องคิดว่าเมายาบ้าแน่ๆนชายหนุ่มคนนั้นพอเห็นอาจารย์เลาะเดินเข้าไปใกล้กว่ากระโจนลงมาแล้วก็มองที่อาจารย์ด้วยสายตาอาฆาตน่ากลัว แล้วสิ่งที่คุณนิยมและอีกหลายคนในที่นั้นตกใจก็คืออยู่ๆตาของเขาก็เหลือกขึ้นมาจนเห็นแต่ตาขาวปากที่ปิดสนิทก็อ้าออกมันอ้าจนกว้างๆอย่างไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็ส่งเสียงคำรามคล้ายๆขู่ออกมาใบหน้าของเด็กหนุ่มที่เมื่อสักครู่แดงก่ําตอนนี้ขาวจนซีดเลยอาจารย์เลาะก็นั่งสวดมนต์ภาษาของแกหน้าแปลกเมื่อเสียงสวดมนต์ดังได้สักครู่เด็กหนุ่มคนนั้นก็หุบปากพร้อมว่าค่อยๆสุดตัวลงนั่ง ดวงตาที่เหลือกเมื่อสักครู่ก็ค่อยๆปิดลงหลังจากนั้นก็ส่งเสียงสะอึกสะอื้นร้องไห้ออกมาเสียงอาจารย์สอบถามตอบโต้กับวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของเด็กหนุ่มคนนั้นได้ความว่าเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่บังเอิญเด็กหนุ่มคนนี้เตะฟุตบอลไปโดนที่เก็บกระดูของเธอที่อยู่ในสถูปเจดีย์ข้างป่าช้าหลายครัง้งเธอก็เลยกโกรธก็เลยมาเข้าสิงในร่างเขาตั้งใจจะให้เขากระโดดลงมาบาดเจ็บเพื่อแก้แค้น อาจารย์ก็พูดเป็นภาษาแขกกับวิญญาณนั้นอีกชั่วครู่ร่างของเด็กหนุ่มก็ล้มตึงลงนอนเข้าไปแล้วไม่ต้องกลัวเขาเข้าไปแล้วอาจารย์หันไปบอกญาติของเด็กหนุ่มคนนั้นคุณนิยมรู้ตัวว่าตื่นเต้นและคนกลัวจนเหงื่อแตกระหว่างเดินกลับบ้านก็เก็บความสงสัยเอาไว้ไม่อยู่ว่าอาจารย์เลาะทํายังไงวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นถึงได้ยอมออกไปจากร่างอย่างง่ายได้ก็เอ่ยถามอาจารย์น่ะ ก็ไม่เห็นจะยากอะไรอาจารย์ก็ชวนเข้ามาอยู่ด้วยบอกว่าที่บ้านเรามีขนมเยอะนี่ไงอาจารย์เลาะพูดพลางก็ชี้มาที่ถุงย่ามที่คุณนิยมเป็นคนสะพายให้อาจารย์แล้วก็พูดต่อไปนี่ไงเข้ามาอยู่ในย่ามที่เธอกําลังสะพายนั่นแล้วละ่ะคุณนิยมรีบถอดย่ามคืนให้อาจารย์อย่างเร็วเลยโดยแกหัวเราะ อ, อย่างชอบใจเอื้อกอากเอื้อกอัก เวลาผ่านมาสามสิบปีคุณนิยมก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นแล้วคิดว่าป่านนี้แกคงจะเสียไปแล้วก็รู้สึกเสียดายวิชาของแกไม่รู้จะถ่ายทอดให้ใครหรือเปล่าอ่าแล้วก็ขอชี้แจงว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยคุณนิยมประสบมาได้ตัวเองจริงๆอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ปวดได้ใช้วิจารณญาณของท่านเองก็แล้วกันนะครับ ปกตินิคุณสุนทรไม่ใช่คนชอบเขาวัดเขาวาแกมีความรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนบาปแต่เป็นบาปที่ไม่รู้จัก ส, สางล้างบาปให้แก่ตัวเองยิ่งทำบาปหนักโดยการกินเหล้าเมายาญาติพี่น้องเพื่อนผูงชวนไปทำบุญแกก็ยังเน็บแนมพระให้คนฟังซะด้วยว่าพระน่ะดีจะสอนคนอื่นที่ตัวพระเองกลับสะสมเหมือนทองเพราะไม่ต้องใช้จ่ายอะไร แต่แล้วก็มีเหตุให้แกต้องเข้าวัดจนได้เป็นสำนักสงฆ์ที่เรียกว่าพระป่าเหตุก็เพราะว่าคุณสุนทรในมีรถปิกอัพมือสองอยู่คันหนึ่งรถเวรกรรมคันนี้นะับตั้งแต่ซื้อมาเป็นสมบัติอุบัติเหตุเกิดขึ้นสี่ครั้งแล้วมันเป็นอุบัติเหตุแรงๆที่เกือบจะตายหลายหนจนบริษัทประกันเขาใสา่หน้าเพื่อนก็บอกว่ากูรู้ว่ามึงไม่เชื่อพระเชื่อเจ้าแต่มึงก็น่าจะลองไปคุยกับท่านบ้างเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นน่ะ นั่นแหละแกถึงได้เข้าวัดเมื่อแกเข้าไปในสำนักสงฆ์แห่งนี้บรรยากาศร่มรื่นที่พระท่านพยายามจะสร้างให้มันเป็นสวนป่าสร้างให้มันใกล้เคียงกับป่าแล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยด้วยแกก็ค่อยผ่อนคลายทิฐิยิ่งเมื่อเห็นการวางตัวของพระความมีเมตตาหรือจะเรียกว่าความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ปรารถนาดีต่อสรรพสั ต, ตว์ทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นคุณสุนทรก็เริ่มมาเที่ยว ที่สำนักบ่อยขึ้นได้สนทนากับท่านแล้วก็รับใช้ตามความรู้ความสามารถเช่นช่วยขับรถรับส่งเขียนป้ายปลูกสร้างอาคารชั่วคราวถางหญ้าร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมีไม่น้อยที่เต็มใจมาช่วยท่านทํางานเป็นการบริจาคทานแรงงานให้กับพระศาสนาหลังจากมาเที่ยวก็กลายมาเป็นทําบุญแล้วก็มาค้างคืนที่วัดเป็นครั้งคราวครั้งละคืนสองคืน แกก็เห็นว่ามันสงบร่มเย็นแล้วก็สบายใจดีเหมือนกันมีเวลาทบทวนตัวเองว่าอะไรที่ผ่านมาของคนเราบางทีมันก็ไม่เข้าท่าหรือบางทีมันก็อันตรายซะด้วยซ้ำแต่เราก็ทำไปแล้วเพราะความขาดสติการมานอนในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีซึ่งแกได้พบ ประสบการณ์ที่แกไม่คิดว่าจะเป็นไปได้มาก่อนอย่างเช่นเรื่องของวิญญาณในเรื่องของภพชาติโอปาติกะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอปาติกะหรือว่าวิญญาณที่ยังล่องลอยหาที่ผุดเกิดไม่ได้ด้วยวิบากแห่งกรรมซึ่งท่านพระอาจารย์ใหญ่ของสํานักท่านเคยพูดเรื่องนี้ให้ฟังว่าพวกนี้คือเปรตนะทีนี้แกก็สงสัยว่าทุกวันนี้ยังมีเปรตอยู่เหรอ เพราะว่าเคยเชื่อว่าเปรตว่าผีสางทั้งหลายเป็นเรื่องโพ้นสมัยมันห่างไกล ย, ย้อนลึกจากยุค ป, ปัจจุบันเมื่อมีคําถามอย่างนี้แกก็เลยได้ฟังเรื่องเปรตที่ปรากฏกายให้ใครต่อใครเห็นณนะสำนักสงฆ์แห่งนี้หลายคนรวมทั้งพระอีกหลายรูปการปรากฏของเปรตตนนี้ปรากฏอยู่นอกเขตสำนักเพียงแต่วนเวียนเป็นรูปร่างต่างๆเช่นเป็นหมาดาตัวใหญ่ขนาดลูกมา้า เดินตัดหน้ารถช้าๆตรงป่ารกทางเข้าสำนักจนผู้พบเห็นต้องจอดให้มันเดินน่วยหน้าผ่านหน้าไปขณะที่ผู้พบเห็นขนลุกขนชันต้องสวดมนต์แผ่มเมตตากันผิดผิ ด, ผดถูกถูกบางทีก็ปรากฏร่างเป็นแมวใหญ่ราวกับเสือปลากระโจนขึ้นเกาะกระโปรงหน้ารถแย่เกี้ยวขมขู่คนที่อยู่ในรถให้ขวัญหายจนเป็นไข้ บางครั้งก็เป็นอีแรงหัวโล้นตัวใหญ่มาึือมาเกาะ อ, อยู่บนยอดต้นว่าตายซะกเกาะอยู่นิ่งนานยามพลบข้าแล้วก็กระพือปีกบินชวดเฉวียนไปรอบสำนักหลายรอบเหมือนพยายามจะบินลงมาในบริเวณสำนักแต่ว่าเหมือนจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขัดขวางไว้ก็ได้แต่เวียนวนไปมาที่เห็นแจมแจ้งวันนั้นก็คือการสแสดงตนเป็นร่างคล้ายมนุษย์แต่ว่า เป็นมนุษย์ที่มีร่างกายใหญ่โตผิดปกติเกินความมนุษย์ถึงสองเท่าเดินวนเวียนวูบปูบขณะที่พระเนนรยญาตยมนั่งปฏิบัติธรรมกันอยู่อย่างสงบแล้วก็ยังสําแดงฤทธิเดช ด, ด้วยการโยกคลอนต้นไม้ต้นหญ้ารอบบริเวณสํานักให้ปั่นป่วนเหมือนเกิดพายุพระอาจารย์ท่านการุณาเล่าให้ฟังว่าเปรตตัวนั้นนะ่ะอชื่อสนันหรือว่าทิศนันตอนที่ท่านอาจารย์ได้รับบริจาคที่ตรงนี้เมื่อสิบกว่าปีก่อน ที่นี่ยังเป็นทุ่งโล่งมีหนองน้ำเล็กๆหนองน้ำใหญ่ที่เห็นนี่เกิดจากการพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยต้นไม้ใหญ่นะมีเพียงต้นว่าซึ่งตอนนี้ตายซากไปแล้วต้นไม้ที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นไม้ที่ญาติโยมเขาช่วยกันปลูกเมื่อท่านกับลูกศิษย์สี่ห้ารูปมาอยู่ที่นี่ก็เริ่มสร้างกุฏิง่ายๆพร้อมทั้งศาลาปฏิบัติธรรมต่อมาลูกศิษย์คารวาตคนหนึ่งก็นาทิศนันมาช่วยงานวัด ทิศนันในอายุราวๆสี่สิบปีมีรถปิกอัพอยู่คันหนึ่งนอกจากขับรถเป็นแล้วทิศนันเคยบวชเรียนมาแล้วหลายพรรษารู้เรื่องการปฏิบัติกับพระดีนอกจากนี้ยังมีความรู้ทางช่างหลายแขนงทั้งช่างก่อสร้างช่างไฟแล้วก็ช่างเครื่องยนต์ท่านอาจารย์ใหญ่ก็ยินดีที่มีคนมาช่วยโดยโยมท่านนั้นเป็นผู้จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ทิศนันพอสมควรตั้งแต่นั้นทิศนันก็ดูแลรับใช้พระที่สำนักสง์เรื่อยมา ได้รับควาไมไว้วางใจเกือบทุกเรื่องวัดป่าสมัยนี้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยกิจนิมนต์เกิดขึ้นตามความจำเป็นและความต้องการของญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาพระท่านรับถวายรถตู้ไว้ใช้จากศิษย์ทยิหนันก็ขับทั้งรถตู้แล้วก็รถตัวเองงานในสำนักก็มากขึ้นเพราะาญาติโยมพูดกันปากต่อปากให้มาที่สานักสงฆ์ของท่านเพื่อมาปฏิบัติบ้างมาทาบุญบ้างดูโชคชะตาราศีบ้าง บางคนก็มานั่งสงบจิตสงบใจมาสนทนาธรรมวัดนี้เปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามหรือว่าศาสนาใดก็ไม่กีกันห่วงห้ามเมื่อญาติโยมศรัทธา ม, มากการเงินการทองในสำนักก็มากขึ้นทิศนั้นก็มีโอกาสจับเงินส่วนนี้เพราะว่าต้องไปซื้อของที่จําเป็นหรือว่าจะเรียกว่าปัจจัยเช่นซื้ออาหารสดผักสดมาปรุงเพื่อเลี้ยงดูญาติโยม ซื้อน้ำมันใส่แก๊สละนใหญ่ๆมาเติมเครื่องทำใบฟ้าเครื่องสูบน้ําเครื่องตัดหญ้าท่านอาจารย์ท่านก็รู้ว่ามีการเบียดบังบ้า ง, างแต่ท่านก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อคิดว่าคนทํางานหนักก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนบ้างทิศนันคิดอย่างนี้ท่านก็รู้ท่านเพียงแต่เปรยว่าค่าใช้จ่ายในสํานักมันสูงขึ้นเรื่อยๆต้องช่วยกันประหยัดนะทิศนันก็รับรู้เช่นเดียวกันที่จริงทิศนันก็เป็นคนรู้บาตรู้บุญ อาจารย์ก็รู้ว่าทิดนันกําลังสู้กับตัวเองเพราะครุกคลีอยู่กับเงินทองที่ดูเหมือนจะได้ง่ายๆจากการบริจาคด้วยความศรัทธาพระท่านก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนอกจากเอามาบํารุงสํานักหรือว่าซื้อของที่จําเป็นอย่างอื่นก็มีคนถวายหมดที่นี้เงินนี่ยครับก็อย่างว่าละ่ะมันเป็นตัวแปรสันดานมนุษย์ได้ง่ายๆคนที่เคยเห็นว่าเงินไม่สําคัญเท่ากับศรัทธาแต่พอมีโอกาสก็ไม่มีใครใส่ใจ เช่นซื้อน้ำมันสี่สิบลิตรก็จะย้ายไปอยู่ที่รถของทิศนันซะสิบลิตรหลายสิบลิตรข้าวมันก็เป็นร้อยร้อยลิตรรวมทั้งเศษเล็กเศษน้อยที่ไม่น่าใส่ใจอีกไม่น้อยกิจกรรมนั้นร้อยบาทอีกกิจกรรมหนึ่งสามร้อยบาทเห็นเม็ดเงินมากขึ้นอย่างเย้าวยวนใจความละโมบเป็นจิตใต้สำนึกเงินก็ทําให้จิตสำนึกนี้มันทําหน้าที่ของมันโดยธรรมชาติแม้ว่าจะเป็นการฝึกมาหากแต่ทนแรงร้าของกิเลสไม่ได้ก็พ่ายแพ้ไป ทิศนันมีมือถือสองเครื่องเครื่องหนึ่งเป็นของสำนักอีกเครื่องเป็นของส่วนตัวการเงินการทองไม่เหลือร้อนเดือนหนึ่งกลับไปบ้านสองขนขนข้าวสารอาหารแห้งไปให้ลูกเมียที่บ้านการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูดีขึ้นทุกวันวันหนึ่งทิศนันก็กราบลาอาจารย์ขออนุญาตลาออกจากการเป็นโยมอุปถัมภ์ซึ่งท่านก็ไม่ได้ทัดทานยังให้เงินไปอีกก้อนหนึ่งเพราะเห็นว่าได้รับใช้มาเป็นเวลานาน ทิศนันก็มีเงินเมื่อกลับไปอยู่บ้านคบเพื่อนผงเก่าๆ ก, ก็ประพฤติอย่างเก่าแล้คือเที่ยวกินเที่ยวดื่มที่สุดก็ไปตายเพราะอุบัติเหตุอ่าหลวงพ่อท่านก็บอกว่าทิศนันถึงจะยังอยู่ที่วัดหลวงพ่อคิดว่าเขาก็จะต้องเจอแบบนี้สักวันเพราะเท่าที่พิจารณาดูแล้วบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาบอกอาตมาว่าเขาจะเคราะหร้าย แต่ว่าไม่ได้พูดเพราะว่าไม่ใช่วิสัยที่จะพูดเพียงแต่ให้สติเท่านั้นเองท่านรู้ว่าทิฏนันนะอมอะไราตาอะไราหลายเรื่องแต่ว่าไม่พูดนะจะดีที่สุดท่านรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องแปลกๆที่หลายคนรวมทั้งพระพบเห็นนั่นเป็นทิฏนันแล้วก็นั่นเป็นแปลตท่านว่าอยู่ที่นี่สิบกว่าปีไม่เคยมีเรื่องประหลาดแบบนี้คืนที่ทิศนันตายท่านสังหอนเมื่อเพ่งสมาธิจิตท่านกลับนึกถึงทิฏนันขึ้นมาอยู่อย่างผูกพัน ในฐานะที่เคยใกล้ชิดกันมานานคืนนั้นมีอีกาใหญ่ตัวนึงร้องไม่หยุดแล้วก็บินวนรอบสำนักเป็นสิบรอบพอช่วงหลังๆเพนญาติทิดนันก็มาแจ้งเรื่องการตายทัานถามเวลาที่เกิดเรื่องก็เป็นเวลาที่ตรงกับพอดีกับเวลาที่อีกาใหญ่ตัวนั้นปรากฏตัวอย่างอาศัศจรรย์ท่านก็นึกแต่เมื่อคืนแล้วว่าทิดนันไปซะแล้วแต่ไม่ไปที่ไหนวนเวียนอยู่แถวเนี้ยวนเปลี่ยนอยู่แถววัด ความนึกละอายก็เป็นพันธนาการของกรรมพันธนาการนั้นทำให้จิตวิญญาณเป็นทุกข์สับสนไม่รู้หาทางแก้ไขอืมมันเหมือนกับไปไหนไม่รอดแล้วหลวงพ่อจะช่วยเขายัางไงล่ะครับก็ทำทุกอย่างนั่นแหละพวกโยมก็ต้องช่วยกันทำบุญแล้วแผ่เมตตากันไปจะช่วยให้หนักเป็นเบาอาตมาสงสารนะแต่เขาทำตามบุพกรรมของเขาเองเขาก็ต้องได้รับผลอย่างนี้ โยอมอย่าลืมเรื่องเวรกรรมนะเรื่องผีเรื่องเปรตเนะี่ยมันมีทุกสมัยแหละแล้วก็มีตลอดไปด้วยมาถึงเรื่องแปลกๆคุณสมเดจเล่าให้ฟังบอกว่าแกเป็นคนดิบมาก่อนประการแรกนี่ไม่เคยเชื่อเลยว่าบุญกรรมเนะ่มีจริงแกจะบอกกับคนที่มาสั่งสอนแกว่า แกไม่ทำชั่วทำเลวสัอย่างอะไรจะมาแพลวผ่านแกได้แกไม่ต้องไปสวดมนต์ไปหาพระมาคล้องคอให้เสียเวลาหรอกใครพูดเรื่องวิญญาณเรื่องการกลับชาติมาเกิดอ่าฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ลุกหนีอ่าแต่หากใครมาถามว่าคิดยังไงก็ตอบคําเดียวว่าหึงมงายคุณสมเด็จอายุสามสิบยังไม่ได้บวชพ่อแม่ไปสวรรค์หมดแล้วแต่แกก็ยังไม่ได้บวช คงใช้ชีวิตคนดิบตลอดมากแกจำได้แม่นยำปีนั่นปีพศ .2526 ด้วยความขนงและความเมาก็ทำให้แกกลายเป็นผู้ต้องหาคดีอนาจารเพราะว่าเมาแล้วคิดว่าฝ่ายตรงข้ามคงไม่มีอะไรนอกจากอยากจะสนุกก็เลยต้องขึ้นโรงพักดีแต่ว่าวันนั้นหนังสือพิมพ์เ็ามีพาดหัวข่าวใหญ่ๆเยอะไม่งั้นก็มีหวังได้ขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์นะ แกประกรันตัวแล้วก็สู้คดีแม้จะเป็นคดีไม่ใหญ่โตแต่หากพลาดก็มีหวังออกจากงานหลุดจากตำแหน่งแล้วตำแหน่งของแกใครๆก็อยากจะได้แกไม่เคยคิดว่าจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ลุงก็บอกว่าเอ็งลองบนศบาลกล่าวดูบ้างไม่งั้นหากเอ็งพลาดเน่ยเอ็งก็หมดสิ่ง้นแค่นี้นะอ่าแกก็เลยไปบนไว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบอกกับท่านว่าคดีเนี้ยอ่าผมเมา แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนักหนาแต่ทางฝ่ายตรงข้ามเขาต้องการเงินไม่ได้เงินเขาจะเอาเรื่องถึงจะต้องติดคุกติดตารางอ่าก็อบอกกับท่านว่าผมรอดคราวนี้ผมจะบวชให้เดือนนึงเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับท่านปรากฏว่าท่นนายก็ช่วยวิ่งเต้นช่วยรอมชอมจนในที่สุดแกก็พ้นวิกฤตมาได้แต่ว่าสันดานของแกมันเหมือนกระเเ่วแหละกลับไปคิดว่าเป็นเรื่องของความประจวบเหมาะแต่ลุงก็บอกว่าเอ็งอย่าไปเบี้ยวท่านนะ ไม่งั้นเองจะไม่ติดคุกแต่ว่าตายโหงเลยทีเดียวแหละเพื่อความไม่ประมาทแกก็เลยต้องทำเรื่องลาบวชซะหนึ่งเดือนตอนแรกลุงจะให้บวชวัดมหาบุตรแต่ว่าแกไม่ชอบก็เลยบวดวัดที่อยู่ถัดเข้าไปข้างในสภาพเป็นวัดที่กำลังพัฒนายังมีป่าช้าผีดิบที่ยังเขายังใช้กันอยู่เมื่อตอนที่บวชเป็นพระแล้วท่านจะาวาดได้ให้ไปจาวัดที่กุฏิด้านล่างเป็นกุฏิโล่งใช้เป็นที่เลี้ยงพระ ประจำคณะแล้วก็เป็นสถานที่ปลดวิปัสนาเป็นครั้งคราวท่านเจ้าอาวาสนี่เป็นเจ้าคุณท่านเคร่งครัดมากอบรมพระเนนทุกวันหลังลงโบสถ์ท่านเน้นให้สำรวมอย่าเป็นพระโปกฮาหรือว่าพระตลกไปวันๆให้หมันศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติวิปัสนาท่านก็บอกว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่เจ้าของวัดท่านเป็นคนมีบุญแล้วคอยดูแลวัดอยู่ตลอด อย่าได้ทําอะไรที่เป็นการไม่สมควรเดี๋ยวจะว่าไม่เตือนกันแม้ว่าคุณสมเด็จจะครองพระเหลืองแล้วก็ไม่ได้ลดความขนองลงไปเพราะที่บวชก็ด้วยความจําเป็นตหากกุฏิที่อยู่น่ะเป็นตึกสองชั้นชั้นล่างเป็นที่เลี้ยงพระแล้วก็อืมหรือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้านบนเป็นกุฏิสองห้องแก่กับเพื่อนพระบวชใหม่จําวัดกันคนละห้อง เมื่อตอนแกเข้าไปครั้งแรกสายตาก็มองเห็นว่าที่มุมด้านในสุดของชั้นล่างเป็นที่ตั้งของช่องเก็บอัฐิของท่านผู้สร้างกุฏิหลังนี้มีแผ่นหินจารึกชื่ออ่าแล้วก็วันเกิดวันตายแกก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะไม่ใช่นาทีของแกอยู่มาได้เจ็ดวันแกก็รู้จักพระใหม่และเก่าวมากพอสมควรไปคุยกุฏิโน่นบ้างกุฏินี้บ้างในจํานวนนั้นมีท่านมหาชื่อมหาแบน ท่านเมตตามากชวนคุยนอนคุยนี่แล้วก็วกมาถามหน้าตาเฉยเออคุณอยู่มาครบเจ็ดวันแล้วเจอดีอะไรบ้างมหมล่ะแกก็ตีหน้างงเพราะแกก็จําวัดสะดวกนี่ไม่มีอะไรมาวเ ว, วก็เลยตอบไปตามความจริงไม่เคยเจออะไรเลยครับล้มตัวลงจําวัดก็หลับสนิทจนตื่นมาบิณฑบาตอะท่านมาหาคิดว่าผมจะเจออะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอก ก่อนหน้านี้มีคนเขาเจอกันแปลกๆเป็นต้นว่าเออคือพูดง่ายๆผีหลอกกันแหละอ่าพระสมเด็จแทบจะหัวรอกกักหากไม่เกรงว่าจะเสียมารา ย, ยาทเพราะแกไม่เคยเชื่อเรื่องนี้หรอกอเรื่องผีพีสังสงังแกก็เลยสร้างเฉไปเรื่องอื่นแล้วก็เดินกลับมากรุตินึกในใจว่าเป็นมหาเสเปล่ามาเขยา่าขวัญพระบวชใหม่ไม่รู้จักเวรจักกรรม หลังจากทำวัดเย็นแล้วท่านจะเอาวาดก็ให้พระเนีนในวัดมาพร้อมมนที่ศาลาการประเรียนท่านสอนการทำกรรมฐานด้วยการภาวนาเจริญอาณาปานาสติยุบหนอพองหนอแกก็ทำตามแล้วก็มันก็มีความรู้สึกเหมือนความฝันพอเกิดเคลิ้มขึ้นมาเหมือนคนง่วงนอนแต่มองเห็นขนาดหลับตาว่ามีแสงสว่างท้าหัวตะปูพุ่งวาบมาแตกกระจายออกเป็นแสงเจิดจ้าจนแสบตา ที่ทำให้ท่านตกใจจนต้องลืมตาก็คือภาพของหญิงชราผมหงอกขาวทั้งหัวใส่เสื้อขาวตามีแววดุจ้องมองท่านไม่วางตาที่มุมปากมีน้ำสีแดงย้อยออกมาท่านจะเอาว่าจะส่งสายตา ม, มาดาุว่าทำอะไรไม่สำรวมก็เลยต้องกราบลาออกมานอกห้องดีบุตกรรมฐานก็มาพักผ่อนในกุฏิความคิดสับสนเอ๊ะใครมาประกฏให้เห็น ยังกลัวว่าถ้าหากเห็นแบบซึ่งซึ่งหน้านี่จะทํำยังไงดีได้เวลาจําวัดท่านก็เข้าจําวัดมารู้สึกตัวเมื่อมีคนมาเขย่าตัวจนกระทั่งรู้สึกตัวเพื่อนพระบวชใหม่เองนั่นแหละเป็นอะไรไปครับท่านผมได้ยินเสียงท่านดิน้นตึงตึงตั้งๆัก็เลยเปิดประตูเข้ามาเห็นท่านนอนดิน้นมือก็เอ่อไวไว้ไหมดฮนะเสียงที่ร้องออกมาจากปากเป็นเสียงผู้หญิงนะหน้าขนหัวลุกเลยผมก็เลยมาเขย่าตัวจนท่านรู้สึกตัวนี่แหละ หลังจากเพื่อนพระบวชใหม่กลับไปแล้วท่านก็เข้าจำวัดต่อคราวนี้เจอจังจังเลยรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมาจับที่ข้อเท้าทั้งสองข้างลากให้หมุนมานอนขวางกุฏิขัดขืนก็ไม่ได้พอรู้สึกตัวก็คิดว่าเรานี่คงนอนดิ้นก็ลุกขึ้นเดินไปจำวัดอีกครั้งหนึง่งคราวนี้ก็เจออีกร่างของหญิงชราผมขาวพโพลนที่เห็นในนิมิตขณะหลับตาเจริญอาณาปานาสติเมื่อเย็นแต่ว่าคราวนี้มันชัดเจนยิ่งกวา่า หญิงชรานะ่ะใส่ผ้าถุงยกลายดอกสวยมากใส่เสื้อสีขาวสะอาดยืนด้านหลังแล้วก็มีหญิงวัยกลางคนยืนด้านหน้าหญิงวัยกลางคนมาถึงก็ยกเท้ากระทืบยอดอกท่านจนจุกเสียดไปหมดรู้สึกตัวแล้วก็ยังอึดอัดแล้วจุกเสียดนะท่านก็ล้มตัวลงจำวัดอีกคราวนี้เตรียมพร้อมพอหญิงชราและหญิงวัยกลางคนปรากฏตัวก็ลุกทะลุ่งขึ้นมา ระลึกถึงบุญระลึกถึงกุศลที่แกได้บวชแม้จะบวชแก้บนก็แล้วแต่เหอะเสร็จแล้วท่านก็วาดลวดลายแม่ไม้มวยไทยกับหญิงกลางคนอ่ะท่านบอกเล่าแบบไม่อายแม่ผ้าเหลืองนี่แน่จริงๆรเตะตรงไหนแทนที่จะถูกลมกลับถูกผู้หญิงไวกลางคนน่ะเหมือนเตะกระสอบทรายเสียงร้องโอดโอยครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนจะหายวัดไปปรากฏว่าท่านยืนหอบอยู่คนเดียวก่อนจะล้มตัวลงจำวัดอีกครั้งจนเช้า ทีนี้ก็มานั่งทบทวนดูก็พบว่าที่โดนหนักขนาดนี้ก็เพราะว่าเราไม่สํารวมบวชแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่แข่งครัดต่อศีลแถมยังหำหำไม่เชื่อเรื่องกรรมแล้วก็อา น, นิสง์เจ้าของตึกเขาคงไม่พอใจและต้องการจะให้บวชเรียนแต่ให้บวชเรียนเรามากเกินไปจนถูกเราเล่นงานบริวารกลับดังที่เล่ามาแล้วอ่ะทีนี้ท่านก็เลยหันมาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดทั้งในห้องทั้งเชา้าทั้งค่ำก่อนจํำวัดแล้วก็อุทิศกุศลให้แก่เจ้าของตึก ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีร่องรอยหญิงชราและหญิงวัยกลางคนอีกเลยจนกระทั่งจะออกพรรษาทางท่านเจ้เอาวาดไดเกณนพระเนนมาทําการเก็บขวานทําความสะอาดวัดและก็กุฏิตลอดจนสลาการป ร, รียนท่านก็อาสาทําความสะอาดกุฏิที่จําวัดเอากระแปบงน้ําพองน้ํามาเช็ดป้ายหินอ่อนที่เสาด้านในสุดของกุฏิเพราะว่าฝุ่นจะเพละไปหมดพอเช็ดแล้วถึงได้มองเห็นว่าป้ายนั้นนอกจากจารึกแล้วยังมีรูปของท่านเจ้าของอัธิปรากฏอยู่ด้วย พอเห็นเต็มตาก็รู้สึกเหมือนใครเอาตะลุมพุกมาทุบที่ท้ายทอยมันมึนงงตาลายเหมือนคนเป็นลมอ่าผมสาบานได้เลยภาพนั้นคือหญิงชราที่มายืนอยู่ข้างหลังหญิงวัยกลางคนแล้วก็ที่ปรากฏในลิมิตของผมตอนแรกอะผมโดนผีหลอกเนะี่ยแล้วหลอกแบบซึ่งหน้าด้วยอ่าท่านก็ถามท่านมหาคนที่เคยถามว่าเจออะไรไหมเนี่ยท่านมหาก็เลยเล่าให้ฟังว่าหญิงชราที่อยู่ในภาพคือท่านขหบดีต้น ตระ ก, กูนของท่านเป็นผู้สร้างวัดนี้แล้วก็ธนุบำรุงมาตลอดท่านเองก็คือผู้สร้างกุฏิหลังที่อยู่นั่นแหละสงสัยก็เลยถามเป็นคำถามสุดท้ายว่าท่านกินหมากหรือเปล่าครับอา้าวกินสิกินปากแดงเลยละ่ะไปไหนก็มีผ้าชเช็ดปากไปด้วยท่านก็เลยแน่ใจว่าสีแดงที่ย้อยมาจากปากของหญิงชาราที่เห็นในนิมิตก็คือน้ำหมากนี่นเองเมื่อตอนที่ คุณสุรเดช ส, สึกแล้วก่อนจะออกจากวัดก็ได้ไปกราบลาท่านเจ้าของกุฏิก็อบอกกับท่านว่าออตอนนี้ผมเป็นคนสุขแล้วครับไม่ใช่คนดิบแล้วผมเชื่อแล้วว่าบุญกรรมมีจริงและผมจะหมั่นทำแต่ความดีตลอดไปเสร็จแล้วก็โก้มลงกราบสงบจิตอยู่ครู่ใหญ่ก็เดินกลาบออกมาตลอดทางที่เดินจากกุฏิไปยังประตูวัดความรู้สึกบอกว่าเหมือนมีใครตามมาส่งจนกระทั่งพ้นประตูวัดเลยทีเดียวแหะครับ พระท่านบอกว่าคนเราเมื่อใกล้ตายในจิตส่วนนั้นจะตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหลับลึกนะในรายที่เป็นความตายแบบธรรมดาคือเจ็บไข้ได้ป่วยครั้นเมื่อถึงก่ความตายวิญญาณก็จะหลุดออกจากร่างที่เป็นกายเนื้อแล้วไปเกิดใหม่ทันทีแต่ว่าจะเกิดเป็นโอปติกะที่อยู่ในภูมิแห่งเทวดาภูมิแห่งการไปเกิดเป็นมนุษย์ภูมิที่เป็นสัตว์นรกซึ่งแบ่งออกเป็นเปตภูมิ กับสัต์นรกที่ถูกทรมานอย่างสาหัสในนรกขุมต่างๆแต่สําหรับรายที่ตายแบบผิดปกติธรรมดาคือตายด้วยอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะด้วยรถยนต์ตายด้วยเครื่องจักรเครื่องกลหรือว่าไฟดูดตายถูกฆ่าตายหรือฆ่าตัวตายที่เรียกกันว่าตายห่วงนะครับวิญญาณนี่จะไม่ไปตามภพภูมิที่ควรจะเป็นที่ว่ามาแต่ต้นนี่แหละหากแต่จะวนเวียน อยู่ในโลกแห่งชีวิตหลังความตายไม่อาจจะหลุดพ้นไปสู่วิถีแห่งวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดได้ตามปกติดวงวิญญาณเหล่านี้แหละที่มักจะก่อเรื่องราวอันน่าขนพองสยองกล่าวแก่ผู้คนจนกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาดังรายของคุณวันเพ็นรอดพร้อมที่สร้างความน่าสะพึงกลัวให้กับวัดบ้านแผนเมื่อยี่สิบปีมาแล้วแม้กระทั่งจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครลืมชื่อของเธอไปจากความทรงจา วัดบ้านแพนนี้อยู่ในตัวอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาครับเป็นวัดราดเล็กๆที่ชาวอำเภอเสนารู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นวัดที่ผีดุชมัดญาติเลยขาดการพัฒนาและรกร้างเป็นส่วนใหญ่อีกประการหนึ่งในเขตอำเภอเสนาวัดที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอก็คือวัดสามกอวัดสามกอเป็นวัดที่รุ่งเรืองแต่ด้านหลังที่เป็นป่าช้าเก่าก็คือแดนประหารนักโทษด้วยการตัดคอ อีกทั้งการคมนาคมไปมาหาสู่สะดวกทําให้วัดบ้านแผนซึ่งแม้จะอยู่ในอำเภอเสนาก็จริงแต่การเข้าออกลําบากหน้าน้ําแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยอ่าหรือ ล, ลืมไปได้เลยแต่ทุกวันนี้หลวงพระพูทวัดบ้านแผนเจ้าคณะอำเภอเสนาซึ่งเป็นเจ้าวาดัดท่านสร้างตํานานการลงตะกรุดดอกไม้ทองสร้างชีวิตใหม่ให้กับบ้านแผนจนเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศไทยอ่าแต่ถึงยังไงน้ําก็ยังคงท่วมรอบวัดอยู่ดี แต่คนจะเอาตะกรุดเนะี่ยนะท่วมแค่ไหนก็ไปย้อนหลังไปเมื่อปีพุทธศักราช2525หรือ20 ป, ปีก่อนโน้นมีคดีฆาต ก, กรรมเกิดขึ้นที่ฝั่งตรงข้ามวัดบ้านแผนมีชาวบ้านไปพบสอบผู้หญิงถูกขมขืนแล้วฆ่าปกหมกป่าย่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนเำเร์เซนนาจะพนักงานพิสูจน์หลักฐาน แ, แพทย์โรงพยาบาลเสนาก็ร่วมกันชนสูตรพริกศพลงประจําวันโดยพบหลักฐานเพียงว่าผู้ตายชื่อนางสาวันเพ็ญรอดพร้อมทางร้อยเวรเจ้าของคดีก็ติดต่อนายทองคําสัปเหร่อวัดบ้านแผ่นซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุดมานําศพไปเก็บไว้ในโก ด, ดังท้ายวัดเพื่อรอญาติมาติดต่อเพื่อจะได้รายละเอียดของคดีเพิ่มเติมเพราะว่าผู้ตายเป็นคนต่างถิ่นแต่ว่ามาถูกฆ่าตายที่นั่นปรากฏว่าแม้ จะประกาศหาญาติทั้งทางหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอยู่หลายวันก็ไม่มีผู้ใดมารับเป็นญาติศพก็เลยอยู่ในโกดังวัดบ้านแผนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งกับวัดบ้านแผนว่าศพของคุณวันเพนรอดพร้อมเป็นศพรอคลี่คลายคดีเป็นศพที่จะทําพิธีชาปน ก, กิจไม่ได้ด้วยเป็นหลักฐานทางคดีจะประกอบพิธีชาปน ก, กิจต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจําหน่ายคดีซะก่อนถึงจะประกอบพิธีชาปน ก, กิจได้ สัปเหร่อทองคําก็เลยต้องสะกดวิญญาณอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้อารวาตแต่กระนั้นก็ตามความเฮียนของวิญญาณคุณวันเพ็ญก็ทําให้เกิดความหวาดกลัวไปทั่วเขตวัดบ้านแพนและทั่วอำเภอเสนาจนล่ำลือว่าเฮียนหนักเริ่มจากการโจดจนันเงินก่อนว่ามีเสียงผู้หญิงลึกลับร้องโหยหวนตอนกลางคืนดึกๆจนคนที่อยู่ใกล้วัดบ้านแพนพากันหขนหัวลุกไปตามๆกันเรียกว่าใครผ่านวัดบ้านแพนตอนค่าๆแล้วก็เป็นต้องได้ยินเสียงร้องโหยหวนนี่แหละ จากเสียงร้องก็กลายเป็นว่ามีการหลอกหลอนเพิ่มเข้าไปด้วยจนทำให้แม้แต่พระเนนในวัดพอค่ำลงก็ไม่อยากจะลงจากกุฏิเพราะกลัวจะไปเจอวิญญาณคุณวันเพ็ญเข้าคงจะต้องวิ่งอันจีวรปลิวให้เป็นเรื่องน่าอับอายอถ้ารู้ไปในหมู่ญาติโยมจากการพบกับท่านมหาดาซึ่งตอนนั้นบวชเป็นเนนท่านเป็นหนึ่งในผู้ประสบกับเสียงร้องขอส่วนบุญของคุณวันเพ็ญท่านมหาดา ท่านได้ย้อนความหลังว่าตอนนั้นสองทุ่มกว่าท่านกับสิทธวัดทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ประมาณเจ็ดแปดคนเดินลงจากุัิเพื่อออกนอกวัดไปซื้อของจําเป็นหลายอย่างที่ต้องเดินกันเป็นกลุ่มก็เพื่อปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าคําเล่าลือเรื่องผีคุณวันเพ็ญเนี่ยทำให้เกิดความสยองขวัญทั้งพระทั้งเนรกลางคืนจะไปไหนก็ไปคนเดียวไม่ได้ต้องหาคนเป็นเพื่อนให้อุ่นใจเพราะออกเดินจากกุัิซึ่งตอนนั้นวัดบ้านแพ่นยังไม่ได้พัฒนาเหมือนปัจจุบัน มีแต่ต้นไม้รกครึ้มเสียงสุนัข ก, ก็เริ่มหอนวนมาจากด้านหน้าวัดจนมาทางที่โกดังเก็บศพแลว้วก็เงียบไปตอนนั้นสามเณรดำเดินนำหน้าพอเดินมาตรงอาที่ตั้งของโกดังเก็บศพก็มีลมพัดมาถูกตัวเย็นว่าบเลยเสร็จแล้วหูก็ได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงท่านบอกว่ามันเป็นเสียงร้องที่ดังชัดเจนแต่ว่าช้าเนิบหน้าผิดปกติเสียงนั้นร้องบอกว่าช่วยด้วยแต่ว่าร้องยาว สมมเนนดำชะ ง, งักกึกเลยเด็กวัดก็ชะ ง, งักมองหน้าก็เลุกหลักเลิกหลักสมมเนนดำกระซิบถามพวกเด็กวัดว่าได้ยินเสียงอะไรเปล่าเด็กวัดบอกได้ยินคนร้องให้ช่วยสมมเนนดำก็อุ่นใจว่าได้ยินกันทุกคนพราะเสียงเงียบก็ออกเดินก็มีเสียงร้องให้ช่วยอีกคราวนี้ชัดเจนเลยดังมาจากโกดังเก็บศพแน่สมมเนนดำเชื่อคำผู้ใหญ่ว่าหากได้ยินหรือว่ามีอะไรมาหลอกหลอนกลางคืนจงตั้งสติอย่าวิ่งให้เดินไปดีๆ พีจะทำอะไรไม่ได้หากวิ่งแล้วสติแตกนี่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะออกจากเขตวัดไปซื้อของเสร็จแล้วก็เดินกลับคราวนี้สุนัขในวัดอหอนหวยหวนาหอนไปจากปากทางเข้าวัดแล้วก็ไปเงียบที่กว่าดังพอเสียงสุนัขเงียบก็มีเสียงอีกร้องว่าช่วยด้วยอีกก็แหละได้ยินกันทุกคนแต่สามเณรดาก็ไม่วิ่งของเดินนำหน้าแต่ว่าก้าวเท้ายาวยาวไปจนกลับถึงกุฏิ ตั้งแต่คืนนั้นมาสามเณรดำไม่เคยย่างกรายลงกุฏิไปเดินท่อมๆในลานวัดอีกเลยท่านมหาดำ่าท่านย้อนอดีตท่านบอกว่าไม่ใช่หูแ ว, ว่วหรือว่าความกลัวทำให้เกิดเสียงหลอนแต่เป็นเสียงที่เยือกเย็นบอกไม่ถูกพอได้ยินแล้วรู้สึกว่าน่าสงสารน่ากลัวน่าขนลุกไปพร้อมๆกันได้ยินกันทุกคนไม่ใช่คนเดียวเกิดมาไม่เคยได้ยินเสียงอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนี้เลยท่านมหาดำก็เมตตาบอกกับ คนที่เขาไปาถามเรื่องนี้ว่าให้ไปห า, าพระอีกรูปนึงชื่อหลวงพี่พง์เพราะว่าหลวงพี่พงศ์ท่านไม่ได้ยินแต่เสียงท่านเจอคุณวันเพ็ญอย่างจังเขาก็เลยไปตามหากุฏิของพระสมพงศ์พาลูกวัดวัดบรนแพนนั่นแหละพระสมพงศ์ท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังคุณวันเพ็ญแกตายมาก่อนหนะ้าที่ฉันจะบวชประมาณสักสิบปีฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอนดุนักหนา แล้วเมื่อฉันบวชแล้วนะพระในวัดและศิษย์วัดก็ไม่เคยมีใครเล่าเรื่องความเหี้ยนน้องกุนบันเพนในฉันฟังคือนั่นนะฉันลงจากกุฏิตั้งแต่ประมาณสักทุ่มหนึ่งเห็นจะได้ไปในหมู่บ้านไปดูโทรทัศน์ได้โยมคือตอนที่เป็นคารวะาในฉันติดหนังติดละครพอบวชแล้วก็ยังว่าลนะพระบวชใหม่ยังไม่คุ้นกับความเป็นพระก็เลยไปนั่งดูโทรทัศน์ที่บ้านญาติโยมพอรายการละครเลิกก็เดินกลับวัด ทางที่เดินก็ต้องผ่านหัวมุมมุมโรงเรียนวัดบ้านแผงนกระบดตรงนั้นน่ะมีต้นโศกต้นสูงใหญ่ร่มครึ้มแล้วก็มีม้าหินอ่อนอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้พังไปหมดแล้วพอฉันเดินมาใกล้จะถึงม้านั่งฉันก็เห็นโยมผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งอยู่บนม้าหินอ่อนคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็นเป็นวันพระใหญ่แสงจันทร์สว่างมองอะไรต่ออะไรเห็นโยมผู้หญิงนั้นนั่ง หันข้างให้ผมยาวปิดหน้าปิดตาใส่ชุดขาวฉันก็คิดในใจว่าทำไมโยมผู้หญิงมานั่งในวัดคนเดียวตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักห้าทุ่มเห็นจะได้ละมังวัดมีแต่ความวังเวงทั้งพระเน้นฤาิ์วัดก็นอนกันหมดแล้วฉันก็กะว่าจะหยุดถามว่ามีเรื่องอะไรแล้วจะแนะนำให้กลับไปบ้านแม้ว่าจะเป็นเขตวัดก็เธอดึกๆอย่างนี้พวกมิจฉาชีพมันจะมาทาอันตรายเอาได้พวกนี้มันไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไร ทีนี่ไอ้ทางเดินก่อนจะถึงม้าหินอ่อนเนี่ยมันมันขรุขระมันเป็นหลุมเป็นบ่อฉันก็เลยกล้มลงมองดูที่พื้นดินพอเงยหน้าขึ้นอ้าวไม่เห็นร่างโยมใช่แล้วพอมองไปทางที่จะไปโกดังก็เห็นโยมเดินแวบๆสีขาวเดินเร็วมากฉันเองก็ประหลาดใจว่าทาไมเป็นแค่ก้มหน้าดูดินแวบเดียวพอเงยหน้าโยมก็หายไปแล้วแล้วก็ไปเดินอยู่บนทางที่จะไปโกดังเก็บศพซึ่งมันห่างจากที่นั่งโยมเยอะ คนอะไรที่ไหนจะทำได้นอกจากจะเหาะหรือไม่ก็ผีแน่ๆทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้มาก่อนวันนโกดังมีอะไรอยู่ก็รู้สึกขนลุกแล่แต่เนื่องจากฉันเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรก็เดินกลับกุฏิเข้าจาวัดจนรุ่งเช้าก็ออกบินธบัตหลังจากฉันเช้าแล้วก็ไปคุยกับพระด้วยกันว่าเมื่อคืนน่าจะถูกผีหลอกพอเล่าจบพระกะเนนที่ฟังอยู่ก็เกือบจะพูดพ ร, ร้อมๆกันบอกว่าต้องเป็นโยมวันเพ็นแน่ๆ พระเมื่อคืนเป็นวันพระใหญ่สิบห้าคำแล้วก็เป็นคืนวันเพนเหมือนกับชื่อของแกและแกก็ชื่อวันเพนแกก็เลยมาขอส่วนบุญกับท่านสมพงค์แน่เสร็จแล้วก็เล่าเรื่องคุณวันเพญให้ฉันฟังพระสมพงษ์จึงขอให้สปัปเหร่อคือคุณทองคําเนี่ยพาไปดูที่กัวดังเก็บศพพอเปิดโลงดูพระสมพงษ์ก็แน่ใจเพราะว่าร่างที่เหลือแต่ซ่าแห้งๆสวมชุดขาวเหมือนกับโยมที่ไปนั่งอยู่ที่ม้านั่งใต้ต้นโศกให้เห็นเมื่อคืน ฉันยืนสงบหนึ่งมองดูซากศพของเธอแล้วก็บังสกุลตายให้แล้วก็กล่าวคำอุทิศส่วนกุศลว่าทานบารมีศีลบารมีกุศลใดๆอันเกิดขึ้นจนถึงณเวลานี้ฉันขออุทิศให้กโ ย, ยมวันเพ็ญรอดพร้อมขอให้จงเป็นสุขและสงบอยู่ในภพภูมิอันควรเธอโยมวิญญาณของคุณวันเพ็ญไม่ได้เพียงขอส่วนบุญจากพระและเนรในวัดเท่านั้นแต่ว่าพระบวชใหม่ อีกรูปหนึ่งที่ชื่อจตุรงเมื่อมาบวชนั้นก็ได้ยินกิติศักด์ความเฮียนและวิญญาณคุณวันเพ็ญก็อธิษฐานจิตก่อนที่จะลาสิกขาว่าหากลาสิกข า, าออกไปแล้วมีฐานะดีขึ้นจะมาทําบุญแล้วก็ทําพิธีชาปนากิจให้อย่างดีคือนั้นคุณวันเพ็ญก็มาให้เห็นในในฝันสวมชุดขาวมาบอกว่าอย่าลืมก็แล้วกันจะช่วยทําให้มีฐานะดีขึ้นหลังจากศึกแล้วเวลาผ่านไปประมาณสิบปีคุณจตุรงก็ลืมอย่างสนิท จนคืนนึงก็ขวัญไปว่ามาที่วัดบ้านแผน่นคุณวันเพ็ญมายืนคอยพบมีสีหน้าไม่ดีนักเธอก็บอกว่าลืมแล้วเหรอที่สัญญาไว้อะอย่าพูดพร้อยๆสิถ้าทําไม่ได้ก็อย่ารับปากฉันไปไหนก็ไปไม่ได้ถ้าอยังไงก็จัดการเรื่องศพฉันด้วยคุณจตุรงก็รีบกลับมาที่วัดสอบถามพระดําหรือว่าท่านมหาดําเนี่ยท่านมหาดําก็บอกว่าไม่ว่าใครก็ทําอะไรไม่ได้เป็นศพคดีตารวจไม่ยอมไปทาพิธีจนกว่าจะจําหน่ายคดีออกนั่นแหละ คุณจตุรงก็เลยบอกกับมหาดำว่าหากตำรวจถอนคดีเมื่อไหร่ให้โทรไปบอกด้วยหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็จำนายคดีคุณวันเพ็ญเพราะว่าไม่สามารถจะหาเบาะแสฆาตกรมารับโทษได้แล้วก็ไม่มีใครมารับเป็นญาติเลยมหาดำก็เลยโทรบอกกับคุณจตุรงคพอคุณจตุรงมาถึงวัดก็พบว่ามีเจ้าภาพมารับทำศพชื่ อ, อคุณทัตชัยคุณวันเพ็ญไปเข้าฝันให้มาช่วยทำพิธีชาปนากิจให้ปรากฏว่าเป็นเพื่อนนักเรียน ร่วมสถาบันเดียวกับคุณจตุรงก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีชาปน ก, กิจอย่างสมบูรณ์แบบพระมหาดําบอกว่าตั้งแต่ร่างคุณวันเพ็ญมอดไหม้ไปกับเปลวเพลิงบนเมนแล้วก็ไม่ปรากฏว่าวีแววของคุณวันเพ็เนี่ยมารบกบวนผู้ใดเลยคงจะไปสู่สุขติภูมิมันเป็นที่หวังแล้วและทุกคนที่เคยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอได้แต่หวังว่าหากเธอไปเกิดใหม่ก็ขอให้มีความสุขไม่ต้องมารับเคราะห์กรรมเหมือนก็ชาตินี้อีกเลยนี่คือ ตำนานสยองของคุณวันเพ็ญรอดพร้อมซึ่งแม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึงยี่สิบปีแล้วแต่ก็ยังอยู่ในความทรงจำของชาววัดบ้านแผน่นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องเกี่ยวกัสบศพสักหน่อย พอจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของศพก็ต้องพูดถึงสับปะเลอในสมและในบุญมีสองสับปะเลอเนี่ยอยู่ประจำวัดวัดดอนยานวาวันนั้นสองคนนี้ช่วยกันหามห่อพลาสติกขนาดใหญ่เข้าไปในห้องถุงซึ่งเป็นห้องเก็บศพเจ้าหน้าที่มูลนิธิสองคนก็ยกหีบศพตามเข้าไปเพื่อส่งมอบให้สับปะเลอพอเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพบจเจ้าอาวาส ขั้นตอนต่อไปก็เป็นหน้าที่ของสั ป, ปรเร่อผู้มีความชำนาญซึ่งมีประสบะการณ์ในหน้าที่มานานทั้งสองนี้อยู่ในไวัยไล่เลี่ยกันคือสี่สิบปีกว่าศพที่มาใหม่นี้เป็นศพไม่มีญาติจึงเป็นภาระของมูลนิธิที่จะต้องดําเนินการนอกจากไม่มีญาติแล้วยังไม่รู้จักชื่อซะอีกด้วยเสียชีวิตเนื่องจากตกน้ํา สองสั ป, ปเหร่อได้รับคำสั่งจากเจ้าว่าให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เคยทำมาก็คือการบรรจุศพลงหีบหลังจากตราสังแล้วนำเข้าเก็บในช่องที่ทำไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะรอเวลาชาปนกิจหมูร่รวมกับศพไม่มีญาติายอื่นๆสั ป, ปเหร่อบุญมีก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, สมศพนี้หนักบรรลัยเลยเว้โอเป็นคนตัวใหญ่แถมสูงซะด้วยอ่สั ป, ปเหร่อก็พยักหน้า มองไปที่ห่อพลาสติกจริงของแกน่ะมันตัวใหญ่มากนะเลยปันจุลงหีบขนาดธรรมดาได้ไหมเนี่ยถึงยังไงก็ต้องยัดกับระจนต์ได้เลยนะก็เขาให้หีบมาใบเดียวนี่ว่ะเมื่อคนทั้งสองช่วยกันคลี่พลาสติกที่หุ้มออกก็พบว่าศพอยู่ในสภาพเริ่มขึ้นอืดบ้างแล้วแม้ว่าก่อนหน้าที่จะเอาศพมาวัดหมอก็ฉีดยาน้ายาฟอร์มาลีนให้แล้วก็ตามกลิ่ น, นั้นไม่โศภาก็ชวยเข้าจมูก ถ้าเป็นคนอื่นแล้วคงเพ่นกันกระเจิงแต่สําหรับสั ป, ปะเรอทั้งสองแล้วสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเพราะว่าคลุกครีกับซากศพมาจนนับไม่ถ้วนแล้วหลังจากปราสังเรียบร้อยแล้วพลาสติกผืนเก่าที่ห่อหุ้มศพกตถูกเปลี่ยนเป็นผืนใหม่จากนั้นก็จะเป็นการมัดขั้นต่อไปก็คือยกใส่หีบแต่เนื่องจากผู้ตายเป็นคนร่างใหญ่แล้วก็สูงมากอาจจะมีความสูงถึงหกฟุตกว่าหรือเกือบเจ็ดฟุต ดังนั้นหีบศพที่มูลนิธินํามาก็เลยเล็กแล้วก็สั้นเกินไปสับปะเลอทั้งสองไม่สามารถยกร่างมหฮือมานั้นใส่ลงในหีบได้ไม่ว่าจะพยายามกันยังไงสับปะเลอทั้งสองก็หมดปัญญาก็ขึ้นไปรายงานเจ้าวาดให้ได้รับทราบตามความเป็นจริงเพื่อให้ท่านติดต่อไปทางมูลนิธิอีกครั้งหนึ่งให้ดําเนินการเปลี่ยนหีบศพใบใหม่ที่มีความยาวมากกว่านี้มาหากไม่มีจริงๆก็คงต้องสั่งทําเป็นพิเศษ หลังจากติดต่อไปแล้วทางมูลนิธิก็แจ้งว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นจะนำหีบศพใบใหม่มาเปลี่ยนให้เพราะฉะนั้นคืนนี้ศพก็จะต้องวางไว้บนแค่ก่อนหนึ่งคืนเย็นวันนั้นขณะที่สองสั ป, ปรเรอนั่งพักผ่อนร่ำยาดองกันในมุมหนึ่งของวัดในมุมที่ปลอดจากสายตาของใครๆทั้งสองก็คุยกันด้วยเรื่องหัวข้อของศพที่มาใหม่ในวันนี้เอ๋คนตายมันตัวใหญ่ยังยังกรช้างเ่ะ ไม่น่าเชื่อว่าตายเพราะจมน้ำแต่เมื่อเขาบอกมาอย่างงั้นเราก็ไม่รู้จะไปเถียงเขาได้ยังไงสับเอร์บุญมีก็ยกแก้วอย่าดองขึ้นสอเสียงดังจบูบหยิบส้มมะขามเปียกใส่ปากทาหน้าเยเกอืมเออเราไม่เคยปล่อยให้ศพอยู่นอกโรงอย่างนี้มาก่อนเลยจริงไหมว่าสมก็มันตัวมันยาวกว่าโรงนี่ใครยังไม่เคยเห็นมีศพใครตัวสูงใหญ่กว่านี้เลย สัเอร์บุญมีก็แสดงอาการเคร่งขึมคล้ายกับกําลังใช้ความคิดริญญาดองใส่แก้วอีกทีนึอืมถ้าศพนี้อยู่บนแคร่นั้นคือนี่เฮ้ย hey, สมแกคิดอะไรได้บ้างไหมวะทําไมแกคิดอะไรอยู่หรือเพื่อนเออวะข่าว่าไหนๆโอกาสก็มาถึงแล้วเราไม่ควรปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปแค่สมแกอยากได้เงินใช่ไหมล่ะบัดดถามได้อะ แล้วจะไปได้เงินจากศพได้ยังไงก็เอาอย่างงี้สิเมื่อยังไม่ได้ใส่หีบเราก็ช่วยกันเอาเทียนไขลนลนคางมันให้น้ํามันหยดออกมาเขาเรียกน้ํามันพรายจากปีไตรหงเราใช้คาถากํากับซะหน่อยก็เป็นนั้นว่าใช้ได้ราคาหนึ่งหยดหนึ่งเป็นพันชนะแกะสัพเรอร์สมก็พยักหน้าเห็นด้วยโดยไม่มีข้อโต้แยง้งเพราะมีประสบการณ์ในเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนับเป็นลาบลอยที่ไม่คาดวันเออ งันตอนสองอยามเราจัดการกันเลยยิ่งดึกยิ่งดีไม่มีใครรู้เห็นนะครจะเตรียมการตั้งแต่หัวค่ำนะแกเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวใกล้สองอยามก็จะไปเรียกแกจบบทสนทนาการดื่มยาดองสิ้นสุดลงเนื่องจากมีภารกิจสำคัญแล้วทั้งสองแยกย้ายกันกลับที่พักซึ่งก็อยู่ในวัดนั่นเองต่างก็รอเวลาระทึกใจที่กาลังจะมาถึงและเมื่อได้เวลา นัดหมายสัปเหร่อบุญมีก็สะพายย่ามออกจากห้องพักตรงไปยังห้องของสัปเหร่อสมซึ่งกำลังคอยอยู่อย่างกระวนกระวายสองสหายก็เดินไปยังห้องที่เก็บศพชายร่างยักษ์จากแสงเทียนไขก็ทำให้สองสัปเหร่อมองหน้ากันเลือกหลั ก, ลกเมื่อมาเห็นศพ บ, บนแคร่ ท, ทั้งทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องอีกเลยหลังจากที่วางลงไปแล้วเอ้เฮ้ยสงสัยมันปืนลราหนีไปลวมัง่งปืนพ่อแกสิเอ้ มันหายไปไหนวะหรือว่าจะแสดงอิทธิปฏิหารหรือไม่ก็กลัวคาถาอาคมของขังของข้าลองส่องเทียนดูให้ทั่วสิเมื่อส่องเทียนลงไปใต้แคร่สองสับ ป, ปะเลอก็สะดุ้งเฮือกเพราะว่าศพชายร่างยักษ์นอนแง่งแมงอยู่ใต้แคร่ในลักษณะครึ่งหงายครึ่งตะแคงสองสัปปะเลอก็ยกมือเกาหัวพร้อมกันวางสิ่งของในมือแล้วก็ช่วยกันล่าคอพลาสติกออกมาพลาสติกที่ห่อหุ้มยังคงอยู่ในลักษณะเดิม ทั้งสองก็ออกแรงเต็มที่ยกร่างสูงใหญ่ขึ้นแคร่ตามเดิมสัปเหร่บุญมีก็เริ่มบริกรรมคาถาคาถาที่สามารถสะกดวิญญาณผู้ตายให้อยู่ใต้อำนาจได้สงสัยลมมันจะพัดแรงอืะถึงได้ตกจากแคร่ลมพ่อแกสิหนักยังกะหายอย่างนี้ให้พายุพัดก็ไม่มีวันให้มันกระดิกได้เอา้าเร็วเข้าเริ่มดำเนินการเลยอย่าช้าแกะพลาสติกออกเดีเ๋ยวใคาจัดการเอง พลาสติกที่ห่อหุ้มศพก็ถูกเคลื่อนย้ายออกไปสัปเหร่อบุญมีพึมพำท่องคาถาไม่หยุดปากสัปเหร่อสมก็ดูจะไม่ยอมน้อยหน้าควักยันออกมาปูทับร่างศพท่อนบนสัปเหร่อบุญมีก็จอบเลวเทียนเข้าที่ปลายขางอ่าสัปเหร่อสมก็คอยถือถ้วยรองน้ำมันพลายที่จะหยดลงมาทั่วบริเวณเงียบสงัดเสียงฉีฉีดังไม่ขาดระยะ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ปรากฏว่ามีน้ำมันอะไรหยดลงมาแม้แต่หยดเดียวสร้างความผิดหวังให้สับ ป, ปะเลอทั้งสองเนื่องจากไม่สามารถจะหาสาเหตุได้ศพนี้ดูจะแตกต่างกับศพอื่นๆทุกศพดูคล้ายกับ ว, ว่าคาถาอาคมไม่มีความหมายอะไรพอลอนเปลวเทียนจนเมื่อยมือแล้วทั้งสองก็เลิกพยายามหมดปัญญาเอหรือว่ามันจะลองดีกับคาถาของข้ากันแน่วไอ้ศพยักษ์นี่ฮะ เมื่อเห็นว่าป่วยการการทำงานไม่ได้ผลก็เลยแยกกันไปนอนเป็นอนุสาวรีชายร่างยักษ์ไม่ได้ให้น้ำมันพรายแกสองสอับเพลในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิได้นำโรงศพมาเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมกันนั้นก็ได้นำโรงศพใบเดิมกลับไปด้วยก่อนกลับได้ขึ้นไปพบจเจ้าอาวาสเพื่อรายงานเรื่องราวให้ทราบโรงใบใหม่นี่ยาวกว่าใบเก่าพอประมาณเจ้าหน้าที่เขาแน่ใจว่าคงจะบรรจุศพร่างยักษ์ลงใบได้ไดพอดี จเจ้าวาดก็สั่งให้สองสั ป, ปเหร่อดำเนินการบรรจุศพจากนั้นก็ให้เก็บไว้เพื่อรอการชาปน ก, กิจเป็นการชาปน ก, กิจหมู่ในฐานะศพไม่มีญาติเมื่อสองสั ป, ปเหร่อพิจารณาลงศพใบใหม่ก็พยักหน้าแสดงความพอใจรีบดำเนินการตามสั่งเพื่อให้เสร็จสิ้นไปเร็วๆเพราะว่ายังมีงานอย่างอื่นรออยู่อีกพลาสติกพื้นใหม่ก็ถูกปูรองด้านล่างอีกผืนหนึ่ง สองสับ ป, ปะเลอช่วยกันหามร่างที่แข็งพื่อภายในห่อพลาสติกบรรจุลงไปในโรงคราวนี้ปรากฏว่าใส่ลงไปได้อย่างง่ายได้ทั้งสองก็พยักหน้าให้กันเป็นเชิงว่าโอเคขั้นต่อไปก็ปิดฝาโรงแล้วก็ปิดผนึกด้วยตะปูสับ ป, ปะเลอสมก็ยกฝาโรงขึ้นทับกับขอบโรงศพแทนที่ฝาจะปิดทับขอบได้พอดีกลับปิดไม่ได้ทั้งสองก็ช่วยกันออกแรงเพื่อให้ฝาปิดได้สนิทแต่ว่าไม่เป็นผลสําเร็จ เมื่อยกฝาขึ้นก็มีอันต้องสะดุ้งโยงไปพร้อมๆกันสาเหตุที่ฝาปิดไม่สนิทก็เนื่องจากขาข้างหนึ่งของศพงอขึ้นมาหัวเข่านั่นเองที่ทําให้ปิดฝาลงสนิทไม่ได้เฮ hey, อะไรกันวะเนี่ยนับเป็นประสบะการณ์ที่ยังไม่เคยพบผ่านมาก่อนมันงอขึ้นมาได้ยังไงกันนี่เ อ, เอ้าเฮ้ยช่วยกันกดให้มันเหยียดอย่างเดิมดิกระทั่ง ออกแรงกันเหงือ่อไหลใคร ย, ย, ย้อยขาข้างนั้นถึงได้เหยียดลงไปอย่างเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อยกฝาปิดก็ปิดไม่ได้เช่นเดิมกดยังไงก็ไม่ยอมลงเมื่อยกฝาออกเพื่อหาสาเหตุสองสัปเหร่อก็แทบจะหายงงพลึงลงไปเพราะว่าขาศพอีกข้างงอขึ้นมาแทนที่ข้างที่ถูกกดให้เหยียดลงไปเมื่อสักครู่สองสัปเหร่อก็ให้พิศวงไม่แพ้กันด้วยความที่เป็นสัปเหร่อมานานคำว่ากลัวผีก็เลยไม่มีในประธานุกรม ถ้าไม่ใช่สองสั ป, ปเหร่นี้แล้วซ้ายก็คงได้วิ่งเห็นป่าราบไปแล้วมาจะเอาอยัางไงกับกูแน่ว่ายักษ์ฮะขอน้ํามันพลายหน่อยก็ไม่ให้แล้วยังจะมีหน้ามาแสดงอิทธิฤทธิกับกูอีกฮะอยากจะลองเข้าสารเสกหรือไงจะได้ไม่ต้องไปผุดไปเกิดอีกครั้งที่ทั้งสองก็ช่วยกันออกแรงเต็มที่พยายามกันหลายครั้งจนลิ้นห้อยทีเดียวโดยปกติการมันจุ่ศพล ง, ลงใช้เวลาเพียงเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละ แต่ว่าศพนี้ดูจะพิเศษกว่าศพอื่นขาข้างที่งอขึ้นมายังไม่มีทีท่าว่าจะเหยียดลงไปแต่อย่างใดสัปรเอรอบุญมีก็บริกรรมคถาในขณะที่สัปรเอรอสมลวงเอาสายศีลออกมาจากย่ามพันไว้รอบๆลงในลักษณะขนานไปกระความยาวก่อนที่จะผูกอย่างหลวมๆที่ด้านหนึ่งจากนั้นก็ช่วยกันออกแรงอีกครั้งด้วยความยากลําบากเสียงบริกรรมคถาดังติดต่อกันไปขาข้างที่งอขึ้นมาค่อยๆเหยียดไปตามแรงกด จนทั่งสามารถยกขวาหีบขึ้นวางจรวดขอบลูงได้เมื่อปิดฝาได้สนิทสองสั ป, ปเลอก็ไม่รีรออะไรอีกต่อไปทลาเข้าหยิบค้อนกับตะปูก่อนที่จะ จ, จดปลายตะปูกับเนื้อไม้สั ป, ปเลอสมก็ท้องคถ า, ากำกับอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็ตอกตะปูลงไปอย่างแน่นหนาทุกด้านเป็นอันว่าการมันจุศบชายร่างยักษ์นี่เสร็จสิ้นลงไปอย่างทุลักทุเลสองสั ป, ปเลอก็ยกมือขึ้นปาดเงือที่หน้าผาก นับเป็นการบัรจุศพที่เหนื่อยมากที่สุดเลยตั้งแต่เคยมีมาเฮ้ยหลมไอ้ศพนี่ก่อนมันตายเขาว่ามันจะต้องเป็นเสือร้ายที่โหดเทียมที่สุดเลยแกว่าไหมเขาว่างั้นเนี่ยแกดูสิมันตายแล้วศพมันยังแผลงฤทธิ์ได้อย่างเงี้ยแล้วตอนที่มันยังไม่ตายนี่จะร้ายกาศสักขนาดไหนเขาว่ามันไม่ได้จมน้ําตายหรอกมันคงถูกฆ่ามากกว่าศัตรูก็มันอาจจะทำร้ายมันแค่สลบ แล้วก็แบกมันไปทิ้งน้ำศพของมันถึงไม่มีบาทแหลจำนาทีก็ลงความเห็นว่ามันจมน้ำตายอืมบิญญาณมันคงร้ายกาจไม่น้อยแกว่าคาถาของแกจะสะกดบิญญาณมันอยู่เหรอเอ้ยข้าแน่ใจอยู่นะไม่อย่างนั้นเรากดขามันให้เหยียดไปไม่ได้หรอกคาถาของอาจารย์ข้าน่ะศักดิ์สิทธิ์เสมอละข้าเคยเจอศจพธรรมดาแต่พผ่าว่าศพไอหมอนี่ไม่ธรรมดาเลย อย่างงี้เราควรจะเรียกมันว่าอย่างไงดีวะเนี่ยอืมเอ้ยแบบนี้มันก็ต้องเรียกศพดื้อกัอนล้วกันหรือแกจะว่าอย่างไงสัปะหรอทั้งสองก็พยักษ์หน้าพร้อมกันมีความเห็นตรงกันโดยไม่มีข้อโต้แย้งเลยเออศพดื้อจริงๆตายแล้วยังดือ้อเลพระผาเน่านะ ท่านผู้ฟังเป็นประเพณีของคนไทยอย่างหนึ่งหลังจากที่มีใครในครอบครัวที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ตายลงนี่ก็หลังจากที่นําไปประชุมเพลิงเงินเสร็จเรียบร้อยก็จะนาําอัฐิหรือว่ากระดูกเนี่ยไปบรรจุไว้ในเจดีย์เล็กๆที่เรียงรายอยู่ข้างวัดนั่นแหละบางแห่งเขาเรียกสถูปแต่ว่าทางบ้านอาจารย์ยอดเนี่ยเขาเรียกเจดีย์เป็นเจดีย์เล็กๆสําหรับเก็บกระดูกโดยเฉพาะเลยนะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่เกี่ยวกับที่เก็บกระดูกอันเนี้ย มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อบังอ่อนบังอรอนนี่สวยหน้าตาดีอ่าแต่ว่าเป็นคนขี้งุดหงิ ด, งดปากคอร้ายกาดแต่งงานกันในประเทืองนประเทืองคนนี้เขาเป็นคนดีใจเยน็นตอนแต่งกันเนี่ยบังออนเนี่ยไม่ได้ชอบในประเทืองเท่าไหร่แต่นประเทืองก็คงจะชอบเพราะว่า อบังอ่อนนี่เป็นคนสวยผิวขาวอวบอัดทางผู้ใหญ่คือพ่อแม่แล้วก็ตายายในจัดการแต่งให้เรียบร้อยพอแต่งกันแล้วก็อยู่ด้วยกันลูกเต้าก็ไม่มีบังอ่อนนี่ก็แหววัดแหวว ด, ว ด, วดอ่าส่วนนายประเทืองก็ไม่มีปากมีเสียงอะไรยอมเมียทุกอย่างชอบเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องสวดมนต์สวดพรไปอย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งท่าไหนไม่รู้นายประเทืองเคราะราย โดนตีตายที่สะพานหลังหมู่บ้านจับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ใครตีตายสื่อไปสื่อมาก็ไม่เคยขัดแย้งกับใครเขาก็บอกว่าคงจะตีผิดตัวแต่ก็หาคนตีไม่ได้บางอ่อนก็ครองตัวเป็นม้าอยู่ปีเดียวก็ได้เสียกับนายฟูหนุ่มใหญ่คอกัญชาประจำบ้านชอบพีเป็นประจำ ในปูที่ตัวสูงๆหน้าตาก็างั้นๆน่ะแต่ปากหวานบางอ่อนชอบอ่าลุ่มหลงเอาเข้ามาอยู่ในบ้านก็เป็นผัวเมียกันไปโดยปริยายที่นี่อยู่มาวันหนึ่งนางอุ๋มซึ่งเป็นน้องสาวของบางอ่อนเนี่ยก็มาหาบางอ่อนมาบอกว่าพี่ฉันฝันแปลกๆนะเออฝันบ้าฝันบออะไรกะฝันว่าได้ผัวเป็นม้าหรือไงนี่เรื่องจริงนะพี่ฝันจริงๆ พี่เทืองนะ่ะเขามาเข้าฝันฉันบอกว่าไอ้ที่อยู่ของเขานะ่ยมันไม่สบายเลยที่เก็บกระดูกอะ่ะมันแออัดคนมันเยอะไม่สงบจะสวดมนต์สวดพรจะก็ทําไม่ได้มีแต่เสียงจอกแกกจอกแจ ก, จ ก, แจกหนวกหูอยากจะอยู่ที่ใหม่อะไรของเองนะนางอ๋มข้าฟังแล้วไม่เข้าใจที่อยู่ที่อะไรก็พี่เถืองนะ่ะเขาตายโหงไปแล้วสองปีเต็มๆแล้วเองจะมาพูดเรื่องที่อยู่อะไรฝันอะไรไม่เข้าเรื่องเขาราว เองฝันแบบนี้นะฝันว่าหวยมันออกเลขอะไรซะยังจะดีกว่าเยอะนี่ฉันไม่ได้เล่าเรื่องโกหกให้พี่ฟังนะฉันฝันจริงๆฝันตอนเช้ามืดด้วยเขาว่าฝันเช้ามืดนี่มันแม่นนะแล้วอมพี่เทืองเขาก็มาเข้าฝันฉันจริงๆนะไม่ได้โกหกอ่ะจริงๆด้วยคนตายไปแล้วจะมาเรื่องมากได้ยังไงก็เหลือแต่กระดูกจะไปแออกแออัดอะไรมันเป็นไปไม่ได้ะเองมันฝันไปเองจะเอาอะไรกับความฝันพี่ไม่เชื่อเหรอก็ไม่เชื่อสิ ตายไปแล้วจะยังสวดมนต์สวดพร อ, อะไรอยู่อ่ะตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ยังสวดไม่พอหรือไงไม่เพราะเอาแต่ท ร, รมะทำรรโมหรอกแล้วถึงได้ อ, อึไม่อยากจะพูดเป็นอันว่าไม่เอาอไม่สร้างไม่ทำก็แล้วกันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่ที่อื่นนางอุ๋มมันเห็นพี่สาวอารมณ์เสียก็เลยลงเรือนมาตามธรรมดาก็เป็นคนปากายอยู่แล้วอ่ารู้ดีทีนี้เสียงที่พี่น้องเนี่ยพูดกันเนี่ย ได้ยินไปถึงในฟูในฟูแกก็นอนหลังยาวอยู่ในบ้านน่ะแหละอ่าก็ออกมาจากห้องนอนผมเผ่ายุ่งเหยิงเนี่ยหน้าตาไมา่ได้ล้างอะเสียงใครมาพูดอะไรอะฮะกหนังอุ่มมาสิมาบอกเรื่องความฝันไม่เขาเรื่องเขาเราวเรื่องอะไรอะเออห่วงก็เรื่องคนตายไปแล้วมาเข้าฝันว่าอยู่ไม่สบายจะให้สร้างที่อยู่ให้หม่ไอ้เถืองหรือไงได้ยินแว่วแววก็จะมีใครสอีกอะยุ่งไม่เขาเรื่อง ตอนอยู่ก็โปวดหัวพอแล้วตายไปแล้วยังจะมาสร้างเรื่องเสียเงินเสียทองอีกหาว่าอยู่ในนั้นอยู่ในเจดีย์เก่า่หนกหูคนเยอะสวดมนต์ไม่ได้ อ, อไอคนธรรมะจนไม่ยอมทําอะไรอย่างอื่นตายแล้วยังจะสวดมนต์อีกเหรอเออแปลกดีฉันไม่มีทางจะทําให้มันใหม่หรอกให้มันอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเรื่องมากต้อเอากระดูกโยนทิ้งไปเลยพ่อแม่พี่น้องมันก็ไม่สนใจแล้วนี่ ตายหวงตายหามันเกือบหมดแล้วอ่ะตระกูลนี้อายุสั้นทั้งนั้นเนี่ยใช่อย่าไปสนใจมั้เจ้าฟูสนับสนุนเพราะมันเกลียดประเทืองอยู่แล้วอ่าประเทืองมันตายเพราะใครทําไม่มีใครรู้มีเขาคนเดียวที่รู้ดีว่าใครออนก็เพียงแต่สงสัยเท่านั้นวะ่ะนายฟูเนี่ยอาจจะเป็นคนทําแต่เขาก็ไม่ยอมรับเพราะถือว่าความลับถ้ารู้กันเป็นสองคนไปแล้วถือว่าไม่ใช่ความลับแล้ว เพราะว่าวันหนึ่งวันไดอีกคนเกิดโกรธเคืองขึ้นมาทีนี้แหละความลับแตก็จะมัดตัวเองในฟูนี่ชอบบางออนมาตั้งนานแล้วแอบพูดคุยกันบ่อยๆรู้ว่าอ่อนมีใจกับเขาก็เลยลงมือกำจัดเสี้ยนหนามอุปสรรคซะทิ้งช่วงตั้งปีถึงได้เปิดเผยให้คนอื่นรู้ว่าเขาชอบบางออนมันก็รอดตัวไปไม่มีใครสงสัยอะไรว่าจะไปเกี่ยวข้องกับการตายของอนายประเถืองธรรมะธมโม ธรรมะมากไปปล่อยให้เมียตัวเองเปล่าเปลี่ยวตกมันล่วงมาอีคืนหนึ่งนางอุ๋มน้องสาวฝันอีกแล้วอ่าฝันอย่างเดิมแหละ ว, ว่าประเทืองมาบอกทีนี้นางอุ้มก็นั่งเอามือกุมหัวตอนเช้าเลยนึกไม่ออกจะไปบอกพี่สาวดีไหมไปบอกก็ไม่มีผลแถมโดนด่าอีกลูกสองคนก็ไปโรงเรียนหมดแล้วผัวนางอุ๋มก็ออกไปทํางานที่โรงไม้เท่าแกะะ่ฮะบ้านก็เงียบถ้วยชามก็ล้างแล้วเออ ไปบ้านพี่ออนสัหน่อยก็ยังดีถึงยังไงก็ต้องบอกถ้าไม่บอกเดี๋ยวดุงวิญญาณพี่เขยจะว่าเอาว่าแล้วนางอุ่มก็ลงเรือนไปบ้านพี่สาวตอนนั้นบางออนกําลังลงจากบ้านพอดีกําลังจะไปร้านค้ามีอะไรอะนางอุม่มฉันจะมาบอกกับพี่ว่าฉันฝันอีกแล้วอะพี่เทืองมาไม่ไม่ไม่ต้องแล้วมึงไม่ต้องพูดแล้วพอแล้วพอแล้วแต่ว่าไม่ต้องแตะสะบัดบั้นท้ายพรวดก้าวเท้าจากไปดืด้อๆ ปล่อยให้อุ้มน้องสาวอ่ามองตามตาปลิดไปปลิดตกกลางคืนอุ๋มฝันอีกฝันอีกแล้วสามวันติดติดกันะชักทนไม่ไหวก็หาหรือกับผัวตอนเข้ามุ้งนอนลูกๆ ก, ก, ก็หลับกันหมดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปบังคับเขายังไงไรไปเล่าให้เขาวังเขาก็ไม่เชื่อนี่นะอ่าเอาอย่างงี้ดีไหมพี่ช่วยกันไปสร้างเจดีย์ให้เขาอุยมันหลายตังนะก็นั่นนะสิไอ้เราก็ไม่ค่อยมีลูกเต้าเราก็ต้องเรียนหนังสือ ที่นี่ก็เงียบกันไปทั้งผัวทั้งเมียยังกระทั่งต่างม้อยหลับไปพอหลับไปน้งอุ๋มก็ฝันอีกอะทีนี้ตื่นลุกกลางดึกเลยจุดธูป บ, บอกเล่าวดวงบินยาณพี่เขยพี่เถืองฉันช่วยพี่ไม่ได้จริงๆนะอย่ามาเข้าฝันฉันอีกเลยนะฉันขอโทษด้วยฉันไม่มีปัญญาจะช่วยทางไหนได้เลยพี่เทืองเข้าใจความจําเป็นน้องฉันด้วยนะอยากจะทําให้อ่ะแต่ว่าตังไม่มีพอกลับเข้านอนก็ฝันอีก ฝันเห็นประเทืองมาหายกมือทั้งสองขึ้นมือขวานี่ชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วมือซ้ายชูสองนิ้วเสร็จแล้วก็ยิ้มอุ้มก็สะดุ้งตื่นงงไม่หมดตอนเช้าก็เล่าให้สมบัติสามีฟังอ่ะเขาก็ขมวดคิ้วนี่มันหมายความว่าอย่างไงเอยกสามนิ้วกับสองนิ้วนี่ให้หวยหรือเปล่าเออใช่พี่หรือว่าจะให้หวยถ้าถูกหวยเราจะได้มีเงินสร้างจะดีให้เขาไงาแต่ถ้ามันไม่ถูกละพี่ก็เสียเงินเปล่าว่ะสิ อืมก็ใช่แร่ใครจะไปรู้ว่ามันจะถูกไม่ถูกอ่ะพี่ก็ซื้อมาตั้งหลายปีเคยถูกเส้อที่ไหนจนเลิกซื้อไปแล้วหมดไปเยอะความจริงพรุ่งนี้หวยก็ออกพี่ก็อยากจะลองเสี่ยงดูสักสองร้อยติดเท่าแกวไว้ก่อนก็ได้เออใช่เท่าแกฮะเขาก็รับแทงนี่นะงวดนั้นปรากฏว่าสมบัติถูกหวยมันออกข้างล่างสองสามตรงกับที่อุมผก็เลยมีเงินมาสร้างเจดีย์ใหม่เอากระดูของเถืองเข้าไปบรรจุ ชาวบ้านรู้เรื่องนี้กันทั้งหมู่บ้านก็พากันพูดคุยโจย์ขานต่างก็แปลกใจว่าทำไมประเทืองไม่ให้หวยบางอ่อนจะกลับไปให้นางอุ่มซึ่งเป็นน้องเมียบางออนก็รู้สึกว่าตัวเองเสียหน้าสาบแช่งดวงวิญญาณผัวสาเสียเทเสียไอ้ผัวไม่รักดีอย่างนี้ตายแล้วยังทำให้ขายที่หน้าอีกเหรอเนี่ยใช่ไอ้เทืองมันทาแสบก็ขุดคนตายขึ้นมาด่ากันใหญ่อ่ะนางอุมมาบ้านอยู่ใกล้ๆก็ได้ยินหมดละ ตอนนั้นมันค่ําแล้วสมบัติก็ยังอยู่แล้วเขาก็ได้ยินเหมือนที่อุ่มได้ยินก็ได้จะนั่งถอนหายใจกันเฮือกๆเกชาวบ้านเขาก็ต่างเห็นดีเห็นงามพาสมควรแล้วละ่ะที่นางอุ๋มกับสมบัติมันจะถูกหวยเพราะว่านางบางอ่อนมันไม่สนใจยายดีบอกแล้วบอกอีกก็ทําไม่รู้ไม่ชี้นางอุ๋มมันถูกหวยแล้วก็สร้างที่อยู่ให้กระดูกคนบอกหวยนะั้นมันก็ถูกต้องแล้วเช่าบ้านเขาก็ว่ากันอย่างนั้นคืนนั้นเองด้วยความเจ็บใจ บางออนก็ชวนเจ้าฟูสามีใหม่ไปวัดเอาคอนปอนอันใหญ่บะเร้อใช่เอาไปด้วยหล่อนก็ให้เจ้าฟูถือติดมือไปอาศัยความมืดก็เดินไปไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเฮ้ยเอาแน่แล้วออนก็อเอาอ่ะสิไม่เอามันไว้ให้รกลูกตาหรอกคนรู้นะว่าออนทำํำรู้ก็รู้ให้มันรู้ไปแต่มันไม่เห็นมันจะมาโทษได้ยังไงเอ่ไม่รับสักอย่างอาจจะคนอื่นทําก็ได้ไม่มีหลักฐานอะไรจะมาโทษกันใช่ไหม ตั้งหน้าตั้งตาเดินกันมาจนถึงบริเวณเจดีเล็กๆที่ตั้งเรียงรายมากมายอยู่ไม่ห่างจากเมนเผาศพมากนะครับเมนไม่อยู่ทางใต้มองเห็นอยู่ขาวๆอันไหนอะเจดีไหนอะออนอันนี้แหละฉันจําได้ไม่ผิดเนยยังใหม่ครับเพื่อนเลยเอาเลยหรือไงนั่งออนก็ไปยักหน้าอ่าแต่ไปยักหน้าน่ะโจผูไม่เห็นนะเพราะมันค่อนข้างมืดช้าอยู่ทําไมครับพี่ผูทุบเลยสิเออได้ได้ได้ได เขาเงือกคอนอันใหญ่ขึ้นอ่ากําลังจะเหวี่ยงคอนใส่จะดีใหม่เอียงว่าต้องชะ ง, งักหมาวัดมันหอนเย็นเยือยยือกจับขั้วหัวใจอ่าจะพูลดคอนลงทําไมไม่ทุบอ่ะฮะหมามันหอนก็หอนก็ช่างมันไปอะไรเอากลัวผีบ้านี่กลัวไม่เข้าเรื่องผีสางที่ไหนมีไม่มีหรอกไอ้ที่เรายืนกันอยู่นี่กระดูกคนตายทั้งนั้นนะตายห่วงตายดีเต็มไปหมด คนแก่คนสาวคนเด็กมีทั้งนั้นเพ้อไปใหญ่นั้นนี่เกิดจะบ้าอย่ามาเนี่ไม่กล้ามาฉันเองเอามาประชาคอนจากมือของเจ้าฟูมาเจ้าฟูกวาตามองไปทั่วเย็นไข่สลังอ่าเหลียวไปเจอใครยืนข้างๆพยายามพอมองเห็นก็ใจหายแวบตกใจสุดขีดร้องไม่ออกหันหลังกลับเพนพรวดหนีออกไปทางปรชาช้า บางออนก็สาบแช่งไล่หลังผู้ชายอะไรวะหน้าตัวเมียกลัวแม้กระทั่งเสียงหมาหอนมันตั้งกูนี่สิถึงจะเจ๋งบางออนก็เงือกคอนใหญ่ทุบเปรียงทําลายเจดีย่างเดือดดานโกรธแค้นไม่สนใจเสียงหมาหอนไม่สนใจลมเย็นที่พัดกันโชกมาอย่างแรงพักเดียวหล่อนก็ทุบเจดียซะแหลกแลยหยิบกระดูกมากระทืบกร ะ, ะทืบแล้วทุบได้วยคอนซ้ําให้หนาใจไปเลยเหนื่อยยืนหอบตัวโยน ตอนนี้เองที่รู้สึกว่าใครสักคนมายืนข้างหลังก็นึกว่าคงจะเป็นเจ้าฟูที่วิ่งหนีไปแล้วย้อนกลับมาก็เหลียวไปมองถึงได้รู้ว่าไม่ใช่ฮะ ah? พิเทืองร่างใหญ่ยืนอยู่กลิ่นเหม็นสาบสางเข้าจมูกนางอ่อนทิ้งคอนจะวิ่งหนีแต่มือเย็นๆคว้าหมับเข้าที่คอ อ, ออ่านก็สะบัดสุดแรงเกิดปากก็ร้องตะโกนช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วย หลุดจากมือที่เย็นยิ่งกว่าน้ําแข็งมาได้ก็โกยแนบไม่คิดชีวิตห ก, กลม้มห ก, กลุกก็ไม่เดียวหลังไปดูวิ่งกระเสาะกระเสิงไปถึงบ้านก็ล้มลงที่หน้าบันไดลุกขึ้นมาอีกก็ตะเกียกตะกายขึ้นบ้านพรวดเข้าห้องนอนควา้าผ้าห่มคลุมโปงหนาวสถานยังไม่ยอมรับรู้อะไรอีกฝ่ายเจ้าฟูวิ่งหนีไม่คิดชีวิตเหมือนกันมันเหลียวหน้าเหลียวหลังเพราะว่าร่างของประเทืองนี่ลอยตามมาติดๆจนไม่ทันดูข้างหน้าว่าเป็นอะไร ทั้งร่างก็เสือกพรวดวิ่งกับในกอไผ่กอไผ่ก็ทิ่มที่ตาข้างซ้ายเจ็บปวดทรงเสียงร้องโหยหวนมันก็วิ่งจนทะลุกอไผ่ออกไปทางสะพานมีคนไปพบศพของเจ้าฟูในตอนเช้าจมน้ําอยู่ที่สะพานหลังบ้านลุงปุ่นเน่ยใกล้ๆ ก, กับที่กอไผ่นี่แหละสะพานเนี่ยที่ประเทืองโดนตีตายแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ข้าง ่าสะพานเจ้าฟูก็มาตายตายในน้ำตายที่สะพานเดียวกันตามเนื้อตามตัวเต็มไม่ได้บาดแผลเลือดแทงกลังไปทั้งร่างแต่ที่สยดสยองก็คือกิ่งไผ่ที่โดนตัดนี่มันแหลมคมมันทิ่มทะลวงตาจนแตกบังอ่อนเป็นโรคประสาทหวาดผวานั่งนั่งอยู่กาหันกวับร้องโวยวายหาว่าผีเอามือเย็นเย็นมาจับพอ ทั้งอุมก็ช่วยดูแลพี่สาวพาไปรักษาต่ไม่หายอ่ะปั่มปัเผิอเอ เ, อเรื่อยมาจกนกระทั่งบัดนี้ยังพูดจาภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับอาจารย์สอธนาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาของสำนักพรหมศาสต ร, ร์ นะครับท่านเล่าว่าเมื่อวันที่15มิถุนายน2520ท่านเดินทางไปทำธุระบางอย่างถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนพวกเพื่อนๆที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อนคนหนึ่งก็ทราบว่าอาจารธนาเนี่ยศึกษาค้นก ว, าว้าวิชาการทางธรมศาสตร์อยู่ก็ขอร้องให้ช่วยตรวจดูคนไข้หญิงรา ย, ยารหนึ่งอายุประมาณ25ปีเป็นช่างเสริมสวย ซึ่งมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเป็นบางครั้งและบางครั้งก็จะคลุ้มคลั่งกล่าวคาหยาบคายออกมาผิวพรรณก็ดําดคล้ําบุคลิกภาพซึมเศร้าไม่ชอบพูดจากับใครผิดกับครั้งที่เธอยังอาการดีๆอยู่โดยปกติเธอเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ชอบโอบพาปราใสโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนบ้านแล้วก็คนรู้จักทั่วไปไม่ช้าไม่นานหลังจากที่เธอเริ่มป่วยแล้วก็คลุ้มคลั่งอย่างที่ว่าเนี่ย เธอยังมีอุปนิสัยแปลกประหลาดคือชอบแอบกินของสดๆขาวๆในยามดึกดื่นนี้ต้องลุกจากที่นอนเดินออกมาหาของกินดูแล้วเธอไม่ค่อยจะมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองบางครั้งก็เพอบ่นปวดร้วราวไปทั้งตัวทางผู้ปกครองก็ได้พาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็พาไปรถน้ำมนอยังสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่แถวลาดพร้าวกรุงเทพก็ปรากฏว่าเธอพอจะเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างนะ แต่พอเธอกลับมาถึงขอนแก่นอาการก็เข้ารูปเดิมอีกรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่เพียงแต่จะหมดเรืองเงินทองไม่ใช่น้อยเสร็จแล้วอาการป่วยขอยงคุณพรผู้นี้ก็ไม่ทุเลาลงเลยแต่ประการใดจนพวกญาติพี่น้องต่างพากันอ่อนใจไม่ทราบจะแก้ไขยังไงดีนอกจากได้แต่กินยาแล้วก็รดน้ำมนต์ไปตามมีตามเกิดอาการที่กล่าวถึงนี้คุณพรแกเป็นมาถึงหกเดือนแล้ว งานการก็ไม่ค่อยจะทำมีแต่เพอคลั่งหงุดหงิดภายผอมลงมากเพื่อนของอาจารย์ธนาบอกว่าถ้าหากว่าอาจารย์พอจะช่วยรักษาได้เขาจะนำคนไข้มาให้ตรวจที่บ้านของเขาเพราะว่าบ้านของเขามีหิ้งพระบูชามีห้องพระเมื่อ อาจารธนาได้ฟังเรื่องราวและเหตุการณ์ประหลาดแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจเพราะตั้งแต่ได้เข้ามาศึกษาวิชาการพรมศาสตร์ทางด้านนี้ก็ได้แต่เพียงช่วยรักษาปฏิบัติการเล็กๆน้อยๆไม่เคยทำการใหญ่ถึงเพียงนี้แต่ด้วยความเริงใจก็รับปากว่าจะลองดูเผื่อจะเป็นกุศลต้องคนไข้บ้างแต่อย่าให้รับรองอะไรด้วยนะก็เลยบอกให้เพื่อนไปจัดการเตรียมเครื่องสักการะมีดอกไม้ทูบเทียนตามพิธีการที่ได้ศึกษามา นะให้ไปเตรียมไว้ให้พร้อมด้วยตกเย็นวันนั้นอาจารย์ธนาก็ไปที่บ้านเพื่อนแล้วก็ได้พบกับคนไข้ก็เลยพาคนไข้เข้าห้องพระแล้วก็เริ่มทําพิธีตามที่ได้ศึกษาล่ําเรียนมาโดยขอขันน้ํามาเพื่อทําน้ำมนต์กระเทียนทําน้ำมนต์เริ่มพิธีโดยถวายสการะกราบพระแล้วก็ราลึกขอบรารมีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จปรมาาาจรรย์คูบาอาจารย์ที่คุ้มครองรักษาตัว เสรแล้วก็จุดเทียนเพ่งเทียนกําหนดจิตให้เป็นสมาธิให้ใบหน้าของคนไข้คือคุณพรนมาปรากฏที่เปลวเทียนเพื่อจะเรียกสิ่งชั่วร้ายอัปลักษ์อัปมงคลมาสู่ที่เทียนแล้วก็หยดน้ําตาเทียนลงสู่ขันน้ามนต์ในขณะที่หยดน้ําตาเทียนนั้นปรากฏว่าคนไข้เกิดอาการคลุ้มคลั่งส่งเสียงร้องโวยวายดังขึ้นอีกทั้งเธอยังดิ้นรนครวนครางอย่าทําก็เลยอย่าทําขาเลยได้โปรดเถอะว่าอย่างนั้น เธอแสดงอาการโดยเอามือทั้งสองข้างจับที่ขมับตัวเองแล้วก็ร้องออกมาอีกปวดหัวปวดหัวจนไม่สามารถจะทนต่อไปได้พร้อมกับล้มตัวลงนอนดิ้นพล่านไปมาอยู่ที่พื้นท้องพระจนกระทั่งต้องมีคนมาคอยช่วยกันจับกดเอาไว้เพราะว่าเธอดิ้นแรงมากพอทำพิธีไปหมดแล้วทีนี้ก็หยุดดูผลก็รู้สึกว่าคนไข้ค่อยๆ อ, อ, อ่อนลงแต่ยังคงแสดงอาการว่ายังเจ็บปวดหัวอยู่ แล้วเขาพูดจาอยู่คำเดียวว่ากลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทำกันเลยเมื่ออาจารย์สอได้ตรวจดูถึงได้รู้ว่าวิญ ญ, ญาณตนหนึ่งแอบแฝงอยู่ก็ทำการซักไซไล่เหลี่ยงก็ปรากฏว่ามีวิญญาณดวงหนึ่งชื่อนายทองอยู่มาเข้าสิงแฝงในร่างคุณพรจากปากคำของวิญญาณนายทองอยูอ่ซึ่งถ่ายทอดมาจากคนไข้โดยการซักก็ได้ความว่านายทองอยู่เนี่ย ถูกหมอผีมีวิชาอาคมคนหนึ่งมาจับเอาวิญญาณของเขาในขณะที่วิญญาณกำลังเร่ร่อนอยู่จับเข้าไปไว้ในรูปหุ่นมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาของแหลมแทงข้างหลังไว้พร้อมทั้งกำกับได้เวทมนต์คาถาอันแรงกล้าวันดีคืนดีหมอผีก็จะบังคับได้อาคมให้มาเข้าสิงในตัวคุณพรก็คือคนไข้หญิงสาวนี่แหละเพื่อจะทำให้ถึงตาย ด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวตามที่บิญยาณของนายทองอยู่บอกทั้งนี้หมอผีรับจ้างเขาทำงานนี้วยเงินค่าจ้างเพียงสองพันบาทความจริงแล้วบิญญนยานนายทองอยู่ไม่อยากจะทำเลยเพราะว่าเขารู้ว่าคุณพรเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่แล้วก็มีจิตใจฝักใฝ่แต่ในทางกุศลอาจารย์สอก็ถามว่าในเมื่อรู้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วทาไมต้องสิงสู่ทาร้ายล่า เขาก็บอกว่าไม่ทำไม่ได้เพราะว่าหมอผีใช้คาถาอาคมบังคับให้มาทำเมื่อเขาเจ็บปวดอย่างไรเมื่อมาเข้าสิงในร่างของคนป่วยแล้วคนไข้ก็ย่อมจะเจ็บปวดตามเหมือนกับดวงวิญญาณของเขานอกจากนี้หมอผียังทำรูปหุ่นของคนไข้เอาไปฝังอีกอาจารย์สอกถามการผูกขุ่นการฝังรูปฝังรอยในที่สุดก็พยายามพูดชี้แจงโดยยกเอาบาปบุญคุณโทษมาเตือนสติวิญญาณในท้องอยู่ว่าบาปเวรที่ทา อาที่มันจะมีผลอย่างไรที่เข้ามาสิงร่างคุณพรจนเจ็บป่วยทรมานเนี่ยมันเป็นบาปมหันเขาอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดขอให้วิญญาณนายทองอยู่จองออกไว้ซะโดยดีเถอะอย่าให้ต้องทำอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้มันจะเป็นเวรเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆอาจารย์สก็พูดให้ข้อคิดแล้วก็ขอร้องราวชั่วโมงเศษต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็ญาติของคนไข้ในที่สุดวิญญาณเขาในทองอยู่ก็ออกจากร่างไป แต่ก่อนที่จะออกไปนั้นเขาบอกว่าเขาอดอยากหิวหวยเหลือเกินเพราะเป็นวิญญาณพนเจรถูกหมอผีใจสามมันบีบบังคับให้กินอาหารสดสดขาวขาวประดุดผีปอบตะกะตะกรามจึงอยากจะขอให้ช่วยจัดไก่ต้มหนึ่งตัวเหล้าขาวหนึ่งขวดจุดทูบหนึ่งดอกแล้วก็ขอเสื้อกางเกงผ้าขาม้าตั้งเส้นให้กลางแจ้งพร้อมทั้งช่วยทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์แล้วอุทิศส่วนกุศลให้เขาเขาจะได้ไปผุดไปเกิด และภาวรนาตัวขอเป็นผู้รับใช้อาจารย์สอในชาติหน้าต่อไปอีกอาจารย์สอก็บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกอแล้วก็รับปากกับเขาว่าจะไม่ส่งเขากลับไปหาเจ้าหมอผีอีกและจะช่วยให้เขาพ้นทุกเวทนาเมื่อหมดกรรมจะได้ไปเกิดต่อไปอาจารย์สอก็สอบถามจากญาติคนไข้ว่าจะจัดการหาสิ่งของตามที่บิญยาณในท้องอยู่แจ้งความประสงค์ขอได้หรือเปล่าญาติคนไข้ก็รับปาก วิญญาณนายทองอยู่ยังได้ขอให้อาจารย์สอนช่วยถอดถอนอาคมกับสิ่งพันธนาการที่เขาถูกผูกมัดอยู่ข้างหลังพร้อมกับแก้มัดมือเท้าจากการถูกอาคมของหมอผีอาจารย์สอก็อธิษฐานจิตถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบรารมีให้ท่านได้ช่วยจัดการถอดถอนทําลายล้างแล้วก็เป่าไปที่คนไข้ถึงสามครั้งวิญญาณนายทองอยู่ก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจบอกหลุดแล้วหายปวดแล้วเป็นอิสระแล้ว ต่อจากนั้นวิญญาณข้านายทองอยู่ก็หันมาก้มกราบอาจารย์สอปากก็พร่ำว่าเขาไม่เคยพบคนที่ใจดีแล้วก็พูดจาไพเราะแบบนี้มาก่อนเลยอาจารย์สอเห็นว่าเป็นเวลานานพอสมควรแล้วแล้วก็หมดเรื่องก็เลยเตือนเขาว่าให้ออกจากร่างไปได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นจะจัดการสิ่งของที่เขาต้องการให้เรียบร้อยวิญญาณกลับบอกว่าเขานะ่ะสำนึกในบุญคุณและความดีของอาจารย์สอที่ไม่ทำรุนแรงกับเขาเขาอยากจะคุยต่อไปอีก อาจารย์สก็บอกว่ามันดึกมากแล้วสมควรแก่การพักผ่อนวิญญาณในทองอยู่ก็บอกว่าเขายังกลับไม่ได้เพราะว่าอ า, อาจารย์สอยังไม่ได้ทําลายรูปหุ่นแล้วก็เรียกวิญญาณของคนไข้จากรูปหุ่นมาเข้าร่างของคนไข้ซะก่อนอก่อนที่วิญญาณในทองอยู่จะออกไปถ้าไม่ทําอย่างนั้นขณะที่วิญญาณในทองอยู่ออกไปจากร่างในคนไข้จะเจ็บปวดอย่างหนักเลยอาจารย์สอก็ต้องอาศัยบา ร, รมีครูบาอาจารย์อีกครั้งหนึง่ง โดยตั้งจิตปรารถนาให้ท่านได้ทำลายหุน่นแล้วก็นำจิตหรือว่าวิญญาณคนไข้กลับมาขณะนั้นก็อาจารย์สอก็ได้ยินเสียงว่ามาแล้วมาแล้วพร้อมกับคนไข้หงายหลังหลับลงไปที่พื้นกระดานห้องพระทันทีหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนญาติของคนไข้ก็ช่วยกันปลูกแล้วก็เรียกชื่อคนไข้สักครู่หนึ่งคนไข้ก็เริ่มรู้สึกตัวบอกขอน้ําทานหิวน้ํามากพอเธอดื่มน้ําเสร็จก็หันไปมองรอบๆตัวด้วยความประหลาดใจ แล้วก็ถามเพื่อนๆและญาติว่ามาทําไมทําไมมารวมกันอยู่ที่นี่ไปไหนมากันตั้งแต่เมื่อไหร่พวกเพื่อนๆก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอย่างย่อๆคุณไข่ก็ฟังโดยความงุนงงท้องก็บอกว่าความรู้สึกเหมือนกับฝันไปว่าตัวเองถูกมัดมือมัดเท้ากระดิกได้แค่นิ้วมือเท่านั้นแหละแล้วก็เหมือนอยู่ในที่มืดมิดไม่เห็นแสงสว่างอะไรเลยกับยังได้รู้สึกหนักคล้ายๆกับมีอะไรมาเกาะอยู่ที่เท้าข้างขวานะ อาจารย์สอก็จึงเห็นว่ายังคงมีอาการค้างคๆอยู่บ้างก็จัด ก, การรักษาให้ตามพิธีกรรมคนไข้ก็บอกว่าหายดีแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยากจะปัสสาวะทันทีคนไข้แจ้งว่าตลอดระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาไม่รู้หรือว่าจําอะไรแทบไม่ได้เลยว่าทําอะไรลงไปบ้างรุ่งขึ้นจากวันนั้นอาจารย์สอได้เดินทางไปทุระที่จังหวัดอื่นประมาณสามวันหลังจากนั้นก็ย้อนกลับผ่านมาทางขอนแก่นอีกครั้ง ก็เลยไปเยี่ยมคนไข้ดูก็พบว่าร่างกายสดใสขึ้นอาการที่เคยเป็นก็ไม่ปรากฏอีกเลยแต่ก็มีอาการหวาดกลัวอยู่บ้างอาจารย์สอก็แนะนําให้เธอเข้ามาที่กรุงเทพเพื่อรดน้ำมนต์สักครั้งจะได้หายกลัวแล้วก็สบายขึ้นแล้วต่อมาเธอก็มาอาบน้ำมนต์กับอาจารย์ศอที่กรุงเทพจนสุขภาพดีแข็งแรงหายเป็นปกติดีเหมือนเดิมนะครับ เรื่องของผีเข้าผีสิงนี่อีกเรื่องหนึ่งครับเกิดที่อ่าวัดเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีวันพระสิบห้าค่ำชาวบ้านเขาต่างนําพัตหารมารวมกันจัดเป็นสําหรับเลี้ยงเพลนพระภิกษุสงฆ์ในวัดเป็นวันที่ชาวบ้านหยุดงานไร่นางานสวนเพื่อมาประชุมชุมนุมกันทํากิจกรรมในพระพุทธศาสนาอยากดีมีจนคนเฒ่าคนแก่ต่างก็มาพร้อมหนะ้า สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันอย่างแยกไม่ออกนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตในชนบทที่เป็นเพียงสังคมเดียวที่มีเอกลักษณ์ไทยหลงเหลืออยู่พระสวดมนต์จบแล้วชาวบ้านก็เตรียมจัดที่นั่งให้พระนั่งชาวบ้านวัดบ้านเสารลีก็พากันดำเนินกิจกรรมจนพระฉันเสร็จเสร็จแล้วก็ยกพระาหารออกมาจากที่นั่งรอพระยะถาสัพพีเพื่อจะอุทิศส่วนกุศล เมื่อพระสวดจบแล้วขณะจะลุกจากที่นั่นก็มีเสียงบอกโอ้ยปวดปวดโอ้ยโอ้ยเด็กสาวอายุสักประมาณสักส6กปีล้มลงนอนดิ้นครวนครางเอามือไปจับหน้าท้องผู้ใหญ่พากันเข้าไปดูอาการแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเด็กสาวก็ไม่หยุดดิ้นร้อนถึงกำนันต้องไปกราบพระองค์หนึ่งที่เรียกกันติดปากว่าท่านมหาให้ท่านมาดูท่านมหาโบกมือให้ผู้คนถอยออกไป ท่านจ้องมองดูเด็กสาวคนนั้นด้วยตาในจากการทำจิตให้นิ่งแล้วก็มองดูด้วยจิตภาพที่ท่านเห็นเป็นภาพของชายวัยกลางคนหน้าท้องอาบไปด้วยเลือดมีไส้ออกมากองต้องเอามือจับเอาไว้นั่งอยู่ข้างๆเด็กสาวนะั้นมือข้างหนึ่งก็จี้ไปที่หน้าท้องเด็กสาวทำให้เด็กสาวดิ้นร้องท่านมหาก็ถามด้วยจิตร่างนั้นก็ตอบโต้ออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำด้วยจิตเช่นเดียวกัน ท่านเป็นพระมาจากที่อื่นท่านไม่รู้จักผมหรอกแต่ชื่อผมเนะ่ชาวบ้านสารีเขารู้จักดีเพราะว่าผมทำให้พวกเขารู้จักแล้วก็จาผมไปตลอดการผมชื่อเสนอครับออกไปจากเด็กก่อนสิแล้วค่อยพูดกันเดี๋ยวฉันแผ่เมตตาให้ในเสนอก็จะได้สิ่งที่ต้องการปรากฏว่าเหมือนหนังอินเดียเด็กสาวหายจากอาการจุกเสียดหน้าตาหรือเพราะตกใจว่ามนนอนอยู่ได้ยังไง ท่านมหาไม่ว่าอะไรรีบแผ่เมตตาออกไปแล้วมองไปอีกทีในเสนอหน้าตาแจมา่มใสเดินลงจากศาลาการประเรียนไปทันทีชาวบ้านก็ ง, งงไปตามๆกันต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามหาเก่งนะผีกลัวว่างั้นหลังจากนั้นท่านมหาก็ให้คนไปตามเท่าฟุง้งผู้อาวุโสของหมู่บ้านมาพบที่กุฏิเลื่อนกาน้ําชาไปให้เท่าฟุง้งจิบน้ําชาแก้คอแห้งเออชาดีนี่เขาถวายมา ก็เลยเอามาถวายท่านหลวงพ่อจเจ้าวาดแล้วก็เอามาชงอ่าจิบเลยจะได้คุยกันต่อคงจะยาวหน่อยเออนี่เท่าพุงคนชื่อเสนอนี่เป็นใครกันแน่ฉันอยากจะรู้จักไอเหนือมันตายไปนานแล้วครับเป็นลูกบ้านนี้ล่ะมันมันตายโหงครับน่าสงสารเป็นอะไรตายล่ะมีนายทุนมาเปิดบ่อนท้ายบ้านทําให้ชาวบ้านไม่เป็นอันทำมาหากิน ไปหลงการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวเจ้าเสนอเนี่ยมันเป็นคนขยันพ่อแม่ตายตั้งแต่มันเกิดมันก็อยู่กับลุงมันมันเป็นคนขยันทำมาหากินพอเห็นชาวบ้านมัวการพนันจนจิบหายขายตัวมันก็เกิดสงสารวันหนึ่งมันก็เลยเข้าไปในบ่อนไปถึงก็ไปยกมือไหว้คนที่เล่นการพนันปากก็บอกว่าหยุดเถอะครับพ่อแม่พี่น้องการพนันไม่เคยทำให่ใครรวยมีแต่เจ้าของบ่อนรวยอยู่คนเดียว พอเจ้าเสนอพูดจบก็มีอันเป็นหงายหลังผึงเพราะว่าลูกน้องเขานายบอลที่เป็นตำรวจอ่านอกเรื่องแบบนี้มาคุมบอนเทือนเอาด้ามปืนพกตบจนปากแตกล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วก็บอกว่าไอ้เวนนี่วอนหาที่ตายซะแล้วไปให้พน้นอย่าเข้ามาเทศอีกนะไม่งั้นกูยิงมึงทิ้งแนะ่ตอนนั้นบอนแตกเพราะเจ้าบ้านกลัวจะมีการฆ่ากันตายพอเจ้าเสนอนี่มันก็นักเลงจริงคนหนึ่ง พอลุกขึ้นได้มันชักมีดซุยขึ้นมากระชับมือไม่พูดพร่ทำทาเพลงล่ะพุ่งปลายมีดเข้าหาตํารวจเร็วคนนั้นอย่างไม่สะทกสะท้านปากมันก็บอกว่าคนอย่างพวกมึงหลวงเลี้ยงเสียข้าวสุกไปนรกสัเถอพวกมึงระยะประชิดอย่างนั้นหลบไม่พ้นหรอกตํารวจเร็วคนเหนียวไกลสารสามนัดเข้าที่ท้องของเจ้าเหนือจนไสออกมากอง มีดขงเจ้าเหนือก็ปัก อ, อกด้านซ้ายของตำรวจคนนั้นเหมือนกันมีดด้ามเลยหมดแรงกระชากออกเจ้าเหนือหงายหลังพลึงอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ตายก่อนจะถูกนำส่งโรงพยาบาลส่วนตำรวจคนนั้นไม่ต้องพูดถึงหน้าตายคาที่ชาวบ้านก็พากันหามร่างเจ้าเหนือมาที่วัดจัดการต่อโรงใส่ศพส่วนตำรวจคนนั้นไม่มีใครสนใจขว่าทางการจะรับแจ้งจากกำนันมาพลิกศพเพราะว่าการขมนาคมตอนนั้นมันลําบากครับ นอนขึ้นอืดเหม็นเน่าอยู่ที่บ่อนท้ายบ้านนั่นแหละสอบสวนแล้วก็เอาศพไปทำพิธีมีธงชาติกลุมเพราะถือว่าตายในข ณ, ขณะปฏิบัติหน้าที่เออหน้าที่อะไรของมันไม่รู้เออแล้วเจ้าเสนอในะหลังจากตายแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้เฮียนชะมัดเลยครับหลอกคนไปทั่วงานศพที่ไหนมีการตั้งบ่อนเป็นต้องวิ่งเหนกระเจิงเจ้าเหนือมันหลอกสะบัดเลย หลายคนถูกมันหลอกหลอนจนหัวโกรนทุกวันนี้มันก็ยังไม่ไปไหนหลังจากรู้เรื่องแล้วท่านมหาก็เตรียมการเพื่อจะพบกับผีเจ้าเสนอในตอนกลางคืนเพื่อสอบถามท่านนั่งสมาธิอ่าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปถึงฌานอธิษฐานจิตเรียกเจ้าเสนอมันก็ปรากฏในสมาธินั่นแหละกําหนดจิตออกจากสมาธิแต่ยังคงจิตที่ไม่สายไปมาทําให้สามารถมองเห็นเจ้าเสนอได้โดยตาเนื้อและพูดคุยได้จิต ตายไปตั้งนานแล้วยมทำไมไม่ไปไหนคอยหลอกคอยหลอนผู้คนเขาไม่รู้จักผิดเลยเหรอผมจะไปไหนได้แล้วครับก็ผมมีเวลาอีกตั้งสามสิบปีกว่าจะถึงตายจริงๆแต่ที่ผมตายนะ่ะกรรมมันเล่นงานผมเขาให้ผมก็เลยต้องอยู่ในภพที่ไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้ทำไมต้องหลอกเขาด้วยใครบอกผมหลอกเขาผมให้เขาเห็นนะเพราะผมหิวผมอยากกินบุญกินทาน แต่พวกเขากลัวแล้วก็ลืมนึกถึงผมไปเวลาที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมช่วยชาวบ้านไปทั่วจนได้ตำแหน่งคนขยันประจำำําตําบลแต่พอผมตายกลับไม่มีใครนึกถึงเลยมันน่าน้อยใจไหมครับมันบาปนะเสนอทําอย่างนั้นะผมไม่ได้หลอกเขาแบบเอาเป็นเอาตายนี่ครับผมส่งเสียงบ้างทําให้เขารู้ว่าเป็นผมบ้างหลายคนก็เห็นผมเป็นแต่เงารา ง, ราง ผมก็สื่อได้อย่างนี้เท่านั้นจะให้ผมบอกเขาเหมือนท่านมหาไม่ได้หรอกครับผมไม่ใช่มนุษย์นี่มันคนละเรื่องกันเออเอาละ่ะทีนี้เวลาจะไปบอกใครก็ใช้วิธีใหม่สิอย่าไปสิงแล้วก็บอกเขาว่าเจ็บโน่นเจ็บนี่หรือว่าส่งเสียงอันชวนขนลุกจงบอกเขาตรงๆไปเลยจะได้ไม่อ้อมค้อมเจ้าเสนอหายแวบไปเลยพอรุ่งเช้าก็มีคนมาตามท่านมหาให้ไปดูลูกชายที่ถูกผีสิง ท่านมหารู้เลยว่าเจ้าเสนอแน่ก็ครองผ้าแล้วไปพอขึ้นไปเผชิญหน้ากันท่านมหาก็ถามอา้าวนี่มาสิงเด็กอีกทำไมผมชื่อเสนอเป็นลูกบ้านนี้มาสิงเด็กเพราะหิวต้องการบุญและต้องการสื่อว่าเวลาทําบุญอย่าลืมอุทิศ ส, ส่วนบุ ญ, ส, บญส่วนกุศลเอ่ยชื่อเสนอคนเนี้ยพร้อมนามตระกูลเดี๋จะได้รับกุศลนี่เล่นอุทิตยาติโกโหติกาตัวเอง แล้วไอ้เหนือคนเนี่ยเวลามันดีๆมันช่วยงานไว้ตั้งเยอะทำไมไม่ให้มันบ้างกำนันที่มาดูเหตุการ์ด้วยก็รับปากว่าจะจัดทำสังฆทานพรุ่งนี้เพนให้เจ้าเสนอมารับเจ้าเสนอก็ออกจากร่างเด็กไปท่านมาหาก็เพ่งโดยตาในด้วยจิตก็เห็นมันก้มลงกราบแล้วก็ละลายหายไปในอากาศก็ดีใจว่าสำเร็จละทีนี้พอวันรุ่งขึ้นตอนเพนชาวบ้านก็นพาพัะทหารมาเลี้ยงพระแบบสังฆทานแล้วก็อุทิศให้เจ้าเสนอคนเดียว ท่านมหาก็จ้องดูด้วยตานายเห็นมันนุ่งขาวทั้งชุดหน้าตาแจมา่มใสผิวเปล่งปลัง่งนี่แหละผลบุญที่อุทิศให้พอญาติโยมกลับหมดแล้วเจ้าเสนอก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าท่านมหาแล้วก้มลงกราบขอประคุณผมได้กินเต็มอิ่มครั้งนี้แหละครับผมขอขอพระคุณท่านมหามากต่อไปเขาคงอุทิศบุญให้ผมทุกครั้งแล้วผมจะได้ไม่ต้องไปสิงใครอีกเออ เสนอคราวนี้ไปขอบคุณชาวบ้านเขาอำนาจทางดีนี่มันไปส่งกลิ่นบอกเขาอย่าเอากลิ่นศพนะกลิ่นดอกไม้อะไรก็ได้ที่มันไม่มีในท้องถิ่นนะ่ะเขาจะได้รู้ว่าขอบคุณเขานะพอคืนนั้นชาวบ้านทุกหลังคาเรือนก็ฝันเห็นเจ้าเสนอในชุดขาวไปกราบขอบคุณแล้วก็มาเล่าตรงกันในตอนเพลินวันรุ่งขึ้นแต่เรื่องกลิ่นนี่ไม่มีใครบอกพอทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าเสนออีกครั้ง คราวนี้กลิ่นหอมประหลาดก็ฟุ้งสาลากา ร, รเรียนทุกคนทำจมูกฟุดวิทย์แสดงว่าได้กลิ่นท่านมหาก็เพ่งดูด้วยตาในเห็นเจ้าเสนอเอาดอกไม้มาโปรยปลายไปทั่วสาลากา ร, รเรียนท่านมหาบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเจ้าเสนอไม่เคยเข้าสิงคนอีกเลยชาวบ้านก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้มันทุวันพระท่านมหารูปนี้ปัจจุบันมรณภาพแล้ว เรื่องนี้พระมหาวีระหรือว่าพระราชพรมยานอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าสุงท่านเขียนระลึกถึงเหตุการณ์ไว้อย่างละเอียดท่านบอกว่าสัมภเวสีแบบนี้มีมากทำบุญแล้วก็เอ่ยอุทิศให้สัมภเวสีบ้างนะพวกเขาก็จะเป็นสุขตามอัตภาพที่เขาเป็นอยู่นะครับ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการส่งเจ้าเข้าผีท่านบุฟังน่าสมใจในการป่วยป่วยเป็นนู่นเป็นนี่แล้วตอนหลังเดินไม่ได้เลยนอนสมไอ้ความเจ็บป่วยที่เบียดเบียนมานานนับปีจนปัญญาแพทย์แผนปัจจุบันจะเยียวยารักษาได้ก็เลยหันไปพึ่งพาหมอศยศาสตร์ในตำบลใกล้เคียงนั่นแนะก็ทำนายทายทักว่าแท้จริงไอ้การเจ็บป่วยที่ว่าเนี่ยเป็นผลเพราะว่า อำนาจลึกลับและความประสงค์ของเบื้องบนาหากว่านางสมใจยินยอมเป็นร่างทรงอาการเจ็บป่วยก็จะหายเป็นปลิดทิ้งก็เลยต้องยอมนางสมใจยอมก็มีการจัดเตรียมการประกอบพิธีรับร่างทรงของเทพที่เป็นเทพกุมารทองอวันนั้นก็เตรียมงานที่ลานบ้านกลางแจ้งนั่นแหละหมอที่จะมาทำพิธีเนี่ยเป็นคนทรงเหมือนกันแต่ว่า มีชื่อเสียงเป็นคนที่ใครๆเคารพนับถือชื่อหมอบุญยืนเสร็จแล้วพักหนึ่งหมอบุญยืนก็มาและเมียที่เป็นลูกสาวคนโตของนางสมใจก็ออกไปรับหมอก็บอกเออไหว้พระเจ้าลูกเ อ, อ้ยเป็นยังไงมั่งข้าวของจัดเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วละ่ะเชิญพ่อหมอตรวจ ด, ดูก่อนเถอะเผื่อมีอะไรขาดเหลือจะได้หาเพิ่มเติม หมอบุญยืนก็เดินตรวจตราความเรียบร้อยจนเป็นที่พอใจแล้วก็นั่งลงบนอัสนะที่เจ้าภาพเขาจัดเตรียมมาไว้เอาละเดี๋ยวข้าจะเริ่มพิธีแล้วนะใครมีธุระจะไปไหนก็รีบไปเสียเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าตอนที่ข้ากําลังทําพิธีในี่ใครจะลุกออกไปไหนไม่ได้นะจนกว่าจะเสร็จพิธีหมอบุญยืนก็ประกาศบอกทุกคนที่นั่งอยู่ในวงล้อมสายศีลบริเวณลานพิธีเสร็จแล้วแกก็จุดเทียนเล่มใหญ่ตั้งบนแอกตก้นขันทองเหลือง ที่วกำลงในขันน้ำมนใบใหญ่เริ่มสำรวมจิตเป็นสมาธิระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณละคุณครูบาอาจารย์ก่อนที่จะบริกรรมคาถาปลุกเสกน้ำมนตก็มึมงำ พ, มพึมพาอยู่พักใหญ่เสร็จแล้วก็เรียกลูกศิษย์มาช่วยกันยกขันน้ำมนเดินไปหยุดยืนใกล้ร่างนางสมใจผู้ป่วยก็เอาย่าฝกที่เป็นกรรมถือในมือลงไปแช่ในขันน้ำมนแล้วก็ยกขึ้นประพรม ปื้ดใจเดียวร่างที่แทบจะเคลื่อนไหวเดินเหินด้วยตัวเองไม่ได้ของนางสมใจก็เริ่มขยับขยืขย่นและลุกขึ้นนั่งได้อย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์สายตาของคนตังเยอะก็จับจ้องมองดูอยู่หมอบุญยืนก็บอกเออสมใจเอ้ยอ้ไปจัดการเอาเครื่องเส้นไหว้ใส่ใบศีสะก่อนไปเสร็จแล้วจะได้เริ่มพิธีสิ้นเสียงหมอบุญยืนนางสมใจก็ลุกขึ้นไปยืนก้าวเดินไปที่ใบศีก้าวชั้น สูงกว่าหัวคนอีกนะเดินไปอย่างแข็งแรงไม่มีอาการเจ็บป่วยหลงเหลืออยู่เลยท่ามกลางสายตาหลายคู่ที่มองกันอย่างชงวนสนเทพอจัดการนำข้าวของเช่นพวกดอกดาวเรืองข้าวตอกดอกไม้เครื่องเส้นไหวอื่นๆทั้งหมดเก้าอย่างใส่ใบสีเรียบร้อยหมอบุญยืนก็ให้ลูกศิษย์เอาขันน้ำมนต์ไปให้ใหญ่สมใจในี่พรมใบสี ก่อนที่จะเรียกให้ไปแต่งหน้าทาปากจนนวลผ่องริมพิปากแดงชัดน่ะแบบกุมารทองแล้วก็ให้เข้าไปนั่งขัดสมาธิประจันหน้าคำหมอเนี่ยเอามือสองข้างวางหงายบนหัวเข่าให้ปลายนิ้วชนกันหมอบุญยืนก็นั่งสมาธิเหมือนกันหันหน้าชนกันก็เริ่มบริกรรมคถาเงือ ม, มงืมงืมเงืฟังไม่ได้สับเดี๋ยวเดียวร่างยาสมใจก็เริ่มมีอาการงุกเงี้ยงงวนเงินเหมือนจะล้มแต่ก็ไม่ล้ม กระทั่งหมอบุญยืนเปล่ปาคาถาพรวดสุดท้ายลงไปบนกระมม่ม์นะเสียงนางสมใจก็ดังขึ้นทันที <c ười> ขอบคุณพ่อหมาขอบคุณเจ้าพ่อหลักเมืองนะที่ช่วยช่วยให้หนูแดกสายร่างนี้ทําความดีช่วยเหลือเจ้าวบ้านให้อยู่ที่มีสุขขอบคุณเจ้าพ่อหลักเมืองนะเสียงของยายสมใจนี่ไม่ใช่เสียงเก่าแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเป็นเสียงเด็กอายุไม่กี่ขวบ ตอนนี้ร่างแก่กลายเป็นที่ประทับทรงของเทพกุมารทองไปแล้วเทพกุมารทองพูดแค่นั้นก็ลุกขึ้นยืนร่ายรำอย่างเบิกบานสำราญใจกระทั่งหมอบุญยืนก็บอกเอาละพอได้แล้วกุมารเลยเอาไว้วันอื่นค่อยรำเถอะวันนี้ร่างเขาเพิ่งจะฟื้นไข้ให้เขาได้พักผ่อนก่อนเถอะเทพกุมารทองในร่างยายสมใจก็หันไปมองอย่างไม่พอใจเพราะว่าอยากจะรำเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนชักดิ้นชักงอ เหมือนกับเด็กๆที่ถูกพ่อแม่ขัดใจเสร็จแล้วก็ออกไปเสร็จแล้วอย่าสมใจลุกขึ้นนั่งมองคนโน้นทีมองคนนี่ทีอ่าแล้วก็บอกมาทําไมกันนะไม่มีงานทํากันหรือไงมาทําอะไรกันก็มีแต่ว่ามีก็ไปสินางเมียไปหาข้าวมาให้แม่กินทีที่หิวแล้วเว้ยนางละเมียลูกสาวก็ลุกขึ้นทั้งที่ยังไม่หายงงอ่าตอนที่ผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็มองหน้ากัน ไม่อยากจะเชื่อว่าย่าสมใจจะหายแล้วลุกขึ้นมาทำปากดีว่ากล่าวชาวบ้านได้คนบ้านใกล้เรือนเคียงต่างก็รู้ดีว่าปกติเนี่ยนางสมใจเนี่ยเป็นคนช่างพูดเข้าขั้นปากจัดทีเดียวอ่าเสร็จแล้วตอนป่วยเนี่ยไม่ค่อยพูดอะ่ะเกือบจะไม่พูดเลยในช่วงล้มป่วยอ่ะยังไม่ไปอีกยังมายืนมองอยู่ได้นั่งรออะไรหรือว่าจะอยู่กินข้าวด้วยกันเอ อ, เ, อ, อเปล่าแล้วจ่ะกำลังจะกลับอยู่พอดี ตาแดงคนบ้านใกล้ก็รีบออกปากแล้วก็ลุกขึ้นเดินจากไปอย่างเกรงเกรงหมอบุญยืนก็เฝ้ามองด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าต้องการในนางสมใจนี่ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับการเป็นร่างทรงก็เลยแนะนำถึงข้อปฏิบัติที่จะต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความบิบัติเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหนะ้าเออนี่แม่สมใจฟังฉันให้ดีนะตอนนี้แกเป็นร่างทรงเทพกุมารทองแล้ว ไม่ใช่ใหญ่สมใจคนเก่าแล้วนะเพราะฉะนั้นแกจะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลในธรรมให้อยู่ในศีลห้าสื่อสัตว์สุจริตไม่โลภโมโทสันทรัพย์สินเงินทองของใครต้องช่วยคนโดยที่ไม่หวังอามิสศินจางจะเข้าสงได้เฉพาะเวลาเก้าโมงช้าถึงสิบเอ็ดโมงแล้วก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มวันธรรมดานะส่วนวันพระห้ามเข้าสงเด็ดขาด ห้ามทำเสน่หยาแฝดให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นแกกับครอบครัวลูกหลานจะประสบภัยพิบัตินะจำคำของข่าวไว้ให้ดีนะเออจ้าหมอไม่ต้องห่วงอ่ะฉันจะไม่ลืมเลยสักครองเอาละดีมากเอาละเสรจทุระแล้วค่าจะต้องกลับสักทีหมอบุญยืนยกก้าวลงบันไดไปแล้วเพื่อนบ้านหลายคนก็มารุมล้อมใยสมใจเพื่อสอบถามอาการเจ็บป่วยและท่าทาง ประหลาดประหลาดของแกเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นยังไงมั่งไงแม่สมใจยังเจ็บปวดตรงไหนอีกเปล่าวะหายแล้วไม่มีตาดูหรือ ย, ยังไงอ้าวข้าวละไปหากันถึงไหนวะนี่ฮะทาไมไม่ยกสำรับมาสักทีมาแล้วแม่มาแล้วแม่มแห ม, แมลุกขึ้นได้ก็โวยวายเลยนะนางละเมียดว่าพลางก็ยกสำรับกับข้าวมาวางตรงหน้าแม่ นับแต่ได้เป็นร่างส่งใ ย, ยสมใจก็ให้บริการช่วยเหลือชาวบ้านตามกฎเกณฑ์ที่หมอบุญยืนสั่งไว้อย่างเคร่งครัดเรื่อยมาอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของเวทมนต์คาถาดูมันจะทรงประสิทธิภาพบันดาลผลในผู้คนสมปรารถนาจกนกระทั่งเป็นที่เรื่องลือชื่อเสียงชั่วระยะเวลาไม่ถึงปีโดยเฉพาะการใบหวยนี่แม่นยังกระตาเห็นคนที่รู้ข่าวก็ลังหลยกันมาไม่ขาดสาย พร้อมเงินทองข้าวของซึ่งเป็นลาบสการะก้อนใหญ่ที่ใครๆก็นำมาประเคนให้ถึงบ้านใหญ่สมใจคนนั่งนับเงินค่า ย, ยกครูในแต่ละวันอย่างยินดีปรีดาไหนจะเสือ้อผ้าเครื่องแต่งกายหลากหลายแพรพันสีสันผู้คนจัดหามาเส้นมาไหวสมนาคุณมันก็ทำให้จิตใจของนางสมใจเริ่มหวั่นไหวไข้เขวหลงลืมคามั่นสัญญาที่ให้ไวกับหมอบุญยืนจนหมด เอ้ไอค่ายกครูหกบาทต่อครั้งต่อคนนี่มันมันไม่เหมาะไม่สมหรอกมันควรจะเป็นคนละหกสิบบาทนะแล้วก็ให้ซื้อดอกไม้ธูปเทียนที่เราเท่านั้นไม่ต้องเอามามาซื้อที่เนี่ยที่ตําหนักของเรางี่นะค่าสะเดาะเคราะห์ก็ต้องแยกคิดต่างหากจากค่ายกครูอีกสักสองร้อยสามร้อยนะส่วนค่าทําเสน่ห์นี่เอาสักหกพันก็แล้วกันหกพันต่อคน อย่างนี้ถึงจะเหมาะสมถูกต้องแล้วนะนางสมใจหัวเราะร่วนนึกกระยิมยิ้มย่องถึงเงินทองที่จะหลั่งไหลเข้ามาแล้วกิจศัพท์การทาเสน่หยาแฝดากคเมียพาคผัวของยายสมใจก็ดังกระชอนไปเข้าหูหมอบุญยืนวันหนึ่งแกก็รีบมาเตือนด้วยความเป็นห่วงแม่สมใจ่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฉันเป็นห่วงแก ไม่อยากให้ทำเสน่ห์เลยมันเป็นบาปแล้วผลมันจะตกมาถึงแม่สมใจและลูกหลานเอาแค่อาบน้ำมนต์รักษาคนดูดวงทํานายทายทักไปก็พอแล้วที่จริงฉันก็ไม่อยากจะทำหรอกแต่พวกชาวบ้านก็มารบมารา้าร้องห่มร้องไห้ฉันสงสารเนะี่ยก็เลยช่วยมันไปนางสมใจจีบปากจีบคอพูดนั่งคุยกันต่ออีกพักหมอบุญยืนก็ลากลับไป หลายวันต่อมามีผู้หญิงสองคนมาหาขอให้ช่วยทําเสน่ห์เรียกผู้ชายสามีที่หนีไปหาเมียหลวงอ่ะก็ขเขามีลูกด้วยกันอ่ะแต่ว่าจะให้กลับมาหาเธออย่างเกา่าใหญ่สมใจก็ทํา ท, ทีอิดออดอิดอด อ, ดอดเหมือนจะไม่รับปากแต่แล้วพอผู้หญิงเขาเสนอรางวัลเป็นเงินเป็นหมื่นนี่แกก็ตาลุกวาวเอาละ่ะอย่างนี้คุณกลับไปก่อนนะแล้วอีกสามวันค่อยมา ทำไมนานนักล่ะป้าฉันต้องทำหุ่นขี้พึ่งสองตัวแล้วเอาไปทำพิธีปลุกเศษก่อนมันต้องใช้เวลาอย่างงั้นเหรออืมเออแล้วมีค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกก็เปล่า อ, อ่ะเออไม่ต้องร็อกหรือถ้าจะมีอะไรพิเศษถาวายท่านเทพกุมารทองก็แล้วแต่พวกคุณก็กแล้วกันเอาแล้วใหญ่สมใจแกไม่เชื่อหมอบุญยืนอ่าเพราะความโลภของแก อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับยายสมใจทำพิธีปลุกเสกขุนขี้ผึ้งด้วยวิธีตามไสยศาสตร์มนต์ดำของแกเสร็จแล้วปรากฏว่าสามวันผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มาไม่มารับของยายสมใจก็เลยเอาขุนขี้ผึ้งไปซุกไว้ใต้ที่นอนของแก รุ่งขึ้นวันนั้นเป็นวันสงกรานต์บรรดาญาติพี่น้องลูกหลานของแกก็มาเยี่ยมแล้วก็พาไปทำบุญที่วัดกันหมดเหลือแต่เพียงทิดมั่นลูกเขยซึ่งอาสาเฝ้าบ้านเมื่อไม่มีอะไรจะทำลูกเขยขยันก็เลยคิดจะเอาข้าวของเครื่องใช้ที่หลับที่นอนของแม่ยายไปซักทำความสะอาดพร้อมทั้งกวาดถูห้องนอนให้แกเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่แบบไทยๆสงกรานต์น่ะนะเสร็จแล้วตอนที่ทาความสะอาดก็ เจอหุ่นขี้พึ่งสองตัวก็เก็บใส่กระเป๋าังเกงเอาไว้เพื่อจะสอบถามแม่ยายพอจัดการงานบ้านเสร็จทิดมั่นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าจะเข้าห้องน้ําเป็นเวลาเดียวกับปราณีลูกสาวคนที่สองของนางสมใจซึ่งเป็นภรรยาของเขาเนี่ยกลับมาพอกลับมาถึงบ้านปราณีก็คิดจะซักเสื้อผ้าก็คว้าเอาเสื้อหังเกงสามีและลูกๆใส่ลงไปในเครื่องซักผ้ากระทั่งเครื่องทํางานปั่นผ้าแล้วก็บีบน้ํา ได้ที่ก็หยิบเสื้อผ้าจากเครื่องใส่กระมังเพื่อเอาไปตากตอนที่หยิบผ้าขึ้นสะบัดจะใส่ไม้แขวนเสื้อก็เห็นเศษที่พึ่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระเด็นออกจากเสื้อแล้วก็ออกมาจากกางเกงด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรก็คิดว่าคงเป็นเศษดินน้ํามันที่ลูกชายเอามาเล่นแล้วก็เผลอลืมทิ้งไว้ในกระเป๋ากางเกงบ่ายวันนั้นเองทิดมั่นพร้อมด้วยนางปราณีแล้วก็ลูกๆ ก, ก็พากันไปเที่ยวที่วัดไปดูงาน งานสงกรานต์นะเสร็จแล้วก็ไปเสียเส่ยงเซมซีนะขยาวกันทั้งผัวทั้งเมียแต่ปรากฏว่าได้เบอร์เดียวกันนะได้เลขเดียวกันซ้ำรายข้อความในใบทำนายทำให้สองสามีภรรยาถึงก็นั่งซึมนะต้องขยำมันทิ้งแล้วก็ปลอบภรรยาบอกอม่มันไม่จริงหรอกปานีอย่าคิดมากไปเลยเหลวไหลมันก็ไอกระดาษแผ่นเดียวนะหมอดูคู่กับหมอเดาไวแล้ว คนอื่นเขาก็ขย่าวได้ใบนี้กันเยอะแยะถ้ามันจริงนี่ครอบครัวพวกเขาก็พังกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วทีนี้คําพูดของน้องเขยเนี่ทําให้นางลําเมียดพี่สาวของนางปราณีซึ่งเฝ้ามองอยู่ก็นึกสงสัยก็เก็บใบเสียมซีนั้นขึ้นมาอ่านในใบเซียมซีนั้นก็บอกว่าใบที่หกนรกถามเพราะกรรมชั่วลูกเมียตัวญาติมิตรสนิทใกล้ต้องกระเสือกกระสนจนวันตาย เพราะการร้ายให้พลัดพรากทั้งผัวเมียให้ตระหนักทำดีพลีกุศลเพื่อท่งผลกลายดีไม่มีเสียพรอนพันทุกปลดยากเรื่องผัวเมียมีแต่เสียใบนี้ไม่ดีเลยละเมียดอ่านจบก็เอาไปไว้ที่ตัดพระพุทธรูปแต่เอาไปใบเดียวอีกใบนึงก็ละเมียดก็เก็บเอาไว้เพื่อจะเอาไว้ให้แม่ดูที่บ้านคืนวันนั้นเองปราณีภรยาทิศมัน ตอนใกล้สว่างก็ลุกขึ้นเตรียมหุงหาอาหารและต้มน้ำร้อนไว้ชงกาแฟเสร็จแล้วตอนที่เดินไปถึงประตูห้องครัวก็ต้องสะดุง้งตกตะลึงตาค้างยืนจังงังอยู่กับที่เพราะว่าเห็นเงาผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งยืนขวางประตูมีเชือกสีขาวคล้ายๆได้สายสินผูกติดกันทั้งคู่ก็มองหน้าเธออย่างเครียดแค้นเสียยิ้มใบหน้าแตกระแหงหัวเราะอืออ่เสร็จแล้วก็ทาหน้าตาบิดเบียเย้ยวเยเก โอดโอยแขนขาบิดไปบิดมาแล้วหลุดออกมาทีละข้างทีละข้างเหมือนกับหุ่นดินน้ามันที่โดนเครื่องเครื่องซักผ้านี่ปัน่นจะหลุดออกมาทีละชิน้นทีละชิน้นนะแขนขาหลุดออกมาหมดพร้อมทั้งหัวก็หลุดร่วงพื้นดินกลิ้งไปหยุดที่เท้าของนางปราณีเท้านั้นเองนางปราณีกรีดร้องสุดเสียงก่อนที่จะสุดร่างหงายตึง ในตานีเหลือกลานทิดมั่นได้ยินเสียงสะดุ้งตื่นลุกพรวดออกจากห้องนอนก็ร้องตะโกนถามเมียว่าเป็นอะไรวิ่งไปถึงหน้าห้องครัวเห็นร่างนางปราณีลงไปนอนบนพื้นบ้านหน้าตาซีดตากรอกไปกรอกมาเหมือนกำลังกลัวสุดขีดนะเสร็จแล้วก็บอกผีผีนางปราณีก็หลุดปากละล่ำละลักอย่างวาหวาดผวา สามคืนต่อมาภาพการคุกคามจะเอาชีวิตของหุ่นขี้พึ่งคู่นั้นก็ยังคงติดตามรบควนนางปราณีจกนกระทั่งเกิดอาการประสาทหลอนทิดมั่นก็เป็นห่วงเมียว่าจะสุดหนักก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลในตัวจังหวัดแต่หลายวันผ่านไปอาการก็ยังไม่ดีขึ้นหมอก็ต้องสั่งให้ทิดมั่นเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าปราณีจะมีอาการประสาทหลอนแล้วลุกพวดพลาดออกจากเตียงผู้ป่วยจะทาให้เกิดอันตรายได้ ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจจะหยุดยั้งเหตุการณ์เลวร้ายได้คือนั่นตอนหัวค่าทิดมันก็ปลีกตัวออกมาจากเตียงผู้ป่วยหลบไปสู่บุรีที่บริเวณระเบียงด้านนอกเสร็จแล้วเวลานั้นปราณีก็ลุกออกจากเตียงกรีดร้องกรีดกรีดกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าทาฉันเลยท่ามกลางสายตาคนป่วยหลายคู่ที่ยังไม่หลับปราณีก็วิ่งพวดพลาดตรงไปประตูที่เขาเปิดไปบันไดหนีไฟข้างตัวอาคาร แล้วกระโดดพุ่งหลาวลงไปข้างล่างาไปยังพื้นซีเมนเบื้องล่างทันทีที่ร่างตกกระแทกพื้นกระดูกศรีษะแขนขาของปราณีก็แหลกเป็นชิ้นไม่ต่างจะกขุนขี้พึ่งที่ถูกปัน่นนอนจมกองเลือดอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วทิดมันกูวิ่งลงไปประคองร่างอ่อนระทวยเหมือนกระไรกระดูกขึ้นมา น้ำตานี้ไหลรินออกมาเสียงสะอื้นร่ำไห้เป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นงานศพของปราณีผ่านพ้นไปหลายวันทิศมั่นยังคงซึมเศร้าแล้วก็เริ่มมีอาการหวาดผวานะบ่อยครั้งที่เขาสะดุง้งตื่นลุกพรวดร้องตะโกนดา่าทอเสร็จแล้วก็ควา้าสิ่งของเครื่องใช้ใกล้มือคว้างปาสิ่งที่เห็นในภาพหลอนจนแตกหักเสียหายใช้การไม่ได้ญาติพี่น้องต่างก็หวาดผวาว่าสักวันหนึ่งอาจจะมีใครโชคร้ายโดนลูกหลง เสรแล้วสิ่งที่พวกเขาคาดคิดก็เกิดขึ้นย้อนได้คือ น, นั้นทิดมั่นมีอาการประสาทหลอนคว้าปืนจากใต้หมอนออกมากระนํายิงอย่างบ้าคลั่งนะยิงเปรี้ยงเปรียปร้ยงแต่แล้วก็มีเสียงยายสมใจรอ้องอ่าร้องโอ้ยโอยว่าฉันถูกยิงช่วยด้วยนางสมใจในร้องทวญครางของความช่วยเหลือลูกหลานเพื่อนบ้านใกล้เคียงตื่นตระหนกพากันมาจับตัวทิดมั่นไว้ก็นําร่างโชคเลือดของยายสมใจส่งโรงพยาบาล ทิศมั่นถูกตำรจวจควบคุมตัวไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแต่ว่าเขาไม่สามารถจะให้การได้เพราะยังมีอาการหวาดผวาพูดจาวกวนสับสนตำรวจก็นำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อตรวจสอบอาการป่วยในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าเขาเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งจําเป็นจะต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วนส่วนตัวยายสมใจหลังจากที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลแกก็ถูกนำตัวกลับมานอนพักอยู่ที่บ้านนานเป็นเดือน อาการป่วยก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะว่ากระสุนทะลุไปโดนกระดูกไขสันหลังระบบประสาทเป็นอัมพาตท่อน ล, ล่างเดินเหินเคลื่อนไหวได้วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยลูกหลานช่วยประคองให้ลุกนั่งบนรถเข็นถึงจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ส่งผลกระทบถึงอาชีพร่างทรงของแกอย่างถึงที่สุดการทำนายทายทักก็ไม่ได้แม่นยำเหมือนเดิมเวทมนต์คาถาก็เสื่อมสิน้น ผู้คนที่เคยศรัทธาไปมาหาสู่ก็ร่อยรอลงทุกวันเงินทองที่เคยได้เคยมีก็เริ่มขาดมือชะตาชีวิตของยายสมใจก้าวมาถึงช่วงขาลงได้รับความเดือดร้อนทุกทรมานอย่างหนักทั้งกายทั้งใจลูกหลานส่วนใหญ่ก็อยู่ห่างไกลก็มีเพียงละเมียดลูกสาวคนโตที่เฝ้าพรนิบัติดูแลอยู่ตามลำพังละเมียดก็คุ้นคิดว่าเอ๊ะทาไมถึงเป็นไปตามคาทานายทายทักในเสียมซีใบนั้นได้นะ แล้วก็ต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็เอาใบเซียมซีออกมาอ่านตั้งใจจะเอาไปให้หมอบุญยืนดูเพื่อจะหาทางช่วยเหลือให้เรื่องร้ายๆบรรเทาเบาบางลงไปพ่อหมอพ่อหมอช่วยแม่หน่อยนะอย่าให้เป็นอะไรมากไปกว่า น, นี้เลยเออละเมียดเอ้ยมันสายไปแล้วข้าเคยเตือนแม่อิงแล้วแล้วเขาก็ไม่เชื่อแล้วมาถึงขั้นนี้แตใครก็ช่วยไม่ได้หรอก อย่างนี้ต้องทําใจยอมรับผลกรรมไปเถอะหมอบุญยืนก็พูดให้ปลงอ่าก็ใช่อย่างที่หมอบุญยืนพูดนั่นแหละใครเล่าจะปฏิเสธผลการกระทําของตัวเองได้ไม่ว่า ด, ดีหรือชั่วบุญหรือบาปทุกคนย่อมได้รับเองอย่างยุติธรรมสะสมกับสิ่งที่ได้กระทําลงไปไม่ช้าก็เร็วเรื่องของเวรกรรมบาปบุญนี่มีเล่าให้ฟังกันทุกวันนะครับสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ คุณมาลัยเล่าให้ฟังว่าคุณมาลัยตอนที่บวชเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในกิงอำเภอหนองบุญนาคเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางปี2528นะครับในฤดูข้าบรันรษาที่วัดนี้มีพระภิกษุสามเณรจำบันษาอยู่มากพอสมควรมีแม่ชีด้วยแม่ชีมาลัยก็รับหน้าที่ช่วยงานสอนธรรมะตามที่ท่านอาจารย์ได้มอบหมายให้วันหนึ่งปรากฏว่า แม่ชีมาลัยก็ขึ้นไปบนกุฏิใหม่เพื่อจะร่วมทำวัดเย็นกับเหล่าสหทันมิกทั้งหลายและเพื่อฟังคำอบรมจากครูบาอาจารย์ในขณะที่นั่งสวดมนต์ทำวัดเย็นกันอยู่นั้นแม่ชีมลัยมีความรู้สึกว่าจิตใจมันร้อนรอ น, ร อ, นอึดอัดยังไงไม่รู้ก็เลยหยุดสวดมนต์หันมานั่งทำสมาธิอย่างเดียวคิดว่าจะให้ใจสงบาหายจากการร้อนรอ น, ร อ, นอึดอัดใจแต่ก็เกิดอาการร้อนร้อ น, อนแสบแสบคันคั น, นตา ม, ต, ามตัว แกก็พยายามอดกั้นไว้จนกระทั่งจบสิ้นการทําวัดเย็นในวันนั้นจากนั้นอาจารย์ผู้เป็นผู้ปกครองภิกษุสามเณรตลอดจนแม่จีในวัดก็สั่งให้แม่ชีมาลายเนี่ยสอนนักธ ร, รมโทแทนท่านเพราะว่าติดธุระปกติทุกวันแม่ชีมาลายจะรับสอนนักธ ร, รมตรีเวลานั้นจิตใจของแม่ชีอยู่ในสภาวะที่ว่าน่ะเนี่ยก็ไม่ทราบว่ามีอํานาจอะไรบันดาลให้ ตอบอาจารย์ไปว่ากูไม่สอนไม่ทำมึงรู้ไหมว่าครูเป็นใครแม่ชีพูดได้แค่นั้นก็แทบจะร้องไห้โหบอกไม่ถูกว่าทำไมเราถึงพูดไปอย่างนั้นพยายามที่สุดที่จะห้ามคำพูดตัวเองแต่เมื่อคิดว่าต่อสุขภาวะที่ว่านั้นไม่ไหวก็รีบลงจากที่ทำวัดมาที่ถนนบริเวณวัดโดยไม่คำนึงถึงพระเนรที่ได้ยินคานั้นจะคิดยังไง แม่ชีก็เดินไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เข้าเขตป่าซึ่งเป็นที่เก็บศพเวลานั้นก็เดินไปก็ร้องไห้ไปด้วยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรในขณะที่เดินไปนั้นโสตประสาทของแม่ชีก็ได้ยินพระเนนท่องบนสาทยายมนยิ่งได้ยินเสียงพระสวดมนยิ่งทําให้แม่ชีแครนเคืองในอารมณ์เป็นอย่างยิ่งอ่าในที่สุดตัดสินใจหันหลังกลับเดินเข้าไปที่ห้องพักตัวเองไปก้มกราบพระพุทธรูปที่อยู่ในที่พัก ระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็ยกน้ำมนต์ซึ่งไปเอามาจากหลวงพ่อขึ้นมาดื่มตั้งจิตอธิษฐานให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกด้วยเถอะไม่รู้ว่าลูกเป็นอะไรนะพระเครื่ององค์เล็กๆที่มีอยู่บนหิ้งพระได้ปรากฏชัดนะพอแม่ชีเหลือไปมองแล้วก็เอื้อมไปหยิบมาแล้วก็ภาวนาบอกสาธุด้วยเดชแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ย้งช่วยปกป้องคุ้มครองอย่าให้มีอันตรายใดๆกล่ำกลายลูกเลยก็อธิษฐานอยู่ในใจเสร็จแล้วเอาพระเครื่องมาทาบไว้ที่อกเหมือนหนึ่งว่าจะให้เป็นเกาะคุ้มกันตัวเองค่อยๆเอ็นตัวลงนอนพร้อมกันนั้นก็ภาวนาในใจว่ารู้หนอรู้หนอซึ่งเป็นการกําหนดรู้สภาวะาจิตของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วในที่สุดก็ไม่หลับไปแม่ชีมาลัยอาศัยอยู่ในกุฏิเดียว ก, กันกับแม่ชีอีกสี่ท่านเป็นคนแก่ซะสองท่าน เป็นสาวสองท่านแม่จีที่มีอายุมากที่สุดในนั้นนะ่ะมีชื่อว่าแม่ชีแตงอ่อนรองลงมาก็คือแม่ชีทองมีแล้วที่เป็นสาวยังอา ย, ยุน้อยๆอยู่ก็คือแม่ชีประเยาวกับแม่ชีบุญสมปกติที่วัดนี้จะมีการทําวัดสวดมนต์พร้อมทางฟังเทศนาเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วหลังจากตื่นนอนเมื่อได้ยินเสียงระฆังดังขึ้น แสดงว่าให้ทุกคนที่อยู่ในวัดเข้าที่ประชุมพร้อมที่จะร่วมกันทำกิจที่ว่านั้นพอตีสี่ตอนนั้นก็เหลือบมองนาฬิกาที่ติดอยู่กับต้นสาวกุติแม่ชีทุกท่านก็ไปรวมกันทำวัดเช้ายกเว้นแม่ชีแตงอ่อนซึ่งไม่ได้ไปเพราะว่าป่วยมาสามวันแล้วเป็นโรคลมโรคคนแก่ซึ่งจะกาเริบขึ้นเมื่อไรก็ได้ เสร็จแล้วพอแม่จีเขาทาวัดจนเสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายกลับที่พักแม่จีมาลัยกับคณะก็ลงมาจากที่ทําวัดเพื่อมาที่กุฏิของตัวเองขณะที่เดินคุยกันมาตามปภาษาคนอยู่ร่วมกันพอจะขึ้นกุฏิก็ได้ยินเสียงร้องไห้สะอื้นทุกคนนิ่งฟังก็คิดว่าขณะนั้นจิตใจทุกคนของมุ่งไปที่ยายแตงอ่อนอ่าเสร็จแล้วคุณแม่จีมาลัยก็พูดขึ้นก่อนเพื่อนบอกว่าเอ๊ะ ใครใครได้ยินบ้างเนี่ยเสียงยายแตงอ่อนร้องไห้นี่แม่จีมาลัยก็รู้สึกสงสารยายจับใจเพราะว่าคนแก่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมต้องการลูกหลานให้อยู่ใกล้เพื่อเป็นกําลังใจแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยยายแตงอ่อนป่วยไม่สบายครั้งนี้อาหารก็ไม่ค่อยได้ทานประกอบประป่วยมาถึงสามวันแล้วพอขึ้นกุฏิแล้วต่างคนต่างก็คุลีกุจอกันทําอาหารเพื่อถวายพระเนนร่วมกับชาวบ้านซึงมากันทุกวัน ส่วนแม่ชีมาลัยนะ่ะจัดการติดไฟต้มน้ําร้อนพอน้ําเดือดแล้วก็จัดการชงโอนตินเพื่อเอาไปให้ยายแตงอ่อนอ่าพปกิดว่าถ้ายายแตงอ่อนได้ดื่มอะไรร้อนๆก็คงจะดีขึ้นยายแตงอ่อนยังคงนอนอยู่ในมุ้งนั่นเองพอแม่ชีมาลัยเข้าไปใกล้เปิดไฟเอื้อมมือไปเปิดมุ้งขึ้นยายแตงอ่อนก็นั่งในท่าขัดสมาธิแต่ว่านั่งร้องไห้ซิกซิ ก, กอยู่อ่าแม่ชีมาลัยก็เอื้อมมือไปจับแขนยายแตงอ่อนเบาๆแล้วก็บอกว่ายาย ยายไม่สบายมากเหรอหนูชงอวันตินมาให้อ่ะเดือมสิจ๊ะจะได้มีแรงมั่งเสร็จแล้วก็ส่งอวันตินให้ยายแตงอ่อนเฉยไม่ยอมรับน่ะแม่ชิมาลัยก็ขยันขยออีกครั้งหนึ่งคราวนี้ยายแตงอ่อนหันหน้าควับจ้องหน้าเขาเม็งเลยอ่าแม่ชีมาลัยใจหายวาบเลยแต่ก็ทําใจดีไว้ก่อนเพราะไม่เคยเห็นสายตายายแตงอ่อนทุกครั้งเป็นอย่างเวลานี้ ยายแต ง, PI, งอ่อนพูดขึ้นชัดถ้อยชัดคากูไม่กินกูไม่กินของพวกมึงเอาออกไปพ้นน่ะของที่กูอยากกินของที่กูหิวทำไมพวกมึงไม่ให้กูกินพราได้ยินอย่างนี้ความน้อยใจและเสียใจก็ประดังขึ้นมาแม่จีมาไัยก็รีบถอยออกห่างเสร็จแล้วก็กินในใจเอ๊ะทำไมยายแตงอ่อนพูดกับเราอย่างนี้นะเราทำอะไรผิดใจหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้เอาใจใส่ยายแตงอ่อนเท่าที่ควร แต่ว่ายายแดงอ่อนก็น่าจะเข้าใจเพราะว่าภาระเราเยอะเอ๊ะแล้วยายแดงอ่อนแกเป็นอะไรไปแกไม่เคยพูดอย่างนี้กับเรานี่เสร็จแล้วแม่ชีแก่กรูปหนึ่งคือยายบุญมีเห็นแม่ชีมาลัยถอยห่างพร้อมกับทาหน้าม้อยก็ร้องบอกออกไปบอกว่าเอ้ยหิวอะไรอยากอะไรก็บอกกันพูดกันดีๆก็ได้ ทำไมต้องไปพูดกูกูมึงมึงด้วยอย่างนี้เด็กมันก็เสียใจนะสิยายบุญมีกับพูดจบก็เดินมาดูยายแตงอ่อนยายแตงอ่อนเวลานั้นไม่ทราบว่าเป็นยังไงพูดมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครให้มีเดี๋ยววะกูอยู่ที่นี่มานานแล้วนะพวกมึงรู้หรือเปล่ายายบุญมีก็บอกอ้าวใครจะไปรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนล่ะแล้วแม่คุณจะกินอะไร หิวอะไรกินข้าวต้มนะเดี๋ยวจะต้มให้กูไม่กินกูไม่กินของพวกมึงกูจะกินไก่กับเหล้าพูดพรางยายแตงอ่อนก็ร้องไห้โหทุกคนในที่นั้นก็ตกใจอ่าเสร็จแล้วแม่ชีบุญมีก็บอกว่าอะไรนาะยแกจะกินอะไรจะไปเอาไก่เอาเหล้าที่ไหนแม่ชีเขาห้ามกินเหล้านะไก่ก็มีแต่ไก่เป็นเป็นจะไปฆ่าให้กินได้ยังไงเฮใหญ่แตงอ่อนก็ร้องไห้หนักขึ้นไปอีก มีอะไรก็เอามาให้กูกินก่อนเพราะกูหิวเหลือเกินทุกคนต่างก็ออกความเห็นกันว่าเอ๊ะทาไงดียายบุญมีเสนอข้าวต้มให้อ่ายายจังอ่อนปากดีเฮียกับพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวกูหักคอให้หมดเลยเสร็จแล้วแม่ชีมาลัยก็ตัดปัญหาเอาหมูเค็มกับกล้วยอ่าเขียวๆไปให้ลูกหนึง่งยายจังอ่อนก็รีบตัวสั่นรับมากินลักษณะการกินก็คือจับก็มาดมๆเท่านั้นเองยายบุญมีมีบอกว่า เอ๊ ه, กินแบบนี้มันผีกินนี่วระเพอรู้ว่าผีเขา้าแม่ชีแต่งอ่อนเท่านั้นและแม่ชีมาลายกลัวใหญ่เลยสัญชาตญาณความกลัวก็รีบเข้าห้องตัวเองไปกราบพระพุทธรูปหยิบพระเครื่องที่ตัวเองยึดเป็นที่พึ่งเมื่อคืนนี้เอามาไว้กับตัวเองเสร็จแล้วก็เดินออกมาทั้งกล้าทั้งกลัวคิดว่าทําใจดีสู้เสือเข้าไปนั่งถามทุกคนก็หยุดทํางานในครัวมานั่งดูแล้วก็มาชื่อกันพูดอ่า แม่ชีมาอไราก็พูดก่อนเพื่อนบอกว่าเออแล้วแล้วเป็นใครมาจากไหนและเนี่ยต้องการอะไรถึงได้มาสิงใหญ่แตงอ่อนอย่างนี้กูเป็นปู่ตาอยู่ที่สารไกรวัดเนี่ยกูหิวปีนี้ไม่มีใครเลี้ยงกูแม่ชีบุญมีก็บอกว่าก็เขาเลี้ยงตั้งแต่สงกรานแล้วอ่ะยังจะมาพูดว่าไม่ได้กินอีก เขาเลี้ยงก็เลี้ยงอยู่แต่กูกินไม่ทันกูยังไม่ได้กินเลยพวกมันนะ่ะผู้อ้างวางแล้วมันก็ยกไปกินกันกูกินไม่ทันทุกคนในที่นั้นก็หัวรเราะกันขึ้นอ่าเสร็จแล้วแม่จีมาลัยก็บอกว่าแล้วปู่ตามัวไปอยู่มุมไหนล่ะถึงชักช้ามาไม่ทันให้เขายกไปกินกันก่อนนะอินังตัวดีนี่อย่ามาพูดปากดีนะกูนี่ว่าจะสิงมึงน่ะแหละที่แรกนะ่ะแต่มึงมันดวงดีกูเข้าสิงไม่ได้ ผีปู่ตาในคราบของยายแตงอ่อนพูดแล้วก็ยกมือชี้หน้าแม่ชีมาลัยเพราะกู้ข้าวมึงไม่ได้พอดีไอ้คนนี้มันป่วยอยู่มาเห็นข้าวก็เลยสิงมันที่จริงก็สงสารมันอยู่จะจะทํายังไงได้เป็นคราวเคราะของมัน่ะแม่ชีมาลัยฟังอย่างนั้นก็นึกถึงเหตุการณ์เมื่ อ, อค่าโอ้ใช่แล้วเพราะว่าผีปู่ตานี่เอง เราถึงได้พูดไม่สุภาพกับครูบาอาจารย์ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าไม่บังควรเลยพอคิดได้อย่างนี้แล้วแม่ชีมาลัยก็รีบไปกราบขอโทษแล้วก็ไปบอกอาจารย์ให้ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับนิมนต์ให้มาดูยายแตงอ่อนด้วยปกติอาจารย์ที่วัดนี้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอย่างนี้แต่เมื่อฟังแม่ชีมาไหลเล่าให้ฟังอาจารย์กับพระภิกษุสามเณรในวัดประมาณสิบรูปก็พากันเดินมาที่กุฏิแม่ชีแตงอ่อนพอขึ้นบนกุฏิเรียบร้อย ยายจางอ่อนนั่งเฉยไม่ยอมกราบพระกราบเนนปกติแล้วยายจางอ่อนเนี่ยเป็นคนอ่อนน้อมนอบน้อมกับพระกะันเนรไม่ว่าบวชใหม่บวชเกา่ายายจังอ่อนถึงได้เป็นที่รักและเคารพเรียกว่าเป็นแม่วัดอ่ะนะแต่นี่ไม่กราบอะเสร็จแล้วแม่จีมาลัยก็บอกว่าปุตตาปุตากราบพระซะสิเห็นไหมพระเนนมากันเต็มเลยอูไม่กราบพระรุ่นลูกรุ่ น, นหลานอย่งนั้นจะให้กูกราบยังไงกูไม่กราบเวย ผีปูตาว่าเขาไปนั่นอ่าแกคงจะถือว่าเกิดก่อนเนะี่เสร็จแล้วแม่จีมาลัยก็บอกตาอยู่ติดกับวัดกับว่าพระเจ้าก็ไม่กราบเดี๋ยวถ้ามึงปากดีนะักกูหักคอซะเลยดีไหมฮะผีปูตาในคราบยา่แตงอ่อนถลึงตาใส่เสร็จแล้วพระรูปนึงก็บอกว่าอ้าวโยมจะหักคอกันเล่นง่ายๆนะไม่ใช่คอไก่คอเป็ดนะโยมกูจะสูบบุรี หาบุหรีไ่ไหมกูสูบนยายเด็พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระจวบก็เอาบุรีแปดห้ายื่นให้ผีปูตามองหน้าบอกสูบไม่เป็นจะสูบบุรี่ใบตองกล้วยอ่าเนนชาติมากับเขาก็บอกว่าตาหัดทันสมัยจะบ้างติปูตานี่มันสมัยใหม่แล้วจะเชยไปได้เออสูบอะไรไม่เขาเรื่องพอเนน ช, ชาติพูดจบเนี่ยพระเนนก็หัวเราะกัน แต่แล้วยายบุญมีก็จัดการหาบุรี่ใบตองมาให้พอได้สู่บุรี่ใบตองแล้วผีปูตาที่สิงร่างยายแตงอ่อนอยู่ก็พูดบอกให้แม่จีมาลัยกับแม่จีบนสมช่วยพยุงให้นั่งในที่สว่างว่างจะได้มองหน้าทุกคนให้เห็นถนัดเสร็จแล้วแกก็บอกว่ากูอยากแกย้ายที่อยู่ต้องการไอ้พวกมึงย้ายให้อยู่ใกล้วัดทรมานเหลือเกินอา้าวอยู่ใกล้วัด น, น, น่าจะดีนะ ได้เห็นพระสองฆ์องค์สมเนรดีที่ไหนมึงอะผีกับพระถูกกันสุดเมื่อใดละ่ะไม่รู้จะพากันสวดอะไรสวดทําไมเวลาสวดที่กูแสบร้อนจนแทบจะทนไม่ได้รู้ไหมยิ่งเวลาเข้าบริว่าสกรรมกูยิ่ ง, งโง่หัวไม่ขึ้นเลยจะสวดหาสวรรค์วิมานอะไรกันไม่รู้ทั้งวันวัดนี้เขาจัดให้มีการเข้าบริว่าสกรรมทุกปีตรงกับเดือนสามขึ้นสามคาที่นี่ศาลเจ้าปูตาที่ว่าเนี่ยอยู่ใกล้ บริเวณพิธีปริวาสกรรมนั่นแหละเพราะว่าเป็นบริเวณป่าข้างวัดแน่นอนละ่ะถ้าเป็นอย่างที่ปู่ตาว่าก็น่าเห็นใจอ่าแกต้องทรมานจากเสียงสวดมนต์ที่ว่าพระไม่ถูกกระีนี่เช้านี้ญาติโยมชาวบ้านก็นําพัะทหารมาถวายพระภิกษุสัมมนเนนแม่ชีเช่นเคยทุกวันพอ ร, รู้เรื่องว่าผีปู่ตายมาเข้าสิงร่างแม่ชีแตงอ่อนตางก็พากันมาดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นประกอบกับเป็นห่วงยายแตงอ่อนด้วย โยมริงซึ่งเป็นโยมอุปถากพระเนนก็ขึ้นมาดูอ่าโยมริงนี่อายุประมาณสักเจ็ดสิบเสร็จผมขาวโพลนเลยอะเสร็จแล้วแม่ชีมาลายก็พูดทะแย่ปู่ตาดูอ่าบอกว่าเดี๋ยวโยมลองขอหวยด้วยสิเผื่อจะรวยโยมริงแกะก็หัวเราะก็กราบลงสามครั้งอ่าเสร็จแล้วก็บอกปู่ตาไหนไหนก็มาแล้วนะมาทั้งทีก็โปรดช่วยลูกหลานด้วยเถอแแะแ้งเหลือเกินอะ นะขอสามตัวบนชัดๆเลยนะเพื่อจะได้มีเงินทำบุญทำทานกับเขามั่ง ช, ะ ช, ะ ช, ะช้าๆแก่จนหัวงอกแล้วจะเข้าโลงพรุ่งนี้มาเลืนนี่ฮะยังจะหาหวยกินกนี่เกยังไม่เจียมเออกูจะไปเอาที่ไหนมาบอกมึงกูผีโบราณ น, นะไม่ใช่ผีสมัยใหม่กูเล่นหวยไม่เป็นอนะ่ะกูเข้าไม่ถึงก็รอเขาแข็งขวายมทอดยม อ, อบถึงนั่งอยู่ด้วย ก็พูดเป็นเชิงบอกเล่ากันก็ออยังงี้นะ่ะสีถึงฤดูเลี้ยงเส้นทีใดเขาก็ขอหวยกันทุกครั้งก็ไม่เคยจะไปบอกอะไรแต่ อ, อะไรเขาเขาถึงได้ไม่อยากจะเลี้ยงไงเล่าเสร็จแล้วแม่ชีบุญมีก็บอกว่าอยู่ใกล้วัดนะก็น่าจะรักษาศีลดูแลวัดวาให้สมกับที่ชาวบ้านเขาเคารพว่าเป็นปู่ตาแล้วทําแบบเนี้ยแม่ปู่พ่อปู่เดินคดเนี่ยจะให้ลูกปู่เดินตรงได้ยังไง ปากดีนักอินอี่เดี๋ยวกูหักคอซะเลยจะให้กูรักษาได้ยังไงศีลของมึงอ่ะถึงเวล า, าเอาเล่าเอาไก่มาเลี้ยงมาเซ็นกูแล้วก็ยังมีหน้ามาชักชวนให้กูรักษาศีลฮะแล้วมึงไปฆ่าไก่ไหมกูกินทําไมทุกคนที่นั่งอยู่ที่นั่นยิ้มยิ้มยกเว้นอาจารย์ที่นั่งอยู่เฉยๆผีปูตาก็บอกว่ากูจะเข้ามันยายชีมีศีลนั่นแหละฮะกูก็เข้าได้ทางงั้นเดี๋ยวคนมันไม่เชื่อ กูน่ะทนมานานแล้วเด็กวัดก็เหลือเกินเอาหนังสเต็กยิงสารกูทุกวันโดนกูมั่งลบท่านมั่งไม่ท่านมั่งหัวสุกหัวสุนของบนสารกูเผลอก็ไม่ได้ขโมยมันหมดน่าจะหักคอทิ้งนะยิ่งอีตัวดีนี่เสร็จแล้วแกก็ชีนะ้หน้าแม่ชีมาอะไรสาคัญนักเดินผ่านหน้าบ้านกูเมื่อไรมันพูดเยอะพูดเยอะปู่ตาทาอะไรอยู่ไปหาบอกหวยชาบ้านบังเจ ถ้าเขารวยบางทีอาจจะได้อยู่บ้านใหม่บ้างนะอย่อยู่ไปเลยบ้านเก่าสปรังเคเนี่ยอยู่บ้านใหม่จะติดไฟให้ด้วยไม่ต้องอยู่มืดมืดอย่างนี้อยู่มืดมืดแก่แล้วเดี๋ยวพลัดตกลงมาขาหากักดูมันพูดให้กูสิมันพูดนะอาจารย์ท้านั่งฟังมานานานก็เลยถามว่าเออแล้วต้องการอะไรอะโยบยายบุญมีก็เลยพูดเสริมอาจารย์บอกว่าก็นั่นนะสิมาทําให้คนเจ็บป่วยไม่หายสักทีมาทําให้แม่ตางอ่อนเขาป่วยเนี่ย ฉีดยาก็แล้วให้น้ําเกลือก็แล้วก็ใครบอกกูเป็นคนทํามันกูเพิ่งจะมาเมื่อเช้านี่แหละมึงป่วยของมึงเองมันป่วยเป็นโรคของมันเองเอาเจยวเนี่ยมึงหาว่ากูทําอีกแล้วเลยอะไรอะไรก็มารุมเอาก็ผีอะไรก็มันป่วยของมึงก็กูเห็นมันป่วยกูก็เข้ามันดันหาว่ากูเป็นคนทําให้มันป่วยเอาละเอาล ะ, จะเจ้ายังไงก็พูดมาพวกมึงต้องย้ายศาลในกูใหม่กูจะไปอยู่นอกเขตวัด ภายในเดือนสามเนี่ยก่อนพระเข้าบริวารแล้วต้องรับรองว่าจะเลี้ยงกูทุกปีไม่ให้ขาดนะคุณแก่ทุกคนก็ร้องเงินพร้อมกันบอกอ้าวก็เลี้ยงทุกปีอยู่แล้วนี่อเออแล้วบ้านใหม่ที่ว่านี่ปู่ตาจะอยู่เสากี่ต้นก็สี่ต้นน่ะสิทําไมถามทําไมอ้าวคนนึกว่าต้นเดียวต้นเดียวมันสารประพูมินีิฮานี่กูจะไปอยู่ยังไงขึ้นลงก็ลำบากพอพูดจาตกลงกันแล้วว่าจะย้ายให้ปู่ตาก็ขอสัญญา ด้วยการตบมือโดยญาติยมแก่ๆที่มานั่งดูอยู่ทุกคนรับปากว่าจะย้ายให้แล้วก็จะรับเลี้ยงโดยมีพระเนนแม่ชีเป็นพยาน เ, ออเดี๋ยวกูจะไปแตพวกมึงสัญญาแล้วนะอย่าลืมทำนะอ้าวหลีกทางให้ปูตาหน่อยอ้าวแล้วปูตาจะลงทางไหนอะนะปูตาก็ชี้ไปด้านหน้าตัวเองไม่มีบันไดพระประจวบก็บอกว่าอ้าวลงได้ยังไงไม่มีบันไดเดี๋ยวก็ได้ขาหักกับเรปูตา เส็แล้วปูตาในคราบยาแดงอ่อนก็เหยียดขาอยากท่าขาสมาธิอ่าจนหมดเรี่ยวหมดแรงพาช่วยกันพยุงให้นั่งอยู่แล้วก็ยาแดงอ่อนก็ถามพอลืมตาเห็นพระเนนญาติโยมมากันเยอะมาทําอะไรกันมากมายล่ะเนี่ยนี่ฉันเป็นอะไรไปอะ่ะเสร็จแล้วยแดงอ่อนก็ก้มลงกราบพระเนรนะแม่จีมาลัยก็บอกว่าเออคราวนี้ไม่ต้องบอกอ ก, กราบเองเลยนะตะ ก, กี้เราไม่ยอมเชย พอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝังแยตแตงอ่อนไม่รู้เรื่องเลยอ่าเพราถามว่าครั้งแรกลราเป็นยังไงที่โดนผีปูตาสิงแกก็บอกว่ารู้สึกมันชาที่นิ้วโป้งนิ้วเท้าก่อนกำหนดไม่ทันเลยชาทั้งตัวแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจากนั้นมาพอถึงเดือนสามชาวบ้านก็ย้ายสารเจ้าปูตาไปไว้ด้านทิศใต้ของวัดพร้อมกับเลี้ยงด้วยหมูเป็ดไก่เล่าแล้วก็เครื่องเส้นอีกมากมาย แล้วนับแต่นั้นมาเหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่มีปรากฏขึ้นมาอีกเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณประกอบเล่าว่าแกรู้จักสประรเรออยู่คนหนึ่งแกเป็นเพื่อนกับลุงของคุณประกอบนี่แหละเห็นแกทีแรกก็นึกกลัวผิวดำตัวเล็กแต่ว่าแข็งแรง ใบหน้าแกน่ะแหละที่น่ากลัวแข็งทื่อยังกับผีเหมือนศพไม่ยิ้มไม่หัวเราะแกเป็นคนยังไงแกก็ไม่เข้าใจคุณประกอบก็ไม่เข้าใจลุงไปคบหากแกได้ยังไงเพราะลุงเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสแกชื่อสัพเพอร์เมฆอ่ะแกชอบไปหาลุงวันนั้นบังเอิญคุณประกอบก็ไปหาลุงไปเจอก็นั่งคุยกันอยู่ที่แคร่ใต้ต้นมะม่วงข้างบ้านขณะนั้น คุณประกอบยังเป็นเด็กเจอผู้ใหญ่ก็ยกมือไหวลุงก็ถามมายังไงมีอะไรหรือเปล่าอ่าก็บอกเปล่าครับลุงก็เลยให้นั่งฟังสับเปลือกเมฆเล่าเรื่องแปลกๆ แ, แกกําลังเล่าเรื่องผีอยู่พอดีก็เลยนั่งฟังมันใบบ่า ย, ายถ้าเป็นกลางคืนก็กลัวหัวโหดไปแล้วแกเล่าว่าแกเผาศพหนึ่งคนเนี้ยเป็นคนแก่วิชามีวิชาอาคมเป็นหมอแผนโบราณแล้วก็เป็นหมอผีด้วย ที่ตายเพราะโดนคุณใสของศัตรูปล่อยมาเข้าท้องท้องแข็งเป็นหินเลยตอนเป็นศพในหน้าท้องโตแข็งแป๊กแกเผาศพอยู่คนเดียวเพราะว่าญาติพี่น้องเขากลับมันไปหมดแล้วแกก็คอยเผาไปเรื่อยๆใช้ไม้เขี่ยให้ไฟมันลุกส่วนอื่นๆเผาหมดแล้วเหลือแต่ตรงส่วนท้องเผายังไงก็ไม่ไหมไ ม, ไม่หมดเวลามันก็คั่มซะแล้วแกไม่กลัวผีหรอกแต่ว่าบรรยากาศมันวังเวงความมืดดำมันโรยตัวลงมา ที่วัดมีพระมีเนนก็จริงอยู่แต่ท่านก็อยู่ที่กุฏิห่างออกไปมากเรียกก็ไม่ได้ยินป่าทั้งนั้นเลยรอบๆตัวแกแกก็รีบๆเผาใส่ปืนเข้าไปเร่งไฟให้ไหม้เร็วยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ยอมไหม้แกเผายัางไงไอ้ส่วนท้องก็ไม่ไหม้ยังเป็นก้อนอยู่แกเขีย่ยออกมามันหนักมากเอาไม้เคาะเป็นหินก้อนโตเท่ากับลูกมะนาวเพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นหินจริงๆก็เลยเอาขวานมาทุบ เสียงที่สันกวนกระทบมันเป็นหินจริงๆแกก็เลยเขี่ยมันกลิ้งกลับเข้าไปในเมนอีกไม่เผาแล้วกลับไปบอกเจ้าภาพว่าที่เหลือเป็นหินว่างั้นเจ้าภาพหลายคนก็มาดูกันพบว่ามันหินจริงๆนะทําลายไม่ได้ต้องเอาไปฝังในป่าช้าให้สั ป, ปเหร่อช่วยกันจัดการฝังในวันรุ่งขึ้นด้วยสั ป, ปเหร่อก็รับปากจะฝังให้ในวันต่อไปสายๆแกก็ไปที่เมนไปเขี่ยเท่ากระดูกแต่ก็ไม่พบก้อนหิน ดูตามที่ไกลๆ ก, ก็ไม่มีเอ๊ะมันหายไปไหนหายไปอย่างไม่น่าเชื่อไปถามเจ้าภาพว่าให้ใครเอาไปฝังก่อนแล้วใช่ไหมเจ้าภาพไม่มีใครรู้เรื่องสักคนก้อนหินนี้พวกเจ้าภาพพากันพูดว่าคงจะเป็นก้อนหินที่เขาปล่อยมาเข้าท้องคนตายแล้วทีนี้มันหายไปแล้วจะทำยังไงอ่ะคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกคนตายก็บอกหายไปก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเอาไปฝังสัปรเร่อแม่ก็คิดว่าดีเหมือนกันหายไปไม่ต้องฝังให้เหนื่อย แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสิหลายวันต่อมาเขาเข้าไปในห้องที่คนตายเคยนอนอยู่ก็ไปเจอเอาก้อนหินอยู่ในห้องอยู่ตรงที่คนตายเคยนั่งทําอะไรต่ออะไรเขาก็เรียกสั ป, ปเหร่ให้เอาไปฝังแกก็เอาไปฝังตามที่เขาสั่งที่ปา่าช้าขุดดินลึกเกือบแขนเขาบอกให้ฝังลึกๆอ่าพอเขากลับมันก็กลับไปที่บ้านอีกอีกเจ็ดวันต้องเรียกสั ป, ปเหร่อีกแล้ว ให้ให้ไปเอาก้อนหินไปฝังสัปเหร่เมฆกูเลยบอกว่าคงต้องทําพิธีอะไรหรือเปล่าให้พวกเขาไปสอบถามหมอผีดูที่ว่าจะทํำยังไงพวกเขาก็ไปถามหมอผีหมอผีบอกว่าต้องทําพิธีสะกดซะก่อนหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องให้พระท่านสวดถอนอาถรรพ์เจ้าภาพเขาคิดกันว่าถ้าให้หมอผีสะกดจะเกิดสะกดไม่อยู่ก็กลับไปที่บ้านอีกอ่ะก็เลยให้พระสวดอ่าสวดถอนอาถรรพ์เมื่อเสร็จแล้วก็ให้แกเอาไปฝังในป่าชา้า คราวนี้ขุดลึกกว่าเก่าวฝังเอาแวะแล้วก็กลบดินใช้จอบกระแทกจนนัน่นหลังจากวันนั้นมาก้อนหินก็ไม่ไปรบกวนอีกคุณประกอบก็นั่งฟังอย่างสนใจอ้าปากค้างทีเดียวแล้วก็จําได้ไม่เคยลืมจนทุกวันนี้ก็เล่าให้ใครต่อใครฟังบ่อยๆเขาก็ว่าแปลกเออในตอนหลังนี่ลุงเล่าให้ฟังว่าสัปรเรอเมฆเองก็เคยโดนคุณใสแต่ไม่ใช่ก้อนหินเป็นเหล็กเกา่กาๆขึ้นสนิม เข้าไปอยู่เต็มท้องเลยแกไม่ได้มีศัตรูแต่แกไปทักของกลางคืนเข้ามันก็เลยเข้าตัวแกเสียงอะไรไม่รู้มันตกใส่หลงังคาบ้านกลางดึกแกทักไปอย่างลืมตัวเท่านั้นแหละมันเข้าตัวแกเลยเอาซะถึงตายเรื่องคุณใส่นี่อย่าประมาทไม่ได้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่มันจะไม่ดีแกตัวเองแล้วเมื่อไม่นานมานี้คุณประกอบก็เจอลุงคนหนึ่งลุงคนนี้แกชอบต่อนกเอาไปขายแกแก่มากแล้วอายุตั้งเจ็ดสิบแล้ว แต่ว่าหูตายอย่างดีเจอกันบ่อยๆก็เลยได้คุยกันก็รู้ว่าแต่ก่อนนั่นแกทํางานเป็นช่างกลึงแต่ตอนหลังเลิกทําให้ลูกชายทําต่อตัวแกเองชอบเลี้ยงนกต่อนกก็เลยหันมาทางนี้แกเล่าว่าครั้งหนึ่งแกเคยไปช่วยสับ ป, ปะเลอเขาเผาผีแกว่ากลิ่นศพนี่มันติดมือเหม็นมากล้างสบู่ก็ไม่ออกต้องใช้เกลือล้างถึงจะหมดกลิ่นแกเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเผาศพผู้หญิงคนหนึ่งตายเพราะโดนคุณใสผู้หญิงคนนี้ เป็นสาวใหญ่และแต่ว่าหน้าตาสวยคนติดกันเยอะเป็นแม่ไม้ด้วยผัวคนแรกตายแล้วก็มีผัวคนที่สองผัวคนที่สองนี่ขี้หึงมากพวกผู้ชายก็ชอบมาเกี่ยวพาราสีเมียเขาอยู่เป็นประจำเพราะตัวของฝ่ายหญิงก็เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งมันก็ต้องมีลูกค้ามาเกี่ยวข้องได้ง่ายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผัวที่หึงมากให้เลิกขายอาหารแต่หล่อนก็ไม่เลิกเพราะเป็นอาชีพเลิกแล้วจะไปทำมาหากินอะไรทีนี้ มีอยู่วันหนึ่งฝ่ายชายก็รู้เข้าจนได้ว่ามีผู้ชายอีกคนมาจีบแอบไปเที่ยวโดวยกันก็ทําให้เขาโกรธเป็นอย่างมากเขาคมขู่จะฆ่าแต่ผู้หญิงก็ไม่ยอมเชื่อเพราะว่าผู้ชายคนใหม่เนี่ยนอกจากเป็นคนมีเงินแล้วยังมีอิทธิพลในต่างหากก็เลยทําให้เขาเองก็ไม่ค่อยกลา้าได้แต่ขู่ไปอย่างนั้นเองแต่ว่าเจ้าคนเนี้ยมีอาจารย์ดีคนนึงเป็นญาติญาติกันเขาก็ไปเล่าให้ฟังว่าก็ถูกผู้หญิงคนหนึ่งทรยศหักหลังอ่าลุงก็เลยช่วย ไม่นานนักผู้หญิงคนนั้นก็มีอันเป็นไปเจ็บป่วยด้วยโรคที่หมอรักษาไม่หายแต่พอตายแล้วเผาก็พบว่าในท้องมีก้อนเนื้อเผาไม่ยอมไหมลุงที่ต่อนอกเล่าให้ฟังว่าแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นโดนคุณไสแกบอกว่าสับปะเดอเอาเนื้อนะั้นมาตัดแบ่งให้กินด้วยเพราะกินเนื้อแล้วจะไม่โดนคุณใสว่า ง, งั้นใครทําคุณใสไม่ได้เป็นเครื่องป้องกันเอลุงก็กินเข้าไปด้วยเออแกกินเนื้อผีเข้าไปจริงๆแกะสะบานได้ว่าไม่ใช่เรื่องโกหก ไอเรื่องขุนไสามันน่ากลัวมีคนโดนกันอยู่ประจําตามบ้านนอกอาจจะไม่ทักเสียงที่เกิดขึ้นกลางคืนเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นเสียงที่เกิดจากการปล่อยขุนไสามาตามลมตามแรงใครไปทักแล้วจะเข้าตัวว่าอย่างนั้นเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้เริ่มมาจากเมื่อไม่นานมา น, นี้ครับ ชาวบ้านพังทุยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกันทำพิธีขับไล่ผีปอบโดยเชิญหมอพรามหรือที่เขาเรียกกันว่าจำเนยมานั่งบริกรรมคาถาต่อหน้าเครื่องเส้นสองเวยพร้อมกับอุปกรณ์ในการจับผีปอบลักษณะก็เป็นหุ่นทำด้วยกะลามะพร้าวแล้วก็ไม้ไผ่ทาสีแดงเสียงข้องการขับไล่ผีปอบครั้งนี้ชาวบ้านเป็นจานวนมาก เชื่อว่าจะนํามาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขผลค้าตกต้องตามฤดูกาลคนในหมู่บ้านก็มีการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาคือวันพระห้ามนําไม้หรือว่าฟืนเข้าหมู่บ้านห้ามทํางานแล้วหากมีคนตายนอกหมู่บ้านให้คารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะนําศพเข้ามาในชุมชนแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยข้อห้ามถูกลืมไปก็ทําให้เกิดเพศภัยพิบัติต่างๆ ฝนก็ไม่ตกเหมือนเคยแล้วก็มีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้คนเฒ่าคนแก่มีมติให้ทำพิธีขับไล่ผีปอบแล้วก็สิ่งชั่วร้ายทั้งปวงรวมทั้งขอฝนซึ่งหลังจากทำพิธีเพียงพักเดียวฝนก็ตกลงมาอย่างหนักในเรื่องนี้พระอาจารย์สมพงษ์จันทศรเจ้าววาดวัดพานทองอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกาแพงเพชรได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าความเชื่อเรื่องผีปอบนียังมีอยู่ โดยส่วนตัวท่านก็เชื่อว่าผีปอบก็ยังมีอยู่ท่านบอกว่าในชีวิตของอาตมาเคยสัมผัสกับสิ่งเร้นลับอยู่หลายเรื่อง้วยกันท่านจะเล่าประสบะการณ์เรื่องแรกให้ฟังนะมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อในบุญช่วยทําอาชีพจักสารในวันนั้นแกนั่งจักตอกอยู่บนชานเรือนพร้อมด้วยเพื่อนบ้านหลายคนมานั่งจักตอกแล้วก็คุยกัน ขณะที่นายบุญช่วยนั่งจากตอกอยู่นั้นอยู่ๆแกก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินลงไปที่ท่าน้ํขนาขณะนั้นน้ําท่วมพื้นดินมีระดับเกือบจะถึงชานเรือนเมื่อแกลงบันไดไปแล้วแกก็เลยลงไปในน้ําดำลงไปพวกเพื่อนบ้านก็คิดว่าเขาคงจะร้อนถึงได้ลงน้ําไปทั้งทั้งที่มือถือมีดแต่นายบุญช่วยดำลงไปในน้ํานานเกินไปพวกเพื่อนบ้านก็เกิดความสงสัยก็ลงไปดูพบนายบุญช่วยกอดบันไดท่าน้ําอยู่ ก็ช่วยกันดึงเอาตัวขึ้นมาต้องผัสลมพยาบาลกันอยากหนักเพราะว่าแกกินน้ําเข้าไปมากเกินไปจนกระทั่งแกฟื้นขึ้นมาและพวกเพื่อนบ้านก็ถามว่าลงไปในน้ําทําไมในบุญช่วยก็ทําท่างงงแล้วก็บอกว่าขณะที่กําลังนั่งจักดอกอยู่ด้วยกันนั้นมีคนมาท้าแกให้แกไปตีกับเขาปกติในบุญช่วยเนี่ยเป็นคนไม่ยอมคนถ้าใครมารุกรานในบุญช่วยก็จะไม่ยอมงอมืองอเท้าละ แกจะสู้อย่างชนิดถวายชีวิตเลยแกบอกว่าเขานะ่ยขึ้นมาท้าบนชานเรือนก็เลยลุกขึ้นแล้วก็เอามีดที่เป็นเครื่องมือจักตอกนาไปสู้กับคนที่บังอาจมาท้าทายแกขณะที่เพื่อนบ้านกำลังแก้ไขแกอยู่นั้นในบุญช่วยก็บอกว่ากำลังสู้กันนัวทีเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าคนที่จะตายหวงคือตายด้วยอุบัติเหตุมักจะมีเหตุอื่นมาทาให้หลงผิด เรื่องอย่างเนี้ยเคยรับฟังมาหลายสิบรายมีเรื่องคล้ายคลึงกันจึงเป็นเหตุให้ชวนสันนิษฐานว่าคนที่จะตายโหงเนี่ยจะมีผีมาหลอกมาล่อให้ตายเพราะบางคนที่มีทุกข์อ่ายิ่งก่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขายังไม่ยอมตายคนที่ฆ่าตัวตายบางคนมีเรื่องกระทบใจนิดเดียวก็ฆ่าตัวตายแล้วอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เป็นการผูกพันของวิญญาณเกิดขึ้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อในนม ได้รับอุบัติเหตุถูกสายไฟฟ้าที่ขาดห้อยอยู่ดูดถึงแก่ความตายเรื่องนี้ทางพระก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่ว่าใครทั้งนั้นที่เกิดมาแล้วก็ต้องตายจะตายโดยโรคอะไรอาการอย่างไรสาเหตุอย่างไรในที่สุดมันก็ตายเหมือนกันพระท่านสอนไม่ให้เสียใจเพราะเหตุแห่งความตายนั้นมาถึงคนรับฟังก็มีมากแต่ว่ารับปฏิบัติคือตัดใจไม่ยอมเศร้าโศกถึงคนตายอันนี้หายาก เรื่องของการระงรับความเศร้าสุขอะไรในเมื่อคนที่รักตายเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งคนที่จะทำได้แน่นอนไม่มีอารมณ์หวั่นไหวในเรื่องของความตายท่านก็บอกว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแหละที่จะเห็นเรื่องของความตายเป็นของปกติธรรมดาเหมือนเห็นใบไม้ที่แกว่งจนร่วงลงจากต้นไม่มีความรู้สึกเสียดายห่วงใ ย, ยอะไรถ้าว่ากันตามภาษาชาวบ้านถ้ามีคนตายเกิดขึ้นที่บ้านใคร คนที่เกี่ยวข้องเช่นสามีหรือว่าภรรยาของผู้ตายไม่ร้องไห้แสดงความเสียใจเขาก็หาว่าเป็นคนใจจืดใจดำกลายเป็นคนไม่ดีไปซะอีกต้องแสดงออกถึงความเศร้าโศกพิรีพิไรรำพันนั่นแหละเขาถึงจะนิยมว่าเป็นคนดีรักกันจริงเรื่องความเห็นของพระกับของชาบ้านมันไม่ค่อยจะลงกันอ่าก็ตอนนี้แหละที่นี้เมื่อเด็กชายหนุ่มเนี่ยเสียชีวิตลง ผู้เป็นพ่อกับแม่ก็ต้องร้องไห้ตามแบบฉบับของชาวบ้านที่รักลูกก็มีการทำบุญตามประเพณีสงฆ์คือนิมนต์พระมาสวดแล้วก็เลี้ยงพระแต่ก็ยังไม่เผาเอาเก็บไว้ที่โกดังวัดใกล้บ้านเป็นสุสานทำเป็นตัวตึกในระหว่างที่เด็กชายหนุ่มตายแรกๆก็ยังไม่มีอะไรปรากฏเมื่อเวลาล่วงเลยมาจนครบแปดเดือนก็ปรากฏว่ามีเด็กสาวมาอยู่บ้านหลังนั้นคนหนึ่งเธอคนนี้ไม่เคยรู้จักกับเด็กชายหนุ่มมาก่อน ในขณะที่เธอนั่งทำงานอยู่นั้นอยู่ๆก็เกิดร้องกรีดขึ้นมาทุกคนในบ้านก็พากันแปลกใจก็วิ่งเข้าไปถามสาเหตุที่ส่งเสียงร้องแสดงความหวาดกลัวเด็กสาวคนนั้นก็บอกกับทุกคนว่าเธอเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสามปีเข้ามาทางช่องกระจกบานเกรดพร้อมกันนั้นก็มีพระสงฆ์สององค์ตามมาด้วยเมื่อทันกันพระสอ ง, องค์ก็ช่วยกันจับเด็กชายคนนั้นไว้แล้วก็พากันออกไปทางช่องกระจกบานเกรด เธอเห็นอย่างนั้นก็ตกใจกลัวก็ร้องออกมาเด็กสาวคนนั้นเล่าว่าหน้าตาของเด็กชายคนนั้นเหมือนกับเด็กในภาพถ่ายที่แขวนอยู่ที่ห้องรับแขกเรื่องนี้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนต่อมาอีกไม่กี่วันในขณะที่เด็กสาวทำงานอยู่กลางลานบ้านก็เกิดล้มลงเสร็จแล้วก็มีอาการมือเท้าเกรงมีเสียงร้องคล้ายๆเด็กร้องไห้ผู้เป็นแม่ของเด็กชายหนุ่มก็เข้าไปสอบถามว่าเกิดอะไรเด็กสาวก็กล่าวตอบ แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจคือน้าเสียงที่พูดออกมานั้นกลับเป็นเสียงของเด็กชายหนุม่มพูดว่าหนูคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงน้องคิดถึงครูปักมากเมื่อพูดจบเด็กสาวก็มีอาการเป็นปกติเธอก็บอกว่าไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันต่อมาเด็กสาวก็มีอาการแบบเดิมคือคล้ายเป็นลมหน้ามืดแล้วก็ล้มลงจากนั้นวิญญาณของเด็กชายหนุ่มก็เข้าสิงร่าง ก็ถามหาครูปักปรากฏว่าครูปักเดินเข้ามาในบ้านพอดีเมื่อวิญญาณของเด็กชายหนุ่มได้พบกับครูปักก็พูดว่าหนุ่มคิดถึงครูปักมากครูปักก็ถามเขาว่าเวลาเนี้ยหนุ่มอยู่ที่ไหนล่ะวิญญาณเด็กชายหนุ่มก็ตอบว่าขณะนี้หนุ่มอยู่ในตึกใกล้ๆบ้านนี่เองครูปักก็ถามต่อว่าหนุ่มอยู่คนเดียวหรือว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยวิญญาณเด็กชายหนุ่มก็ตอบว่ามีพระอยู่ด้วยสององค์ แล้วก็คนอื่นๆอีกหลายคนแต่หนุ่มไม่รู้จักชื่อเขาสําหรับพระสององค์ที่วิญญาณเด็กชายหนุ่มบอกนั้นก็คือพระภิกษุเหมือนอายุยี่สิบสองปีแล้วก็พระภิกษุทองใบอายุห้าสิบปีตายเพราะถูกไฟดูดเหมือนกันเด็กชายหนุ่มบอกต่อไปว่าขณะที่หนุ่มถูกไฟดูดนั้นน่ะพระสององค์เนี่ยมาจับมือของหนุม่มแล้วก็บังคับให้จับสายไฟฟ้าทําให้หนุ่มต้องตายทั้งสองเหตุการณ์นี่เป็นเรื่องจริง แสดงให้เห็นว่าผีหรือว่าวิญญาณมีจริงภายในวัดผานทองนะมีเสาไม้ตะเคียนเก่าแก่อายุนับร้อยรอยปีพระอาจารย์สมพงศ์ท่านเล่าว่าเสาทุกต้นมีวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนสิงอยู่ท่านบอกว่าในขณะที่อาตมากําลังนั่งสมาธิอยู่นวิญญาณของเจ้าแม่ตะเคียนมาร้องโ hom ร้องไห้บอกว่ากําลังเหลือร้อนเรื่องที่อยู่เพราะว่าตอนที่ขนเสาไม้ตะเคียนเข้ามาในวัดอาตมายังไม่ได้อนญาตให้เขาเข้ามาอยู่ วิญญาณของนางตะเคียนก็เลยต้องเร่ร่อนอยู่รอบๆบวัดพออาตมารู้เรื่องนี้ก็บอกกับเจ้าที่วัดตัวอาตมาอนุญาตอนุญาตให้นางตะเคียนเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดได้น่ะพระอาจารย์สมพงษ์ท่านก็เล่าให้ฟังท่านอาจารย์บอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนในวัดพานทองอนอกจอากจะไม่ดูร้ายอะไรแล้วยังมีเมตตาอีกต่างหากครับเรื่องแปลกๆต่อไปเป็นเรื่องของนายสนิทครับนายสนิทคนนี้เป็นคนคดในข้อ ง, งอในกระดูก พ่อแม่ของเขามีที่นาติดกับที่นาบ้านคุณสมพงษ์ที่เล่าเรื่องนี้ครับคนครอบครัวนี้แปลกมากมีลูกผู้หญิงสองคนลูกชายคนหนึ่งนิสัยใจคอเหมือนกันไปหมดยกเว้นลูกคนสุ่ท้องเป็นผู้ชายคนนี้พูดจากันรู้เรื่องคนอื่นนะ่ะคดคดง อ, งอเหมือนพ่อกับแม่เขาแม่ก็หัวยิกหน้ากล้อที่โบราณเขาบอกคบไม่ได้อะไรนายสนิทนะ่ะเป็นลูกคนที่สามสองคนโตนั่นเป็นผู้หญิง อยู่มาวันนึ่งนายสนิทนี่โดนฆ่าตายอย่างทารุณที่หลังหมู่บ้านทิ้งศพเอาไว้ในขูน้ําร่องสวนตายตั้งแต่ตอนเย็นไปเจอศพเอาตอนเช้าคาดว่าเขาโดนฆ่าขณะไปดูสวนมะนาวตั้งศพสวดที่บ้านตามธรรมดาตายโหงแถวบ้านคุณสมพงษ์นี่เขาไม่เอาเข้าบ้านแต่ว่าญาติพี่น้องเขาไม่ทําอย่างนั้น่ะเขาจะสวดที่บ้านใครไปตักเตือนก็ไม่ฟังโดนด่าด้วยกลางดึกคืนแรกที่พระสวดหมาหอนกันหวยหวน อยู่ๆลงที่ตั้งเอาไว้บนโต๊ะสองตัวก็หล่นลงมาที่พื้นกระดานบ้านดังโครมคนที่หลับอยู่ก็ตกใจตื่นพวกขี้เมาในวิ่งหนีกันแนะบเลยศพลงมานอนกลิ้งอยู่กับพื้นญาติๆก็รีบเอาใส่ลงแต่ลงมันแตกก็ตอกตะปูประกบใหม่กลางดึกนั่นเลยญาติพี่น้องคนตายไม่ยอมไปแจ้งความว่าเขาโดนฆ่าแต่ไปแจ้งว่าเป็นลมตายกำนันเป็นพวกเขาก็เป็นไปด้วย คือเขาจะล้างแค้นกันเองเพราะเขารู้ตัวคนทําแล้วเขาคาดว่าต้องเป็นศัตรูคนหนึ่งของเขาชื่อไอ้หนองไอ้สนองคนเนี้ยไม่ถูกกันนายสนิทมานานแล้วเคยชกต่อยกันหลายหนแตห่หนองสู้ไม่ได้เพราะมันผอมตัวเล็กกว่าเขาเชื่อกันว่าไอ้หนองเนี่ยต้องเป็นมือมีดที่ฟันนายสนิทจนยับเยิยนไปทั้งตัวแต่ความลับไม่มีในโลกคงจะมีคนไปแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ก็มาที่บ้านสอบสวนกันเป็นการใหญ่ แล้วก็ตามหาตัวเจ้าหนองเนี่ยจนจับตัวมันมาได้มันก็ไม่ยอมรับทํายังไงก็ไม่สารภาพแล้วก็ไม่มีหลักฐานก็เลยต้องปล่อยตัวมันไปคืนเดียวที่ปล่อยตัวไอ้หนองตอนเช้าไอ้หนองก็หายตัวไปเขาก็เชื่อกันว่ามันหนีไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าข่าวลับลับไม่ใช่อย่างนั้นไอ้หนองโดนเก็บเรียบร้อยฝังอย่างดีดชาตินี้ทั้งชาติคงไม่มีใครได้เห็นหน้ามันอีกแล้วญาติพี่น้องมันก็ปิดปากเงียบกริบ กลัวตายกันทั้งหมดพากันพูดไปในทํานองไหวนองมันหนีไปแล้วผีไตห่วงในสนิทเฮียนเหลือเกินหลอกหลอนชาวบ้านจนนอนไม่หลับเพราะว่าส่งเสียงครวญครางกลางดึกน่ากลัวมากทีแรกก็นึกว่ามีคนมาแกล้งทําแต่ไม่ใช่อะ่ะผีร้องจริงๆผีลงแตกนี่ทำให้ชาวบ้านกลัวหัวหดไม่อยากจะออกจากบ้านในตอนกลางคืนดึกๆเฮียนอยู่ระยะหนึ่งก็เงียบไปเวลาผ่านไปหลายปีสวนมะนาวแห่งนั้นก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่ เมียนายสนิทขายแล้วตัวเองก็ไปอยู่กับลูกที่กรุงเทพคนที่ซื้อสวนมะนาวไว้ชื่อลุงหละแกเป็นคนไม่กลัวผีคนอื่นเขากลัวไม่กล้าซื้อแต่ลุงหละแกบอกว่าผีก็อยู่ส่วนผีเนยคนก็อยู่ส่วนคนไม่เกี่ยวข้องกันนี่แต่แล้ววันนึงลุงหละก็ต้องเจอดีเกือบค่ําแล้วลุงหละไปทําสวนแต่ยังไม่กลับเข้าบ้านกําลังเก็บของจะกลับอยู่พอดีแกได้ยินเสียงน้ําในคูมันดังตูมตา ม, ตามแกก็เลยเดินไปดู มันเป็นขูน้ําที่ไหนสนิทลงไปลอยอยู่ได้ร่างไรวิญญาณนั่นแหละไปดูก็เห็นใครคนหนึ่งลอยอยู่ในน้ําแกก็เข้าไปดูใกล้ๆเสร็จแล้วก็ต้องสะดุ้งเพราะร่างนั้นมันลุกขึ้นมาจากน้ําตัวใหญ่กลางแขนกว้างหน้าตาดําเมื่อมเนื้อตาแดงเป็นไฟลุงหละก็ตะลึงตาคางร้องลัน่นนะผีหลอกผีหลอกวอยผีหลอกลุงหละแก่แล้วแต่ยังแข็งแรงแกวิ่งเข้าบ้านหน้าตาตื่นเลยร้องบอกใครต่อใครว่าผีหลอกกันเล่าปากคอสัน่นเออ คนไม่กลัวผีโดนผีหลอกคนก็หัวเราะกันแต่ลุงหละแกหัวเราะไม่ออกอ่ะเสียเหลี่ยมลุงหละหมดแกก็เลยไปนิมนต์อาจารย์บุญมาจากวัดเอามาทําพิธีส่งวิญญาณผีไตห่วงพระก็สวดถอนวิญญาณส่งวิญญาณทําน้ํามนต์พรมไล่สิ่งชั่วร้ายลุงหละก็เลยเบาใจไปทําสวนอย่างไม่หว่าระแวงแต่แกก็ไม่เคยกลับบ้านค่าอีกเลยเพราะแกยังไม่ลืมเหตุการณ์น่ากลัวค่ำวันนั้นแต ตราบจนวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าศพไอหนองในฝังอยู่ที่ไหนนะแต่ความจริงมีคนรู้แต่ไม่กล้าพูดอ่ะกลัวาตายกรรมนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์เราได้กระทําให้เกิดเรื่องขึ้นเองโดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจแล้วก็ไม่เคยมีจิตใต้สำนึกที่เตือนตัวเองให้พึงระลึกถึงคำว่ามรณานุสติ ก็หมายถึงให้นึกถึงความตายเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเราเองไม่ให้ประมาทพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นอนัตตาและสอนให้มนุษย์ทุกผู้ทุกนามได้เชื่อเรื่องเวรกรรมหรือกฎแห่งกรรมว่าเป็นเรื่องจริงให้ยึดมั่นในความดีและความไม่ประมาทเพราะความประมาทก็คือหนทางแห่งความตายสถานเดียวจะเล่าเรื่องของนางผันนางผันเนี่ยอายุห้าสิบกว่า แกมีที่อยู่อาศัยแถวแถวบึงโปรงสมัยก่อนนี้ยังไม่มีถนนไม่มีชื่อซอยแต่ปัจจุบันนี้ก็คือซอยประชาสำราญสองนั่งพันนี่ปลูกกระท่อมมุงด้วยจากอยู่ริมบึงแกมอีอาชีพทํานาแกมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อผินสองแม่ลูกก็ช่วยกันทํานาพอมีพอกินไปวันวันยามว่างก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นหมอตำยาในสมัยก่อนนี้ยังไม่มีหมอ แต่ถ้าจะไปหาหมอหรือจะไปโรงพยาบาลก็เดินทางไกลมากเมื่อเจ็บท้องใกล้คลอดก็ต้องอาศัยหมอตําแยาเป็นหลักใหญ่คือนั้นท้องปลาแจ่มสายไรยเมฆมาบทบังนางผันก็เดินนำหน้าโดยมีลูกสาววัยสิบแปดเดินหิ้วตะกร้าใส่หมากพลูแล้วก็มีของอีกหลายอย่างเดินตามหลังผู้เป็นแม่ตัดคนามุ่งหน้าตรงไปยังบ้านของทิดธงนะภรรยาของทิดทงนะ่เจ็บท้อง ใกจะคลอดเต็มทีสายลมก็พัดผ่านตอนค่ำคืนมองเห็นต้นข้าวในนาในไหวพริวเป็นละลอกละลอกเมื่อเดินมาถึงบ้านของทิศธงก็ได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดนางผันกับลูกสาวก็เดินขึ้นบ้านซึ่งในขณะนั้นทิศธงกำลังคอยอยู่อย่างกระวนกระวายใจพอเห็นนางผันเอ้าป้าเร็วเข้าอีพรมันแย่เต็มทีแล้วป้าเร็วนางผันก็รีบเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับลูกสาว นางผันนั่งลงข้างๆนา ง, นงพรก็นอนบิดตัวไปมาอย่างเจ็บปวดแกก็ใช้มือกดท้องอย่างที่เขาเรียกว่ากล่อมท้องเนะ่ะแล้วก็สายหน้าเพราะว่าเป็นท้องแรกเขาเรียกว่าท้องสาวกระดูกเชิงกรานแคบคลอดลูกยากตามหลักของแพทย์ก็ต้องผ่าออกแต่ในชนบทจะไปหาแพทย์ที่ไหนกันแล้วก็ต้องอาศัยหมอตำแยนี่แหละเป็นที่พึ่งส่วนนางผันก็เชื่อมั่นว่าในฝีมือของตัวเอ ง, เองก็เลยทําให้เกิดความประมาท เรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องอยากสําหรับแกแกก็พยายามข่มท้องเพื่อให้เด็กกลับหัวแต่เด็กก็ไม่ยอมกลับหัวจนนางพรได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแล้วก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียส่งเสียงร้องตลอดเวลานางผันก็พยายามกดท้องจนเด็กที่อยู่ในท้องในช้ําเพื่อจะพยายามเอาเด็กออกให้ได้และในที่สุดก็เหลือวิธีสุดท้ายอ่าแกก็พูดปลอบใจนางพรเออจูนจะออกแล้วนะทนอีกนิดนะ แกเอามือสอดเข้าไปซึ่งเด็กก็เคลื่อนตัวต่ำลงมาแต่ไม่ยอมกลับหัวพอแกเจอขาเด็กแกก็พยายามดึงแต่ก็ดึงไม่ออกเด็กทารกที่อยู่ในท้องเริ่มดิ้นช้าลงเพราะว่าได้รับความเจ็บปวดสาเหตุเพราะว่าหมอตำยาทาผิดวิธีแต่แกก็ยังไม่ยอมละความพยายามแกดึงจนขาของเด็กทารกขาดติดมือออกมาเด็กทารกถึงได้ขาดใจตายในท้องก่อนที่จะออกมาลืมตาดูโลกเลือดสดๆนี่ไหลทะลักออกมาเป็นลิ่มเลย แกยกมือขึ้นปาดเหงื่อบนหน้าผากแล้วบอกกับนางพรในขณะที่สติของนางพรจะขาดผึงเพราะความเจ็บปวดอย่างสุดแสนพอเนยลูกเอ็งตายซะแล้วล้ะมันตายในท้องมันถึงไม่ยอมออกนางพรแค่ได้ยินแว่แวๆแล้วสติของแกก็ดับวูบลงนางผันก็ดึงเด็กออกมาเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็รีบเอาห่อผ้าขาวเพราะว่าทุกคนในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีความรู้ก็เชื่อว่าเด็กตายในท้อง ทิดธงก็รีบนำทารกไปฝังไว้ท้ายโคกหลังบ้านและเวลาต่อมานางพรก็รู้สึกตัวและมารู้อีกครั้งว่าลูกตายในท้องก็เสียใจเป็นลมไปอีกจนเวลาผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งนางกลอยนางกลอยนี่ท้องได้หกเดือนเพราะถูกคมขืนไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่าฝ่ายชายก็ไม่ยอมรับด้วยก็เลยแอบไปหาหมอผันหมอตำยททำแท้งนางผันก็ไม่ได้นึกถึงบาปบุญคุณโทษเพราะความโลภมาบังตา แกก็รีบทำแท้งให้โดยการบีบท้องจนกระทั่งเด็กในท้องตายก่อนที่จะมีอวัยวะครบถ้วนทำไมหมอตำแยถึงได้มีกิเลสที่พอกหนาไม่ได้คิดถึงบาปหรือ ว, ว่ากฎแห่งกรรมที่กำลังจะหมุนเวียนมาถึงเลยภายในใจของแกมีแต่ความโลภนะชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีและกรรมชั่วของแต่ละบุคคลที่ได้กระทำอย่างเช่นนางผันนี่ คงจะไม่ยอมรับประกวดแห่งกรรมในมีจริงแค่คิดอยู่อย่างเดียวก็คือเงินเงินเงินจะบาปจะกรรมก็ช่างขอให้ได้มาซึ่งเงินตัวเดียวเพราะว่าเงินคือพระเจ้าแกไม่ยอมใช้สติปัญญาตรองดูว่ากรรมนะ่ะมันมีจริงหลังจากนั้นแกก็รับทําแทงเรื่อยๆมาจนการเวลาผ่านเลยไปแล้วก็ตัวนางผันเองก็ชราภาพมากแล้วแทนที่แกจะหันหน้าเข้าวัดวางมือจากสิ่งเหล่านี้ไปแกก็ยังทํามันต่อไป ก็พระคำบกิเลสและความโลภแก่ก็ไม่ได้สนใจแก่ก็ได้แต่พอกปูนความชั่วมากขึ้นบาปกรรมหรือว่ากฎแห่งกรรมซึ่งแ ก, กคิดว่าไม่มีตัวมีตนคนเรื่องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะเป็นคนโ ง, ง่งมงายนะ่แ ก, กคิดอย่างนั้นเย็นวันนั้นนางผันก็เกิดความรู้สึกว่าตัวเองมึนๆในสมองแล้วก็เริ่มตาลายแกกำลังจะเดินขึ้นบ้านแต่แล้วแกก็ล้มลงหมดสติอยู่ตรงตีนบันไดบ้าน เป็นเพราะความชราของแกเปลียบไปก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งแล้วก็ผลแห่งกรรมนั้นตามทันมาถึงแกขณะที่ร่างกายเริ่มอ่อนแอลงโดยที่ตัวแกก็นึกไม่ถึงแกหมดสติไปนานพอรู้สึกตัวแกก็ขยับร่างกายไม่ได้ซะแล้วแกเป็นอัมาพาตต้องพยายามอยู่อย่างนั้นยิ่งนานวันเวนกรรมก็ตามมาสนองแกอย่างทันตาเห็นแกต้องนอนจมอยู่บนที่นอนเก่าๆการเวลาก็ผ่านไปผ่านไปเหมือนติดปีกบิน นางผันหมอตำแยก็มีอาการแย่ลงทุกขณะแขนขาก็รีบเล็กลง่ายผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตางี้ลึกโหลแห้งผากนอนไม่หลับเพราะเมื่อตัวแกหลับตาลงครั้งไหนแกจะมีอาการสะดุ้งตื่นดวงตาที่แห้งผากแทบจะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงนะั้นลืมโพลงเพราะว่าแกจะเห็นพวกวิญญาณหรือว่าโอปติกะที่ยังล่องลอยเพราะความแค้นคอยมาทวงชีวิตเพื่อให้ตายตกไปตามกัน เพื่อจะได้ไปชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้ในนรกบางครั้งแกก็เผลอหลับไปแกก็จะต้องมีอาการสะดุ้งมีอาการเช่นเดียวกันแบบนี้แต่คราวนี้แกเพล อ, อย่าไปร้องกันที่อื่นกูนวกหูกูแกพูดจบก็ยกมือเหี่ยวแห้งมีแต่หนังหุ้มกระดูกขึ้นอุดหูแกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างเหลือทนกรรมตามทันแกเข้าแล้ว อ่ายังไม่ทันจะตายเพื่อนบ้านไม่มีใครสนใจเพราะแกไปทำคลอด ใ, ใครๆส่วนมากเด็กตายแทบทุกรายไปคืนนั้นตรงวันพระขึ้นสิบห้าคำท้องฟ้าสว่างลมพัดเย็นสบายแต่ว่านังผันนี่นอนดิ้นรนไปมายกมือปัดป้องคล้ายๆจะมีคนเข้ามาทำร้ายปากก็พูดออกไปให้พน้นอย่าเข้ามานะออกไปออกไปชั่วครู่ไอ้เจ้าทูตมรณะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกนกแสก หรือว่านกผีนกแห่งความตายมันบินมาเกาะอยู่บนหลังคาบ้านมันส่งเสียงร้องดังแหลมเล็กบาดแก้หูในยามค่ำคืนเสียงแซกแซกแซกร่างใหญ่หมอตำแยสะดุ้งเฮือกกระตุกดิ้นไปดิ้นมาปากก็พรำเพรื่อยากกูไม่ไปกูไม่ไปกับมึงร้องอยู่เช่นนั้นจนเวลาผ่านไปถึงเวลาค่อนคืนวาระสุดท้ายของใหญ่หมอตำแยก็มาถึงแกก็เริ่มมีอาการ หอบหายใจทีทีแล้วก็ลมหายใจก็ขาดหายเป็นห่วงห่วงอกแห้งแห้งของแกสะท้อนขึ้นขึ้นลงลงตาลืมโพรงเสียงเด็กทารกดังลั่นแงแงแงไม่มีใครได้ยินนอกจากแกเด็กทารกทั้งหลายก็มายืนรุมร้อมแกแต่ละคนใบหน้าบูดบึ้งดวงตาแดงฉานด้วยความแค้นแกก็เกิดอาการเกรงกระตุกตามแขนตามขาลมหายใจก็เริ่มเบาลงตามลาดับ ริมฝีปากที่จีบย่นกระตุกแล้วในที่สุดบิญญาณบาปของหมอตำยก็หลุดลอยไปจากร่างโดยมีลูกสาวคอยดูแลอยู่นะแม้กระทั่งในงานศพของแกก็แทบจะไม่มีใครไปร่วมงานด้วยนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึง่งที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการสั่งสอนลูกหลานให้กลัวบาปกรรมชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมานั่นล้วนแต่ต้องเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเดยกันทั้งนั้นไม่มีใครจะหลีกหนีกฎแห่งกรรม อันเป็นตัวควบคุมไปได้มันขึ้นอยู่กับแรงบุญแรงกรรมที่ติดตามตัวเรามาแต่ชาติบางก่อนมันจะตามมาสนองแก่ บ, บุคคลเหล่านั้นไม่ช้าก็เร็วแล้วก็ทันตาเห็นจริงๆถ้าเราฝากไปความดีเราก็จะไปในทางที่ดีแต่เราฝากไปในความชัว่วมันก็จะยิ่งถลําตัวลงไปเพราะว่าแรงกรรมนั้นมันมีอิทธิพลมากเหนือจิตใจของบุคคลทั่วไปอย่างที่ผู้ใหญ่เขาชอบพูดว่าทําดีนั้นยากแต่ว่าทําชัว่วมันง่ายนิดเดียว วิถีชีวิตของมนุษย์ต้องเดินไปตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นผู้กำหนดการเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเป็นกฎของธรรมชาติศาสนาทุกศาสนาละสอนให้เราเป็นคนดีละเว้นความชั่วดังศาสนาคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้มนุษย์เราทำความดีเมื่อตายไปหรือว่าสิ้นอายุไขก็จะไปในทางที่ดีแต่ถ้าเราแต่ทำแต่ความชั่วนรกอเวจีก็รอเราอยู่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงไปได้ สร้างความดีไว้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ไปตกนรกทุกสรรพสิ่งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอทุกอย่างมันอยู่ที่ใจแล้วก็การกระทําของมนุษย์ทั้งสิน้นเรื่องนี้คงเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้บ้างไม่มากก็น้อยไม่ใช่เชื่องงมงายแต่ให้พิจารณาตามหลักของความจริงหรือว่ากฎแห่งกรรมนะคุณธรรมคำจุนโลกในช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ตัดความโลภโกรธหลงเสียให้สิน้นเท่านี้ทุกชีวิตก็จะมีแต่ความสันติสุขเมื่อไปทางไหนก็จะมีแต่มิตรไม่ใช่คู่อาฆาตกันเจอหน้ากันก็จะฆ่ากันเมื่อทุกผู้ทุกนามยึดมั่นในาศาสนาทุกอย่างก็จะไม่มีการแข่งแย่งจริงดีซึ่งกันและกันมองเห็นหนทางและแสงแห่งธรรมตลอดไปตลาบนั้นมนุษย์โลกก็คงจะสงบสุขลงบ้างนะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับผีผีสังสางที่จะเล่าต่อไปนี้ครับเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยตำบลโคโครามอำเภอบางปลาหมาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านยังมีชีวิตอยู่ข้อมูลความจริงที่เกิดขึ้นได้มาจากหนังสืออัตประวัติของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยซึ่งพิมพ์เผยแพร่โดยท่านพระสมุทรทองอาบจิตตปันยู จะอาวาดวัดโพเจริญตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีผู้เล่าเรื่องก็คือคุณลุงคำมณีอินซึ่งท่านล่วงลับไปแล้วท่านเป็นศิษย์ใกล้ชิดคนหนึ่งของหลวงพ่อเนียมครับลุงคำเล่าว่าที่บ้านโคครามพื้นที่เดียวกันกับที่วัดน้อยตั้งอยู่มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักใคร่ชอบพอกันผู้ชายชื่อรอดผู้หญิงชื่อสี ต่อมาฝ่ายหญิงหนีตามมาอยู่กินกับฝ่ายชายเพื่อครองชีวิตคู่เป็นสามีภรรยากันแต่ความรักความใคร่อันดื่มด่ำซาบซึ้งของผัวหนุ่มเมียสาวคู่นี้ไม่เป็นที่พอใจของพ่อแม่ฝ่ายชายเอาซะเลยดังนั้นแทนที่จะยินดีให้ลูกชายพาลูกสะภ้ยมาอยู่ร่วมเรือนพ่อแม่ของหนุ่มรอดกลับให้สองผัวเมียไปปลูกกระต้ออยู่ด้กันที่กลางนา แถมยังห้ามไม่ให้ลูกสะพ้ยเข้าไปเหยียบที่เรือนหลังใหญ่เป็นการแสดงความรังเกียจอย่างเปิดเผยตอนแรกๆหนุ่มรอดก็ยังถือว่าความรักที่มีต่อเมียในยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะมาขัดขวางได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกนึกคิดก็เริ่มคลอนแคลนเพราะเวลากลับไปบ้านพ่อแม่ทุกครั้งก็มักจะถูกคำพูดกรอกหูว่าเมียของตัวไม่เหมาะสมที่จะอยู่กินด้วยกัน เมื่อได้ยินพ่อแม่ค่อนแคะวิาพาวิจารณความบกพร่องของเมียต่างๆนานาหนุ่มรอดก็ชักเป๋ไปเหมือนกันยิ่งถูกตอกยำ้ำซ้ำซากนานเข้าหนุ่มรอดก็พลอยเชื่อไปตามคำพูดของพ่อแม่อยากจะเลิกร้างห่างหายไปจากเมียก็ไปค้างบ้านพ่อแม่ครั้งละนานนานปล่อยให้เมียสาวเฝ้ากระท่อมอยู่เพียงคนเดียวตอนนั้นสีตั้งท้องอ่อนๆแต่ไม่ได้บอกผัว เนื่องจากน้อยอกน้อยใจที่ผัวแสดงท่าทีจะทอดทิ้งไม่สนใจใยดีทั้งๆ ท, ที่ตัวเองนลยยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อติดตามมาอยู่ด้วยวันหนึ่งหนุ่มรอดก็แวะมาที่กระท่อมสีก็ออกปากขอพระเขมาที่เคียนเอวไว้บอกว่าจะเอาไว้ห่มเวลานอนตอนกลางคืนนายรอดก็ให้ไปเพื่อตัดความลำคาญและคิดไม่ถึงว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่สีขอ เพราะว่าในคืนนั้นสีได้ใช้พระครมาของรอดผูกคอตายกับกิ่งไม้ใหญ่ใกล้ๆกระตอบที่เธออยู่เพียงเดียวได้ศพของสีหญิงสาวผู้อาภัพถูกนำไปฝังไว้ในป่าช้าด้านที่ใกล้ทางเดินผ่านไปผ่านมาส่วนหนุ่มรอดก็กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ในหมู่บ้านตามเดิมเรื่องราวของสีก็ค่อยๆถูกลืมไปในที่สุดชีวิตหนึ่งของผู้หญิงสาวที่ตัดสินใจผิดพลาดหนีตามผู้ชายจิตใจโลเล อาจจะเหลือเพียงตำนานซึ่งไม่มีคุณค่าให้ระลึกนึกถึงแต่อย่างใดหากไม่มีใครไปกระตุ้นให้วิญญาณที่อยู่อย่างสงบในป่าช้าเปล่าเปลี่ยวตื่นขึ้นมาล้ ว, ว่าเรื่องก็มีว่าในสมเป็นหนุ่มในหมู่บ้านโคครามที่นิสัยไม่เป็นมงคลแก่ตัวเองเอาซะเลยนั่นก็คือชอบกินเหล้าเมาสุราอยู่เป็นอาจินเวลาเมาไม่ก็มักจะทาอะไรเอะอะวยวายเป็นที่น่ารังเกียรําคาญของคนที่อยู่ใกล้ วันหนึ่งในสมดื่มสุรากำลังมืนได้ที่เดินผ่านข้างป่าช้ากับเพื่อนเพื่อนคอเดียวกันสองสาคนมองเข้าไปเห็นหลุมศพของนางสีก็เกิดคึกขนองอวดเก่งขึ้นมาทันทีจัดแจงคว้าก้อนหินกว้างไปที่หลุมศพแล้วก็ตะโกนท้าทายทำนองไม่กลัวเกรงเป็นที่สนุกปากแม้พวกเพื่อนเพื่อนจะห้ามปรามอย่างไรก็ไม่ฟังยังแสดงกิริยาหยาบคายลบหลูดูหมินวิญญาณของหญิงสาวผู้อาภัพด้วยฤทธิ์เมา จนเพื่อนๆต้องลากให้เดินไปจากที่นั่นเพราะการกระทำของนายสมเสมือนไปปลุกวิญญาณของนางสีให้เกิดโทสะความโกรธขึ้นมานับตั้งแต่วันนั้นผีตายทั้งกรมก็เปิดฉากอารวาสทันทีหากเป็นเวลาเย็นตอนโพรเพล่แล้วมีใครเดินผ่านข้างป่าช้าในจะถูกผีนางสีหลอกหลอนแทบสติแตกทุกรายไปบางครั้งจะปรากฏตัวเป็นหญิงสาวสวยเดินออกมาจากป่าช้า พอเข้ามาใกล้ๆร่างกายที่เป็นหญิงธรรมดาก็จะค่อยๆบวมผองเน่าอืดมีน้ำเหลืองน้ำหนองไหลโซมตัวคนที่เผชิญกับภาพหน้าสยองขวัญอย่างนั้นก็แทบจะขาดใจด้วยความกลัววิ่งตะเลิดเปิดเปิงหนีผีอย่างไม่คิดชีวิตสำหรับนายสมนั้นโดนผีนางสีตามหลอกหลอนแทบเสียสติขนาดอยู่ในบ้านตัวเองผีนางสียังตามไปหลอกถึงในบ้านกล่าวคือพอเปิดประตูห้องนอนเข้าไปจะนอน ก็เห็นร่างนางสีมีพระเขามาผูกคอห้อยตองแต่งกับขือกลางห้องลิ้นจุกปากในตาถลนจ้องมองขม็งอย่างอาฆาตมาร้ายนายสมถึงงอหงายหลังตึงหมดสติคาที่บางคราวนายสมไปกินเหล้าเดินผ่านบริเวณที่เปลี่ยวตอนกลางคืนปรากฏว่าผีนางสีมายืนขวางทางเอาดือด้อถ้าการแสดงตัวของนางสีเป็นรูปร่างของคนธรรมดาก็ยังไม่เท่าไหร่ แต่นางสีมาปรากฏได้เห็นด้วยสภาพเน่าเฟะไปทั้งตัวเล่นเอาในสมแหกปากร้องโวยวายด้วยความกลัวเหมือนคนบ้าจนชาวบ้านต้องหิ้วตะเกียงออกมาดูกันเมนแถวผีนางสีจึงได้หายไปในสมตัวก่อเหตุกลัวผีนางสีแทบเสียสติทนอยู่ที่บ้านโคครามไม่ไหวต้องย้ายไปหนีไปอยู่บ้านญาติที่ตำบลป่าเริกกระนั้นวิญญาณอาฆาตของนางสีก็ ย, ยังไม่ยอมเลิกลายังตามไปผล่หน้าให้เห็นหนึ่งป่าเริก ทำเอาในสมจับไข้หัวโขนเลี้ยนเตียนทั้งที่ยังเป็นหนุ่มอยู่แท้ๆไม่เพียงแต่นางสีจะจ้องหลอกหลอนเล่นงานในสมด้วยความโกรธแค้นวิญญาณผีตายทั้งกรมอยังอาราวาดไปทั่วจนชาวบ้านแทบจะไม่กล้าออกจากบ้านในตอนกลางคืนพอตกข้ามพระที่ตกดินไปแล้วทั้งหมู่บ้านก็จะเงียบเชียบผิดว่าแต่ก่อนเนื่องจากมีแต่คนอยู่ในบ้านใครบ้านมันที่ท่าน้ำหน้าวัดน้อย เวลาน้ำลงนีน้ำจะแห้งแทบจะติดก้นคลองคนเดินข้ามได้สบายๆเพราะน้ำสูงไม่เกินหัวเขา่าบางแห่งเห็นพื้นก้นคลองเป็นสันดอนยาวเหยียดเรือขนาดใหญ่ที่ล่นผ่านบริเวณนี้ต้องจอดคอยให้น้ำขึ้นถึงจะไปต่อได้เวลาใกล้ข้ามพวกชาวเรือที่จอดเรือคอยเวลาน้ำขึ้นก็มักจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินลุยน้ำข้ามไปฝั่งโน้นข้ามไปฝั่งนี้แม้แต่ตอนข้า ม, มืดแล้ว ผู้หญิงคนเดิมก็ยังเดินให้เห็นพวกชาวเรือก็วิพากษ์วิจารณ์กันสนุกปากว่าพระวัดน้อยนี่วุ่นวายกระสีกากระทั่งคนละแวะกวัดได้ยินคําพูดจากปากพวกปากเสียถึงได้บอกให้รู้ว่าผู้หญิงคนที่พวกชาวเรือเห็นนั่คือผีนางสีพอรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครนําเรือมาจอดเกยแห้งบริเวณหน้าวัดน้อยอีกต่อไปหากบังเอิญน้ําลงแล้วเรือติดก้นคลอง เจ้าของเรือก็จะพยายามเข็นเรือให้พ้นหน้าวัดน้อยไปไกลๆหรือเมื่อเห็นน้ําลงมากกะว่าคงจะไม่พ้นหน้าวัดน้อยเจ้าของเรือก็จะจอดคอยน้ําขึ้นไม่ยอมไปอยู่ใกล้ๆวัดน้อยอีกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกลัวผีนางสีนั่นเองในตอนหลังในผีนางสีคงจะหาคนหลอกยากเนื่องจากชาวบ้านไม่ยอมออกจากบ้านยามค่ําคืนก็เลยอาจหันกาเริบบุกเข้ามาหลอกพระเนนถึงในวัดน้อย พอตอนกลางคืนพระเนร์อยู่ไม่เป็นสุขกัละเพราะผีนางสีอารวาสบางครั้งมาเคาะหวากุฏิบ้างโผล่หน้าไมา้เห็นตรงนอกหน้าต่างบ้างบางทีก็ปรากฏตัวให้เห็นข้างโบสถ์ศาลาพระเนนจึงต้องนั่งจับเจ้าอยู่แต่ในกุฏิไม่กล้าออกไปเดินเพ่งผ่านอีกต่อไปเดือดร้อนถึงหลวงพ่อเนียมเมื่อมีพระเนร์ไปฟ้องท่านว่าผีนางสีเข้ามาหลอกถึงในวัด หลวงพ่อเนียมก็บอกกับพระเนนว่าจะเรียกผีนางสีมาว่ากล่าวให้เลิกทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นสทัทีหลังจากนั้นผีนางสีก็หายเงียบไปไม่ปรากฏว่ามาแสดงตัวหลอกหลอนใครอีกแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าหลวงพ่อเนียมท่านทำอย่างไรจึงกำราบผีนางสีจนหมดฤทธ์นอกจากผีนางสีที่บังอาจอรารวาสล่วงเกินเข้ามาถึงในวัดน้อยลุงคำยังเล่า ว, ว่ายังมีผีดุตัวอื่นๆ อ, อ, อีกเช่นผีอีปากแหลม ผีปากแหลมนี่เริ่มแรกมีศพผู้หญิงคนหนึ่งลอยน้ํามาติดอยู่ที่ท่าน้ําวัดน้อยสภาพที่เริ่มขึ้นอืดดูไม่ได้อยู่แล้ววันของศพยังยื่นยาวออกมาผิดปกติเด็กวัดก็เลยเรียกศพลอยน้ํำมาว่าอีปากแหลมพระเนนเกิดเวทนาก็นําศพขึ้นมาฝังให้ในปา่าชะแต่แทนที่อีปากแหลมจะสํานึกบุญคุณที่พระเนนเป็นธุระช่วยฝังศพจนเรียบร้อยกลับออกฤทธิ์ออกเดชหลอกหลอนพระเนนแทบจะหัวใจวาย แค่นั้นยังไม่พอลามปามไปยุ่มยามกับหลวงพ่อเนียมท่านอีกด้วยโดยไปเคาะฝากุติท่านบา้างเกาวขวาแกรกลาแก ร, ก, แ ก, ร, ก, แ ก, รกบ้างคุณลุงคําขนาดนั้นเป็นเนนทําหน้าที่อุปถักต์ปลนิบัติหลวงพ่อเนียมลุงคําเล่าว่าเมื่อผีอีปากแหลมมารบกวนท่านหลวงพ่อเนียมก็ทําเฉยเฉยเมื่อมันมาเคาะฝากุติบ่อยๆจนท่านลาคาญก็เอ่ยปากอีนี่อาระวาดอีกแล้วเนระ้อเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะ ตั้งแต่หลวงพ่อเนียมพูดแค่นั้นผีอีปากแหลมก็หายเงียบไปไม่เคยมาแสดงตัวหรือว่าทำเสียงหลอกใครอีกสำหรับตัวคุณลุงคำเองก็เคยมีประสบการณ์ขนหัวลุกมาเหมือนกันตอนนั้นหลวงพ่อเนียมมรณาภาพไปแล้วประมาณห้าสิบปีแล้วเวลานั้นลุงคำก็มีอายุถึงเจ็ดสิบปีแล้วตอนเป็นหนุ่มๆคุณลุงคำได้ลาสิกขาไปครองเพศรารวัตมีลูกเมียตามภาษาปุตุชนกระทั่งอายุล่วงเข้าสู่วัยชรา ท่านจึงมาที่วัดน้อยเป็นประจำเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมกรรมฐานแล้วก็มักจะนอนค้างที่วัดน้อยเสมอครั้งแรกที่เห็นผีจะจะก็คือคืนที่คุณลุงคาไปนอนอยู่ในวิหารเก่าคนเดียวหลังจากนั่งภาวนาเจริญสมาธิพอสมควรแล้วก็เตรียมตัวจะนอนทันใดนั้นก็มีสิ่งหนึ่งหล่นลงมาจากเพดานวิหารตรงหน้าห่างจากที่คุณลุงคานั่งอยู่ประมาณสองวา สิ่งที่หล่นลงมาคือเด็กตัวจิ๋วขนาดตุ๊กตาตัวเล็กๆสูงแค่คืบกว่าๆมีหน้าตารูปร่างลักษณะเป็นเด็กธรรมดาเหมือนเด็กทั่วทั่วไปไม่ใส่เสื้อผ้าร่วมสมัยแต่ว่านุ่งผ้าจงกระเบนแบบโบราณแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวอะไรเพียงแต่ตัวเล็กผิดปกติเท่านั้นเองเด็กประหลาดนี่ยิ้มให้คุณลุงคำซะด้วยก่อนจะวิ่งมาทางซ้ายมือวนอ้อมทางด้านหลังลุงคำไปออกทางด้านขวา แล้วก็วิ่งตรงไปทางประตูพระวิหารหายวับไปเด็กประหลาดที่เห็นน่ะเป็นผีอย่างไม่ต้องสงสยัยแต่ไม่ได้มาหลอกหลอนให้เกิดความหวาดกลัวคงจะมีเจตนาแค่มาล้อเล่นเพราะว่าก่อนจะหายไปยังถลกผ้าอวดก้นจิ๋วๆให้ดูซะด้วยแต่ผีหลอกคุณลุงคำที่น่ากลัวที่สุดก็คือเหตุการณ์หลังจกเจอผีเด็กมาแล้วไม่นานคืนนั้นคุณลุงคาก็นอนอยู่ในพระวิหารเก่าคนเดียวเหมือนเดิม ขณะเอ็นกายนอนบนเสือ่อมองขึ้นไปบนเพดานอพระวิหารก็มองเห็นตะเกาคู่หนึ่งตาลงมาจากอกไก่ของวิหารตะเกาก็คือตะขอเหล็กที่เป็นมือถือที่คนจีนก็ใช้เกี่ยวกระสอบข้าวสารนะครับเขาเรียกตะเกาปรากฏว่าตะเกาวคู่นั้นตายลงมาตามฝาผนังเหมือนมีชีวิตพร้อมๆกันนั้นก็มีดวงไฟดวงหนึ่งลอยตามตะเกามาด้วย เมื่อตะเกาไต่ลงมาใกล้พื้นดวงไฟก็ลุกโผลงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณลุงคําก็รู้สึกพรั่นพึงเป็นที่สุดถ้าตะเกาผีตรงมาที่ตนก็ไม่รู้จะทํำยังไงขณะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือหลับตาปีสวดมนต์สวดคาถาเท่าที่จะนึกได้แล้วก็นึกถึงหลวงพ่อเนียมให้ช่วยอย่างเดียวคุณลุงคํานอนใจเต้นโครมครามอยู่พักใหญ่ก็ลืมตาขึ้นมาดูปรากฏว่าไม่เห็นอะไรอีกตะเกาและดวงไฟหายไปหมดแล้ว คืนนั้นถึงได้นอนหลับหลับตื่นตื่นกระทั่งรุ่งเช้าและตั้งแต่นั้นก็รู้สึกขยะดที่จะไปนอนในพระวิหารเก่าคนเดียวอีกครับนั่นก็เป็นเรื่องของคุณลุงคําที่ได้เล่าไว้แล้วก็บันทึกไว้ในหนังสือที่ว่านะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องผีนางตันีให้ฟังครับที่จังหวัดปัตตนีครับครอบครัวของอหมัด อมัดนี้อายุห้าสิบสองปีเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ภรรยาวัยสี่สิบหกปีมีบุตรชายบุตรสาวอีกสามคนบุตรสาวคนกลางมีครอบครัวแล้วก็แยกไปอยู่กับสามีแล้วคงเหลือแต่นายไพโรดบุตรชายคนโตอายุยี่สิบห้าปีแล้วก็บุตรสาวคนเล็กวัยยี่สิบสองปี ฐานะของครอบครัวก็จัดว่ามีอันจะ ก, กินเนื่องจากเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสวนยางพาราโดยมีลูกจ้างทําหน้าที่กรีดยางหลายคนซึ่งล้วนแต่เป็นชายชกันชาวอิสลามสถานที่ตั้งของสวนยางก็อยู่ในตำบลแยร่ริงจังหวัดปัตตานีกิจการดำเนินไปด้วยความราบรื่นบุตรชายคนโตก็รับผิดชอบผลผลิตที่ได้ดูแลกิจการแทนบิดาทุกอย่างรวมทั้งครอบครัว เดือนเมษายนปี2538ครอบครัวนี้ได้จ้างลูกจ้างใหม่อีกสองคนเพิ่มจากที่มีอยู่หลายคนแล้วเนื่องจากมผีผลผลิตเพิ่มขึ้นลูกจ้างใหม่ทั้งสองนี่เป็นพี่น้องกันอายุ26ปีแล้วก็28ปีคนพี่นี่ชื่อนายช้างรูปร่างสูงใหญ่ส่วนคนน้องชื่อนายริม ทั้งคู่ทำงานกรีดยางด้วยความขยันขันแข็งเข้ากับคนงานเก่าวได้เป็นอย่างดีอมัดก็ปลูกเรือนพักเป็นไม้ชั้นเดียวจำนวนสิบกว่าห้องสำหรับเป็นที่พักของคนงานมีน้ำไฟให้ใช้อย่างสะดวกสบายเรียกว่า ก, กินอยู่พร้อมสัรพไม่จำเป็นต้องใช้เงินเดือนสองพี่น้องทำงานได้เพียงสามเดือนเหตุการณ์อันไม่คาดคิดก็ได้อุบัติขึ้นในช้าง ผู้เป็นพี่เนี่ยปรากฏว่าถูกพบเป็นศพนอนตัวแข็งทื่ออยู่ในบริเวณดงกล้วยตานีบริเวณหลังเรือนพักคนงานศพถูกคนงานไปพบข้าวในตอนเช้ามืดวันหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการชนะสูตรพริกศพพบว่าตามร่างกายไม่มีบาดแผละอะไรบริเวณที่เกิดเหตุก็ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ในเวลาต่อมาศพก็ถูกเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลประจาจังหวัด เพื่อทําการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุของการเสียชีวิตการตายอย่างแขวงไว้ด้วยปริศนาของนายช้างเป็นหัวข้อสนทนาของคนทั่วไปต่างก็ให้ความเห็นกันไปต่างๆนาน า, นาแต่ครอบครัวของอมัดได้ลงความเห็นว่านายช้างเสียชีวิตด้วยเกิดอาการหัวใจล้มเหลวฉับพลันอมัดเขาก็บอกกับภรรยาของเขาบอกว่ามันน่าแปลกนะแม่มึง ไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนเลยไอช้างมาตายเอาง่ายๆอย่างนี้ภรรยาเขาก็พยักหน้าอ่าคนนั่นนะสิพ่อมึงไอช้างมันแข็งแรงยังกะอะไรดีตัวหรือกว่าสูงใหญ่แต่มาตายเอาง่ายง่ายอย่างนี้ข้านา่ยดาไม่ออกว่าทําไมถึงหัวใจวายได้ลูกชายคนโตก็บอกว่าฉันว่าไม่น่าจะใช่หัวใจวายนะ คนแข็งแรงแล้วก็ยังหนุ่มชะกันอย่างในช้างเนี่ยไม่มีวันเป็นอย่างนั้นได้หรอกอืมจริงอย่างที่ไอ้ทิศมันว่าน่ะเดยิ่งนึกก็ยิงแน่ใจตัวใหญ่ยังก็ยักปักกรหลันยังงั้นไม่หัวใจไวไง่ายๆหรอกเขาว่ามันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆบทสนทนาในวันนั้นหาข้อสรุปที่แน่ชัดไม่ได้การตายอย่างมีปริศนาของนายช้างยังคงเป็นที่ค้างคาใจของทุกคนอยู่ งานศพของนายช้างก็รู้ล่วงไปด้วยดีโดยครอบครัวของอมัดดำเนินการพร้อมด้วยชาวบ้านใกล้เคียงอีกจำนวนหนึ่งในริมน้องชายของนายช้างผู้ตายเปิดเผยว่าตนนั้นไม่ได้รู้เห็นอะไรกับการตายของพี่ชายคืนก่อนพบศพนายช้างนี่ยังนอนอยู่ในเรือนพักแต่จะออกไปข้างนอกตอนไหนตัวไม่รู้หรอกเพราะนอนหลับตามปกติยามค่ำคืนคนงานจะออกจากห้องพักเพื่อไปห้องน้ำซึ่งถือว่าก็เป็นเรื่องปกติ เมื่อเสร็จตัวส่วนตัวแล้วก็จะกลับเข้าห้องพักตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันที่ออกจากห้องพักเป็นครั้งเป็นคราวยามค่ำคืนเวลาผันผ่านไปตามลำดับจนกระทั่งเหตุการณ์ปริศนาที่เกิดขึ้นกับนายช้างกำลังจะถูกลืมเลือนไปจากความทรงจําอยู่แล้วเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนั้นก็ได้อุบัติเกิดอีกครั้งในตอนเช้ามืดวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนั้นคนงานกรีดยางคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบไปแรยงานอามัดระร่ำร ะ, ะรักนาย นายน่นนายไอ้ไอ้ไอ้ริมอามาัดก็ขโมดคิว้วอะไรของมึงวะทําไมไอ้ริมมันทําไมไอ้ริมไอ้ริมมันนอนตัวแข็งทื่อลืมตาโปรงอยู่ในดงกล้วยตอนนี้เฮ้ยอามาัดหันไปตะโกนเรียกภรรยาแม่มึงแม่มึงมานี่เดี๋ยวสิเออะอะไรกันแต่เช้าแหละพ่อมึงไอ้แกงมันมาบอกว่าไอ้ริมนอนตัวแข็งทื่ออยู่ในดงกล้วยน่ะแม่มึง ลูกชายคนโตและลูกสาวคนเล็กก็เข้าไปสมทบเอาอีกแล้วเดีอพ่อทั้งหมดก็เดินตามคนงานไปยังดงกล้วยภาพที่ปรากฏต่อสายตาก็ทำให้ทุกคนถึงกับลืมตาพลงในริมนอนนิ่งในลักษณะปราศจากลมหายใจดวงตาลืมพลงแต่ใบหน้าคล้ายกับคนที่กำลังมีความสุขเต็มเปี่ยมไม่มีบาดแผลอะไรปรากฏให้เห็นบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใด เครื่องแต่งกายก็ยังอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่ติดตัวมันอะไรกันวะเนี่ยโอ้ห่างกันไม่กี่เดือนเลยนะั่นี่แม่มึงไอริ ม, มันตามพี่ชายมันไปแล้วไปอย่างเดียวกันเลยอะไอทิดเอ็มไปตามเจ้าหน้าที่มาทีสิในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเคลื่อน ย, ย, ย้ายศพไปยังโรงพยาบาลชาวบ้านใกล้เคียงก็เข้าไปมุงดูกันแน่นขนาด วิพากษ์วิจารณ์เงินเสียงขมไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้อีกเพราะมันได้เกิดขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อไม่นานมานี้การเสียชีวิตของนายริมได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวา ง, วางหลายคนให้ความเห็นที่น่ารับฟังว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างแอบแฝงอยู่ในบริเวณดงกล้วยตานีแต่จะเป็นอะไรนั้นไม่มีใครสามารถบอกได้อฮามัดก็บอกกับภรรยาบอกว่า ข่าว่าต้องมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างเป็นแน่ออาแล้วพ่อมึงว่าเป็นอะไรอ่ะอืมอมามัดจ้องเงียบไม่อาจจะหลุดคำพูดอะไรออกมาได้คนอื่นๆก็เหมือนกันมองตากันไปมองตากันมาแต่ก็ไม่มีใครเอ่ยคาอะไรออกมารู้ได้เพียงว่าในริมจะต้องออกจากห้องพักตอนใดตอนหนึ่งยามค่าคืนอาจจะทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เดินกลับเข้าห้องพัก หากแต่เดินเตรด ต, ต่อไปยังดงกล้วยตานีและคงได้พบอะไรสักอย่างและสิ่งนั้นเองที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเหตุการณ์ปริศนาครั้งที่สองนี่ทำให้ไพโรธบุตรชายคนโตของครอบครัวต้องครุ่นคิดอย่างหนักในฐานะที่เขารับผิดชอบการงานทั้งหมดเมื่อเกิดเหตุการณ์ในด้านลบกับคนงานของเขาเขาจะต้องคลำหาเหตุให้ได้ไม่อย่างนั้นคนงานอาจจะต้องขอลาออกด้วยความกลัวและเมื่อนั้นปัญหาจะต้องเกิดขึ้นแน่ เขาจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนก่อนที่เหตุการณ์จะอุบัติขึ้นเป็นครั้งที่สามคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงแจ่มใสสายลมพิ้วไหวให้ความชื่นใจไพโรธก็เดินลงจากบ้านขณะนั้นทุกคนก็หลับกันอย่างเป็นสุขชายหนุ่มเดินช้าๆไปยังหมู่ดงกล้วยตานีมือข้างขวาก็ล้วงกระเป๋ากางเกงอุ่นใจเมื่อปืนจุดสองสองแมกนัมกระบอกจิว๋วพร้อมจะทาหน้าที่อยู่ในกระเป๋า แม้ว่าจะกระบอกจิว๋วแต่อานุภาพไม่จิว๋วสามารถรัวได้รัวเร็วหมดแมกซีนเจดนัดกระสุนที่ใช้ก็เป็นกระสุนหัวตัดแสดงแน่นอนว่าอานุภาพร้ายแรงกว่ากระสุนธรรมดาบริเวณดงกล้วยตอนนีเงียบสงัดตอนนั้นแสงจันทร์สุรวเขาก็มองไปรอบๆเห็นได้เพียงความว่างเปล่าจุดที่ยืนนี่เป็นจุดเดียวกับที่คนงานทั้งสองคนนอนเสียชีวิต เขาหมุนตัวช้าๆท่ามกลางความเงียบมันเงียบซะจนน่ากลัวไม่ปรากฏสิ่งแปลกปลอมอะไรให้เห็นขณะที่ชายหนุ่มกำลังจะเดินกลับนั่นเองสายตาก็พบร่างร่างหนึ่งยืนอยู่หน้าต้นกล้วยใกล้ๆตัวเขาชายหนุ่มจ้องขมิงพร้อมกระสงสัยว่าเป็นใครมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วมาทําไมเมื่อเพ่งมองชายหนุ่มถึงก็ลืมตาโงพงเพราะร่างนั้นเป็นร่างของผู้หญิงเรือนร่างอวบอัดใบหน้าหวานซึ้ง ไพรูดเนี่ยยอมรับว่าเธอสวยเหลือเกินอาจจะสวยที่สุดในบรรดาหญิงสาวที่เขาเคยเห็นมาเขาก็เข้าไปหาแล้วก็ถามว่าเอานี้เธอเป็นใครกันเนี่ยแล้วมาที่นี่ได้ยังไงฉันอยู่แถวนี้เองละ่ะมาคอยเขาเขา่ใครอะตอนนั้นกลิ่นหอมชื่นใจช่วยเข้าจมูกชายหนุ่มเขาคนนั้นจะเป็นใครก็าตามเขาไม่สนใจแล้วอ่า เหมือนกับต้องมนเขายกมือไปจับหัวไหล่หญิงสาวเสร็จแล้วก็ดึงเธอเข้ามาไว้ในอ้อมแขนหญิงสาวไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใด้ะแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลือนหายไปในความมืดแม่มึงแม่มึงสังเกตไหมว่าไอ้ทิ์หมู่นี้มันสูบซีดไปถนัดใจเลยพูดก็น้อยลงอามัดนะปรึกษากับภรรยาเมื่อประจักษ์ว่าลูกชายคนโตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นั่นนะสิพ่อมึงไอ้ทิศมันเปลี่ยนไปคล้ายๆเป็นคนละคนกับไอ้ทิศคนเดิมนะที่เขาว่ไมา่ได้การซะแล้วแม่มึงว่าพ่อควรจะคุยกับมันสัหน่อยไหมละ่ะก็ดีแล้วละ่ะเรียกมันมาถามดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันมัง่งยังไงก็จะแก้ไขได้ทันท่วงทีส่วนไพโรจน์นั้ไม่อาจจะตอบคําถามของพ่อได้เพราะเขาไม่รู้ตัวเองว่าได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเขาไม่รู้จริงๆรู้แต่เพียงว่าทุกข่ําคืนใกล้สองยาม เขาคือผู้ชายที่มีความสุขมากที่สุดในโลกผู้หญิงที่แสนสวยคนนั้นจะให้ความสุขแก่เขาอย่างท่วมทน้นเขาไม่สนใจว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเขาไม่ได้แ้่ป라า่เรื่องนี้แก่ผู้ใดทั้งสิน้นคืนนั้นก็เหมือนกันหากใครสักคนมีตาทิพย์จะเห็นได้ว่าที่โคนต้นกล้วยตานีก็มีร่างหนุ่มสาวประคองกอดกันอย่างมีความสุขแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปอีก มาจนกระทั่งถึงตอนเช้ามืดมีเสียงคนงานระร่ำระลักนายนายอะไรมีอะไรวะลูกชายนายนอนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นน่นะนะอมัดสะดุ้งเฮือกเลยเขาตะโกนสุดเสียงเฮ้ย hey, แม่เมองแม่เมองสิบ่ายกันใหญ่แล้วรู้ไหมสมาชิกในครอบครัวทลาไปยังดงกล้วยตานีแทบไม่ทันหายใจหายคอภาพที่ปรากฏต่อสายตาทาให้ผู้เป็นแม่สะอื้นออกมาโอ้ทิศ นี่เองก็โดนกับเขาด้วยเหรอไม่น่าเลยพ่อมึงไอ้ทิดมันออกมาตรงนี้ทำไมกันวะออกมาหาที่ตายแท้ๆจากการชันสูตรพลิกศพพบว่าไม่พบบาแดแผลใดๆทั้งสิ้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้ผู้ตายอยู่ในชุดนอนปืนกระบอกจิ๋วยังคงอยู่ในกระเป๋ากางเกงทรัพย์สินในตัวอยู่ครบถ้วนที่น่าแปลกก็คือใบหน้าของศพคล้ายๆกับคนที่มีความสุขเต็มเปี่ยม ดูได้ว่าคงจะอมยิ้มก่อนที่จะสิ้นลมเขาตามคนงานสองพี่น้องไปในที่สุดโดยที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดในเมื่อผู้ตายเป็นบุตรชายของเจ้าของสวนยางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นที่ฮือหาของคนทั่วไปอหมัดสั่งให้คนงานโค่นดงกล้วยตานีทิ้งในเวลาต่อมาเมื่อไม่ให้ตรงนั้นเป็นที่ตายของใครต่อใครอีกและหญิงสาวหรือนางตานีตนนั้นก็คงจะปราศจากที่อยู่อาศัย แต่คงไม่เป็นไรอ่ะเพราะเธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการแล้วเธอได้ครอบครองเขาผู้นั้นคือผู้ที่เธอรอคอยเธอคงจะพาเขาไปครองรักกันแล้วโดยไม่ต้องพึ่งพาดงกล้วยตานีอีกต่อไปโดยพากันไปครองรักกันในเมืองผีของเธอนั่นแหละเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนทางเหนือสมัยก่อนแต่เรื่องเกิดนานมาแล้ว ในหมู่บ้านที่คุณพิกุลที่เล่าเรื่องนี้เคยอยู่แล้วก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นละแวกไหนหัวบ้านท้ายบ้านกลางบ้านเวลามีคนในหมู่บ้านตายทีหรือว่ามีงานศพทีหนึ่งพวกเด็กๆเนี่ยน่ะกําลังซนเนี่ยไม่กลัวอะไรหรอกเราจะเล่นซนกันไปพิกุลเล่าว่าตอนที่ยังเล็กอยู่ถ้าหากว่าในหมู่บ้านมีงานศพเกิดขึ้นโดยคนตายที่มาเด็ดต า, ตายตามอายุ ข, ขัยคือตายผิดธรรมชาติ หรือว่าตายโหงตายปัจจุบันทันด่วนเนี่ยนะตายไม่ได้สั่งลาก็มักจะมีเรื่องตื่นเต้นให้เล่าขานกันไม่รู้จบรู้สิน้นเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่พิกุลกำลังจะขึ้นชั้นป .6 แถวบ้านของพิกุลก็มีงานศพเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายของปีของคนในหมู่บ้านนั่นแหละที่ต้องบอกว่าเป็นศพสุดท้ายก็ว่าเขาตายในคืนวันที่31ธันวาคม ตายสงท้ายปีอะนะปีนั้นหนาวมากตอนนั้นผู้คนต่างพากันเล่าลือกระพือที่มาของความตายครั้งนั้นกันท่วงหนนะ้าเพราะว่าเป็นการตายแบบกระทันหันคนตายในชื่อลุงหมืน่นแกเป็นคนข้างบ้านของคุณพิคุลนี่แหละพิคุลยังจําได้แม่นว่าตอนเช้ามืดที่อากาศหนาวเหน็บนะอยู่ๆคนทั้งหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงร้องไห้อ่า คนทางเหนือเขาเรียกเสียงให้เสียงหุยเสียงกรีร้องร่ำรำพันของผู้หญิงที่ได้รับความเจ็บปวดหรือว่าวิปรโยคโศกเศร้าอย่างที่สุดซึ่งมันผิดปกติมากเพราะว่าสมัยนั้นในคืนวันส่งท้ายปีเก่าชาวบ้านชาวเมืองอคือไม่มีการจุดพลุเขาดาวอะไรกันนี่อ่าไม่เหมือนสมัยนี้ยิ่งถ้าเป็นตามชนบทก็ยิ่งไม่มีอะไรตื่นเต้นทุกวันก็ยังผ่านไปเป็นธรรมดา อย่างมากก็แค่ไปวัดใส่บาตรสมัยนั้นเวลาจะทําบุญใส่บาตรเนี่ยจะมีเด็กวัดเดินตีคลองไปตามซอกซอยในหมู่บ้านให้รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นช้าวันพระหรือว่ามีการใส่บาตรส่วนถ้าเดินตีคองตอนเช้ามืดเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณว่าอีกเดี๋ยวนะจะมีพระมาบิณฑบาตแล้วให้ชาวบ้านเตรียมตัวไว้คนสมัยนั้นก็รู้กันอย่างเนี้ยนะ อีกนานหลายสิบปีเลยกว่าจะมีเสียงตามสายเนี่ยเสียงประกาศตามสายมาให้รู้ว่าจะมีงานอะไรกันบ้างส่วนการตีคองเป็นสัญญาณให้รู้ว่าจะมีพระมาบินทบาต ท, ทุกเช้าเนี่ยไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ค่นรุ่งคืนสิ้นปีที่ว่าเนี่ยในบ้านของพิกุล ค, คนทั้งหมดก็ลืมตาตื่นอยู่แม่ของพิกุลรีบจุดตะเกียงน้ำมันกา๊าอ่ะแล้วก็พูด อะไรกันไม่รู้งึมงิบงงิบอยู่สองคนพิกุลก็อดกัน้นความอยากรู้อยากเห็นเอาไว้จนถึงที่สุดเวลานั้นเสียงที่ว่าร้องไห้โหยหวนเนี่ยดังชัดเจนมากมาจากแถวแถวรอบบ้านนั่นแหละแรกๆที่ได้ยินมันเสียงเย็นโหยหวนชวนคนลุกมากต่อมาก็ได้ยินเสียงคนวิ่งหากันกึดคักคุดคั ก, กเสียงเรียกตะโกนหากันโบกเวกโบกเวก จากนั้นก็มีเสียงคนช่วยกันตะโกนเรียกชื่อลุงมืน่นลุงมืน่นซึ่งพิกุลคิดว่าฝาฟ้าจะสว่างชื่อลุงมื่นเนี่ยคงจะเรียกดังเป็นสักร้อยครั้งเห็นจะได้พิกุลถึงได้รู้ว่าลุงมื่นเพื่อนบ้านคนนั้นแกจากโลกนี้ไปแล้วก็นอนทนฟังเสียงห้า ي เสียงโหยเนี่ยเขาะ น, นุ่นเคาะนี่ปึงปังจนฟ้าสว่างแล้วอ่ะเขขยี้หูเขยี้ตาเปิดมุ่งออกมาเรียกหาพ่อกับแม่ ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านหรอกพวกเขาพากันวิ่งโร่ลงจากบ้านไปตั้งแต่เห็นบ้านข้างๆจุดตะเกียงกันสว่างโรแ่แล้วแล้วผู้คนก็พากันแห่มาทุกสารทิศพร้อมกับพูดคุยกันเอะอะที่บ้านลุงมืน่นนะพอรู้ความมากขึ้นเนี่ยพิกุลถึงได้รู้ว่าการที่เขาตะโกนเรียกชื่อลุงหมืน่นซ้ําแล้วซ้าเล่าก็เพราะว่าเพื่อเรียกดวงจิตวิ ญ, ญญาณว่าขวัญน้องแกให้กลับมาเข้าร่าง ด้วยลุงหมืน่นแกไม่ได้ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรเท่าที่ทุกคนในหมู่บ้านเห็นมานั่นน่ะเมื่อวานนี้แกก็ยังร่างกายแข็งแรงสบายดีเพราะจู่ๆป้าอุ่นเมียของแกมาบอกว่าแกไม่มีลมหายใจแล้วอ่ะอ่าเรียกยังไงก็ไม่ตื่นแต่ว่าเนื้อตัวยังนุ่มนิ่มอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแกแค่หลับลึกไปเท่านั้นเองหรือไม่ตามความเชื่อแล้วเขาก็เชื่อครลากขวัญว่าดวงจิตวิญ ญ, ญาณของลุงหมื่นเนี่ยอาจจะแค่ออกไปเที่ยว ตอนนี้ดวงจิตแกอาจจะหลงทางอยู่หรือไม่ก็ไปติดอยู่ที่ไหนก็เลยหาทางกลับไม่ถูกหากทุกคนช่วยกันกูกล้องร้องเรียกบางทีหากแกได้ยินชื่อตัวเองดวงแกยังไม่ถึงคาดนะขวัก็อาจจะหาทางกลับเข้าร่างได้ที่สุดลุงหมื่นแกก็อาจจะสะดุ้งตื่นมาอีกครั้งก็เป็นได้ส่วนเสียงปึงปังโครมครามที่พิกุลนอนได้ยินด้วยความกลัวตัวแข็งทื่อเพราะความตกใจนั้น ก็เกิดจากการที่ชาวบ้านเขาช่วยกันทุบฝาบ้านช่วยกันทําเสียงดังๆปลุกเขาเรียกผีหอผีเหอนอ่าผีย้าวิเรืนนี่แหละพระภูมิเจ้าที่เทวดารักษาบ้านรักษาตัวลุงมืน่นเพื่อให้ไปตามให้ขวัญด้วยว่าดวงจิตวิญญาณลุงมื่นกลับเข้าร่าชาวบ้านที่ช่วยกันงัดฝาบ้านทุบเป็นโครมครามโครมครามคนที่ขึ้นไปยืนตะโกนเรียกลุงมืน่นบนหลังคาบ้านก็มีนะ ที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้วิญญาณลุงหมื่นกลับมาถูกทางแล้วทั้งเพื่อบอกให้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนที่เวลานั้นอาจจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนอยู่ไม่ได้อยู่เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนทามีคนทุบถงังทําบ้านพังนึกเสียงดังอย่างเงี้ยเจ้าทีเจ้าทางอาจจะสะดุ้งแล้วก็รีบกลับมาดูบ้านเรือนว่ามีเหตุร้อนเหตุร้ายเกิดแล้วอ่ะก็อาจจะออกไปตามเรียกลวงจิตลุงหมืน่นให้กลับมาเข้าร่างก็เป็นได้ทั้งหมดนี่เป็นความเชื่อ ชาวบ้านก็ช่วยกันทําอย่างเนี้ยอยู่นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่าลมหายใจยของลุงหมื่นก็ไม่กลับมาหลายคนก็สายหน้าเออถ้าจะหมดหวังซะแล้วหลายคนบอกว่าถ้านําส่งโรงพยาบาลก็อาจจะมีหวังมั้งแต่มีเสียงขัดคานว่าในจํานวนนี้ไม่มีใครเป็นญาติลุงหมื่นเลยแม้แต่สักคนหนึ่งการจะทําอะไรกับร่างของแกจะต้องให้ญาติเขาเป็นคนจัดการในตอนเนี้ยญาติลุงหมื่นนะมีเพียงคนเดียวคือป้าอุ่น ซึ่งเป็นภรรยาเท่านั้นแต่ป้าอุ่นก็ไม่เหลือสติสตังที่จะตัดสินใจอะไรได้นอกจากเป็นลมพับแล้วพับอีกแม้จะพูดจาก็ยังไม่รู้เรื่องอย่างนี้จะพึ่งป้าอุ่นให้ตัดสินใจอะไรได้อะ่ะแล้วอีกประการหนึ่งกว่าจะถึงโรงพยาบาลซึ่งอยู่ไกลเหลือเกินนั้นเส้นทางออกกันดานระหุกระเหินเกิดเอาร่างลงหมื่นไปปลายกลางทางนะ่ะคนพาไปอาจจะเป็นบาปติดตัวไปตัดทางกรรมลงหมื่นแก เป็นเวีเป็นกรรมต่อกันอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถซึ่งเขาก็ถึงก็สายหน้าวะ่ะทาไมตกลงก็ให้แน่ชัดซะก่อนนะเขาจะไม่มีวันออกรถเด็ดขาดเขาไม่อยากจะมีเวีนมีกรรมกับลุงหมืน่นมีหนาซ้ําอีกหลายเสียงก็คารว่าถ้าเกิดลุงหมื่นก็ยังไม่ถึงคราวไปจริงดวงยังไม่ถึงคาดเกิดดวงจิตวิญญาณนะขวัญทั้งสามสิบสองประการนะแกรู้สึกตัวแล้วกลับมามาบ้านได้ถูกทางแต่กลับหาร่างไม่เจออ่ะ เพราะว่าร่างลุงหมื่นมันไม่ได้อยู่ที่เก่าแล้วอ่ะทีนี้จะโทษใครอ่ะบาปเวรจะตกที่ใครเอาละสิทีนี้ผู้คนต่างก็ทุมเถียงกันจ้าละวันตอนนั้นก็เลยไม่มีใครสักคนในที่นั้นแม้แต่พวกผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านก็ไม่มีใครกล้าตัดสินใจว่าควรจะเอากไปโรงพยาบาลหรือเปล่าต่างคนต่างก็รอกันอยู่อย่างนั้นอ่ะบางคนก็บอกอีกว่าถ้าไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าลุงหมืน่นตายแล้ ว, แ ล, วแล้วเกิดเขาฉีดยากันเน่ากันหนอนอะไรให้อ่ะ ดวงจิตลุงหมื่นที่เนี้ยถึงจะมาก็หมดโอกาสเข้าร่างแล้วเพราะว่าร่างกายมันตายเพราะยาฉีดไปแล้วดังนั้นร่างของลุงหมื่นก็เลยถูกทิ้งไว้กลางเรือนเพื่อจะรอญาติมาตัดสินใจแกก็นอนเหยียดร่างอยู่ในสภาพที่มีผู้คนห้อมล้อมและผลัดกเข้ามาขย่างเอาขยาวแข้งขยาวขาเรียกชื่อแกลุงหมืน่นลุงหมืน่นจนพี่กุลก็เดินไปโรงเรียนแล้วเสียงเรียกชื่อลุงหมื่นก็ยังดังอยู่เลยแต่ว่าแผ่วลงมากแล้ว พอเรียกยังไงลุงหมื่นแกก็ไม่ยอมขานไม่ยอมหายใจแล้วอะ่ะจนตกเย็นพอพิดกุลกลับมาจากโรงเรียนก็ยังเห็นคนอยู่กันเต็มบ้านเต็มช่องค่ําแล้วเขาก็ยังไม่เอาลุงหมื่นใส่ในโรงแม้ว่าจะช่วยกันต่อโรงยนเสียเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เอาผ้าคลุมร่างแกไว้เพื่อรอญาติซึ่งได้มีการส่งข่าวไปถึงกันแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาการส่งข่าวคราวก็ไม่ได้สะดวกสบายง่ายเหมือนกับตอนนี้ คนลงส่งข่าวทางโทรเลขไปจากบ้านปลาอุ่นที่จังหวัดอไปที่จังหวัดแล้วก็ให้ญาติปลาอุ่นเดินทางไปบอกญาติลวงมืน่นอีกจังหวัดหนึ่งทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่มีใครกําหนดได้ทั้งหมดจึงได้แต่รอแล้วก็รอส่วนพวกแม่ครัวก็เริ่มหุงหาอาหารมาเลี้ยงกันตกค่ําชาวบ้านถึงได้เริ่มคุยกันว่าจะต้องรอญาติถ้าญาติแกมาถึงแล้วถึงจะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องศพ ทำบุญตามประเพณีให้สักกี่วันเพื่อจัดการงานศพให้เป็นไปตามประเพณีก่อนที่จะนําไปเผาที่ปา่าช้าชาวบ้านเขาก็ช่วยกันจัดงานศพแม้ว่าจะหมดหวังแล้วว่าลุงหมื่นจะฟื้นแม้จะทําการห้างรอยห้างรอยคือพิธีกรรมอาบน้ำชำระสาสางแล้วก็แต่งตัวให้ศพเสร็จแล้วก็เอาลุงหมื่นนอนในโรงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตอกตะปูปิดฝาโรงให้สนิทยังคงรอญาติแกมาแล้วก็รอแกฟื้น แล้วในวัน ต, ต่อมาเมื่อร่างแกเริ่มแข็งทื่อแล้วก็เอาน้ําแข็งใส่ในโลงเพื่อรักษาสภาพศพไว้โชคดีที่อากาศค่อนข้างหนาวเหน็บน้ําแข็งมันถึงละลายช้ามากจากนั้นก็จัดงานศพตามประเพณีโดยกําหนดเอาศพไว้ทําพิธีที่บ้านถึงเจ็ดวันทั้งเผื่อคนอยู่ไกลจะได้มาร่วมงานศพได้แล้วก็เผื่ออีกอย่างก็คือเผื่อแกจะฟื้นเด็กๆนับวันแล้วก็เริ่มพูดจนว่าแกจะฟื้นหรือปล่า แล้วก็จะฟื้นขึ้นมาในสภาพไหนต่างคนต่างก็จินตนาการแล้วก็แต่งเรื่องหลอกหลอนกันทุกวันพวกเด็กๆนะจนกระทั่งญาติลุงหมื่นและญาติประอุ่นเดินทางมาถึงก่อนวันเผาศพเพียงวันเดียวซึ่งถือว่ายังทันแล้วก็จึงเป็นเรื่องแน่แท้แน่นอนว่าลุงหมื่นไม่มีทางฟื้นมาอีกแล้วตลอดทั้งเจ็ดวันที่ศพตั้งอยู่ที่บ้านแม้จะพูดกันว่าคนตายจะรู้ตัวว่าตายก็สามวันผ่านไป แต่ก็ไม่มีใครได้เห็นอะไรหรือว่าฝันอะไรเลยแกคงจะไปจริงๆแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็บอกว่าให้รอดูตอนอยู่เฮือนเย็นกันเถอะคาว่าเฮือนเย็นเนี่ยในท้องถิ่นหมายถึงบ้านคนธรรมดาทั่วๆไปที่อยู่กันทุกวันนี่แหละแต่เมื่อใดพอมีความตายเกิดขึ้นแล้วคนก็จะเรียกบ้านนั้นว่าเฮือนเย็นทันทีเพราะว่ามันหมายถึงบ้านที่มีคนตายแล้วเพิ่งเอาศพไปเผาแล้ว โดยในระหว่างที่มีคนตายแล้วก็มีการจัดงานศพในบ้านหลังนั้นชาวบ้านก็จะเรียกว่าเฮือนศพแต่พอมีการเอาศพไปเผาแล้วบ้านหลังเดียวกันนั้นก็เปลี่ยนจากเฮือนศพเป็นเฮือนเย็นจนกระทั่งจะมีการทำบุญกระดูกรียบร้อยนะคำว่าเฮือนเย็นที่ผู้คนเรียกกันเนี่ยมันจะเงียบเหงาเศร้าโศกมากเมื่อมีความตายเกิดขึ้นยิ่งพอศพถูกเผาไปแล้วญาติมิตรทยอยกลับบ้านช่องกัน บ้านหลังนั้นก็จะเยียบเย็นวังเวงทั้งจากความโศกของเจ้าของบ้านและจากบรรยากาศที่เพิ่งจะคึกคักก่อนหน้านั้นไม่กี่วันจากนั้นความเงียบเหงาวังเวงก็จะค่อยๆห่างหายไปเองเหมือนกับความเศร้าโศกของคนในบ้านก็จะค่อยๆคืนคลายหายสูญไปด้วยอ่าเป็นไปตามระยะเวลาเพราะว่าแต่เดิมบ้านหนึ่งบ้านใดเมื่อมีความตายเกิดขึ้นแรกเริ่มผู้คนก็จะตกใจตกตะลึงกับความจริงที่เพิ่งได้รู้ แล้วจึงเศร้าโศกกันก่อนจากนั้นก็จะเป็นระยะเวลาของความวุ่นวายของพิธีการต่างๆตามประเพณีและความเชื่อทางศาสนาเพื่อจัดการพิธีศพเรียบร้อยอผู้คนทั้งหมู่บ้านจะมาช่วยกันจัดงานศพสามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วแต่เจ้าภาพจะกำหนดขึ้นมาระหว่างนั้นผู้คนก็จะมาช่วยกันเต็มบ้านทั้งกลางวันกลางคืนจนกระทั่งถึงวันเผา ผู้คนจำนวนมากที่มาร่วมงานศพทุกวันหรือว่ามาร่วมส่งศพในวันสุดท้ายก็จะหายไปหมดที่นี่ในบ้านก็จะมีแต่ความวิเวกวังเวงใจหลังจากมีการจัดงานศพลุงหมื่นขึ้นที่บ้านของแกแล้วเจ็ดวันแล้วก็เผาร่างของแกในวันสุดท้ายของการจัดงานศพที่ประชาเรียบร้อยแล้วในระหว่างนั้นชาวบ้านก็จะทำตามรีตามรอยที่เคยทากันมา นั่นก็คือยังไปที่บ้านของลุงมืน่นซึ่งในตอนนั้นเรียกว่าไปเฮือนเย็นอันเป็นที่รู้กันว่าเขาพากันไปบ้านลุงมืน่นเดิมนั่นแหละในระหว่างนี้บ้านที่เงียบเหงาหลังอันศพก็ค่อยๆคึก ค, คักขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเย็นๆหลังจากกินข้าวเย็นกันแล้วก็จะมีชาวบ้านพากันไปเยี่ยมที่เฮือนเย็นนั้นเพื่อจะคลายความเงียบเหงาให้เจ้าของบ้านแล้วก็แสดงความเป็นเพื่อนความเห็นอกเห็นใจต่อกัน สมัยนั้นในหน้าหนาวที่หนาวมากๆนี่ทีวีเหมือนกับสมัยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีให้ดูอะ่ะชั้นแต่วิทยุก็ยังไม่ใช่ของที่ชาวบ้านมีใช้กันอย่างแพร่หลายผู้คนก็จะนั่งล้อมวงผิงไฟกันแทนรอบวงกองไฟก็มักจะมีการพูดคุยเรื่องอนวนเรื่องนี้ขัดกันเล่าอ่าเกี๊ยวหรือวันนิทานชาวบ้านตลกตลกอ่านิยายเก่าแก่ต่างๆ บางคนก็เป็นท่วงทํานองกรอนพื้นเมืองเพื่อให้คนที่มาเฮือนเย็นได้ฟังกันสนุกสนุกสร้างความคึกคักชื่นบานให้กับเฮือนเย็นแล้วก็เพื่อคลายความโศกให้กับเจ้าของบ้านได้ลืมความทุกข์ความอะไรในตัวของผู้ตายเพราะว่าบ้านของลงมือนในอยู่ติดกับบ้านของคุณพิกุลที่ว่าเนี่ยในช่วงนั้นพอกลับจะโรงเรียนเมื่อไหรพิกุลก็จะละเหิดไปอยู่เฮือนศพตามได้เฮือนเย็นทุกเย็นทุกค่ําตามพ่อแม่ไป เพื่อนเย็นก็จริงแต่ไปแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนรุนแรงคราวเดียวกันมีการบ้านก็เอากันบ้านไปทํานะเช่นเดียวกับเพื่อนแถวๆนั่นแหละคุยกันหัวเราะกันพ่อแม่ของพวกเด็กๆนี่ก็เหมือนพ่อแม่ของพีกุลนั่นแหละไปที่ไหนก็มักจะยกขยงไปกันทั้งบ้านเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ตางก็เห็นใจป้าอุ่นเมียลุงหมืน่นเพราะว่าแกเพิ่งจะสูญเสียสิ่งที่เป็นที่พึ่งอย่างเดียวในชีวิต ชนิดที่ไม่ทันจะได้ตั้งเหนือตั้งตัวทั้งต่อไปแกจะต้องเหลืออยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าแกทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนมาจากถิ่นอื่นจึงไม่มีญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดอยู่ที่นี่ด้วยเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับลุงหมื่นกับป้าอุ่นเนี่ยเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีน้ําใจเอื้อเฟื้อที่ผ่านมาเนี่ยหมู่บ้าน ใครเดือดร้อนลําบากที่ไหนใครใครเจ็บเป็นเย็นอุ่นแกก็ไปเยี่ยมไปเยือนใครรื้อบ้านเก่าขึ้นบ้านใหม่ใครแต่งงานใครบวชลูกหลานหรือว่ามีใครเจ็บใครตายแกก็ไปช่วยงานเขาด้วยความเต็มอกเต็มใจทุกครั้งถึงคราวแกลําบากกันผู้คนถึงได้รุมเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือมากกว่าใครๆดังนั้นทุกคนที่อยู่และแวกบ้านใกล้เรือนเคียงต่างก็มาอยู่เฮือนเย็นเป็นเพื่อนปะอุ่น หญิงไ ม, ม่หมัดหมัดคนี้บางก็ช่วยกันหุงหาทํากับข้าวกับปลาเลี้ยงกันไปกินกันไปคุยกันไปคลื้นเพราะว่าป้าอุ่นกับลุงหมืน่นทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนมาจากต่างถิ่นอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเสร็จงานศพญาติของป้าอุ่นก็กลับถิ่นที่อยู่กันหมดป้าอุ่นก็ไม่เหลือใครที่จะสนิทพอที่จะปลอบอกปลอบใจให้แกหายเศร้าหายโศกได้ส่วนญาติของลุงหมืน่นผู้ตายที่ยังรออยู่เพื่อจะ รองานเก็บกระดูกก็เห็นจะมีแต่หลานชายของแกคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ดูลึกลับอายุเลยวัยกลางคนไปแล้วศักยันเต็มตัวมีหน้าตาน่ากลัวไว้หนวดเครารกครึ้มยะวันวันเอาแต่นั่งหน้าครึมเฝ้าขวดเหล้าก็เลยไม่ค่อยมีใครไปสูงสิงด้วยเท่าไหร่นอกจากโอภาปราศัยตามประสาชาวบ้านเท่านั้นเนี่ยตามประเพณีแต่เดิมมาหลังจากเผาศพแล้วเนี่ยตั้งแต่คืนนั้นไปสามหรือว่าเจ็คืน ถ้าเป็นศพคนมีอายุที่ตายตามอายุไขหรือว่าตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่รู้เห็นกันอยู่ว่าเจ็บป่วยมานานชาวบ้านเขาก็จะมีเหือนเย็นกันสามคืนส่วนศพของหนุ่มสาวที่ผู้ใหญ่มักพูดกันว่าตายหนุ่มตายกรรมตายบทันไดสั่งไดลาก็มักจะมีเฮือนเย็นเจ็ดคืนเพื่อเป็นการปลอบขวัญให้ความอบอุ่นใจแก่เจ้าของบ้านไปด้วย ชาวบ้านไปเป็นเพื่อนป้าอุ่นอยู่เฮือนเย็นได้แค่เพียงคืนแรกก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อมีคนเห็นร่างของลุงหมืน่นวับวับไปมาให้เห็นตอนที่พวกสาวสาวลุกขึ้นนึ่งข้าวตอนเช้ามืดนั่นแหละขณะคนนึ่งกำลังก่อเตาฟืนอีกคนหนึ่งกำลังทำอะไรก็ไม่รู้ก็เห็นร่างลุงหมื่นเดินแซดแซดอยู่ในดงกล้วยให้เห็นเป็นตัวเป็นตน ทั้งคู่ทิ้งงานที่ทําอยู่ร้องกรี๊ดกรีดโวยวายไม่ได้สับจนทําำมาคนแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านบางก็ว่าลุงมืน่นแกคงจะเพิ่งรู้ตัวว่าแกตายไปแล้วก็เลยกลับมาเก็บหอยตีนหอยมือนะเก็บรอยตีนรอยมือนี่ยนะเอาตอนเนี้ยเรื่องผีลุงมืน่นปรากฏร่างให้เห็นตอนเช้ามืดที่เป็นที่โจทย์จันกันมากเวลานั้นเพราะว่ามีคนเห็นพร้อมกันสองคนตาถึงสองคู่ยืนยันอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องจริงแน่นอน เพือนเย็นของป้าอุ่นในคืนที่สองผู้คนก็คลาคลํำมาช่วยกันสร้างขวัญและกำลังใจให้กันและกันมีคนไปนิมนต์พระมาเทศธรรมให้คนอยู่เฮือนเย็นและชาวบ้านที่มาเยี่ยมมาเยือนในคืนนี้ฟังซึ่งคืนนี้ก็มีคนนอนอยู่เฮือนเย็นมากขึ้นชาวบ้านสมัยนั้นเป็นอย่างนี้มักจะไม่ยอมละทิ้งกันต่อให้เป็นคนมาจากถิ่นอื่นในยามทุกยามยากอย่างนี้ผู้คนก็เห็นอกเห็นใจกันเสมอ พิกุลกับเพื่อนก็เหมือนกันคนอื่นก็ไปเหือนเย็นกันพวกเด็กๆก็ต้องแห่กันไปด้วยใครจะรู้บางทีลุงหมืน่นอาจจะไม่แค่อยากเดินให้เห็นแค่ในบ้านตัวเองอาจจะมาเยี่ยมมาหาใครที่อยู่บ้านคนเดียวก็เป็นได้เพราะฉะนั้นไม่เอาไปอยู่บ้านโน้นเลยดีกว่าคืนที่สองนั่นเองพวกผู้ใหญ่ก็ลองดูว่าที่ลุงหมื่นกลับมาให้เห็นแกเพียงมาเก็บรอยเท้าหรือว่าแกออกมาให้เห็นด้วยต้องการจะบอกอะไรใคร หรือว่าแกห่วงหาอะไรอะไรเพราะว่าแกไม่ได้สั่งได้ลาแกถึงต้องเป็นอย่างนี้คนที่อยากจะรู้ก็ลองทายใจลงหมื่นดูก่อนนอนพวกเขาก็พากันเข้าไปในเรือนไฟเรือนไฟก็คือห้องครัวเนี่ยแล้วก็เอากระด้งมาวางไว้สองสาอันจากนั้นก็เทขี้เถ้าใส่ลงไปในกระดงเกลี่ยให้สม่าเสมอจนเต็มกระดงเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้บนเตาบ้างบนหลังตู้บ้างบนคือคาบ้าง จากนั้นก็พากันเข้านอนขั้นตอนเหล่านี้พวกของพิกุลก็ไปแอบชะโงกดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นดูเสร็จแล้วก็กลับมาซุบซิบกันบางคนก็ต่างคาดเดาไปต่างๆนานาว่าจะเห็นอะไรบนกระด้งนั้นพอตื่นกตอนเช้ามืดบรรยากาศอันน่าตื่นเต้นนี้พิกุลก็จดจำได้อย่างแม่นยำดังนั้นพอรุ่งเชา้าพิกุลตื่นแล้วหนาวแสนหนาว แต่พี่กุลพอลืมตาแล้วก็เด้งดึงขึ้นมาจากที่นอนเลยรีบล้างหน้าแปลงพันก็โดดผึงลงจากเรือนวิ่งมาเฮือนเย็นทันทีแต่ก็ช้ากว่าคนอื่นแล้วก็กว่าพวกเพื่อนๆ อ, อยู่ดีเพราะว่าทุกคนก็มาอยู่ที่นั่นอย่างหมดแล้วเมื่อไปถึงพวกเขาก็ทำหน้าตาลึกลับแล้วก็ซุบซิบกันไปมากว่าพิกุลจะรู้ว่าเขาซุบซิบอะไรกันก็ต่อเมื่อเข้าไปเรือนในเรือนไฟหรือว่าในครัวแล้ว เห็นกระด้งขี้เท้าสามสี่อันนั้นทุกใบมีร่องรอยเขี่ยขีดไปมาบางอันเหมือนกับรอยไส้เดือนเลื้อยบางอันก็เหมือนมีอะไรมาขยุ่มกี้เท้าเป็นวงๆแล้วก็มีกระด้งอันหนึ่งเขียนตัวหนังสือยึกยั ก, ย ก, ย ก, ยกอ่านได้ความว่าขอนอ่าพวกผู้ใหญ่ก็แปลว่าลุงมื่นมาบอกให้เอาไปลงขอนกระด้างนะ ขอนกระดั่งเนี่ยหมายถึงการไปเชื้อเชิญให้ดวงวิญญาณแกมาเข้าม้าขี่หรือว่าร่างทรงแกคงมีอะไรที่อยากจะบอกป้าอุ่นหรือว่าสั่งเสียญาติพี่น้องของแกวันนั้นทั้งวันที่โรงเรียนพวกของพี่กุลก็พูดกันถึงแต่เรื่องเนี้พอพี่กุลกลับมาถึงบ้านตอนค่ำก็รู้ว่าเขาพากันไปลงขอนแล้วเมื่อเข้าไปนั่งแอบฟังพวกผู้ใหญ่คุยกันเขาก็เล่าถึงตอนที่ลุงหมินมาเข้าทรงว่าน่าสงสารมากทั้งป้าอุ่นและลุงหมิน ร้องไห้กอดกันกลมกล่าวล่ําลากันตลอดกัน่าที่เขาเชื่อว่าเป็นลุงมื่นชัดเจนก็เพราะมีการทดสอบโดยการเอาเสื้อผ้าลุงมืน่นและเอาของคนอื่นๆปนไปด้วยเมื่อลุงมื่นเข้าร่างอ่าร่างม้าทรงแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเลือกเอาเสื้อผ้าของตัวเองมาใส่ได้ถูกต้องแล้วก็ยังถาม ถ, ามถึงข้าวของของตนเองอย่างไม่มีผิดพลาด และเมื่อเข้าร่างมาสรงแล้วคำพูดคำจาน้ำเสียงท่าทางนั้นก็จะเป็นของลุงหมื่นชัดๆเมื่อพูดคุยกันแล้วก่อนจะจากลากันตลอดการลุงหมื่นก็ได้บอกพวกชาวบ้านคนที่พากันไปดูแกลงขอนอภิธีนี้เขาเรียกอิธีลงขอนว่าก่อนแกจะได้รับอนุญาตมาที่นี่อีกครั้งเนี่ยแกได้ลงไปในนรกได้ไปเจอพวกคนที่แกเคยรู้จักตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หลายคน พวกนี้บ้างก็เคยเป็นนายพรานบ้างก็เกกมเรเกเรขี้เหล้าขี่ยาดา่าพระดา่าเนนพวกที่ทุบตีพ่อแม่ลูกเมียพวกขี่ลักขี่ขโมยพวกที่ชื่อว่าเป็นชู้กับเมียชาวบ้านล้วนแล้วแต่มีสภาพทุกทรมานจากโทษทันความชั่วที่พวกตัวได้เคยทําไว้ตอนมีชีวิตทั้งสิน้นคนพวกนั้นเมื่อตายไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเกิดที่ไหนได้รับทุกขเวทนาที่น่าสงสารมาก แก่เห็นแล้วก็เวทนาจับใจจึงรับความมาบอกญาติพี่น้องให้ทําบุญอุทิศทานไปให้พวกเขาบ้างแล้วแกก็ยังเตือนคนที่ยังอยู่ว่าขอให้มันทําความดีเข้าไว้เพราะว่านารกสวรรค์นั้มันมีจริงๆหลังจากเก็บกระดูกของลุงหมื่นเรียบร้อยญาติของลุงหมื่นเพียงคนเดียวที่ว่าเนี่ยก็แบ่งกระดูกบางส่วนกลับไปยังบ้าน้องแกบอกว่าจะเอาไปฝังรวมกับพวกปู่ย่าตายายตระกูลของเขา และชายผู้นี้ก็ยังบอกอีกว่าปู่ของตัวก็ตายแบบเดียวกันลุงหมื่นนี่แหละแต่ว่าแกตายไปได้วันหนึ่งก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แกยังอยู่บนโลกมนุษย์อีกเกือบเดือนก่อนที่จะตายไปจริงๆอีกครั้งเขายังบอกว่าเหมือนกับพวกคนในตระกูลของตัวเนี่ยล้วนเป็นแบบเดียวกันแบบนีกคือหลับตายตายแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวตายแล้วฟื้นบ้างไม่ฟื้นบ้างแต่ว่าตายโดยไม่มีโรคมีภัยอะไร แต่ที่แน่ๆตอนที่ปู่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาก็พูดเหมือนที่ลุงมื่นไปลงขอนมาแล้วเนี่ยบอกไม่มีผิดกันเลยเรื่องความตายของลุงมื่นแล้วเรื่องเล่าของผีเหินเย็นหลังจากนั้นจึงยังคงอยู่ในความทรงจาของพิกุลแล้วก็ชาวบ้านมาอีกนานจนบัดนี้พอถึงคืนวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมอันเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เรื่องของลุงมืน่นผีเหอนเย็นก็มักจะ เข้ามาตอกย้ําความทรงจําของพิกุลเสมอนับเป็นครั้งแรกในชีวิตของพิกุลที่ได้รู้จักกับความตายความกลัวความเชื่อบุญบาปกรรมเวร น, นรกสวรรค์ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่าเนี้พิกุลได้รู้ได้เห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตมันจึงยังอยู่ในความทรงจํามานานและทําให้พิกุลเชื่อเรื่องเวรกรรมอย่างฝังจิตฝังใจมาจนบัดนี้เช่นเดียวกับเพื่อนของพิกุนในรุ่นราวคราวเดียวกันที่ยังมีชีวิตอยู่ ต่างก็ยังเป็นคนที่อยู่ในยุครั่งเดิมที่กลัวบาปแล้วก็มุ่งมั่นทำความดีโดยสม่าเสมอแต่เมื่อพิคุณเห็นหนุ่มสาวยุคนี้เห็นผู้คนสมัยนี้เห็นการทำความชั่วการทำเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วพิคุณก็นึกถึงเรื่องของลุงมืน่นและนึกกลัวใจคนสมัยนี้ครับพิคุณบอกว่ากลัวจริง เรื่องแปลกๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสนองครับนายสนองหนุ่มบ้านนอกทํางานโรงงานขีม่มอตอร์ไซค์ไปทํางานทุกวันหยุดวันอาทิตย์วันหนึง่งออกจากบ้านตอนเช้าตอนเย็นก็กลับบางวันมีงานล่วงเวลาก็ทํางานเพิ่มเติ ม, มยังไม่มีเมียเป็นคนร่างใหญ่แข็งแรงอ่าแต่ว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครอ่ไม่ชอบมีเรื่องไม่เคยหาเรื่องกับใคร ทำงานหาเงินอย่างเดียวซื้อเครื่องเสียงมั่งซื้อทีวีตู้เย็นเอาไว้ใช้เขาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็น้องอีกสองคนครอบครัวก็อบอุ่นดีคืนนั้นห้าทุมแล้วเขาทํางานล่วงเวลาพองานเลิกก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านมาตามถนนรอปชในหมู่บ้านเลยวัดตาลสูงมาหน่อยก็ได้ยินเสียงปืนสองนัดเขาหันหลังแต่เสียงมันมันน่าจะดังอยู่ข้างหน้านะไม่ใช่ข้างหลังอะขับมาอีก ครูหนึ่งก็เห็นจากแสงไฟหน้ารถว่ามีคนนอนอยู่บนถนนยกมือโบกท่าทางขอความช่วยเหลือที่แรกจะผ่านไปแล้วแต่เห็นผู้ชายคนนั้นเลือดโชกเลยที่หน้าอกแล้วก็ท้องก็เลยลงไปช่วยเหลือเขาก็บอกว่าเขาโดนยิงพาไปหาหมอหน่อยอ้าวแล้วมอเตอร์ไซค์จะไปยังไงอ่ะเอ้าเอากอดเอวได้ไหมล่ะนั่งกอดเอวก็ไม่รู้จะทํายังไงทุลักทุเลกัน กอดเอวกันพาไปส่งที่สถานีอนามายัยหมอที่นั่นเขาไม่รับตัวบอกให้เขาส่งโรงพยาบาลอ้าวก็ไม่มีรถจะมีแต่รถมอเตอร์ไซค์จะไปยังไงอ่ะเอาคนเจ็บกอดไปเดี๋ยวก็ไปล่นตุ๊บกลางทางพอดีตายกันบดีด้วยความเหนื่อยจากการทํางานด้วยความที่ว่ามันยังไงมันก็ไปไม่ได้เขาก็เลยทิ้งคนเจ็บให้คนที่อนามัยจัดการนะเขาขับรถกลับบ้านไม่ไหวแล้วถ้าเอาไปคงตายกลางทางแล้วจะขับได้ไงอ่ะ คืนนั้นเขากลับมาบ้านแล้วก็นอนก็นอนคิดว่าคนเจ็บจะเป็นตายร้ายดียังไงเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนตัวก็หนักเออเกิดตายที่ท้ายรถนี่อุ้ยกลัวผีอะม่เอาะหลับไปได้ความอ่อนเพียฝันเห็นคนเจ็บที่โดนยิงมายืนขวักมืออยู่ที่หน้ารั้วบ้านเขาตกใจตื่นพอ ร, รู้ว่าฝันไปก็ถอนให้ใจโล่งอก ตอนเช้าเขาได้ข่าวเรื่องการที่มีคนโดนยิงอ่ะคนถูกยิงนั้นสถานีอนามัยเขาพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วแล้วก็มีตำรวจไปสอบถามเขาถึงโรงงานว่าพบคนเจ็บได้ยังไงเขาก็เล่าให้ฟังเย็นนั้นเขาก็ต้องทํางานล่วงเวลาอีกกลับเร็วหน่อยสามทุ่มกว่าไม่ดึกนักแล้ขับผ่านหน้าวัดไปแล้วเขาก็นึกถึงเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาพราะขับมาเดี๋ยวหนึ่งเขารู้สึกว่ารถมันหนักหนักเหมือนมีคนซ้อน เขาเหลียวไปมองก็ไม่เห็นใครแต่ว่ารถมันก็ยังหนักอยู่ก็ทําให้เขาสงสัยมากเขาก็คอยหันไปมองบ่อยๆแต่ก็ไม่เห็นใครเลยเอ๊ะมันยังไงกันทําให้เขาสงสัยเขาก็ขับรถตรงกลับบ้านแต่ก็นึกแปลกใจยอยู่เหมือนกันที่ข้างๆทางนี่เอ๊ะทําไมวันนี้มันไม่เหมือนกับทางกลับบ้านปรากฏว่าเขาขับมาช่วงหนึ่งก็มาเจอสะพานเออเขายังไม่ทันคิดอะไรก็รู้สึกว่ามีรถเสียงคนกระโดดตบลงจากรถ ท้ายรถก็เบาลงทันทีเขาก็รีบเบรกหันไปมองไม่เห็นใครแต่ตรงนั้นน่ะมันเป็นหน้าสถานีอนามัยที่เขามาเมื่อคืนเนี้ยเขาก็งงมากวันนี้เขามาทําไมเขาจะกลับบ้านแต่ดันขับมาอีกทางหนึง่งอ่าในสนองก็งงไปหมดเหลียวหน้าเหลียวหลังแล้วขับรถย้อนกลับบ้านระหว่างทางก็นึกนึกไม่ออกอ่าว่าเลี้ยวรถไปสถานีอนามัยตอนไหน เข้ามาถึงบ้านหมาหอนกันหวยหวนี่แม่เปิดไฟให้แล้วถามเขาว่ามากับใครเขาก็บอกมาคนเดียวแม่ก็บอกอ้าวแล้วยืนอยู่นั่น ใ, นใครอ่ะข้างรถนั่นในสนองเหลียวไปมองก็ไม่เห็นว่ามีใครพอดีแม่เขาก็พูดบอกอ้าวหายไปไหนแล้วอ่ะเขาขึ้นเรือนแม่ก็ยังถาม ถ, ามถึงคนนั่นอยู่อ่าก็บอกแม่ว่าไม่ได้มากับใครนะมาคนเดียวแม่ก็เลยพูดว่าสงสัยแม่ตาฝาดไปเองอาบน้ํากินข้าวอิ่มแล้วก็เข้านอน อ่ะก็นอนคนเดียวม้อยหลับไปแล้วก็รู้สึกว่ามันมีใครมานอนเบียดอยู่ข้างๆตื่นขึ้นมาดูก็ไม่เห็นมีใครก็หลับต่อไปหลับไปได้ครู่หนึ่งก็รู้สึกมีคนมานอนด้วยอีกแล้วอ่ะทีนี้เอามือคลาเหมือนกับโดนตัวคนตัวเย็นเจี๊ยบเลยเออะเขาร้องลั่นเลยเพราะนึกถึงผีเปิดไฟไม่มีใครเลยสักคนเดียวอ่ะตื่นกันทั้งบ้านเลยทีนี้พอเขาเล่าให้แม่ฟัง เรื่องที่รู้สึกว่ามีคนมานอนด้วยแล้วก็เรื่องที่ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนจะมีคนซ้อนไปหน้าสถานีอนามัยแม่ก็เลยเล่าว่าเมื่อตอนเย็นนี้คนเขาพูดกันว่าคนที่โดนยิงตายตายตั้งแต่ตอนดึกเมื่อคืนที่แล้วแต่หมอช่วยด้วยเครื่องมือจนยืดลมหายใจถึงสี่โมงเย็นก็ไม่ไหวนะแม่เขาบอกว่าที่เขาเจอนะสงสัยจะเป็นผีไอ้เจ้าคนโดนยิงนั่นแหละ ในสนองนี่กลัวมากหยุดทำงานล่วงเวลาดึกดึกตั้งหลายเดือนกลัวผีจะมาหลอกเอาอีกรู้กันในภายหลังว่าคนตายเป็นพวกเซียนพนันหลอกกันมายิงทิ้งต่อมาก็จับมือปืนได้เขารับสารภาพเขาฆ่าโดยความแค้นในสนองไม่ไปทำงานล่วงเวลาเขาก็ไม่โดนผีหลอกเว้นไปหลายเดือนก็ขาดรายได้ไปตั้งเยอะทำให้เขาต้องหวนกลับไปทำงานพิเศษอีกก็ทำให้เขาต้องขับรถกลับมาในตอนกลางคืน ที่มันทั้งมืดทั้งเงียบคืนแรกก็ไม่มีอะไรคืนที่สองก็ยังไม่มีอะไรแต่พอคืนที่สามเท่านั้นในสนองก็ต้องอกสานขวัญผวาทีแรกเขาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะเห็นมันเป็นกลุ่มควันข า, ขาวๆอยู่กลางถนนเขาก็นึกว่าใครมาสมไฟไล่ยุงหรือว่าเผาขยะแต่แล้วมันก็ไม่ใช่เขากําลังจะผ่านกลุ่มควันนั้นไปเแ็จแล้วกลุ่มควันก็จางหายไปอย่างรวดเร็ว พกลุ่มควันจางหายวับไปสิ่งที่เขาเห็นก็คือร่างของผู้ชายคนที่ว่าเน่ยยืนอยู่ได้ร่างอันโชกเลือดอย่างน่าสยองทั้งที่หน้าอกและที่ท้องเต็มไปด้วยเลือดทีแรกเขาจะเบรกรถแต่แตนึกได้นึกได้ว่าร่างนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นผีนี่อ่าขับชนหรือว่าผ่านมันไปเลยเพื่อตัวเองจะได้รอดพ้นไปหลับหูหลับตาเร่งเค ร, รื่องพุ่งเข้าหาร่างนั้นเสร็จแล้วรถก็ผ่านไปได้อย่างสบายๆไม่ได้มีเสียงดังโครมหรือว่าเสียงรถชนอะไรทั้งสิน้น เอาแล้วสิทาให้เขาไม่กล้าหันไปมองทั้งที่อยากจะรู้นั่นแหละแต่ก็ไม่มองแข็งใจขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านพยายามจะบิดเครื่องเร่งเครื่องให้เร็วๆแต่มันกลับเหมือนมีอะไรมาถ่วงรั้งข้างหลังเอาไว้อย่างหนักอึ้งเลยจนเขารู้สึกเหมือนรถจะหยุดเขาก็เลยต้องหันไปมองมองไปเท่านั้นแล้วก็ตกใจแทบจะสิ้นสติเพราะว่ามีสิ่งที่รั้งท้ายรถอยู่จริงๆ ก็คือใครคนหนึ่งแขนข้างนั้นเกาะที่ท้ายรถด้ร่างนั้นก็คือร่างของผีที่เขาขับรถผ่านร่างมันมาในสนองทนไม่ไหวทิ้งรถโดดหนีออกวิ่งไม่คิดชีวิตเลยร้องให้คนช่วยเสียงดังเอะอะหมดเขาได้ยินเสียงมันตามมาข้างหลังมันร้องได้ยินเสียงแต่ว่ามึงไม่ช่วยกูมึงไม่ช่วยกูมึงไม่พากูไปหาหมอกูจะฆ่ามึงในสนองหนีจนถึงบ้านพอถึงบ้านหมดสติเลยพอฟื้นก็จับไข้หนัก เขาต้องขอขมาวิญญาณดวงนั้นขอให้หายเจ็บไข้แล้วก็บวชให้ผีตนนั้นเป็นเวลาเจวันเขาไม่ทำงานล่วงเวลาอีกเลยเพราะความกลัวมันฝังใจไม่ลืมครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ